ของเราทั้งหลายนี่ใครสวรดมงคลสามสิบแปดได้บ้างเนาะในห้องเราเนี่ยยกเป็นสวดเป็นภาษาบาลีนะคุณหมอบรรลพบได้ก็คิดเข้าใจว่ามีหมออยู่คนเดียวนี่แหละที่รักษาไข่พร้อมทั้งสวดภาพปริศด้วยรับทํารับสวดภาพปริตด้วยนะเฉพาะญาติ <c oughs> นะลองสวดมงค ล, ลสูตรพร้อมๆกันเป็นภาษาบาลีนะ พหูเทวามนุษย์จะมังคลานิอาจินตยยงอากังขมานาโสทานังพรูหิมังคลโมดตะมังอาเสวานาจะภาลานางังปันดิตานันจะเส ว, วานาปูชาจะปูชนียนานังเอตามังคลมดตะมัง ปติรูปเทสวะโสจะปปุเปจักตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิเตตัมังขลโมตตมังพาหุศาสัญจะเสปัญจะวินาโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาเจยาวาจาเอตัมังขลโมตตะมัง มาตาปิตุอุปัตต์นังปุตตธาราสังขโหอนาคุลาจักรามันตาเอตัมมังคลโมตัมังท่านั้นจะธรรมะจริยาจะยาตกานั้นจะสังขโหอนนวะเนกรมะเนเอตัมมังคลโมตัมัง อารติวิรติมาจปานาจัสัญญโมอาปัมาโตจารธรรมเมสุเอตํมกละโมตมังฆาระวัวจนิวัโตจัสันตุทิจักตันกาเลนธรรมะสวันังเอตํม <laughs> <laughs> <laughs> ขัลโมตัมังขันติจัสมวาจัสตาสัมมานาณัจะทาสันังกาเลนะธรรมะสาการชาเอตัมังขลโมตัมมัปโปจะพรัมมจาริยันจาริยสัจจานัธาสนังเนปหาณะ จะเอตัมมังคะละมุนตัมังโพทาสโลกตามไม่จิตยาสานกรมปติอโศกังววรชังเขมังเอตัมมังตัมังเอตตาทิสานิกาตวานาสัพพัทมะปราชิตาสัพพัสสด คาชันติตันเตสังมังคะลโมตามันตินี่ก็เป็นคาถาในภาษาบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงมงคลซึ่งถ้าหากว่าเราทั้งหลายสวดเป็นภาษาบาลีได้หรือเป็นภาษาไทยได้ก็ดีเพราะว่าเป็นหลักในการเอาไปใช้ไปปฏิบัติได้จริงๆ หลักมงคล น, นั้นเชื่อว่าเป็นหลักแห่งการปฏิบัติเนี่ยนะสามารถเอาไปปฏิบัติได้เลยนับตั้งแต่ข้อหนึ่งไปต้นไปถ้ากล่าวตามคำภีคุถะนิกาย<ม>เล่มที่เรากำลังใช้เรียนอยู่เนี่ยนะมีชื่อว่าคำพีคุธธกะนิกายคุธธกะปาถะในบรรดาคุธธกะนิกายมีอยู่สิบห้าประเภทนะอันนี้ประเภทที่หนึ่งเรียกว่าคุธธกะปาทะ คตกะปาถะก็มีเนื้อหาหลักๆอยู่เก้าเรื่องนะนะเก้าเรื่องเรื่องแรกเรื่องที่หนึ่งเขาเรียกว่าเรื่องไตรสารณคมเรื่องการถึงสาระเลยอัเรื่องที่สองเป็นเรื่องของสิกขาบทสิกเนี่ยนะเป็นเรื่องของศีลอัเรื่องที่สามเรื่องอาการสามสิบสองเรื่องที่สี่เรื่องสัมมเนนปัญหาเนี่ยนะเรื่องสัมมเนนปัญหา เรื่องที่ห้ามงคลสูตรเรื่องที่หกรับตะนสูตรเรื่องที่เจ็ดติโรกุธทธสูตรเรื่องที่แปดนิธิกันสุดท้ายเมตสูตรเรื่องเมตตาถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยนะเป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อหาเล็กน้อยที่สุดจึงใช้คำว่าคุถกะปาฐะก็ไม่ผิดอะไรเพราะมีเรื่องอยู่แค่เก้าเรื่องเอง แล้วก็เป็นเรื่องที่เขานิยมสวดกันนะนะเป็นเป็นเรื่องที่นิยมสวดกันในงานมงคลต่างๆอนนัอย่างพุทธังสารนังคัจฉามิเราก็ใช้ใช้บ่อยมากเลยใช่ไหมเกิดมาเป็นชาวพุทธเนี่ยคำนี้จะได้ยินน้อยกว่านะโมอยู่หน่อยเดียวนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังคัจฉามิคาเหล่านี้เราจะได้ยินบ่อยมาก นะเพราะเพราะเป็นหัวใจสําคัญที่สุดในการเข้าถึงพระศาสนาเป็นเบื้องต้นแห่งการเข้าถึงพระศาสนาเลยทีเดียวเนี่ยนะส่วนเรื่องที่สองเรื่องที่สองเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องศิกษาบทเรื่องศีลปานาติปาตาเวรมณีสิกษาประทางสมาธิามีเรื่องศีลนี้ก็นับว่าเป็นหัวใจที่สําคัญอันดับสองหลังจากถึงไตราสารนาคมเนี่ยก็ต่อด้วยเรื่องศีล ทีนี้เมื่อผู้ที่มีศีลดีก็เจริญกรรมฐานใช่ไหมกรรมฐานที่มีอุปการะมากกรรมฐานที่มีคุณมากต่อการปฏิบัติก็คือการเจริญอาการสามสิบสองนะนะการสาธยายการที่เจรณาอาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนะเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกนีนะหัวใจตับพังผืดม้ามปอดเป็นต้นนี่นะทั้นกรรมฐานเหล่านี้ก็ก็สามารถที่จะเอาไปเจริญได้ เอามาพิจารณาได้นะ่ยะานเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเห็นนะก็นับว่าเป็นกรรมฐานเป็นสมาธิภาวนาส่วนเรื่องที่สี่เกี่ยวกับสัมมาเนนตันหาสัมมเนนตันหานั้นเป็นธรรมะประเภทปัญญาเลยเหนะ็นเป็นปัญญาศิขาถ้าถ้าเรียง ต, ตอนแรกเลยนะทวนว่าสาระคมคือการถึงนะอันนี้ถือเป็นใช่ไหม เมื่อถึงสาระแล้วสองต่อด้วยศีลศีลสามกรรมฐานคืออาการสามสิบสองสี่วิปัสสนาหรือเรื่องปัญญาเรื่องปัญญานั้นอยู่ในสัมมเนนตัญหาเป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องปัญญาตรงๆทั้งสาระคมศีล ส, สมาธิปัญญาทั้งหมดนั้นเป็นมงคลเพราะฉะนั้นจึงต่อด้วยมงคล นี่ก็มาขึ้นมงคลทีนี้ถ้าผู้ที่ได้มงคลเนี่ยนะก็ตั้งอยู่ในรัตนะละลึกถึงคุณพระรัตน์ตรายอ น, นั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับรัตนสูตรนั่นเองส่วนเราดูในหน้าหนึ่งร้อยสิบเก้าเนี่ยนะก็จะเห็นที่กล่าวตามลำดับบัดนี้ถึงการพัฒ น, นาความแห่งมงคลสูตรที่ยกเป็นบทตั้งต่อลำดับจากกุมารปัญหาในที่นี้ข้าพเจ้าจะกล่าวประโยชน์แห่ง บทตั้งแล้วจึงจักพัน น, นาความแห่งมงคลสูตรนั้นถามว่าอย่างไรเล่าความจริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ไม่ได้ตรัสตามลําดับถ้าลําดับเทศนานะไม่ได้แสดงแนวนี้หรอกอนะเพราะว่าสูตรเหล่านี้เนี่ยอยู่คนละเมืองคนละเมืองอยู่ตามที่ต่างๆแต่ข้าพเจ้ากล่าวเพื่อแสดงว่าการนับถือพระาศาสนาด้วยการถึงสารณนะ พระสังคีติกาจาร์เนยเรียงเรียงเรียงขึ้นต้นแห่งการเข้าถึงาศาสนานี้การเข้าถึงาศาสนานี้สำคัญที่สุดคือเรื่องของสรารนค ม, มนะเราคงพอและลึกได้ใช่ไหมว่าการเข้าถึงสารณาคมนั้นคือการมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าในฐานะพระองค์ผู้ ตรสรู้อริยสัจธรรมโดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองอันนี้เป็นเรียกว่าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะส่วนพระธรรมคืออะไรพระธรรมก็คืออ น, นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วโดยสภาวะหมายถึงอริยมรรคอริยผลนิพพานและปริยติธรรมอันนี้ก็นับว่าเป็นธรรมะเนี่ยนะธรมังสารนังฆะฉามิ ทวนอีกครั้งหนึ่งนะปริยัตอริยมรรคอริยผลนิพพานมีสประการเนี่ยถือว่าเป็น อ, องค์ธรรมที่เรียกว่าธ ร, รมมังสารนังข้าฉามิเพราะว่าธรรมทั้งหมดนี้จะทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วสังคังสารนังข้งาฉ า, ามิหมายถึงคาว่าพระสงฆ์นั้นหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติตาม ที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วได้บรรลุมัผลนิพานผู้ใดที่ตั้งอยู่ในมัผลนิพานผู้นั้นเรียกว่าพระอริยสงฆ์คือคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเพียงตัวบุรุษได้แดบุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระพุทธเจ้านั้นคําว่าพระอริยสงฆ์ที่เราถึงเป็นสารณะนั้นหมายถึงพระอริยบุคคลผู้ที่ได้มัผลนิพานานะเถอ ถ้าเรามองเอาสภาวะมรรคผลนิพพานเป็นที่ตั้งจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ตรัสรูม้มรรคผลนิพพานถ้าทำคําสอนก็สอนเรื่องมรรคผลนิพพานพระอริยะทั้งหลายที่ปฏิบัติแล้วบรร ล, ลุมรรคผลก็บรร ล, ลุในมรรคผลนิพพานทีนี้มรรคผลนิพพานนั่นแหละก็คือสิ่งเดียวกันกับการตรัสรู้อริยสัจ น, นะเพราะว่าอริยสัจมีสี่ประการใช่หมหนึ่งทุกข อ, อริยสัจสอง ทุกขาสมุทัยอริยสัจสามทุกขานิโรธอริยสัจสี่ทุกขานิโรธาคารมินีปฏิปทาอริยสัจทุกขานิโรธทุกขานิโรธอริยสัจนั้นเป็นชื่อของพระนิพพานเนี่ยนะเป็นชื่อของพระนิพพานทุกขานิโรธาคารมินีปฏิปทาเป็นชื่อของอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคอริยมรรกก็มีอยู่สี่ระดับใช่หมหนึ่งโสดาปฏิมรรค สองสกทาคามีมกักสามอนาคามีมกักสี่อรหัตตมักอริยมักทั้งสี่ประการมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อันผู้ที่เข้ามานับถือพระศาสนานี้สามประการนี้ถือว่าสารณะที่สูงสุดที่บุคคลจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน น, นะเป็นเบื้องแรกเลยนะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยศึกษาไปศึกษามาก็ ห่างสารณะไปเรื่อยถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องเนีนะห่างพระพุทธเจ้าห่างพระธรรมแล้วก็ห่างพระสงฆ์ถามว่าห่างได้ยังไงเป็นไปได้ไหมห่างเช่นอย่างเรียนพระธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะเรียนพระพิธรรมในบางกลุ่มในบางทั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะอันนี้เราเราพูดข้อเสียเพื่อจะได้แก้ไขถ้าศึกษาพระพระพระธรรมหรือพระพิธรรมไม่ดีไม่ถูกต้อง ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าขึ้นไหมพระองค์เป็นผ้าอาหารตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเราจะระลึกตรงนี้ได้บ่อยไหมแล้วถ้าศึกษาไม่ดีเนี่ยนะเราจะระลึกได้หรือว่าทําไวจะธรรมะทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกลงไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ไปสู่อบายทุกคติวินิบาดนรกอัะนนะีเพราะธรรมะเนี่ยรักษาผู้ปฏิบัติตามให้เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงแล้วหมู่พระอริยสงฆ์อเป็นใคร พานหัวใจสําคัญที่สุดเบื้องแรกของการเข้าถึงพระพุทธศาสนานั้นคือการถึงไตรสรณคมการถึงไตรสรณคมนั้นนับว่าเป็นวิธีบวชอย่างแรกที่สาวกบวชให้แก่กันตอนแรกเลยพระพุทธเจ้าเวลาอุปสมบทให้พระภิกษุทั้งหลายท่านจะอุปสมบทด้วยเอหิพิขุอุปสมัมปทาที่แปลเป็นไ ท, ไทยว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถอเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ถ้าพระองค์ตรัสเรียกแค่นี้ ผู้ผู้นั้นเนี่ยจะได้เป็นนักบวชแล้วเป็นพระพิสุเลยทีนี้ถ้าพระสาวกบวชให้กันนะขั้นแรกตอนแรกพระองค์เนี่ยอนุญาตให้บวชแบบถึงไตราสรารณคมเป็นคําบวชพระเลยนะโยมไม่ใช่คําธรรมดานะผู้ทางสารนังฆะชามิเนี่ยจากคารวะเป็นพระพิสุทันทีเลยการกล่าวคํานี้นะผู้ทางธรรมังสังขังสารนังฆะชามิทุติยามปิตตาเตยามเปตเนี่ย ตอนหลังมาเป็นคาบรประชาสัมมณีทุกวันนี้สัมมณียังบวชด้วยคำว่าพุททางสารนังคาชามิอยู่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เข้าถึงพระศาสนาก็พูทางสารนังฆาชามิเนี่ยนะจะได้ดีจะตกยากจะเจริญจะเสื่อมก็ดูได้จากพุททางธรรมังสังฆังสารนังคาชามิเพราะว่าเป็นคุณธรรมที่ปกปักรักษาไม่ให้ตกไปสู่อบาย วันก่อนนี้ถามที่ถามว่าหลายท่านนี่ยังไม่แน่ใจในคติของตัวเองใช่ไหมว่าคติในเบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างไรก็บอกว่าใช่ยังไม่มั่นใจที่ยังไม่มั่นใจเนี่ยเพราะเรายังไม่เห็นคุณของพระรัตนาตรายัยยังไม่ได้มีความมั่นคงในสาระเลยเราไปที่ไหนเราก็ยังห่างพารัตนตรยัยแต่แต่อันนี้เป็นคําพูดที่กล่าวทั่วๆไปนะรว ม, รวม แต่เราทั้งหลายหลายท่านเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็น่าประทับใจนะอันที่จริงเราไปที่ไหนก็ไปเพื่อนมัสการพระรัตนตรัยอยู่นะโอ้ขึ้นเขาไปถึงดอยตุงโน่นอ่ะนะดอยตุงหรือดอยทงอ่ะนะกุณกานตาอ่านว่าไงนะดอยทงไหยตุงก็มาจากคําว่าธงก็ไปนมัสการพระรัตนตรัยนั่นแหละไปกล่าวผู้ทางสารานังค้าฉามิถึงยอดดอยตุงอ่ะ น, นะเมื่อวานไปทั้งโน่นพแพร่เนี่ย น, นะ แพร่ลำตงังลำพูนกลับมาเนี่ยก็มากล่าวผู้ทางสรนังค่าฉามิอีกวันนี้มาเรียนก็มาเรียนผู้ทางสารนังค่าฉามิต่อไปอีกแสดงว่ามีความสําคัญมากเนี่ยนะอั น, นจะได้ดีจะตกยากจะเจริญจะเสื่อมก็ดูได้จากคําเหล่านี้เพราะผู้มีศรัทธาหรือผู้มีศรัทธาก็ดูได้จากตรงนี้คุณบุญชูว่าไงนะฆ่าให้ตายก็ไม่เลิกนับถือคุณว่าไง ชูเขามีคาอะไรแปลกๆ แ, แต่ละคามาใหม่ๆทีนี้ผู้ที่ถึงสารณะเนี่ยนะมันเป็นเบื้องต้นเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความรู้เป็นความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐินะถ้าใครที่หมันระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตรึกครุ่นคิดในสิ่งแบบนี้บ่อยๆอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐนะิกับสัมมาสังกปะเลยนะทีนี้พอไมสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปปะแค่นี้พอไหมไม่พอ พระ อ, องค์จึงแสดงเรื่องศิกขาบทตามลําดับต่อมาสิกขาบทนะสําคัญกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถ้าเราศีลไม่ค่อยดีเนี่ยนะถามว่าสวดมนต์อย่างมีความสุขไหมไม่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าศีลไม่ดีเนี่ยทําให้ลําบากใจมากละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ยากละลึกถึงพระธรรมก็ยากละลึกถึงพระสงฆ์ก็ยาก อันที่จริงสิ่งยากๆเหล่านี้เราทําตัวของเราขึ้นมาเองใช่ไหมความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นพฤติกรรมของเราเองดังั้นถ้าเราปรารถนาความมั่นคงในพระธรรมกายอย่างแท้จริงความสังวรเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกถ้าไม่สังวรเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดเนี่ยนะบอกได้เลยว่าความไม่สังวรเป็นข้อปฏิบัติผิดความสังวรเป็นข้อปฏิบัติถูก อันศีลเนี่ยสำคัญต่อมาก็ถ้าผู้ที่มีศีลแล้วเนี่ยนะนั่งฟุ้งซ่านหรือเปล่าไม่ไมสาธยายอาการสามสิบสองเนี่ยนะพระพิสุสมัยพุทธกาลท่านก็สาธยายอาการสามสิบสองคารวาสหลายกลุ่มก็สาธยายอาการสามสิบสองเพราะว่าอาการสามสิบสองนี้กำจัดอกุศลวิตตกได้เป็นอย่างดีถ้าไม่สาธยายอาการสามสิบสองเนี่ยจิตก็คิดไปเรื่อย ส่วนใหญ่ไปคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดนะพอเรียนเรื่องกรรมมาแล้วจึงจะสะดุ้งแล้วค่ะเนี่ยนะแต่ถ้าไม่ค่อยคิดถึงบาปถึงกรรมคิดถึงเจตนาก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าระลึกว่าทิฏฐธรรมนะอุปชาเวทนียกรรมนะอัปราประเวทนิยกรรมนะพอมาระลึอกอย่างนี้เข้าก็นอนหลับไหมนึกถึงทิฏฐธรรมทั้งหมดในชาตินี้ที่ผ่านมา ละเลิกถึงอุปชาเวทนิยกรรมทั้งหมดละเลิกถึงอปปาระประเวทนิยกรรมมาเนี่ยนะละเลิกแล้วนั่งยิ้มอย่างมีความสุขไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะโดยมากว่าไข่แทบจะขึ้นเลยนะความร้อนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคุณอูไรขนาดนั้นไหมละเลิกถึงแล้วมีความสุขเลยใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดวงที่หนึ่งเออเอากระชั้นทําดีจะไปเดือดร้อนอะไรใช่ไหมมั่นใจเลยวะดวงที่หนึ่งให้ผลเป็นสุขแน่ ดวงที่เจ็ดก็ให้ผลเป็นสุขอีกนั่นแหละดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลเป็นความสุขอีกอวัตตนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวนะเพราะเรามีบุญเป็นเป็นที่ป้องกันเป็นที่พึ่งเป็นที่รักษาเราอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่ขนาดนั้นถ้ายังไม่ขนาดนั้นก็มาหาอะไรให้จิตทำเนี่ยนะโดยเฉพาะกุศ ล, ลวิตกทั้งหลายควรเป็นอย่างมากนั้นอาการสามสิบสองเนี่ยควรสาธยาย เเป็นธรรมะที่เรียกว่าเป็นการแสดงแบบมีส่วนเหลือถ้าแสดงอาการสาสิสองเนี่ยนะซึ่งเหมาะกับจริตประเภทไหนราคะจริตในคัมภีร์เดียวกันเนี่ยคุถกะปาฐะแสดงเรื่องเมตตาเอาไว้เป็นลำดับสุดท้ายเพื่อให้เหมาะกับพวกที่เป็นโทสะจริตเนี่ยนะแสดงเมตตานะเล่มเนี้ยเรื่องสุดท้ายในเรื่องเมตตาเหมาะกับพวกโทสะจริตส่วนกุมารปัญหากุมารปัญหา ก็เป็นการแสดงพระธรรมตามโมหะจริตเวทถ้าอริยะเสียบุคคลที่เหลือก็โมหะจริตกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเรียนกันะนะนี่ถ้าผู้ที่เห็นอริยสัจนี้ทุกเป็นต้นเนี่ยเห็นญาติเดินมาก็เออทุกนี้ทุกเออท่ายังเั้นกระจแล้วละนะนี่มหาพูดนี่เหตุเกิดมหาพูดนี้ความดับมหาพูดเอออย่างนี้แสดงว่าปัญญาเยี่ยมแต่ถ้าไม่อย่างนั้นล่ะ ก็โมหะหมดนั้นม็อบผู้ที่เป็นโมหะจริตนั้นควรที่จะมาคิดในะอะไรคือหนึ่งอะไรคือสองอะไรคือสมอะไรคือสี่พวกนี้เป็นอาหารของปัญญาทั้งนั้นทั้งหมดที่กล่าวไปนะตั้งแต่สาระการถึงสาระก็นับว่าเป็นมงคลเป็นมงคลข้อปูชาจะปูชนียานังด้วยนะแล้วก็เป็นมงคลข้ออื่นๆด้วยโดยเฉพาะการเห็นพระนิพพานเนี่ยนะก็อยู่ใน การถึงสรณะก็เป็นมงคลนะศีลก็เป็นมงคลใช่ไหมอารติวิรติป่าป า, ปามัชฌะปาณาจาัสนยโมอั ป, ปมาโทจะธรรมเมสุเนี่ย น, นีก็อยู่ในกลุ่มศีลก็เป็นมงคลสมาธิก็เป็นมงคลใช่ไหมกตันยุตาเนี่ยกตันยูเนี่ยเป็นกรรมฐานนะเช่นระลึกถึงเพราะกะตัญยูมีสองประเภทเดี๋ยวเรียนข้างหน้านะอันนี้ตัวอย่างไปก่อนว่ากตันยูมีอยู่สองอย่างกตันยูคือละลึกถึงความดีที่ตัวเองได้ทําไปอันนี้อย่างหนึ่งอย่างที่สอง ละลึกถึงคนที่คนอื่นเขาทําดีกับเราดังนั้นการระลึกถึงบุญที่เราได้ทําไปเช่นละลึกถึงศีลละลึกถึงจาคะเนี่ยนะของเราเนี่ยมามาทําบุญหลายวันครั้งนี้เนี่ยนะเชื่อเลยว่าจาคานุสติคงจะดีขึ้นดียังไงนึกถึงลเชียงใหม่เอาเชียงใหม่ก็ได้ให้ทานฟังธรรมละลึกถึงลําพูนเอาก็กราบพระไหว้พระเอากรเป็นบุญใช่ไหม มีการทําพุทธบูชานั่นก็เป็นจาระฆาของเราเลิกถึงลําปางก็ได้บุญอีกอ น, นะเพราะจาคะเวียนเทียนประทักษิณอก็เป็นบุญอีกและเลิกถึงแพร่ก็ยังได้บุญเลยไปทางเชียงรายก็ยังได้บุญอีกเพราะฉะนั้นถ้าไปกรุงเทพอ่ะภูเขาทองเอออะไรเอยก็หลายแห่งก็ได้บุญเลยไปถึงนคนปรปฐมยังได้บุญอีกนะเพราะจาระานุสติก็ได้หลายแห่งสะสมไว้เถอะสิ่งเหล่านี้ไม่ทําให้เราเดือดร้อนใจในภายหลัง เอาให้มันเจจ๋วเท่าผู้การกไ็ได้ได้ทุกถนนทุกซายเลยนะปล่อยปลาไว้หมดแล้วเหมือนกั น, นก็เอาให้ได้ขนาดนั้นนะวิธีระลึกผู้การเนี่ยน ะ, นะก็จ่าขานุสติแบบผู้การอันเราก็แต่เมื่อเช้านี่ของมาเห็นกบกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไม่ทราบว่าใครปล่อยกบช่วยช่วยยกมือหนะ่อยอ๋อสาธุเพราะว่าทําไมกบมันมันเชื่องเป็นพิเศษวันนี้เนี่ยนะแต่เราก็ดูแล้วรอยเท้ามันเยอะเหลือกเกินเนี่ยนะก็ดูนะกบปล่อยเนะี่ย โกบหอยปูปลานะสาธุเต่าด้ว ย, วยอืสาธุเนี่ยนะอันนี้ก็ให้ชีวิตเป็นทานใช่ไหมชีวิตเป็นทานก็นับเนื่องในธรรมทานพวกนี้ก็ระ ล, ลึกได้นะเวลานึกถึงสายน้ำเอาก็ปล่อยปลาเอาไว้สิ่งพวกนี้นะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาง่ายๆนะเพราะวันหลังเราระ ล, ลึกแล้วเราไม่เดือดร้อนใจต่างจากอย่างอื่นนะอย่างอื่นนึกเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนทุกครั้งเลยนะสิ่งเหล่านี้นึกไปแล้วไม่เดือดร้อนใจหรอก ทำไปเถอะได้มีโอกาสก็ทําไปบุญไหนที่ที่ดีก็ทําไปละลึกแล้วจะได้ไม่เดือดร้อนใจพวกนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นมงคลด้วยนะถ้าถ้าทำเอาไว้ให้ดีๆมงคล น, นั้นนับว่าเป็นเป็นเหตุที่ทําให้ถึงความเจริญใช่ไหมก่อนที่จะเรียนมงคลอย่างนี้เรามาอ่านพร้อมๆกันในข้อหกในข้อหกที่เทวดากล่าวเป็นคาถาคําถามว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ปราถนาความสวัสดีพากันคิดมงคลทั้งหลายขอพระองค์โปรดตรัสบอกมงคลอันอุดมด้วยเถิดพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบด้วยคาถาเหล่านี้ว่าการไม่คบคนทานการครบแต่บัณฑิตและการบูชาผู้ที่ควรบูชา นี่ก็เป็นมงคลอุดมการอยู่ในประเทศอันเหมาะความเป็นผู้ทาบุญไวแต่ก่อนการตั้งตนไวม้บุญไวแต่ก่อนการตั้งตนไวชอบนี่ก็เป็นมงคลอุดมความเป็นหูสูตรคุความเป็นผู้มีศิลปะมีวินัยที่กึกามดามวาดีาาเป็นมีุวาจตารเป็นมุภาษิทำต นี่ก็เป็นมงคลอุดมการบำรุงมารดาบิดาด ก, การสงเคราะห์บุตรภริยาการงานอันไม่าอากลนี่ก็เป็นมงคลอุดมทานธรรมจริยาการสงเคราะห์ญาติการงานอันไม่มีโทษนี่ก็เป็นมงคลอุดมการงดเว้นจากบาป งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนี่ก็เป็นมงคลอุดมความเคารพความถ่อมตนความสันโดษความกตันยูการฟังทาตามการนี่ก็เป็นมงคลอุดมความอดทนความว่าง่ายการเห็นสมณะ การสนทนาธรรมตามการนี่ก็เป็นมงคลอุดมตบะพรหมาจารย์การเห็นอริยสัจการทำพระนิพพานให้แจ้งนี่ก็เป็นมงคลอุดมจิตของผู้ที่ถูกโลกกระรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่เศร้าหมองด้วยละอองกิเลส ความเสมปลอดโปรงนี่ก็เป็นมงคลอุดมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำมงคลดังนี้แล้วไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี่แหลมงคลอุดมของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นมงคลนี่นะ ถ้าเป็นคาถาสุดท้ายบอกเลยใช่ไหมว่าถ้าใครทํามงคลได้ทั้งสามสิบแปดมงคลไม่พ่ายแพย้แก่ฆ่าศึกในที่ทั้งปวงที่ไหนก็ไม่รู้จักคำว่าแพ้เหนไหมนี่แหละนับว่าเป็นความปลอดภยัยเป็นความสวัสดีอย่างแท้จริงนะสวัสดีครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้เท่ากับปฏิบัติในมงคลคนสามสิบแปดเนไหมถ้าเราอยู่ในมงคล38สามสิแปดใครไม่สวัสดีเราเราก็สวัสดีวันยังค อันนะเรียกว่าเป็นผู้ที่ถึงความสวัสดีอย่างแท้จริงมงคลสามสิบแปดนั้นใครที่ท่องได้สาธยายได้เป็นทั้งข้อปฏิบัติในชีวิตด้วยเตื่นเช้ามาสาธยายดูว่าวันนี้จะได้กี่มงคลตอนเย็นก็สาธยายอีกครั้งหนึ่งว่าได้อัปมงคลมากี่ข้อจะได้สะเดาะให้มันเรียบร้อยอ น, นะเพราะว่าอัปมงคลมาก็ต้องสะเดาะใช่ไหมสะเดาะด้วยการสมาทานใหม่ไล่ไปเลยนะ การไม่คบคนพาหนหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งนี่เป็นอุดมมงคลสัมมวนการแปลมีหลายแปลแต่แล้วแต่เราจะถนัดนะนะถนัดที่จริงสองหน้าเองนะเนี่ยถ้าท่องในหน้าสองหน้านี่ก็โหชีวิตนี้ไม่ตกอับแล้วนะเอาไปตรึกเถอะเนี่ยนะตรึกเดือนละมงคลก็ยังไม่สาย น, นะเดือนละมงคลนะ น, นะเดือนละมงคลว่าเอ๊ะถ้าคบคนพานแล้วมีเสียหายยังไงคบบัณฑิตแล้วดียังไงเนี่ยนะเอาไปตรึกเอาไปใช้เถอะ อย่างเราจะไปไหนสักแห่งหนึ่งนะนีเอ้ไปหาคนไปเที่ยวเนี่ยได้กี่มงคลแล้วได้อัปมงคลเท่าไหร่เนี่ยนะอันนี้เป็นข้อปฏิบัติไว้คอยตรวจสอบนะจะเจริญจะเสื่อมก็ดูได้จากมงคนนี่แหละทั้นถือว่าเป็นสูตรที่บรรลุหาประมาณไม่ได้นะจบมงคลสูตรอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเทวดาบรรลุแสนโกรธเนี่ยนะบรรลุเป็นทศดาบันเป็นต้นหาประมาณนี้ได้ นั่นก็นับว่าสําคัญมากอะนะให้ระลึกนะไปที่ไหนก็ให้ระลึกชอบมากโดยส่วนตัวนั้นถือว่าชอบมงคลมากเพราะว่าเอาไว้ระลึกบ่อยๆเคยสนทนากันตั้งกบวทใหม่ๆว่านี่นะเราทําอะไรเราต้องนึกถึงนะว่านี่ได้กี่มงคลนี่อัปมงคลกี่ข้ออะไรกี่ข้อมาสาธยายบ่อยๆเอาไปใช้ได้ทุกที่นะคนอื่นกาเพื่อนก็รับฟังเฉยๆเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเสร็จแล้ว หลังจากนั้นไม่นานไอคนที่รับฟังเฉยเฉยก็อับประมงคลมาตั้งหลายข้อบอกนี่บอกไม่เชื่อเรานนะทีนี้มาดูว่าเกี่ยวกับเรื่องมงคลเนี่ยนะก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสมงคล น, นะซึ่งพระองค์ก็ตรัสที่เมืองสาวัตถีเมืองเชตวันใช่ไหมแต่ถ้าคําว่าเอวามีสุตังเอกังสมยยังภะควาเนี่ยคําว่าเอวเมสุตังนี้ไม่ใช่พระพุทธพจน์นะข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ใช่ไหม อันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์เพราะพระองค์ต้องไปฟังใครมาไหมไ ม, ไม่ต้องเห็นไหมคำว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้เป็นคําของพระอนุเทระท่านกล่าวเมื่อใดเนี่ยนะกล่าวเมื่อใดคําว่าข้าพเจ้าได้ฟังอย่างนี้<ม>ก็บอกว่าเมื่อทำปฐมสังขายนาเนี่ยนะทำสังขายนาครั้งแรกทีนี้เรามาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการทําสังขายนาสัหน่อยก่อนนะก่อนที่จะได้เรียนมงคล เพราะเกี่ยวกับเรื่องการทาสังคยานานั้นถือว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาพระธรรมมากทำให้เห็นน้ำใจของพระมหาเถระสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาลว่าท่านเคารพรัตธรรมวินัยขนาดไหนในหน้า120ข้อความยอดหน้ากลางกลางอันน้คือก่อนที่จะได้กล่าวถึงสังคยานาเนี่ยนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อวานนี้ผู้การสาธยายเรื่องพระพุทธคุณใช่ไหมสาธยายทีก็พาเรากราบทีนอบน้อมทีอั น, นะก็โอ้ปูชาจะปูชนียานังนะทำเออเรียกว่าไปไหว้คนทั้งโลกเนี่ยที่มีอยู่ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยนะหารสิบหกเออเรียกว่าอะไรนะคูณ1ิบหกคูณสิบกห้าครั้งไม่รู้จะเท่ากราบแบบเท่าได้บุญเท่าเมื่อวานหรือเปล่าไม่ทราบ เพรานั่นก็โหได้บุญอย่างมากนะขอให้ระลึกถึงแล้วก็กราบคุณพระพุทธเจ้าเถอะทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยผู้เป็นที่พึ่งของโลกเนี่ยนะเป็นนาถะคือที่พึ่งของโลกถ้าเราสศึกษาให้ดีว่าก่อนที่พระองค์จะมาเป็นที่พึ่งของโลกมาอย่างไงทวนอีกครั้งหนึ่งง่ายๆหนึ่งนะตั้งความตั้งปณิธานปณิธานหรือความปรารถนาที่ประชุมด้วยองแปด แล้วสมาทานบารมีสิบอุปปารมีสิบประมัทบารมีสิบมหาบริจาคห้าอธิษฐานทรสี่ประพฤติจริยาสามตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยกำไรแสนกับแล้วก็ยังได้อ่านะมาปฏิสนธิในคันของพระสิริ ม, มหามายาประสูตรหลังจากที่ประสูตรเจริญไวมาโดยลำดับก็บำเพ็ญปณิธานคือบเอ่อขอ ป, ประานคือความเพียร ทำทุกขระกิริยาเพื่อแสวงหาทางแห่งความพ้นทุกข์อยู่หกปีนะหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ปฏิบัติในมัชชิมาปฏิปทาตรัสรู้อรยิยสัจเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้บรรลุเพราะทำความเพราะทําทุกขระกิริยานะแต่พระองค์บรรลุเพราะมัชชิมาปฏิปทาพอพระองค์บรรลุก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมผู้ที่สวดอิติปิโสนะว่างๆหัดสวดแต่แต่บาลีเฉยๆบ้างหัดสวดแต่ภาษาไทยเฉยๆบ้าง สวดทั้งไทยทั้งบาลีสลับกันบ้างจะได้สวดได้สามอย่าง อ, อบทเดียวเนี่ยอะไรอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนอันนี้บาลีล้วนๆใช่ไหมพอบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะอันนี้สวดเป็นภาษาไทยใช่ไหมว่างๆก็สวดทั้งไทยทั้งบาลเออีเรื่องเดียวเนี่ยสามารถไปได้ตั้งหลายอย่างนะสวดแล้วก็จะได้แะเลือกโดยนิยามต่งางๆ จะทําให้เกิดความทราบซึ่งคนละอย่างนะสวดแต่ไทยเฉยๆแบบนอบน้อมแบบภาษาไทยก็ได้ปีติอัทธรสแต่อีกอย่างหนึ่งสวดแต่บาลีเฉยๆก็ได้อัทธรสอีกอย่างหนึ่งทั้งไทยทั้งบาลีก็ได้อัทธรสอีกคนละอย่างกันนะถ้านั่งรถไกลๆเนี่ยนะถ้าเขาไม่เปิดเสียงรบกวนเราก็ละลึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีอยู่วันหนึ่งคุณมุนชูบอกว่าโอ้ยสวดพุทธคุณก่อนละลึกไม่ได้เอาเมตตานี่แหละฮะดีแล้วอลขอให้ได้สักอย่างหนึ่งเถอะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ เอากรรมฐานสี่ประการนักพุทธานุสติเมตตาอสุภะมรณะเนี่ยนะสี่อย่างนี้ไม่ผิดแต่ว่าเมตตาเออขออภยัยมรณะเนี่ยนะอยู่บนรถคนไม่ค่อยกล้าคิดกันกลัวจะเป็นลางร้ายอ่นะไอ้ไม่คิดนั่นแหละมันจะเป็นลางร้ายนะถ้าไม่คิดถึงความตายเนี่ยลางร้ายแนะ่นะยมนงก็ไปคิดเยอะๆทีนี้พระองค์เมื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของโลกพระองค์ก็บำเพ็ญพุทธกิจ นะกิจที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องประพฤติเนี่ยนะพุทธกิจเพราะเ น, นาในหนังสือพุทธกิจซึ่งผู้เรียบเรียงก็ของเรานี่ก็นับว่าเป็นมงคลนะได้คบบัณฑิตเพราะมีบัณฑิตผู้เรียบเรียงพุทธกิจก็อยู่ในห้องเราด้วยนะเนี่ยนะอยู่ ด, ด, ด้านโน้นเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆประตูนัน่นแหละตาสุรีช่วยยกมือให้หน่อยนะเขาจะได้รู้ระลึกถึงเรามีอุปการะมากแล้วนะการเรียบเรียงพุทธคุณก็ คุณป้าสุเรนี่ก็เรียบเรียงพุทธกิจนะแล้วก็พุทธคุณอขออภัยพุทธประวัตินะพุทธประวัติของกลุ่มคณะสายธรรมเนี่ยเรียบเรียงพุทธกิจพุทธประวัตินี่ก็อีกไม่นานก็จะคลอดมาเล่มใหม่อีกเรียกว่าตามรอยพระธรรมนันะตามรอยพระธรรมกล่าวถึงอนุปปภิกถาก็ทําโครงการอันใหม่อีกนะยังไม่เร็จนะเพิ่มอีกโครงการหนึ่งขึ้นมาทยอยทยอยเรียกว่าสติปทานนันนะ ก็จะเรียบเรียงสติปทานที่เป็นเรื่องที่เราเรียนกันมาเรียบเรียงเข้าเล่มนั้นนั้นก็ป้าสุรีรับงานเรียบเรียงหนังสือเป็นที่ประทับใจผู้การมากเพราะว่าการเรียบเรียงหนังสือนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่นเป็นเรื่องที่ฉันท่อุตสาหะอย่างมากในพุทธกิจเนี่ยนะเป็นกิจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเรียนรู้ศึกษาเข้าใจเนี่ยนะถ้ายิ่งรู้คุณของพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่ ที่เราจะไม่เลื่อมสในพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกเลยนะถ้ายิ่งรู้กิจของพระองค์เนี่ยนะกิจของพระองค์เนี่ยนะกิจตอนเช้าใช่หัหยกิจตอนเช้ากิจตอนบ่ายกิจตอนค่ำปฐมมัยามมัชิ ม, มัยามปฉิ ม, มัยามสรุปแล้วทำกิจตลอดเลยไม่มีว่างเพราะพระองค์กาจัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกจากพระองค์หมดแล้วตื่นเอาพแต่เชา้ชามืดนะเช้ามืดนี่ตรวจดูอัธยาศายเวนยศาตร์ก่อนใช่ ว่าอัธยาศัยของเวนยศัสตร์ทั้งหลายเป็นเช่นไรมีใครจะไปควรได้รับการโปรดการสงเคราะห์ที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรบ้างสายมาก็ไปบินธบาตเพื่อรับอาหารของอ่ น, นะเวนยศัสตร์เพื่อสงเคราะห์เขาอีกนั่นแหละกลับมาถึงวัดก็แสดงทำให้พระภิกษุฟังใบบา ย, บายตรวจดูอัธยาตรวจดูพุทธเวนัยอีกครั้งหนึ่งตรวจดูเวนัยศัตร์ทั้งหลายหัวค่าก็เริ่มแสดงทำสงเคราะห์พระภิกษุสงเคราะห์คารวาส หลังจากนั้นก็แสดงธรรมสงเคราะห์เทวดาแล้วพระองค์บำเพ็ญกิจอันนี้อยู่กี่ปี45ปีเนี่ยนะ45ปีด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความลำบากทางพระวรากายแต่ไม่ลำบากใจเพราะอะไรเพราะพระองค์นั้นใจพระองค์สิ้นโทสะแล้วจึงไม่มีความลำบากทางใจกิจเหล่านี้ที่พระองค์บำเพญ็ญเนี่ยนะประกาศพระสัจธรรมอยู่45พันษา ที่พระนนท์ท่านได้เรียนมาทั้งหมดเรียนจากพระพุทธเจ้าเนี่ยแปดหมื่นสองพันพระธรรมขันธ์ที่ท่านเรียนจากพระพุทธเจ้านะแปดหมื่นสองพันพระธรรมขันธ์ท่านเรียนจากพระสารีบุตรเป็นต้นอีกสองพันพระธรรมขันธ์ก็เลยเป็นแปดหมืสี่พันพระธรรมขันธ์มันการที่พระองค์ประกาศธรรมจักเนี่ยจบจนดับขันปรินิพานด้วยอนุ ป, ปาทิเสสะปรินิพานธาตุ คือดับอุปาทินกะรูปดับรูปที่เกิดจากกรรมนะนะดับกรรมมชรูปอย่างเราไปไหว้พระาธาตุเนี่ยนะทุกวันเนี่ยไม่ได้ไหว้กรรมมชรูปนะไหว้อุตุชรูปนะอุตุชรูปอวินิพกครูปแต่เป็นกรรมมะปัจจะอุตุอนะยาวๆหน่อยนะเป็นกรรมมะปัจจะอุตุแล้วก็รูปเหล่านี้เคยเป็นที่ตั้งแห่งอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยนะก็ก็นับว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุ กล่าวถึงพระองค์นั้นปรินิพานในเวลาใกล้รุ่งวันวิสาขะบรมีระหว่างต้นสารคู่คือของของเรากับของของในทางคมภีเนียมีวิธีการเรียกการนับที่แตกต่างกันอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้วันวิสาขะไม่ใช่ว่าเช้าวันวิสาขะพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เออก่อนสว่างของวันแรมหนึ่งค่ำนีนะก่อนวันแรมหนึ่งค เพราะเย็นวันวิสาขาเนี่ยเป็นเย็นที่พระองค์เนี่ยจเจริญกรรมฐานอย่างเต็มที่เั้นก่อนสว่างเนี่ยบรรลุทางธรรมะถือว่าก่อนสว่างนะอย่างสมมติถ้าถ้าตีห้านี่ยังไม่สว่างดีใช่ไหมยังนับเป็นวันวันก่อนนะไม่ได้นับเป็นวันใหม่เนี่ยะวันใหม่จะเริ่มเมื่ออรุณขึ้นนะเริ่มนับหนึ่งเมื่ออรุณขึ้นแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยนับหนึ่งตอนอรุณขึ้นสมัยนี้นับหนึ่งตอนไหน ตอน00นาฬิกาใช่ไหม00 น, นาฬิกาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้จะนับหนึ่งนนั้นจุดเริ่มต้นแต่ละแห่งไม่ได้เริ่มต้นเหมือนกันทีนี้ตอนที่พระองค์ดับขันปรินิพานเนี่ยกล่าวว่าท่านพระมหากระสปะเนี่ยเป็นพระสังฆเถระมีของพิสุประมาณเจ็ดแสนรูปที่ประชุมกันในวันแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนที่ดับขันปรินิพานนะพระพิสุเจ็ดแสนรูป เฉพาะพระพิสุเฉยๆเนี่ยนะเจ็ดแสนรูปแล้วอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นเนี่ยคิดว่าจักเท่าไหร่เพราะพระองคอ์ประกาศก่อนดับขันปรินิพาน4ี่เดือนใช่ไมว่าอีกสี่เดือนเราจะดับขันปรินิพานเพานั้นระหว่างนั้นอะ่ะมีผู้ที่มาติดตามเนี่ยนะพระพิสุหลังจากที่รู้ว่าพระองค์จะดับขันปรินิพานเนี่ยไม่มีใครจากเลยติดตามมาเรื่อยๆเืๆ่อย ๆ, ๆ, ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ดแสนรูป แล้วก็มีกลุ่มที่ไม่ได้เข้าประชุมก็มีแต่ว่าอันนี้พูดถึงเฉพาะที่รวมเนี่ยนะเจ็ดแสนรูปเทีพระมหากัสปะถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่สุดอายุพันสามมากที่สุดในตอนนั้นนะแล้วก็ถือว่าเป็นสาวกองค์ที่สามสาวกองค์ที่หนึ่งคือพระสัทริบุตรองค์ที่สองพระมหาโมคลานะองค์ที่สามพระมหากัสปะที่เรียกว่าเป็นตัทยะสาวกเลยนะเป็นสาวกองค์สําคัญที่พระพุทธเจ้านั้น อยกย่องชมเชยมากเนี่ยน ะ, น ะ, นะทีนี้พระมหากระสปะนั้นท่านระลึกถึงคําของหลวงตาสุภัทธะหลวงตาสุภัทธะนี่ก็เป็นพระเถระเออเป็นพระพิสุที่บวชตอนอายุมาก ก, ก็ก็มีนะบางคนก็บวชอายุมากว่านอนสอนง่ายก็มีเช่นพระราทะบวชอายุมากแล้วก็ว่ายากเหมือนหลวงตาสุพัทธะนี่ก็มีเนี่ยนะทีนี้คําของหลวงตาสุพัทธะนี่แกแกกล่าวคือวันหนึ่งเนี่ยนะ พระพิสุทั้งหลายได้รับแจ้งว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันปริญนิพพานแล้วพระปุตุชนที่มีศรัทธามากกับพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยร้องให้กลิ้งเลยนะร้องให้ครุกฝุ่นอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเสียใจมากที่พระพุทธเจ้าดับขันปริญนิพพานตัวเราเองก็ยังไม่บรรลุพระพุทธเจ้าก็เรีบดับขันปริญนิพพานไปเสียก่อนก็ร้องให้คร่าครวญหลวงตาสุภาธาก็บอกว้ยพอกันทีเถิดบอกว่าอย่าร้องให้เลยว่างั้น ผู้มีอายุทั้งหลายยาเศร้าโศกไปเลยยาร่ำไรไปเลยพวกเราพ้นดูเลยพ้นดีแล้วจากพระมหาสมณะผู้นั้นเออตายจะได้ก็ดีเหมือนกันเอะนะแต่ก่อนพวกเรานี้ถูกพระมหาสมณะผู้นั้นบังคับจู้จี้ว่าสิ่งนี้ควรแก่พวกเธอบ้างละสิ่งนี้ไม่ควรแก่พวกเธอเมื่อก่อนนะัตตามจี้เราทุกเรื่องเลยนะเราตรึกอกุศลวิต ก, ก็มาแล้วบอกนี่อันนี้เธอคิดไม่ดีนะ่นะพอคิดอกุศลวิตกหน่อยก็ไม่ได้ พอคุยเดราชะฉันกะถาหน่อยพระ อ, องค์ก็เสด็จมาอีกแล้วบอกว่านี่ถ้าเธออยู่ประชุมกันนะ่าควรทํากิจสองอย่างคือสนทนาธรรมกับนิ่งแบบพระอริยะตําเนี่เรื่องการคลุกคลีเป็นต้นเนี่ยนะสรุปเราทําความชั่วทางกายหน่อยพระพุทธเจ้าก็มาเตือนบัญญัติพระวินยัยเนี่ยนะเราสนทนาเดราชะฉันกถาพระ อ, องค์ก็เสด็จมาห้ามอีกเราคิดอกุศลวิตกพระ อ, องค์ก็ยังตามมาห้ามความคิดอีกโอ้โล่งอกสัทีหนึ่งว่างนันนะเน เขาเขาเป็นคนที่มีประวัตินะเขาก็อดีตเนี่ยเขาก็บวชตอนอายุมากไนหะมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเก็บรวบรวมเงินที่เขาสะสมไว้เกือบตลอดชีวิตเนี่ยมาปรุงอาหารเองแล้วก็ใช้ให้สัมมเนรลูกชายเนี่ยไปเที่ยวเรื่อยไรยเข้ามาแล้วก็มาปรุงอาหารเพื่อจะถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตำหนิมากอนะพยาบาทแกผูกไว้ตั้งกันนั้นมา แล้วก็เก็บข้อมูลในในด้วยอำนาจโทสะมาตลอดเพราะฉะนั้นพอได้ข่าวว่าพราะองค์ดับขันตรีนิพพานแกนดีใจมากเพราะฉะนั้นท่าน เ, าเสนอความคิดของตัวเองบอกว่ามาบัดนี้พวกเราปรารถนาสิ่งใดก็จะทำสิ่งนั้นไม่ปรารถนาสิ่งใดก็จะไม่ทําสิ่งนั้นนะเป็นถือว่าเป็นคําพูดที่เรียกว่าในบรรดาลูกทั้งหลายก็เรียกว่าลูกทรพีเลยใช่ไหมถ้าถ้าเป็นในลูกนะถ้าเป็นตระกูลใหญ่ๆเนี่ย บอกว่าเออนี่พ่อตายซะได้ก็ดีเราต่อไปเราก็ไม่ต้องมีมารยาแล้วอยากทําอะไรก็ทำํำนะไม่ต้องรักษาแบบแผนรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมอะไรไม่ต้องแล้วนะอยากกินเหล้าก็กินอยากเที่ยวก็เที่ย ว, ยวอะไรเป็นต้นเนี่ยนะตอนนั้นว่าลูกคนนี้ทําความเสียหายโดยส่วนเดียวหลวงตาสุภัธาก็เหมือนกันทีนี้ท่านพระมหาคสปะท่านก็มีความคิดผุดขึ้นเลยว่าพวกภิกษุชั่วเข้าใจว่าอนะตาพจน ปาพศเนี่ยคือธรรมวินยัยมีาศาสดาล่วงไปแล้วได้สมัครพรรคพวกก็จะพากันย่ำยีพระธรรมให้อันตรธานไปไม่นานเลยข้อนี้ย่อมเป็นไปได้คือคือพวกพวกบางบางกลุ่มบางคนเขาเข้าใจว่านี่นะถ้าหมดพระพุทธเจ้าสัาอย่างเดียวเนี่ยเราอยากจะย่มยีพระธรรมวินัยขนาดไหนก็ได้พระวิันเราอยากรักษาเราก็อยากรักษาอย่างเช่นที่เขาว่านะพระพิสุบางกลุ่มเนี่ย พอพออยู่ในประเทศไทยก็แข็งขัดดีพอไปอยู่ต่างประเทศเท่านั้นแหละผู้ ก, การนี่แหละเล่าให้ฟังว่างั้นแม้พอเนี่ยเย็นเย็ น, ยนโยมเขายกอาหารมาเสิร์ฟท่านฉันเอาเลยไม่เกรงใจยโยมบ้างเลยว่างั้นผู้ ก, การเล่าให้ฟังนะนะแม้สังเวชใจมากนะนั่นก็ถือว่าแสดงว่ารักษาวินัยเฉพาะในประเทศไทยอนะก็ก็คือทําให้เห็นว่าอบางกลุ่มเนี่ยรักษาแค่แค่มีเขตมีแดนใช่ไหม พอล่วงเขตล่วงแดนพอพ้นไปอีกที่หนึ่งก็เอาละท่านนี้ฟรีสไตล์หมดละอยากจะทําอะไรก็ทําทิ้งบุญทิ้งบาปไปหมดอะ่ะไม่สนใจอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้ยพวกบุคคลเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่ามีความคิดแบบนี้จะพากันย่ายีทําลายพระธรรมวินยัยซะจนปี้ป่นหมดแหละท่านก็เลยคิดว่าตราบใดธรรมวินยัยยังดํารงอยู่ตราบนั้นปาพจน์คือธรรมวินัยก็ชื่ อ, อก็หาชื่อว่ามีาศาสดาล่วงไปแล้วไม่ ถ้าธรรมว gu exactly ินัยยังอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เหมือนคําที่พระองค์ตรัดกับพระอนุ์ว่าดูก่อนอานุนทำและวินัยใดอันเราตถาคตแสดงแล้วตัวธรรมะเนี่ยพระองค์แสดงใช่ไหมพระวินัยนี่พระองค์บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายถ้าแยกนะพระธรรมนี่เป็นการแสดงพระวิน really ัยน <yr> ี่เป็นการบัญญัติถ้าแสดงแบบรวมๆว่าธรรมและวินัยใดอันเราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย ทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเพราะฉะนั้นที่อื่นๆนี่กล่าวกล่าวชี้ชัดไว้เลยว่าดูก่อนอานนท์เหมือนกันบัดนี้นะเราเนี่ยมีเผชิอยู่นะมีชีวิตอยู่ตามโอวาทอนุสาสนีเธอแต่เพียงผู้เดียวแต่เมื่อเราล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันองค์ จากตามโอวาดอนุสาสนีเธอทั้งหลาย น, นะตอนมีพระชนอยู่เนี่ยนะถือว่าองค์เดียวใช่ไหมตอนดับขันปริญพานี้ผไปแล้วถือว่าแปดหมื่นสี่พันองค์เพราะฉะนั้นใครไปที่ไหนก็ไม่พ้นพระพุทธเจ้าแปดหมืนสี่พันองค์อ่ะนะถ้าจะให้พระองค์รักษาพระองค์ก็จะรักษานะคือถ้าถ้าเรามองให้ดีเนี่ยพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่อุปมาเหมือนอะไรแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ใช่ไหมถ้าในตอนกลางวันเนี่ยเราไปที่ไหนมั่งที่มันโล่งๆแล้วมันจะมืดมีไหม ไม่มีมีแต่ที่สว่างหมดแต่ถ้าเราอยากให้มืดทําไงบอกหลับตาอย่างเดียวหลับตาแล้วมืดเองแหละชั้นใดก็ดีพระธรรมวินยัยจริงๆข้าศึกษาให้ดีเนี่ยนะสว่างทุกที่สว่างทุกคนทุกแห่งทุกการทุกเวลาแต่เนื่องจากว่าคนผ่านทั้งหลายเข้าใจว่าเข้าใจว่าเข้าใจว่ามืดใช่ไหมเพราะปกติทั้งหลายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็อาศัยที่มืดอาศัยที่ลับนั่นแหละในการประกอบบาปประกอบอกุศลแต่ถ้าละลึกถึงพระธรรมได้ตลอด ละลึกถึงพระธรรมได้มากก็จะไม่มีที่แอบอ้างจะได้ทำบาปทำอกุศลท่านมีความเคารพในในพระธรรมวินัยมากท่านถือว่าธรรมะวินัยนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือธรรมวินยัยพระธรรมแต่ละธรรมขันเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นนักศึกษาพระธรรมคาสอนสังวรไว้เถอว่าหนึ่งธรรมขันเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ อะไรถ้าสิ่งนั้นเป็นพระพุทธพจน์นะอย่า ก, กล้าปฏิเสธเลยแหละเนี่ยนะถ้าปฏิเสธหนึ่งทำมขันเท่ากับปฏิเสธพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ใช่ไหมสมมติถ้าบอกว่าอภิธรรมไม่มีความจําเป็นโอ้โหนิมนพระพุทธเจ้ากลับเลยสี่หมืนสองพันองค์พระวินัยยุคนี้ไม่ต้องแล้วเอาเอาพระนี่มนพระพุทธเจ้ากลับไปอีกสองหมื่นหนึ่งพันองค์บอกพระสูตรนะไม่เอาแล้ว แบนิม่มนพระพุทธเจ้ากลับไปอีกสองหมื่นหนึ่งพันองค์เพราะฉะนั้นหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือเลยก็นี่ยเพราะฉะนั้นถ้าปฏิเสธหนึ่งสูตรอาจจะนิมนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับหนึ่งองค์ก็ได้นะะไม่ใช่พระพิสูจน์นะแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกสูตรที่ที่เป็นถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าปฏิเสธเลยเพราะว่ามีโทษมากนีนะก็เรียกว่าแค่พระพิสูจน์ท่านมาใช่ไหมถ้าเราไล่ท่านนี้ลนะ่ะมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมไม่สมควร แต่นี่พระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จมาสอนเราเราบอกเออองค์นี้เอาไว้ก่อนเรายังไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ดีนะทีนี้พระมหาคัพปาท่านก็นมาปารบว่าอยากกันนั้นเลยเราจะช่วยกันสังขายาธรรมวินัยโดยวิธีที่พระศาสนานี้จะพึงดารงอยู่ได้ยั่งยืนยาวนานสังขายาเนี่ยแปลเป็นไท ย, ไทยโดยทั่วไปเขานิยมแปลว่าร้อยกรอง แต่ถ้าเป็นโบราณมาจากสังคีติแล้วว่าการสวดเรามาร่วมสวดร่วมสาธยายรักษารูปแบบแบบแผนพระธรรมวินัยเอาไว้เถิดเพราะศาสนาจะดำรงอยู่ได้ยั่งยืนอย่างนี้คำว่าศาสนาเรานึกถึงอะไรก่อนศาสนาคำสอนสอนอะไรโดยสภาวะนี่เลยคำว่าศาสนาหมายถึงศีลสมาธิปัญญานะเพราะคาสอนทั้งสิ้นของพระพุทธเจ้าประชุมลงที่ตรสิกขา ทุกขศัพท์ต้องสอนไหมเออขอไปทุกขศัพท์นี่ต้องต้องต้องทําอะไรเพิ่มขึ้นอีกไหมไม่ต้องสมุทัยศัพท์ให้ละใช่ไหมแต่ไม่ได้ต้องไปอะไรมันไม่ต้องไปสร้างไปต้องไปทําอะไรขึ้นอีกนิโรธสัจจะก็เป็นอาสังคตาธาตุแต่สิ่งที่พระองค์บัญญัติได้สอนได้ในอริยสัจสีมีอยู่ข้อเดียวคือมรรคศัพท์เพราะฉะนั้นพระวินัยทั้งหมดก็คือมรรคศัพท์ที่เป็นศีลพระสู่ทั้งหมดก็เป็นมรรคศัพท์ที่เป็นสมาธิไงแล้วก็ อภิธรรมก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นศาสนาหมายถึงแบบแผนคำสอนที่ประกาศสิกขาสามอันสิกขาสามมันมาร่วมร้อยกรองธรรมวินัยคือร้อยกรองสิกขาสามกันเอาไว้เถิดพระศาสนาคือพระพุทธเจ้าอนสิกขาสามนี่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมตัวแทนนี้จะได้ดำรงอยู่ยาวนาน ทีนี้ท่านก็มาละลึกถึงอันนี้ปราลรบตอนแรกก่อนนะปรารบถึงว่าคนชั่วตอนนี้คนชั่วกำลังตำหนิพระธรรมวินัยอันนี้เหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองธรรมวินัยคือพระศาสดาทีนี้เหตุผลที่สามเหตุผลที่สามนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านว่าท่านนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอนุเคราะห์ด้วยสาธารณบริโภคจีวร ท่านได้รับการสงเคราะห์ในด้านปัจใจสี่จากพระพุทธเจ้าเป็นสาวกรูปที่เรียกว่าใช้จีวรผืนเดียวกันกับพระพุทธเจ้าดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนกัสสะเธอจะครองผ้าป่านบางสกุลที่เราใช้แล้วของเราไหว้หรืออันนี้นะหลังจากนั้นพอได้รับผ้านั้นพระมหากัสสะสมาทานทุดงสิบสามสมาทานทุดงสิบสาม แต่ถือปฏิบัติเป็นปกติอตามปกติของท่านคือหนึ่งผ้าสามผืนสองบิณฑบาตเป็นวัดสมอยู่ป่าเป็นวัดอันนี้ถือว่าปฏิบัติตลอดชีวิตส่วนที่เหลือก็ตามสมควรเนี่ยนะตามสมควรก็ น, นับว่าเป็นผู้ที่ได้ปัจจัยสจากพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจีวรเ น, นี่ยนะจีวรผืนนี้ที่พระองค์ประทานให้แก่พระมหากัะสปะเนี่ยเป็นจีวรที่พระองค์ไปดึงเอาจากศพ ศพนางปุณณนะาสีมีนอนอยู่ประมาณหนึ่งธนานหนึ่งแก้วใหญ่เนี่ยนะพระองค์ก็เอาไม้เขียนนะดึงผ้าออกมาเอาไม้เขียนอนออกเนนะค่อยๆเขียนนะเอาไม้แ ค, คมแมไปเขียนนี่ไม่ได้นะจิ้มก็ไปทุกทีเลยนะทะลุหมดอต่ไม่ใช่องค์ค่อยๆปัดออกแล้วก็เอามาซักเอามาย้อมถามว่าซักเย็บย้อมตอนไหนตอนที่ทรมานภิกษุพันรูปมันนะเจ้าแถวนั้นอนะที่พระองค์เอ ทำผ้าบางสกุลนะนะแถวนั้นนะ่ะทีนี้ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังสถาปนาพระมหากรสปะเอาไว้กับเสมอๆกับพระองค์ในอุตริมนุสธรรมคือทำอันยิ่งยวดของมนุษย์ต่างโดยอันุนุปภาพวิหารสมาบัติก้าและอภินยาหนะนะพระพุทธเจ้ายกย่องว่าถ้าพระองค์ปรารถนาจะเข้าปฐมฌ า, านเพียงไรพระมหากัะสปะก็ทาได้เพียงนั้นทุติยฌานตติยฌานจตุทฌาน อากาสานัญญายตนาะวิญญาณัญญายตนาะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนาะสัญญาเวทายิตานิโรธอนุปุพพาวิหารสมาบัติก้าวจำง่ายๆว่ารูปร 4, รประชานสี่อรูปประชานสี่นิโรธอีกหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นเก้าและอภิน ญ, ญาหกใช่ไหมเรื่องแสดงริบเป็นต้นเนี่ยนะอันพระองค์นี้ยกย่องว่าพระมหากระสปะเนี่ยเสมอเหมือนเหมือนกับพระองค์ คำว่าเหมือนพระพุทธเจ้านี้ถามว่าทำได้เท่าพระพุทธเจ้าไหมไม่เท่าแต่ว่าเหมือนก็คือมากกว่าคนอื่นทั้งหมดเนี่ยนะทีนี้ท่านก็มาละลึกถึงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสงเคราะห์โดยวิธีการต่างๆทั้งปัจจัยสี่ยกย่องในอุตริ ม, มนุสธรรมแล้วช่วยให้ท่านได้บรรลุมรรคผลเนี่ยถือว่าเป็นหนี้ที่ท่านจะต้องพ อ, องให้เหมือนให้กู้นะที่ท่านจะต้องคิดว่าเราต้องใช้หนี้ ซึ่งจริงๆแลว้วที่พระองค์ประทานให้ทั้งหมดเพราะพระองค์นี้ทรงทราบว่ากัสสปะผู้นี้จะเป็นผู้ดำรงวงพระสัทธรรมของเราเนทวนอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นสัทธรรมนี่หมายถึงอะไรสัทธรรมนะหมายถึงโพธิปัคขิยธรรมโดยทั่วๆๆไปนั้นพระสัจธรรมเนี่ยหมายถึงโพธิปัจจิยธรรมแต่โพธิปัคขิยธรรมก็กว้างขวางอัะนะ เพราะพระมหากษัตริย์นี่จะเป็นผู้ดำรงอยู่ในวงของอในวงพระสัทธรรมของเราจึงอนุเคราะห์เราด้วยการอนุเคราะห์ที่ไม่ทั่วไปคือไม่สาธารณะแก่คนอื่นเหมือนพระราชาทรงอนุเคราะห์พระราชโอรสผู้ดำรงวงตระกูลด้วยทรงมอบเกราะและพระราชอิสริยยศมิใช่หรือนะท่านก็เลยทําความอุตสาหะให้เกิดขึ้นแก่พิสุเพื่อช่วยกันทําสังขายาพระธรรมวินยัย เหมือนท่านพระอุบาลีเถระกล่าวไว้ในปั ญ, ปญจสติกะขันธะเล่มเก้าข้อ614หน้า519เป็นต้นเนี่ยนะที่ท่านกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นและท่านพระมหากรสปะเล่ากับภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายครั้งหนึ่งเราเดินทางไกลจากนครปาวามาสุนครกุศินาราพร้อมกับภิกษุหมูใหญ่ประมาณห้าร้อยรูป นะอย่างที่ให้แก้ว่าเป็นคําของพระอุบาลีนะในจํำง่ายๆว่าเล่มสิบเก้าหน้าห้าร้อยสิบเก้าก็ได้ขอ้อไปเล่มเก้าหน้าห้าร้อยสิบเก้าก็ไปเปิดดูเอาในพระวินัยนะข้อความนี้อยู่ในวินยัยต่อจากนั้นท่านพระมหากษัตริยก็กล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเอาเถิดเรามาช่วยกันสังขยาณาพระธรรมวินยัยต่อไปต่อไปข้างหน้าเมื่อหน้าหมายคือว่าข้างหน้าต่อไปนี้ อธรรมจะรุ่งเรืองธรรมะก็จะร่วงโรยอวินัยรุ่งเรืองวินัยก็ร่วงโรยเมื่อหน้าอธรรมวาทีมีกำลังธรรมะวาทีก็จะอ่อนกำลังอวินยาวาทีมีกำลังวินยาวาทีก็จะอ่อนกำลังแยกเป็นสองนะธรรมกับวินัยต่อไปเบื้องหน้าธรรมะวินัยเนี่ยจะรุ่งก็จะร่วงโรยใช่ไหมอธรรมกับอวินัยจะรุ่งเรือง ตัวสภาวธรรมนะเช่นอย่างเห็นเห็นในในยุคนี้นะโพธิปัจขยธรรมรุ่งเรืองไหมไม่รุ่งเรืองตัวสภาวธรรมคือโพธิปักขยธรรมศรัทธาวิริย ะ, ะหรือสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีย์เป็นต้นนี่รุ่งเรืองไหมไม่รุ่งเรืองแล้วพระธรรมเหล่านี้ร่วงโรยเต็มทีท่านก็เห็นเหตุนะนะียพระมะัสสปานี้ท่านมีอนาคตกัลปยานอยู่แล้วท่านรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้อย่างในยุคเราเรานี่ก็เห็นชัดว่า ธรรมนี่รุ่งเรืองธรรมะก็ร่วงโรยอวิในเนี่ยรุ่งเรืองความทุศีนี่รุ่งเรืองมากอยยกตัวอย่างว่าถ้าในหมู่พระภิกษุด้วยกันถ้ามีการทุศีลขึ้นมานะถ้ารูปใดไม่ยอมทุศีลในในหมู่คณะด้วยนี่เสียหายนะรูปนั้นอาจจะอยู่ในหมู่คณะเขาไม่ได้ต้องต้องอยู่กับหมู่กับคณะอะนะถ้าถามว่าอยากรู้ก็ไปสนทนากระจารย์สันติเป็นการส่วนตัวว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงกันแน่ฮะนะี แต่ว่ามีถ้าพระพิสุถ้ายักยากรักษาพระวิ น, ยนัยเนี่ยนะก็เขก็นับว่าละหมาเพราะว่าอาวินัยนี่รุ่งเรืองเต็มทีแล้วพระวินัยร่วงโรยเต็มทีทีนี้ข้อแรกนะรมกับวินัยเนี่ยหมายถึงสภาวะธรรมนะทำกับวินัยธรรมะก็หมายถึงว่าทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติส่วนวินัยก็หมายถึงพระศีลนั่นเองก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอนาคตต่อไปศีลสมาธิปัญญาร่วงโรย ความทุศีนความฟุ้งซ่านความโง่เขลาจะรุ่งโรดรุ่งเรืองไปหมดอันนี้เรียกโดยธรรมะต่อไปโดยบุคคลบุคคลนะต่อไปใครก็ตามที่กล่าวไม่เป็นธรรมอะธรรมวาทีคือบุคคลที่กล่าวไม่เป็นธรรมจะรุ่งเรืองผู้ที่กล่าวอัดกล่าวธรรมจะร่วงโรยเหมือนกัแล้วก็จะอ่อนกําลังอันนี้โดยบุคคลนะ ใครก็ตามถ้ายืนยันอยู่ในหลักธรรมเสื่อมคนไม่ยอมรับแต่ถ้ากล่าวตั้งอยู่ในอธรรมคนยอมรับมีกำลังมากมีเดชมีอานาจมากอย่างหลายวันก่อนนี่ยมยอมในห้องเรานี่แหละเล่าให้ฟังว่าผู้ที่ปฏิเสธพระไตรปิฎกเนี่ยนะพูดหน้าตาเฉยอยู่หน้าจอทีวีน่นะพวกพูดพระไตรปิฎกหลบๆ บ, บไปอยู่ตามป่าแล้วก็จะได้เรียนพระไตรปิฎกได้ เนี่นะอ่ามันเป็นจริงไหมล่ะก็ดูเอากันแล้วกันแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้ถ้าใครปฏิเสธพระไตรปิฎกนะมีสิทธิ์ออกทีวีนะ น, นะมีบุญเก่ามาหน่อยนะออกทีวีเพื่อปฏิเสธว่าเออเชื่อไม่ได้หรอกมันอายุยืนมาปานนี้แล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็ถ้ากล่าวตามพระไตรปิฎกนะก็ไปแอบบแอบบพูดเอานะถ้าในวัดก็น้องไปพูดท้ายวัดนน่นแหละเดี๋ยวเขาจะได้ยินเข้าก็าจะไม่ให้อยู่วัดกับเขา น, นะ แล้วนั้นก็มันร่วงโรยไปทั้งหมดแล้วห ล, ล, ลายเรื่องซึ่งท่านรู้แล้วนะว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้แหละแต่ว่าถามว่าถ้าไม่รวบรวมร้อยกรองพระธรรมวินัยไว้อะไรจะเกิดขึ้นเราจะมีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาอย่างนี้ไหมอันนี้เป็นอุปการะคุณของท่านเพราะฉะนั้นเวลาอนะอย่างในห้องเราเนี่ยอย่างผู้การเลยผู้การชอบอ่ะเนี่ยเวลาสัจเจริญสังฆากรูก็จะระลึกถึงส่วนนี้ใช่ไหม นี่ก็นับว่าเป็นความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ถ้าท่านเหล่านั้นไม่ทําดีอย่างนี้ธรรมวินัยจะอยู่ไหมนะพราะนท่าอารยะทั้งหลายพระมหาคสปะเป็นต้นท่านคิดดีมากเพื่อที่จะรักษาธรรมวินัยสืบทอดมาจนถึงยุคเราทั้งหลายนะเพราะท่านเห็นเหตุเหล่านี้ตอนหลังพระภิกษุทั้งหลายก็กล่าวว่าคือหลังจากพระมหากคสปะปรารบเหตุนี้เสร็จภิกษุก็บอกว่าข้าแต่ท่านพระคสปะผู้เจริญถ้าอย่างนั้น ขอพระมหากัสสปะโปรดเลือกภิกษุทั้งหลายเถิดว่าจะสังขยนาธรรมวินัยเนี่ยนิมนต์เลือกเธอะจะเอาใครล่ะพระกัสสปะเถระก็เว้นภิกษุที่เป็นปุตุชนปุตุชนนี่หมดสิทธิ์เข้าสังขยนาพระโสดาบันก็หมดสิทธิ์พระสกธาคามีก็หมดสิทธิพระนาคามีก็หมดสิทธิพระอรหันสุ ข, ขาวิปัสสกะก็หมดสิทธิผู้ทรงปริยัติแม้กระทั่งท่านเหล่านั้นถึงจะทรงปริยัติคือทรงพระไตรปิฎก จำนวนทั้งสิ้นก็าตามเพราะฉะนั้นคัดออกหมดเนี่ยนะขนาดว่าเป็นพระอรหันต์นะสุขาวิปัสสกยังไม่มีสิทธิ์เข้าเลยอ่ะท่านเลือกเอาเฉพาะพระอรหันต์ประเภทวิชาสามเป็นต้นก็คือวิชาสามอะไรอภิน ญ, ญาหกพวกเนี้ยปฏิสามพิธาสี่คัดเอาแต่อย่างนี้แล้วต้องทรงพระตายปิฎกด้วยนะส่งพระตยปิฎกบรรลุปฏิสามพิธามีอนุภาพยิ่งใหญ่ คือต้องเป็นระดับเจ้าหมูเจ้าคณะจริงๆต้องเป็นหัวหน้าใหญ่จริงๆจึงจะจึงจะเอาเข้าพวกถ้าไม่อย่งงางนั้นเนี่ยหมดสิทธิ์นะถามว่าเอ้ไปไม่ไม่ให้สังฆายนาขอฟังได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสวดกันออกหมดเลยวเวนห้าร้อยรูปห้ามอยู่ในเมืองราชครึกทำสังฆายนาเมืองราชครึกไหมเพราะฉะนั้นเวนห้าร้อยรูปนี้ซะไม่มีสิทธิ์จำบรญษาในเขตเมืองราชครึกเพราะฉะนั้นไปฟังยังอดเลยนะนั่นถ้าจะได้ฟังเนี่ยนั้นต้องเป็นเทวดานอน่อนะไปฟัง เป็นพระภิสูรนี่ไม่ได้หมดติดฟังเลยเพราะเขาเข า, เขาคัดอ่ะเขาไม่ยอมให้พระทั่วไปอยู่จําพรรษาในที่นั้นทีนี้พระผู้ทําสังขยานาเนี่ยนะโดยมากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องเป็นเอตะทะัคคะโดยมากนะโดยมากคือหมายถึงว่าพระที่เป็นเอตัทัคคะที่ตายไปก็เยอะล่ะแต่ว่าที่ยังไม่ตายเนี่ยนะที่ยังไม่ดับขันตรีนิพพานท่านเหล่านั้นจะมีสิทธิ์เป็นบุคคลชั้นต้นๆที่จะได้เข้า ทำสังขยนาเช่นพระจุลบันทกพระอนุรท ธ, ธพระมหากรสปาพระอนนทพระมหากจัจยานะพระทั้งหลายเหล่าเนี้ยที่เป็นเอตทะข้าจะมีสิทธิ์เข้าอย่างพระัฐบาลเป็นต้นเนี้นะแล้วท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นพระหูสูตรเวลาทำสังขยนานะถ้าพูดผิดแม้แต่คำหนึ่งท่านรู้หมดนะรู้หมดแล้วอย่างพระมหากจัจยานะคำนั้นอ่ะท่านขยายได้ทุกคำอ่ะจะเป็นยังไงพระอนนทเนี่ยความสามารถท่านว่าฟังหนึ่งบทคูณได้หกหม0่นบทอย่างไงเนะย ฟังหนึ่งบทท่านขยายได้ 60,000 บทเพราะฉะนั้นเอาแต่คัดเอาแต่กลุ่มนี่มาเรียกว่าเอาพวกกลุ่มที่เรียกว่าถวายชีวิตในพระศาสนาจริงๆมาเป็นหลักเนะเพราะเดี๋ยวเอาพวกอื่นมาจะปลอมจะมีสารปนเปื้อนเข้ามาเนี่ยท่านไม่ยอมจะต้องเอาประเภทปฏิสัมพิทาเป็นการแสดงแล้วอนุเคราะห์สรรพสัจจริงๆเป็นแบบเป็นแผนจริงๆอ่ะนะจริงเราก็มีบุญกันนะได้เรียบเรียงรุ่นฝากจดหมายเอาไว้นี่ก็ดีแล้ว ก็เป็นจดหมายที่มาร่วมกันคัดร่วมมันเรียบเรียงไว้เต็มที่หมดแหละทีนี้ส่วนรายละเอียดว่าจริงๆพระมาการสปะเนี่ยท่านเลือก499รูปนะเว้นไว้หนึ่งรูปเพราะว่าท่านไม่ไม่เลือกพระอนุนโดยเพราะโดยส่วนตัวนี้ท่านกับพระอนุนนี่คุ้นเคยกันมากคุ้นเคยจนถึงขนาดว่าพระอนุนเรียกพระขออภยัยพระมารการสปะเรียกพระอนุนว่าเด็กอะ่ะหมายเด็กคนนี้ไม่รู้จักประมาณเสียเลยเนียนะ ที่เรียกว่าเด็กก็เนื่องจากว่าพระอานุ์นี่ตอนนั้นมีอายุ80แล้วใช่ไหมมีแต่พระนุ่มเนี่ยเดินตามเนยพระสัมมาเนนนุ่มกับพระพิสุหนุ่มเนี่ยติดตามพระอานุนซะส่วนใหญ่ตอนหลังพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานพระนุ่มเนนน้อยศึกหมดพระมหากสปะท่านก็ตําหนินะว่าพระอนุนเนี่ยเป็นเหมือนเด็กเลยเมั้งกันอนุ์ก็บอกผมศีรษะผมผมงอกแล้วนะบอกเป็นเด็กได้ไงเอาก็เที่ยวไปก็เด็กก็เป็นมันเด็กปละมั้งมั้กันก็เลยนี่แหละ แล้วก็เป็นผู้ที่คุ้นเคยมากและพระอนุนนีเน่เคารพพระมหากระสปะมากนาีเดี๋ยวถ้าหากว่าพระพระมหากระสปะเลือกไปเดี๋ยวจะเป็นที่คอรหาภิกษุทั้งหลายก็เลยเอขอร้องให้พระมหากระสปะเลือกเอาพระอนุนเพราะว่าการสังขารนาครั้งนี้เนี่ยเว้นพระอนุเนี่ยการสังขารนาเป็นไปไม่ได้ไม่รอดแน่เพราะว่าไม่มีอะไรที่พระอนุนไม่ได้ยินเอาเอาไม่ได้ยินก่อนเพราะ ถ้าโนนเนี่ยก่อนจะอุปถากท่านขอพอรไว้ข้อนึงว่าพระพุทธเจ้าไปแสดงที่ไหนที่นั้นไม่มีข้าพระองค์อยู่พระองค์กลับมาต้องแสดงให้ข้าพระองค์ฟังอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนั้นนเป็นสิทธิพิเศษที่เรียกว่าใครอื่นเว้นพระอนุนไม่ได้อันนี้พอทั้งทัางก็เลยร้อยกรองเพื่อจะทําสังขยนาพระวินัยเนี่ยนะคณะสงฆ์ก็เลยมีมติว่าได้โปรดเลือกเอาพระอนุนด้วยเถอะพระอนุนก็เลยได้ร่วมประชุมกับเขา ที่นี้ในหน้า200เอ่อขออภยัย124ข้างหน้าล่างๆกล่าวว่าลำดับนั้นพี่สุทั้งหลายก็ปรึกษากันว่าเราจะช่วยกันสังคยนณาพระธรรมวินัยที่ไหนเล่าเนาะก็ตกลงกันว่ากรุงราชครึกมีโครจรที่หาอาหารมากมีเสนาสนะมากอันนี้เป็นเหตุผลใหญ่ๆนะแต่จริงๆแล้วอุปถัก์ใหญ่อยู่ที่นั่นเขาบอกว่าปุตุชนที่เป็นที่เป็นปุตุชนที่เลื่อมสายพระ พระรัตนตรัยเนี่ยไม่มีใครเสมอด้วยพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วตอนนั้นเนี่ยนะพระราชายิ่งใหญ่ที่สุดคือกษัตริย์วงอื่นๆเมืองอื่นๆ น, นะโดยมากปกครองแบบกึ่งประชาธิปไตยอย่างเช่นเมืองไทยสาลีเนี่ยนะกษัตริย์กษัตริย์เนี่ยไม่ได้มีใครเป็นใหญ่จริงก็เขาทุกคนเนี่ยจะปกครองแบบแบบคล้ายๆประชาธิปไตยแต่เฉพาะเอาเชื่อเจ้าอานะเมืองกุสินาราก็เหมือนกันอนะ เมืองกบิลพั์ก็เหมือนกันปกครองแบบนั้นนะ น, นะก็คือเป็นคล้ายๆสภาผู้แทนราษฎรนี่ยแหละแต่เขาเรียกว่าสภาเจ้าเขาปกครองโดยสภาเจ้าแต่เมืองราชครึกเนี่ยสภาอัตโนมัติคือพระเจ้าอาชาชาศัตรูเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นแล้วพระเจ้าชาชาศัตรูเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธานในพระพุทธเจ้าบอกว่าพอฟังว่าพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานนี่เป็นลมเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนที่พระ อ, องค์ดับขันปรินิพานเนี่ยอมหาศก็ไปบอก อมาตยก่อนจะบอกให้เตรียมรางน้ําเอาไว้เลยนะเขาบอกว่าให้พระโอ๋ให้พระเจ้าชาติศัตรูแช่น้ําไว้แล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานแล้วพระเจ้าข่าพอได้ยินก็สลบเลยตื่นขึ้นมาท่านว่าไงนะนะบอกพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานแล้วก็ล้มสลบนะทามอยู่สามครั้งอนะให้แช่อยู่ในน้ํำนะ้ำเปลี่ยนน้าน้ําอุ่นขึ้นมาทันทีเลยนะตรงตรงที่พระเจ้าชาติศัตรูนอนอยู่เนะี่ยคือการศรัทธามากขนาดนั้ น, นะนะเนี่ยนะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามาก อันนี้ก็นับอีกเหตุผลหนึ่งแล้วก็ปัจจัยสี่นี่ก็ก่อนข้างสะดวกสบายเพราะฉะนั้นท่านก็เลยว่าจะจําำรรษาณกรุงราชครึกทัานใครที่ศึกษาประวัติในช่วงนี้เวลาไปเมืองราชครึกเนี่ยมีอะไรให้นึกเยอะมากเลยนะพ อ, อมาไปอินเดียนีนึกได้อยู่แค่เมืองราชครึกเมืองอื่นนึกยังไม่ค่อยไปอ่ะนะเพราะเนื้อหาในเมืองราชครึกเยอะเหลือเกินเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องสังขยาณาก็อยู่ที่นั่นวัด ที่ดูพระศาสนาดำรงอยู่ที่แคว้นมคตโดยเฉพาะเมืองราชครึกเป็นแกนหลักเนี่ยนะใหญ่สมัยพุทธ ก, กาลเนี่ย44ปีเต็มหรือ45ปีเต็มๆเนี่ยอยู่ที่นั่นเกือบทั้งหมดเนี่ยนะมันเอกสารชุดไปอินเดียเนี่ยเมืองราชครึกสามเล่มโตๆเนี่ยนะก็ไปอ่านเอากันแล้วกันว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นบ้างก่อนก่อนที่คณะจะไปอินเดียนะนั่นก็มีนะเล่มโตๆมากก็ไปอ่านศึกษาดูดีนะไม่เอาชาดกไปใส่ด้วยเอาชาดกไปใา่ด้วยก็เต็มไรหมดอะ่ะ อันนี้ขนาดตัดชาดกไปบ้างเลยนะอันนั้นให้ดูว่าภิสูุที่จะเข้าจําพรรษาทําสังขารนาในเมืองราชเครืก่ก็ห้ามพระภิกสูรูปอื่นเพราะว่าพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นท่านตกลงกันว่าการทําสังขารนาครั้งนี้เป็นถาวรกรรมถาวรแปลว่ากรรมที่มั่นคงเนี่ยนะซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครเปลี่ยนแปลงกรรมนี้ถือว่าเป็นอาบัติเนี่ยนะห้ามเลยถือว่าเป็นถาวรกรรม บุคคลผู้เป็นวิสภาคะาไม่ถูกกันจะเพื่อนเข้ า, เ, าเข้ามาในถ้ำกลางสงแล้วรื้อถาวรกรรมนั้นเสียเพราะฉะนั้นห้ามภิสุชุดอื่นที่ไม่ได้ทำสังคยนาเข้าจำพรรษาในเมืองราชครึกเนี่ยนะด้วยการประกาศธุติยะกรรมมวาจารเนี่ยนะตั้งยติขึ้นมาเอาเลยว่ า, า, าสุน า, าสุนาตุเมอาวุโสยาดิสังขสะปตกลังนะขา้าแต่สง ผู้มีอายุทั้งหลายขอสองจงฟังข้าพเจ้าว่ากั้นคือตั้งเรียกว่าประกาศเป็นเป็นกรรมเลยขึ้นมานะถ้าเป็นสมยัมยใหม่ก็เรียกว่าประกาศเป็นกฎหมายขึ้นมาเลยนะลักษณะประกาศเป็นกฎหมายเลยนะเรียกว่าเป็นกฎหมายชั่วคราวว่าปีนี้ห้ามที่สุดชุดอื่นห้ามจำพรรษาในเมืองราชครึกส่วนรายละเอียดก็ดูเอาอย่างดังที่กล่าวอ้างไปนะว่ามีกล่าวไว้ในพระวินัยปิดกเล่มเก้าข้อหกร้ยสิบ สี่เป็นต้นไปเนี่ยนะก็มีกล่าวเอาไว้ส่วนในที่อื่นๆก็มีในมหาปริณิพานสูตรบ้างเป็นบางส่วนในอัตถาพรมชาลสูตรบ้างเป็นบางส่วนแล้วก็ตรงนี้เป็นบางส่วนเนี่ยนะแล้วก็ในอัตถาพระวินัยก็มีส่วนรายละเอียด่นะหลังจากที่พระตถาคตปริณิพานอันนี้เหตุในหน้าหนึ่งรอยี่สิบห้านั้นก็กล่าวถึงที่เมืองกุสินาราว่า พรงปรินิพานก็ก็มีการเล่นสาธุกีฬาเจ็ดวันนะคือหมายความว่าเป็นการแสดงที่เป็นพุทธบูชาเจ็ดวันเต็มหลังจากนั้นก็บูชาพระธาตุอีกเจ็ดวันนะก็เป็นครึ่งเดือนแล้วใช่ไหมพระมหากรสปารู้ว่าเวลาล่วงไปครึ่งเดือนแล้วยังเหลือเวลาเดือนครึ่งนับตั้งแต่วันเพนเดือนหกจนถึงวันนี้นะวันนี้เป็นวันเหมือนกับวันเข้าพรรษามาหนึ่งวันแล้วใช่ไหมเมื่อวานเข้าพรรษา ถามว่าหลังจากวันเพ็ญเดือนหกมาก็สองเดือนเต็มใช่ไหมสองเดือนเต็มทั้นตอนนี้ก็พูดถึงว่าเหลืออีกเดือนครึ่งจะเข้าพรรษาเหมือนั้นก็กระชั้นชิดดีทีเข้าจําพรรษาท่านจึงกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเราจะพากันไปกรุงราชครึกก็พาหมู่ภิกษุเครื่องหนึ่งเดินทางแยกไปทางหนึ่งแม้พระอนุรุธทธเถระก็พาหมู่ภิกษุเครื่องหนึ่งแยกไปอีกทางหนึ่งพระอนนเทเถระก็ถือเอาบาดจีวอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระเถระเด่นๆในตอนนั้นเนี่ยเนี่ยสามรูปใหญ่เนี่ยนะที่ที่มีอานาจมากในสมัยนั้นนะคือพระมหากสปะพระอนุรุ ธ, ธะและพระอนุนที่มีมีบทบาทมีอำนาจมากส่วนพระอนุ์นี้ท่านก็ไปจาริกกลับไปเมืองสาวัตถีก่อนทีนี้สถานที่ใดก็ตามที่พระอนุ์ไปเนี่ยนะเสียงร้องให้คร่าครวญราพันขนานใหญ่ขึ้นว่าท่านเจ้าค้า ท่านพระนร น, นี้เก็บพระาศาสดาไว้ที่ไหนมาแล้ว่นะเอาพระพุทธเจ้าไปทิ้งไว้ไหนทําไมมาองค์เดียวว่างั้นนะคือปกติแล้วพระนรนอยู่ที่ไหนหมายถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าประดุดเงาของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเห็นพระนรนหมายว่าเห็นพระพุทธเจ้าถ้าเห็นพระพุทธเจ้าหมายถึงเห็นพระนรนใช่ไหมตอนนี้มารูปเดียวเหลือแต่เงาแล้วใช่ไหมภาพจริงไปไหนแล้วว่างั้นก็ร้องให้ระงมไปหมดเลยเมื่อพระเถระมา ถ, ถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับ เสียงคร่ำครวญรำพันขนาดใหญ่เหมือนสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานทีนี้ข่าวว่าสมัยนั้นท่านพระอนต์ก็ต้องปลอบมาหาชนด้วยธรรมีกถาที่ประกอบด้วยอนิจจตาความไม่เที่ยงเป็นต้นพระอนุนเนี่ยนะก็แสดงธรรมให้ชาวบ้านฟังใช่ไหมว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายอย่าเศร้าโศกร่ำไรไปเลยข้อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าว่าสังขารทั้งหลาย เราจาักรละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องเป็นอย่างอื่นความพลาดพลาดจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นที่พอใจเนี่ยนะสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ประชุมกันแล้วเนี่ยที่จะไม่แตกไม่ทำลายไม่มีรกัก น, นะสังขารทั้งหลายก็ต้องมีความสลายไปเป็นธรรมดาผู้ใดจะประัดไปปรารถนาขอว่าสังขารทั้งหลายอ น, นะจงดำรงอยู่ตลอดไปไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ใช่ไห ก็ปลอบใจมหาชนมหาชนก็สางโศกพอมหาชนก็กลับไปพระอนุนก็ปัดกวาดเช็ดถูเคาะพระคันธกุตีเอาดอกไม้แล้วก็ร้องไห้ซะเองนะพอชาวบ้านก็ไปหมดพระร้องไห้มัง่งในตอนปลอบใจชาวบ้านก็อยู่ในธรรมะใช่ไหมลืมธรรมะเลยกันนี่พระองค์ไปไหนเนี่ยนะได้เวลาแสดงธรรมแล้วพระเจ้าค่าเพรางนั้นในเวลาจงกรมแล้วพระเจ้าค่าได้เวลาสรงน้ําแล้วพระเจ้าค่าทําไปร้องไห้ไปเนะี่ย แล้วก็ที่พระอานอนท์เนี่ยก็จะจัดอาหารไว้ชุดหนึ่งไว้ถวายพระพุทธเจ้าอะไรไว้ถวายทําเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะตอนหลังเทวดาก็มาเตือนเทวดาก็มาเตือนว่านี่ท่านจะไปปลอบคนอื่นเขายัางไงท่านโวแต่ร้องไห้อยู่อย่างงี้นะอานอนท์ก็เลยสังเวชใจก็เลยหลังจากนั้นมาท่านก็ฉันยาถ่ายเนี่ยนะฉันยาถ่ายเพื่อสุขภาพก็ดีขึ้นท่านก็มีการสั่งให้ปฏิสังขรเรียกว่า บุรณะวัดทระเชตาวันเป็นต้นแล้ววัดในเมืองสาวัตถีเพราะว่าเจ้าภาพใหญ่ตายไปนานแล้วเ น, น, นะนี่ย น, นะเนี่ยนะอนาถบินธิกะตายไปนานแล้วเนี่ย น, นะพระอานนท์ก็เลยต้องต้องเป็นเจ้านาะคอยสั่งเนี่ย น, นะคอยแนะนำชี้แจงบอกว่าเราจะต้องบุรณะปฏิสังขรวิหารนะทีนี้พูดถึงว่าเมื่อจวนใกล้เข้าพรรษาก็พระทั้งหลายที่ที่ได้รับการสมมติให้ไป ทำสังขยาณาที่เมืองราชครกก็ทยอยกันไปถึงเมืองราชเครือกเนี้พอไปถึงเมืองราชเครืกเนี่ยนะพอเข้าพรรษาในเมืองราชเครืกก็วัดเนี่ยโทรมมากเพราะว่าหลังจากพระองค์ดับขันปริณีพานไปเออพอพระองค์เนี่ยบอกว่าจะดับขันปริณีพานพระภิกษุทั้งหลายไม่มีใครอยู่จําวัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะผ่านไปหกเจดเดือนเนี่ยนะวัดเนี่ยโทมไปหมดเลยก็เอาง่ายๆว่าวรีสอร์ททุกการไม่ดูแลสักสามเดือนอะไรจะเกิดขึ้นนะนะ บอคิดสภาพแบบนี้แทนกันแล้วกันมันก็วัดทั้งหลายก็โซมไปหมดเลยนะเพราะหลังคาสมัยก่อนนี่ใช้อะไรเป็นส่วนใหญ่ก็ใช้พวกหญ้าพวกอะไรเป็นต้นเนลยนะพวกอิดพวกหญ้าหลังที่ทําด้วยหญ้าก็โผลหมดโซมหมดเพราะไม่มีใครอยู่เนี่ยนะก็เลยช่วยบูรณะปฏิสังขรณ์เมืองราชครกนี่ปกติแล้วสมัยนั้นมีวัดใหญ่ๆอยู่สิบแปดวัดวัดเล็กๆต่างหากนะวัดใหญ่สิบแปดวัไม่รู้ว่า ถ้าไปตอนนี้ไม่รู้จะไปไล่ครบหรือเปล่าว่าสถานที่ตรงไหนธรณีสงฆ์วัดเก่าเนี่ยนะนึกไม่ออกกันนะมีแต่ซากอิฐไปหมดเลยครับนี่ mm hmm. ก็เลยสมัยนี้เขาเรียกว่ารัฐแถวแถวนั้นเรียกว่ารัฐพิหารขุดไปตรงไหนก็มีแต่อิฐมีแต่ที่วัดะนะพิหารก็คือวัดนั่นแหละเลยรัฐที่มันมีวัดมากที่สุดในโลกวันนั้นรัฐพิหารรัฐพิหารหลังจากนั้นก็ไปขอให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะเป็นธุระในการบูรณะปฏิสังขรวัด เป็นเจ้าเจ้าภาพในการสร้างมนตดบที่ทําสังขยนาหน้าถ้าสัตบัญณครูหาข้างเขาเวปุระบันพศเวภาระบัรพศเนี่ยนะข้างภูเขาเวภาระบันพศก็ทําสังขยนาได้เป็นอย่างดีที่นี้คืนก่อนจะสังขยนาหน้าหนึ่งร้อยเนี่ยนะกล่าวถึงรวบรัตไปเลยนะคืนหน้าที่จะทําสังขยนาคืนหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยทำสังขยนาวันนั้นอะก่อนหน้านี้วันหนึ่งเนี่ย ภิกษุหลายรูปเนี่ยก็ได้กล่าวกับท่านท่านนลว่าอนน์พรุ่งนี้เป็นวันประชุมสงตัวท่านเป็นเสขะยังมีกิจที่จะต้องทําด้วยเหตุนั้นท่านไม่ควรจะไปประชุมขอท่านอย่าประมาทนะถ้าไม่เป็นพาหันท่านอย่าเข้าที่ประชุมเลยบางองค์นี่พูดคํานี้เลยนะแหมาพาอนนลนี่สะเทือนใจมากพาหันบางองค์ยังบอกมีบางรูปนะมาปล่อยกลิ่นแถวแถวนี้เหมือนกัน <c oughs> ก็ถือว่ายังมีกิเลสนี่ก็ถือว่ามาปล่อยกลิ่นไว้แถวเนี้ยนะ พระนรนก็สังเวชมากเลยนะท่านท่านพระนรนกดำริว่าพรุ่งนี้เป็นวันประชุมการที่เรายังเป็นพระเสฆาไปประชุมไม่สมควรเลยก็เลยยับยั้งอยู่ด้วยกายคตาสติตลอดราตรีเป็นอันมากหมายว่าเดินจงกรมพิจารณาอาการสามสิบสองเป็นหลักเนี่ยนะเรคิดดูนะพระนรนเนยทรงพระไตปิดดกไปหมดเลยนะท่านกลับมาเนี่ยคิดเรื่องผมขนเล็บฟันหนังในแสดงว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาใช่ไหมขนาดพระอานร์ก็ยังจเจริญอย่างนี้อยู่ ธานุรุธานะถ้าดูในอนุรุธสังยุตธาอนุรุธาก็มากด้วยการเจริญกายคตาสติเหมือนกันท่านก็เจริญผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะโดยราตรีเป็นอันมากจนถึงใกล้สว่างเกือบสว่างเลยนะตีสี่ตีสามตีสี่ยนะังไงเนท่านก็ลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารนึกถึงนึกถึงกายไม้จะนอนพักรู้นะว่าร่างกายนี้อ่อนเพลียมากแล้วจิตทั้งสองก็ ฟุ้งซ่านัก็เลยจะพักสะหน่อยเท้าทั้งสองพ้นพื้นและศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนในระหว่างนั้นจิตก็ไม่ยึดมั่นหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงบรรลุอริยสัจตอนที่เอนกายความจริงท่านพระอ น, น์นี้ยับยั้งอยู่ภายนอกด้วยการจงกรมก็ไม่อาจทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้ตรงนี้เนี่ยทำให้เข้าใจดีเรื่องอิริยาบดสบปายะเนี่ยนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอิริยาบดต้องสปายะและอินรีต้อง สม่ำเสมอกันนี้สําคัญมากเพราะว่าท่านได้คิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกัเราไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าอ น, อนนท์เธอมีบุญที่ทําไว้แล้วจงประกอบความเพียรเนืองๆก็จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะได้ฉับพลันขนาดมีบุญเก่านะต้องให้ประกอบความเพียรมากๆใช่เนืองๆก็แปลว่าบ่อยๆนี่ขนาดมีบุญเก่านะให้เพียรไว้เยอะเธอจะบรรลุไม่ยากอะ น, นะบรรลุได้อย่างรวดเร็วว่างั้น ถ้าผู้บุญน้อยๆ น, ยนะไม่เพียรด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะขนาดผู้มีบุญมากระดับพระนนยิ่งเพียรเกือบทั้งคืนก่อนหน้านั้นไม่พูดนะอันนี้พูดเฉพาะคืนสุดท้ายนะว่าท่านเนี่ยเพียรมาขนาดไหนทีนี้ท่านก็คิดต่อไปว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสไว้ไม่ผิดเราประคงปรารบความเพียรเกินไปด้วยเหตุนั้นจิตของเราจึงเป็นไปในทางฟุ้งซ่านใช่ไหมเพราะว่าถ้าวิรินทรีมาก วิริยินทรีย์เกินไปอุทธจกำเริบสมาธินทรียมากเกินไปถีนมิทะกำเริบสัตทินทรียมากเกินไปงมงายปัญญินทรียมากเกินไปโกงที่โกงเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นก็เออินทรีย์นี้จะต้องพอดีกันนะแต่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยท่านรู้ว่าท่านมากไปด้วยวิริยินทรีเพราะฉะนั้นจิตจึงฟุ้งซ่านเอาเถิดจำเราจะประกอบความเพียรแต่พอดี จึงลงจากที่จงกรมยืนณนะที่ล้างเทา้าล้างเทา้าแล้วก็เข้าวิหารนั่งบนเตียงคิดจะพักเสียหน่อยหนึ่งก็นอนเอนกายลงบนเตียงเท้าทั้งสองพ้นพื้นและศรีรษะยังไม่ทันถึงหมอนในระหว่างนั้นจิตก็ไม่ยึดมั่นหลุดพ้นจากอาสวะอันนี้หมายถึงว่าอารหัตตผลจิตเกิดขึ้นพระอรหัตของพระเถระเว้นจากอิริยาบถสี่ด้วยเหตุนั้นเมื่อจะถามกันว่าในพระศาสนานี้ ภิกษุรูปไรไม่นั่งไม่นอนไม่ยืนไม่เดินบรรลุพระอรหันต์ก็ควรจะตอบว่าพระอนุนก็ไม่รู้จะเรียกอิริยาบทไหนนั่งก็ไม่ใช่นอนก็ไม่เชิงยืนอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เอ็น่อนะบรรลุเลยแต่หมายว่าอินทรีย์เนี่ยประชุมพร้อมกันในตอนนั้นนะในฐานะผู้เรียนมากเป็นผหูสูตยมากไม่มีอะไรที่ท่านไม่เข้าใจกันมาถานที่พระภิกษุเรียนทั้งหลายสมัยพุทธกาลณพระอนุนรู้หมด นนขนาดนั้นท่านก็ต้องรู้จักตรมบ่มอินทรีย์ปรับอินทรีย์อะไรอ่อนอะไรกล้าเป็นต้นก็รู้ะนะของเราทั้งหลายเนี่ยนะใจก็อยู่กับเราใช่ไหมเรารู้แล้วใช่ไหมว่าอะไรอ่อนอ่านะอ่อนทุกอย่างเลยใช่ไหมหรือมีส่วนไหนอินทรีย์ไหนแข็งเราเพื่อนเลยนะสัตทินรีย์นึกพระพุทธนึกถึงพระพุเทธเจ้าปีติเลยอ่านะสัตหีนรีย่ะนะปุการต้องคงปีติเลยนะเมื่อวานอ่ะสัทหีนรีย์ มันวันนี้ก็ขมขมไปบ้างแล้วกั น, <笑><笑> น, น, นก็เพอพวกมีสัตตินรียมันก็มีทุกวันนั่นแหละไม่ใช่มีเป็นครั้งคราวแล้ววิริยนินรียสตินินีสมาทินีและปัญญินรียตัวอีกครั้งหนึ่งนะสัตตินรียเห็นที่ไหนดูได้ที่ไหนโศตาปฏิยังฆะธรรมีวิริยนินรียดูจากสัมมาประธานีสตินินรียดูจากสติประธานีสมาธิินีดูจาก ฌานสี่ปัญญสี 4, ดูจากอริยส 4, ยัจสี่นะก็ไปทบทวนดูตามนั้นเอากันแล้วกันว่าเกือบบรรลุหรือยังทีนี้วันที่สองพระพิสุเทระทั้งหลายฉันตตาหารเก็บงาบาทจีวรก็เข้าที่ประชุมธรรมสภาท่านพระนนเทระประสงค์จะให้สงรู้ถึงการบรรลุพระอรหันต์ของตนจึงไม่ไปพร้อมกับพิสุทั้งหลายก็พระพิสุก็จะมานั่งตามอาสนะตามลาดับ อาวุโสหมายว่านั่งตามลําดับพรรษาเนี่ยนะพรรษามากนั่งโน่นอ่ะข้างหน้าพรรษาน้อยๆก็นั่งรองลงมารองลงมาก็นั่งเว้นอาสนะของพระอ น, นุเทระเอาไว้ที่นั้นเมื่อพระเถระบางเหล่าถามว่านั่นอาสนะของใครก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพระอนุทานพระอ น, นุไปไหนล่ะพระอ น, นุก็ได้ยินด้วยหูทิพย์เลยใช่ไหมเพราะท่านบรรลุเป็นธาตุหันประเภทอภินยาหกด้วยเนี่ย ท่านทั้งก็มีหูทิพย์และพระาหันคุยนที่ไหนท่านรู้หมดแล้วคันี้ท่านก็เลยสำแดงอนุภาพของตนดําดินไปอัตถะฐาบางท่านก็บอกว่าเหาะมาก็มีบางท่านก็ว่าเคารพสงฆ์ก็ดําดินมาอนนันจะเหาะข้ามหัวพะระติระรูปอื่นมาได้ยังไงเหมือนั้นแต่ว่าถ้าตามมตินี้ท่านถือเอาว่าท่านดําดินมาเพราะว่าความเค า, ารพในพระาหันรูปอื่นๆเนี่ยนะมีพระหมหาคสปะเป็นต้นเนะแต่ถ้าหายตัวมานะจะสวยที่สุดเลยนะ นะไม่ต้องก้มให้พระอ่อนทรรษากว่าใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าเหาะมาก็เหมือนกับว่าอยู่พระเหนือกว่าพระที่พรรษามากกว่าใช่ไหมถ้าหายตัวแล้วมาแป๊บตรงนั้นพอดีเลยสวยทีนี้หลังจากที่ประชุมกันเบ็ดเสร็จก็มาควรคุสนทนากันว่าจะทําสังขยานาไกนกรพิสูจน์ทั้งหลายก็เรียนท่านพระมหากระสปะว่าธรรมดาว่าพระวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเมื่อวินัยยังอยู่ ศาสนาก็ชื่อว่ายังดำรงอยู่เพราะฉะนั้นเราจะสังคายนาพระวินัยก่อนศีลเนี่ยสำคัญนะวินัยที่เตศาสนังที่ตังมิเนโยศาสนสษาอายุเนี่ยนะวินัยเป็นอายุของศาสนาถ้าศาสนายังถ้าพระวินัยยังอยู่ศาสนาก็ยังชื่อว่ายังอยู่ก็เห็นชัดนะว่าบุคคลใดถ้าศีลยังอยู่อย่ากล่าวว่าศิกขาสะอื่นๆจะไม่อยู่แต่ถ้าศีลหายไปศิกขาสอื่นๆก็อยู่ไม่ได้เปรียบเหมือนว่า ถ้าศีรษายังอยู่นะวังกันเถอนะพูดแบบโดยวรวมๆนะถ้าศีรษะยังอยู่ก็เชื่อว่าชีวิตยังอยู่ใช่ไหมถ้าศีรษะขาดแล้วล่ะไ ม, มไม่มีชีวิตเหลืออยู่แล้วพระวินัยนี่มีความสําคัญเท่ากับศีรษะเลยนะศะีรษะเพราะว่าเป็นชีวิตเป็นอายุเป็นเป็นตัวที่จะทําให้ศาสนาดํารงอยู่ทีนี้ถามว่าจะให้ใครเป็นธุระในการสังขายาาพระวินัยพิสูจนทั้งหลายก็เรียนว่าท่านพระอุบาลี อันนะถามว่าเอาพระนรนไม่มีความสามารถหรือบอกว่ามีแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ยกย่องพระอุบาลีในเอตทักคะว่าอุบาลีเป็นเลิศกว่าภิกษุสาวกของเราผู้ทรงพระวินยัยนะก็ให้พระอุบาลีเป็นเทระพระอุบาลีเนี่ยเป็นพระพิสุที่ไม่เหมือนคนอื่นอยู่ข้อหนึ่งว่าทุกอิริยาบถของท่านท่านคิดแต่พระวินยัยวินัยคือที่อยู่ของท่าน ไม่มีการว่างเว้นจากตรึกพระวินัยเลยเป็นนักตรึกพระวินัยเป็นชีวิตจิตใจอยู่ด้วยการคิดถึงพระวินัยยืนเดินนั่งนอนรับอารมณ์อะไรท่านก็คิดถึงแต่วินัยเป็นหลักเป็นผู้ที่คิดมากในเรื่องพระวินัยนะแต่คิดมากไม่ไม่ใช่คิดด้วยอกุศลอนะแต่เป็นผู้ที่ตรึกมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยพระวินัยพระวินัยเป็นที่ยืนเป็นที่เดินเป็นที่นั่งเป็นที่นอนของท่านจริงๆจิตใจทั้งหมดของท่านเป็นภายใน พระวินัยของพระพุทธเจ้าก็ดูนะในเถระคาถานะแม้กระทั่งในอุบาลีเถระประธานก็จะท่านกล่าวไว้เองเลยว่าชีวิตของท่านอยู่กับพระวินัยจริงๆแล้วท่านสามารถวินิจฉัยวินัยได้เสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีหลายเรื่องนะเช่นเรื่องตอนที่พระกุมารกสปะเกิดในครันของมารดาเนี่ยนะพระอุบาลีนัเป็นคนวินิจฉัยพระพุทธเจ้าไม่ไปวินิจฉัยให้พระอุบาลีเป็นธุระ แล้วก็มีอีกตั้งหลายเรื่องให้พระอุบาลีนี้เป็นธุระวินิจฉัยพระวินัยได้เยี่ยงพระพุทธเจ้าออกมาเงินเพราะฉะนั้นก็พระเถระคือพระมหากระสปะก็สมมุติตนเป็นเพื่อถามพระวินัยพระอุบาลีก็สมมุติตนเพื่อตอบพระวินัยทีนี้เขาก็มีการปรเดียงสงก็คือปรเดียงหมายถึงบอกกล่าวให้สงทราบวัตสุนาตุเมอาวุโสสังโคยติสังขสะปัตตะกะลังอหังอุปาลิงนี่ในยังปุจฉัยยังเลยนะ ดูก่อนท่านทั้งหลายขอสงโปรดฟังข้าพเจ้าถ้าว่าีว่าถ้าว่าอันเดียวกันนะนะถ้าว่าสงพรักพร้อมแล้วข้าพเจ้าจะถามวินัยกับท่านพระอุบาลีพระอุบาลีก็ประกาศให้สงทราบเหมือนกันว่าสุนาตุเมพันเตสังโคยดิสังคสสะปตะกลังอาหังอายสมตาหามหากสเปนะวิริยังปุดโธวิสัตเฉยยัง ข้าแต่ท่านทั้งหลายขอสงโปรดฟังข้าพเจ้าถ้าว่าสงพระพร้อมแล้วข้าพเจ้าอันท่านพระมหากระสปะถามแล้วจะตอบพระวินยัยก็มีการถามการตอบพระวินยัยสรุปง่ายๆถามตอบมาเป็นวินยัยถ้าเป็นฉบับสี่สิบห้าเล่มก็แปดเล่มฉบับเราที่ใช้กันอยู่นี่ก็สิบเล่มเนะี่ยถามตอบพระวินัยอยุดสิบเล่มด้วยกันท่านถามตอบถามตอบถามตอบมานะของเราอ่านอ่านอ่า น, านก็ยังไม่ค่อยจะจบเลยนะคิดดู ผู้การผู้การก็ไม่ค่อยอ่านพระวินัยเป็นเรื่องของพระพิสุท่านเหมือนกันอ๋อตอนนี้เริ่มอ่านแล้วนะเริ่มก็ถ้าอ่านวินัยนะถ้าเป็นเล่มแรกๆเป็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะซะส่วนใหญ่ถ้าเล่มหนึ่งเลยนะเล่มหนึ่งเนะี่ยเช่นเวรัญชกันเป็นต้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่อ ง, องธรรมะซะส่วนใหญ่เนื้อหาพระธรรมบางอย่างนะอยู่ที่พระวินัยธรรมะเช่นอธิตตปริยายาสูตร เป็นต้นเนี่ยนะเกี่ยวกับพุทธประวัติบางเรื่องเนี่ยเขาเดินเรื่องตามพระวินยัยนะแล้วก็ยกมาจากพระวินยัยถ้าเราเรียนพระวินัยเนี่ยเช่นตั้งแต่แรกตรัสรู้เป็นต้นมาเนี่ยที่เล่าเป็นลําดับเป็นลําดั บ, ดดบจริงๆอยู่ในพระวินยัยถ้าเป็นพระสูตรนี้เป็นการเรียบเรียงอีกวิธีหน almond, ึ่งไม่ได้เรียบเรียงตามความเป็นไปไม่ได้เรียบเรียงไปตามลําดับเรียบเรียงพระธรรมตามหมวดตามหมุงทีนี้เมื่อมีการถามตอบพระวินัยเสร็จก็หลังจากนั้นก็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 เป็นต้นเนี่ยนะก็ถามนิกายทั้งห้านะนิกายห้ามีอะไรบ้างทีคะนิกายทั้งหมด34สูตรมัชชิมนิกายร้อห้าสบสสูตรสังยุตตนิกายอ่าสังยุตตนิกายนี่มีเจ็ด้อยสูตรนะแล้วก็ถามอังคุตระนิกายอีก 9,55 า้ารสูตรทีนี้ก็มาขึ้นคุถกาณิกายก็ถามไล่มาจนถึงคุถกาณิกายคุตกาณิกายมี10 ห้าคำพีสิบห้าคำพีก็ไล่ตั้งแต่คุตตะปาทะ น, นะถ้าเป็นฉบับเรานะคุตตะปาทะยุเล่มส9สิบจบคุตตะปาทะสี่1ิบสี่บเอ็ดสี่สบสองสี่ิบสา 40, 41, 42, นี่เป็นคาถาธรรมบทเนี่ยนะก็ต่อด้วยธรรมบท4ี่ิบสี่ก็เป็นอุทานสี่สิบห้าอิติวุตตะสี่สบกสี่เจ็ดสุดตานิบาทสี่ิบแปดวิมานวัตถุใช่ไหม 49เปตวัตถุห้าสิบห้าอะไรเถรคา 50, 51, 52, 53, ถาหาสิบห้าเดห้าบสองห้าบามถรคถาห้าิบสี่เถรีคถาห้าสิบห้าไปจนถึงห4สี่เป็นชาดกห5สห้าเป็นมหานิเทศห6สิหก็มหานิเทศห7สิบเจ็ดจุลนิเทศห8สิบ9ปดหิด้าปฏิสัมพิธามมัคเจ็ดสิบเจ็ิเจเอดเจสิบสองเป็น อปทานเจ็ดสิบสามพุทธวงศ์เจ็ดสิบสี่จริยาปิดกเพราะฉะนั้นตั้งแต่เล่มสามสิบเก้าจนถึงเจ็ดสิบสี่นี่คือเรียกว่าคุถการนิการนี่นะคุถการนิกายเนี่นะธธาานยหลายเล่มมากเลยนะอ่านถ้าตึนถ้าใครแปลคุถกะรว่าเล็กน้อยนี่ไม่เล็กเลยนะใหญ่กว่านิกายที่เหลือทั้งหมดเขาเลยขับแปลคําว่าคุถการนิกายว่านิกายอื่นเว้นจากสี่นิกายข้างต้นเรียกว่าคุถการนิกายอ น, นะ ก็ทีขนิกายนี้มีเล่มเท่าไรเล่มสิบเอ็ดถึงเล่มสิบหกเรียกว่าทีขนณิกายเล่มสิบเจ็ดถึงเล่มยี่สิบสามเป็นมัชฌิมานิกายเล่มยี่สิบสี่ถึงเล่มสามสิบเอ็ดเป็นสังยุตตนิกายเล่มที่สามสิบสองถึงสามสิบเท่าไรถึงสามสิบแปดเป็นอังคุตรนิกายก็ อ, อ่านเอาอ น, นี่มาเป็น มงคอลสูตรนี้มงคลสูตรนี้อยู่ในคัมภีคุถะนิกายเนี่ยนะคุถะนิกายคุถะนิกายอยู่ในมงคลสูตรมีอยู่สองสองสองแห่งนะมีอยู่ในสองคำพีตัวมงคลสูตรสองคำพีคำภีแรกคือคมภีคุถะปาฐะที่เราเรียนกันอยู่นี่เรียกว่าเอาไว้สวดทั่วท่วไปคุถะปาฐะก็คือเป็นปาฐะก็แปลว่าเป็นคําพูดคําพูดที่เอามาสวดมาสาธยายกันบ่อยๆ แล้วอีกที่หนึ่งมีอยู่ในสุตตะนิบามีอยู่สองแห่งนะก็ทั้งสองแห่งนี้ก็เนื้อความการขยายความเหมือนเหมือนกันแปลก็ตัวคําขยายเหมือนกันแต่ว่าคําแปลเพราะว่าแปลหลายอาจารย์ก็แปลคนละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าจะดูให้ดีควรจะดูทั้งสองแห่งนะทั้งเล่มสามสิบเก้าและเล่มสี่บเจ็ดนะเล่มสีิบเจ็ดก็เอาไว้ดูเทียบกันเพราะสำนวนแปลก็คนละอย่าง แต่ทีนี้ว่าถ้าแปลได้สมบูรณ์กว่าเล่มนี้ก็เล่ม47จะแปลดีกว่าแต่ก็ดูๆเอานะว่าศรัทธาเล่มไหนก็อ่านแต่ก็ควรอ่านเทียบทั้งสองเล่มนั่นแหละอย่างคำที่ให้แก้ไปก็ให้แก้ไปตามเล่ม47เนี่นนะส่วนคำว่าเอวเมสุตังเนี่ยนะเอกังสมัยังพระควาเป็นต้นนี่ก็เหมือนอย่างที่เราเรียนในในอะไร มูลเปรยยสูตรเนี่ยนะเนื้อหาเหมือนกันกับในมูลเปรยยสูตรแต่คําที่น่าศึกษาเป็นพิเศษในเอวเมสุตังเอกังสมยังพักขวานี่อยากจะเรียนคําว่าพักขวาเลยเนี่ยนะก็ศึกษาพุทธคุณหน่อยในตอนเช้ า, นะาเลยนะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบหกเลยนะมาดูคําว่าพักขวาเลยเรียนพุทธคุณโดยศัพท์ก่อนนะคำว่าพักขวาเนี่ยเป็น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 พขวาแปลเป็นไทยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอันคําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี่หูเป็นคําที่เคารพที่สุดเนี่ยนะผู้ที่ชอบใช้คําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยผู้การเนี่ยใช้บ่อยคือไม่ค่อยใช้คําว่าพระพุทธเจ้าแต่นิยมใช้คําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก็บางท่านก็นิยมใช้คําว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหรือว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบางท่านก็ชอบใช้คําว่าพระ แตถาคตแต่ทุกคําก็หมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันคําใดที่จะยังสัทธินรียของเราให้มั่นคงควรใช้คํานั้นนะก็ศรัทธาคําไหนก็ใช้คํานั้นเถอะเพราะทุกคําก็ทรงความหมายหมายถึงพระพู้แต่เจ้าเหมือนกันพี่รุ่งชอบใช้คําไหนพระศาสดานะทางเหนือเขาชอบใช้คําว่าพระเจ้าพระพู้แต่เจ้าภาคเหนือนี่หมายเอ่อคำว่าถ้าทางเหนือเขาใช้คําว่าพระเจ้านะหมายถึง พระพุทธเจ้าทางเหนือจะบอกพร ะ, พระเจ้าหมายถึงพระพุทธเจ้าเพราะนั้นถ้ามาได้ยินคนทางเหนือเขาพูดว่าพระเจ้าอย่าไปตกใจเพราะว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทีนี้คําว่าพักวาเนี่ย น, นในหน้า147ที่กล่าวถึงว่าโดยศัพท์โดยนามโดยชื่อนี้ก็ไม่กล่าวนะแต่ว่าคําว่าพักวานั้นเป็นชื่อที่เกิดจากสัจชิกาบัญญัติบัญญัติที่เกิดจากหลังจากตรัสรู้อริยสัจ สัจชิกาก็คือทำให้แจ้งใช่ไหมทำให้แจ้งอะไรทำที่ควรทำให้แจ้งน่ะนะสัจิกาตะประทรเนี่ยทที่ควรทาให้แจ้งคือพระนิพานกับสามัญญผลตรงนี้เน้นพิเศษคืออรหัตตผลหลังจากที่อรหัตตผลของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็มีชื่อว่าภะควาคำว่าภะควาคำว่าภะควานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้มีภะคะคือมีโชค เพราะทรงเป็นผู้เสพที่สงัดเพราะทรงมีภาคะส่วนที่ควรได้รับจตุปใจหรือมีส่วนแห่งธรรมเพราะทรงเป็นผู้จำแนกธรรมะเพราะได้ทรงทำการหักบาปประทเพราะทรงเป็นครูเพราะทรงมีภาคยะคือบุญเพราะทรงอบรมพระองค์ดีแล้วด้วยยาจะทำเป็นอันมากเพราะเป็นผู้ถึงที่สุดพบเนี่ยนะ คำว่าพักขวาในหน้าหนึ่งร้ยสี่สิบเจ็ดนี่รายละเอียดกว้างขวางดูในวิสุทธิมักนะนะวิสุทธิมันี่ขยายในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเป็นหลักแต่ในคุตกะปาฐเนี่ยนะในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเนี่ยนะมาขยายให้ดูเป็นหกคำหกคำก็คือหนึ่งพักไยวาพัวายุโตพเฮหิจะวิพัตวาพัตวาวันตะคมโนพระเวสุพัวาตะโตหกคำนั่หนึ่ง พระองค์ทรงมีบุญสองทรงหักกิเลสสามทรงประกอบด้วยพระธรรมสี่ทรงจำแนกธรรมห้าทรงเสพธรรมหกทรงคายกิเลสเป็นเหตุไปในภพทั้งหลายได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงทรงขนามว่าพระขวะตรงนี้ขยายหกคำนะหกคำก็ไม่เห็นพิมพ์ก็เขียนเอาก็ได้นะหนึ่งทรงมีบุญสองหักกิเลสสามทรงประกอบด้วยพระธรรมสี่ทรงจำแนกธรรมะ ห้าทรงเสพธรรมะหกคายกิเลสเป็นเหตุไปในภพทั้งหลายได้แล้วทีนี้เกี่ยวกับเรื่องพักวาพักวานี่นะก็ถ้าหลักไวยากรณ์เนี่ยเขามีนิรุติศาสตร์นิรุติศาสตร์ก็มีอยู่หลายอย่างเช่นเพิ่มเออลงอักษรใหม่ย้ายอักษรเป็นต้นเนี่ยนะก็ถ้าใครเรียนบาลีมาแล้วก็คงไม่มีปัญหานะเพราะหลักการบาลีเนี่ยเขามีการเปลี่ยนยักย้ายถ่ายเทเหมือนกับอะไรเหมือนภาษาไทยนะ ถ้าเป็นนักกาบนักกรอนเนี่ยจะรู้ดีใช่ไหมพวกนักกาบนักกรอนนะเขามีการตัดคําหน้าบ้างเหลือแต่คำหลังบ้างเขามีการเปลี่ยนอักษรบ้างเอาภาษาอื่นมาใส่แทนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเพื่อเนื้อหาจะได้สัมผัสสัมพันธ์กันฉันใดก็ดีคําว่าพักวาก็เหมือนกันตามในแห่งนิรุติศาสตร์ก็ลักษณะนี้อย่างเช่นคําว่าพักวานี่น่าจะเรียกว่าภาขยวาน่าจะมาจากคําว่าภาขยวา คือแทนที่จะเรียกว่าภาคยาวาเพราะพระองค์มีภาคยะคือมีพระองค์เนี่ยมีบุญบารมีมีทานศีลเนี่ยขัมมะปัญญาวิริยะเป็นต้นอันยอดเยี่ยมทําให้เกิดความสุขทั้งที่เป็นโลกิยะและโลโ ก, กตระแต่ก็มาเรียกเสี้ยใหม่ว่าพักวานะครับคว่าพักวาในายะแรกมาจากคําว่าภาคยาวาหมายถึงพระองค์เนี่ยย่อๆยยแล้วผู้มี บ, บ, บุญบุญในที่นี้เนี่ยหมายคำว่าผู้ทําบุญเอาไว้มาก บุญที่พระองค์ทำไม่มากมีอะไรทานศีลก็เนคขมมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีสิบอุป ป, ปารมีสิบปรมัทธปารมีสิบมหาบริจาค้าตลอดเวลาสี่อสงไขยเสนกับเนี่ยนะถ้าถ้าทำอย่างนี้นะถ้าทำทีละอันทีละอันให้มันครบนี่ไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่ใช่ไหม ไอ้ที่ยากมากก็คือต้องทําอย่างนี้แล้วสิ้นสี่อสงไขยแสนกับไอ้ฟังตรงนี้แล้วค่อนข้างหนักใจเนี่ยนะแต่ว่าถ้าจะเอามาทีละข้อทีละข้อทีละข้อเนี่ยนะทําไม่น่าจะยากแต่ว่าแหมทนทําตั้งสี่อสงไขยแสนกลับเนี่ยนะอันนี้ยากเนี่ยนะท่านผู้การก็เลยพากราบเลยใช่ไหมเมื่อวานนะเราเลือกถึงส่วนนี้ก็กราบสักทีนึงอันนั้นัก็มาจากคําว่าภาขยาวาวนะภาขยาวาแปลว่าผู้ที่มีบุญเพราะบุญที่พระองค์สั่งสม ทั้งหมดนะบารมีเป็นต้นทั้งสิเนี่ยตลอดระยะเวลา4ีอสงไขยแสนกับทำให้พระองค์ได้รับความสุขทั้งที่ทเป็นโลกิยะและโลกุตระความสุขที่เป็นโลกิยะมีอะไรบ้าง น, นะในบรรดามนุษย์ทั่วไปที่ได้บริโภคอาหารอร่อยที่สุดนี่นะพระพุทธเจ้าเพราะเส้นประสาทรับรถเจ็0พันเส้นนี้ออกมารับหมดเลยแล้วอาหารทุกมื้อเนี่ยเทวดาหยอดโอชาทิพทุกครั้งเนไนะ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 มีการทำน้ำตกเทียมอะไรสมัยพุทธกาลนี่เขาก็ทํากันแลนะให้แบบอยู่ความสุขอย่างสบายเนี่ยนะแล้วก็บุญอันนั้นท่าที่เรียกว่าวัตถุกรรม น, นะทีนี้แบบกรมต่อไปก็แบบรูปปัจจานอรูปปัจานสมาบัติทุกชนิดพระองค์เข้าได้หมดรูปปัจจานอรูปปัจานสมาบัติทุกประเภทจากกรรมฐานทุกชนิดพระองค์สวยความสุขในสมาบัติเหล่านั้นทั้งหมดอันนี้ส่วนที่เป็นโลกยะใช่ไหมส่วนที่เป็นโลกุตระ พละสมาบัติทุกชนิดพระองค์เข้าได้หมดนะนะทละสมาบัติที่เป็นนิโรสมาบัติเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงสุขทั้งที่เป็นโลกิยะสุขทั้งที่เป็นโลกุตระนับแบบโลกโลกพระองค์ก็สุขที่สุดนับแบบโลกุตระพระองค์ก็สุขที่สุดเนีบบบ่ยนะก็เนี่ยเป็นผู้มีบุญจริงๆเพราะทําเหตุเอาไว้มากนะแทนที่จะเรียกคําว่าภาขยวาก็มาเรียกเสียใหม่คําว่าพักวา่าในฐานะผู้มีบุญเนี่ยนะผู้มีบุญ ส่วนที่2เนี่ยพักขวาพักขวานะไม่ใช่พักขวาแต่เรามาเหลือย่อๆเป็นพักขวาใช่ไหมมาจากคําว่าพักฆ่เนี่ยนะคือพอพาเอ่อขออภัยคอควายสองตัวนะแปลว่าพักพักขวาไม่ใช่พักขวาเอาพักขวาเนี่ยเอาคอควายออกไปตัวหนึ่งก็เลยเหลือพักขวาอันนั้นคที่สองกันเดยถ้าถ้าสังเกตเน้นในบาลีเลยนะภาษาบาลีข้างบนเนี่ยนะข้างบนนี่เห็นไหมดําๆเนี่ย ภาคยวาภะควายุโตภะเทหิจวิพัตตวาพัตวาวันตะกขมโนพระเวสุภะควาตโตภะควาเนี่ยคำที่หนึ่งนะอ่ขอภคยวานี่ยหนึ่งสองภะควาสามภะเทหิสี่วิพัตตวาห้าพัตวาหกวันตะกขมโนพระเวสุภะควาอัคำที่หกนะทีนี้คำแรก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 โนต ป, ปะประเภทอะฮิริกะอโนต ป, ปะอันนี้ก็อะไรโล ก, กวินาทถ้าเป็นฮิริโอต ป, ปะเขาเรียกว่าโล ก, กธระทำยังเอออะไรนะเทวธรรมยังไหมหรือว่าโลกกปานลธรรมธรรมที่รักษาโลกฮิริโอต ป, ปะแต่ถ้าอะฮิริกะอโนต ป, ปะเนี่หมายความว่าโล ก, กวินาท น, น, นะนะตัวที่ทําให้โลกชิบหายพินาทโลกไหน<ล>คิดดูนะมนุษย์เนี่ยดีๆเนะี่ยมันเป็นเดราชานได้อะพินาทขนาดนั้นนะ ตกนรกก็ได้อหฮีริกะอนโนตปะเป็นต้นเหตุมันทำให้ชีวิตพี่นาบสั์โลกนี่พี่นาบเพราะอาหฮีริกากับอนโนตปะโกธอุปนาหะความโกรธความผูกโกรธเนี่ยนะมัคขะความมัคขะอะไรดูมินใช่ไหมลบเอ่อลบหลูป拉ะาาก็ดูมินนะลบหลูดูมินเขาจะมาคู่กันอิสามัชชรยะริษยากับขี้เหนียวเนี่ยมาคู่กันนะมายากับสาไถยก็คู่กัน ถ้ำพระถือตัวสารัมพระแข่งดีก็คู่กันมานะเย่อหญิงใช่อติมานะดูหมิ่นคนอื่นก็มาคู่กันมทะเมาประมาทะประมาทวันนี้ก็จับคู่กันคู่กันนะแต่ถ้าตั้งแต่พวกโกธะอุปนาหะเป็นต้นนี้เขาเรียกว่าอุปกิเลสนะี่ยอุปกิเลสตัวที่ทำให้จิตเศร้าหมองสิบหกอย่างต่อไปก็มูลของวาตานะคืออวิชากับตัณหา ปัญหากาวิชานี้เรียกว่าเป็นกลุ่มมูลของวะตะัตถะนนี้หมวดสองก็ผ่านไปนะทีนี้มาขึ้นหมวดสามก็คืออกุศลมูลสามทุจริตสามสังกิเลศสามสังกิเลศสามมีอะไรตัญหาทิ่เิทุจริตมละมละคือมนทินสามก็อะไรราคาโทสะโมหะวิสมะความไม่สม่ำเสมอสามไม่สม่ำเสมอทางกายวาจาและใจสัญญาสาม ก็อกุศลสัญญานะเช่นกามมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาวิตกสามก็กามมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกสามปปัญจะทรสามเครื่องเนื่อนช้าก็คือตันหามานะกับทิฐิประเภทวิปริเยสะสี่ก็คือเนี่ยวิปลาสแสวงหาว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่าอตาอานะการสแสวงหาที่ไม่ดีนะก็คือวิปลาสสีนั่นเองอาสวะสี่ ามาสวะพวาสวะทิฐาสวะอวิชชาสวะขันธะสี่ก็อภิชากายคันธะพยาปาทากายคันธะศธะีลพัตะปรามาสกายขันธะอีทางสัจจารินิเวสกายคันธะโอคาสีก็กามโมคะพวคะทิถโถขคะอวิโชคะโยคาสีก็เหมือนกันอัคติสี่ก็ฉันทาคติโทสาคติพยาคติโมหาคติแม่เนะี่ยไม่ใช่หนึ่งนะ ชันทาคติสองโทสาคติสามโมหาคติสี่พยาคติตันหูปาทานนี่หมายคือว่าตันหาบวกอุปาทะตันหูปาทะที่เกิดของตันหาหรือตันหาถ้าจะเกิดเกิดในวัตถุสี่หนึ่งผ้าสองอาหารสามที่อยู่สี่ยาแปลว่าตันหาเมื่อเกิดน่เกิดในปัจจัยสี่เหมือนกันเถอะที่เกิดของตันหาคือปัจจัยสี่เจโตคีรธรรมเนี่ยธนระรมที่เป็นเครื่อง เป็นตะปูตรึงใจนี่มีห้าอย่างหนึ่งสงสัยในพระพุทธสองสงสัยในพระธรรมสามสงสัยในพระสงฆ์สี่สงสัยในศีขาห้าโกรธเพื่อนสหพรหมจันทร์ส่วนวินิพันธะเนี่นะเครื่องตรึงเอ่อเครื่องผูกพันทางใจเช่นยินดีในกามในกายในรูปอันะแรกนะยินดีในกามข้อสองยินดีในกายสามยินดีในรูปสี่ชอบหลับห้าอยากเป็นเทวดา อันนั้นี้เรียกว่าเครื่องผูกพันทางใจะนะ mm hmm. ก็ดูนะว่าแต่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเดี๋ยวก็ถึงเวลาอาหารละ mm hmm. ในนะอะไรหนึ่งวินิพันธะเสี้ห้านะั่นหนึ่งในกามสองในกายสามในรูปสี่ชอบหลับห้าอยากเป็นเทวดาหมายคก็ว่าทําบุญทุกอย่างขอให้เป็นเทวดานะตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเทวดาอย่างเดียวพวกนี้ผูกพันนะไม่ให้บรรลุมรรคผลหรอก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 ก็มีที่อื่นๆนะนายเช่นในโกสัมพีสูตรก็ได้แสดงไหมส่วนตันหากายหกก็ตันหากายะตัวนั้นแต่ว่ากองเลยนะตันหาเป็นกองกองเลยแหละชอบในหนึ่งชอบรูปสองชอบเสียงสามชอบกลิ่นก็ชอบอารมณ์หกนั่นแหละมันชอบเป็นกองกองเลยนะเช่นถ้ามันชอบสีนะมันไม่ชอบสีเดียวนะมันชอบสีขาสีเหลืองสีดําสีแดงสีผสมอู้ชอบสารพัสสีเพราะฉะนั้นมันเป็นกองกองเลยนะ ส่วนประเภทอนุสัยเจก็การมราคาอนุสัยเป็นต้นมิชะตะ8ก็คือมิชามะแป8ตันหาเป็นมูล9ก็คืออาศัยตันหาทำให้เกิดการสแสวงหาพอสแสวงหาก็เกิดการได้เป็นต้นตามนิฐานสูตรอกุสลกรรมบท10ทิฏฐิ62แบ่งเป็นอดีต18อนาคต44ตันหาวิปริตร้อวิจริตนะวิจริต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 บุคคลอันตรายนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องระวังเข้าไว้อย่าไปปล่อยกายปล่อยใจไปซะหมดนี่เดี๋ยวจะลําบากเดี๋ยวจะเดือดร้อนไม่เหมือนพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยปล่อยใจไปเถอะเนี่ยนะน้อมใจด้วยศรัทธาไปเถอะโป้งไม่หลอกเราหรอกแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปนะก็ระวังให้ดีเพราะเป็นวัตถุอันตรายนีภายนอกกับภายในอนะันไหนมันอันตรายกว่ากั น, นก็เอาเหอะมันใจของเราเนี่ยก็สังเกตดูเอ๊ะมันจะอันตรายแล้วนะเนี่ย นั่นก็เลยกล่าวว่าพระองค์นี้ทรงหักราค่าหากักโทสะหกักโมหะไม่มีอาสาวะทรงหกักบาปธรรมได้แล้วด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าพระวาส่วนพระวาอีกอย่างอื่นนี่ก็คงเป็นภาคบายนะเชิญพานเพราะว่าภาคนี้ก็สมควรแก็เวลาเนี่ยนะก <Hej> ็เข้าเรียนช้าก็เป็นอย่างนี้แหละเรียนได้หน่อยก็หมดเวลา คงมาเข้าม ง, มงคลต่อนะคื อ, อยังอยู่ในรายการมงคลแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะได้กล่าวมงคลนี่ก็เรียนถึงพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายพระองค์ผู้ตรัสมงคลทั้งส8มสิคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราสวดบ่อยมาก mm hmm. เช่นตั้งนโมตสสะพักวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะก็คำว่าพักวะโตใช่ไหม ตั้งหน้าโมก็มีคําว่าพักะวะโตอยู่ด้วยอรหังสัมมาสัมพุทโธพักวะก็พักะวะโตอยู่ด้วยนะนะอิติปิโสพักวาก็พักวาอีกนั้นคําว่าพักวาก็นับว่าเป็นคําที่มีใช้มากในพระไตรปิฎกมากกว่าคําอื่นๆทั้งหมดเลยนะนะดีไม่ดีคําว่าพักวาใช้มากกว่าคําว่าพุทโธซะอีกนยะนะั้นคําว่าพักวานั้นถ้าเรา เรียนฟังเข้าใจระลึกทรงจําเอาไว้ได้เมื่อใดที่เราได้ยินคําว่าพักวาก็จะทําให้เกิดปีติและโสมนัสได้ทีนี้ปีติโสมนัสนั้นตามพ่อชองนี้กล่าวว่าเป็นปีติสามพ่อชองไหมปีติโสมนัสโดยที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยก็นับว่าเป็นปีติที่จะช่วยให้ตรัสรู้ได้นะปีติอันนี้ไม่ใช่เป็นปีติที่น่ารังเกียจอะไร แต่เป็นธรรมที่ควรเจริญแต่อย่าไปติดในปีติที่มันดับไปแล้วทำปีติให้เกิดใหม่ๆบ่อยๆเป็นสิ่งที่ดีแต่การอาลัยอาวร์ในปีติที่มันหมดไปแล้วไม่ดีคงแยกได้นะเพราะปีติที่มันหมดไปแล้วมันก็หมดไปแล้วสาระที่สำคัญที่สุดก็คือทำอย่างไรปีติจะใหม่ๆจะเกิดขึ้นเปรียบเหมือนว่าคนที่รับประทานอาหารจนอิ่ม ไอความการอิ่มนี้เป็นเรื่องดีใช่ไหมแต่ทีนี้หมายคําว่าไม่ใช่ว่านั่งคิดถึงเมื่อวานนี้เราเคยอิ่มเมื่อวานก่อนเราเคยอิ่มแต่ตอนนี้หิวไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถือเอาความอิ่มใหม่ๆเป็นปริมาณฉันใดผู้ที่เจริญปีติก็ลักษณะเดียวกันทําอย่างไรเนอะปีติใหม่ๆจึงจะเกิดขึ้นนะเอาปีตินะถือสาระสําคัญเอาปีติที่กําลังเกิดตอนนี้เป็น เอาเป็นประมาณสำคัญที่สุดไม่ใช่เอาปีติที่มันดับไปแล้วเพราะปีติที่ดับไปแล้วก็หมดไปแล้วชันใดก็ดีกุศลธรรมอื่นๆก็เหมือนกันที่ดับไปแล้วหมดไปแล้วก็คือหมดไปแล้วถ้าหากว่าขันทั้งหลายที่ดับไปแล้วหมดไปแล้วไม่ใช่พาเวตาปรธรรมแยกออกนะศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญากุศลธรรมทั้งมวลที่ดับไปแล้วไม่ใช่ภาเวตปรธรรม แต่เป็นทรรอะไรเป็นปริญยญาธรรมเป็นปริญยญาธรรมเป็นธรรมที่เราเข้าไปพิจารณารอบรู้เพราะเราไม่สามารถเอาธรรมะที่ดับไปแล้วมาเจริญเอาตัวนั้นะมาเกิดอีกไม่ได้นี่เพียงแต่ว่าที่สําคัญก็คือหาเหตุหาปัจจัยให้โกสุลธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้ น, นนะเพราะฉะนั้นปริมาณของการเจริญโกสุลธรรมทั้งหลายมีแต่การเจริญเพิ่มขึ้นเพิ่ ม, มขึ้นมากขึ้น ไม่ใช่นั่งละห้อยหาไยหาเพอ้อหาในสิ่งที่มันดับไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันจะต่างจากการระลึกถึงกุศลที่เคยเกิดที่เรียกว่าเช่นจารคานุสติระลึกถึงจารค่าที่เคยให้กับอาไลาอาวอนในตัวจารค่าเจตนานั้นก็ต่างกันเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีถ้าราคะเข้าไปติดไปค้องในอารมณ์ สำคัญอารมณ์นั้นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเป็นต้นนะัะแต่ถ้าเป็นกุศลก็ปรารวา่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษนะเป็นสิ่งที่ให้ผลเป็นความสุขเป็นสิ่งที่ควรเจริญทําฉนะกุศลเหล่านั้นจึงจะได้เกิดอีกจะได้เกิดมากจะได้เกิดบ่อยๆเอาเอ า, เอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์นี่มาขึ้นคําว่าพักวารนะเมื่อเช้าได้สองในแล้วใช่ไหมในแรกภ า, า, าขยยวาหมายถึง ผู้มีบุญเนี่ยนะผู้แปลว่าผู้มีบารมีต้นเหตุคือบารมีทําให้พระองค์ได้รับความสุขทั้งที่ทเป็นโลกยะและโลกุตระในที่สองพัวา น, น, นพะพคะหมายถึงว่าพคะและก็วาพักขว่าตัวนี้หมายถึงพระองค์กําจัดกิเลสนับแสนประเภทถ้าจะว่าแบบย่อๆก็คือกําจัดมารห้ากําจัดมารห้าเนี่ยนะ เราจะได้ยินคําหนึ่งว่าสมเด็จ พ, พระชินวรชินวรวร์นี่ก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละชินะเนี่ยนะแปลว่าชนะวระประเสริฐมันผู้ชนะอย่างประเสริฐก็คือชนะมารทั้งห้ากิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารมัจจุมารเทวปุตตมารที่น่าคิดอย่างหนึ่งว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่ชนะมัจจุมานี่ชนะอย่างไรเพราะพระองค์ก็ตายไปแล้วอะ่ะพูดแบบภาษาไทยเลยนะ พระพุทธเจ้าก็ตายไปแล้วที่บอกว่าชนะมัจจุมานแปลว่าเลิกเกิดเนี่ยนะเมื่อหมดเกิดก็หมดตายเพราะนที่ตายเนี่ยเพราะเป็นผลของการเกิดก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ทำลายความเกิดก็เลยยังมีความตายพอทำลายความเกิดเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่ตายตอนที่สังขารทั้งหลายมันน่าปรารถนาเราก็บอกแหมไม่อยากจะาจากไม่อยากจะทนไม่อยากจะผ่าน อยากจะขอติดข อ, อ, ข อ, อกเกี่ยวขอเกาะอยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปแต่ถามว่าเป็นไปได้ไห ม, ไมไเป็นไปไม่ได้เมื่อสังขารทั้งหลายมันเป็นเช่นนี้ควรแล้วเราที่จะตัดใจก่อนที่สังขารทั้งหลายจะแปรไปถ้ารอให้สังขารแปรไปก่อนแล้วค่อยตัดใจเนี่ยนะอันนี้ตัดด้วยโทมนัสใช่ไหมแต่ถ้าสังขารทั้งหลายยังไม่แปรไปยังไม่หมดไปแต่ถ้าตัดใจได้เป็นความสุข แต่ถ้ารอให้สังขารอันนั้นมันแปรไปอ่ะนะหมามันไม่อยากจะตัดอ่ะนะมันมีแต่ละห้อยทุกโธมัมนัตทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นดังนั้นกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะที่เราควรปรารบควรสมาทานตอนนี้ให้ยิ่งยวดให้ยิ่งขึ้นขึ้นไปถ้าเราเจริญกุศลไว้น้อยไม่เพียงพอที่จะนําออกจากทุกเนี่ยนะเราจะเดือดร้อนเพราะวตาทั้งหลายเนี่ยนะแรกๆกก็ดีสังขารทั้งหลายในวัตานะ ตอนแรกก็ดีแต่ถ้ามันมีปัญหาขึ้นหลยๆสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมในที่สุดสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัญหาทุกเรื่องถ้าจับสติสังขารทุกชนิดมานะเป็นอย่างนั้นหมดเลยแรกๆก็นึกว่ามันไม่มีอะไรไอ้ที่ไม่มีอะไรแล้วมันจะเริ่มมีอย่างเช่นตาของเราเนี่ยนะเราไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยในที่สุดก็มีอีกจนได้หูเราเราก็ว่ามันไม่มีปัญหา ก็ได้ยินเสียงอะนะเดี๋ยวก็มีอีกจนได้จมูกเราก็ว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมก็หายใจอยู่คล่องๆก็เลยลืมไปเพลินไปอีกพักหนึ่งชักจะหายใจไม่ค่อยออกก็มีปัญหาอีกจนได้อัน น, นวารปากแม้กระทั่งลิ้นหรือฟันเราก็นึกว่ามันไม่มีปัญหาในที่สุดมีจนได้ร่างกายของเราไล่ไปเถอะตั้งแต่ผมจดเล็บนั่นแหละไล่ขึ้นไล่ลงเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีปัญหาแต่บางช่วง ปัจจัยมันยังพร้อมกรรมพร้อมจิตพร้อมอุตรพร้อมอหารพร้อมปัจจัยมันพร้อมมันเลยยังไม่มีปัญหาแต่พอมันหมดเหตุหมดปัจจัยอันใดอันหนึ่งเอาอีกล้ใจของเราก็เหมือนกันนะตอนที่มันได้ปัจจัยคือโสมนัตเวทนาเกิดขึ้นเราก็ว่ามันดีนะดีเหลือเกินความคิดของเราไม่มีอะไรทุกข์ไม่มีอะไรทรมานมีแต่ความสุขมีแต่ความหวานชื่นพอได้ปัจจัยอีกอันหนึ่งเข้ามา โทมนัตก็เกิดขึ้นโทมานัตมันก็เกิดขึ้นเพราะใจเนี่ยเปลี่ยนเวทนาไปเรื่อยใช่ไหมบางครั้งก็โสมานัตบางครั้งก็โทมนัตนี่ในโลกของความคิดจิตใจจริงๆเป็นไปกับโทมนัตมากกว่าโสมานัตทีนี้ขณะที่โสมานัตเกิดก็เป็นโสมานัตที่เกิดพร้อมกับความหวังไม่ใช่โสมานัตที่เกิดพร้อมกับความสมหวังท่านอยู่ในโลกของความหวังซะส่วนใหญ่หวังว่าหวังว่าอะไร เราหวังอะไรนั่นแหละที่เราหวังอะไรพระก็หวังอย่างหนึ่งโยก็หวังอย่างหนึ่งอะไรไม่หวังไเหมือนกันหรอกนะถ้าหวังสังขารทั้งหลายเนี่ยก็หวังความทุกข์กันนะแต่ว่าสังขารทั้งหลายที่หวังแล้วเนี่ยเมื่อสมหวังแล้วจะเลิกทุกข์ทั้งมวลสังขารอันนั้นคืออารยมร์นะเป็นสังขารที่ไม่มีโทษโดยประการทั้งปวงอารยมร์ถ้าประชุมพร้อมแล้วถ้าสิ้นหวังแล้วอย่างนั้นก็สบายแล้วนะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนี่ก็ลำบากมา ทบทวนมาว่าพระองค์นิชนะไอตัวกิเลสมารที่เป็นต้นเหตุแห่งอภิสังขารมานกิเลสมารเนี่ยนะเป็นสมุทัยของอภิสังขารอภิสังขารเนี่ยเป็นตัวกรรมทีนี้ถ้ากิเลสเกิดอภิสังขารเกิดขันธมานก็เกิดพอขันธมานเกิดเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุมาทีนี้เทวปุตตมานก็ระราน อนนเราก็ละถ้าเขามีขันห้าเราก็ระรานเข้าบ้างใช่ไหมเรามีขันเขาก็ระรานเราบ้งางระรานกันไประรานกันมาก็เลยอยู่อย่างนี้แหละไม่รู้ว่าใครเป็นมารของใครนะเดี๋ยวเรียนมงคลข้อแรกแล้วจะรู้ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นปลาประมิทของใครกันแน่ทีนี้มาดูพระเคหะพระเคหะที่แปลว่าทรงประกอบด้วยพระค้าธรรมในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าย่อหน้าล่าง กนะลางกลางกล่าวว่าก็แลความถึงพร้อมแห่งพระรูปปากายของพระองค์ผู้ทรงไว้ซึ่งพระบุ ญ, ญลักษณะนับร้อยอันท่านแสดงด้วยความที่ทรงมีภาขยะคือบุญความถึงพร้อมแห่งพระธรรมกายเป็นอันท่านแสดงแลอ่เป็นอันเป็นอันท่านแสดงด้วยความที่ทรงหัดโทสะได้แล้วถ้าแบ่งออกว่าแบ่งออกสองส่วนคือรูปปาการกับธรรมกายหรือนามกาย รูปปัจจัยเนี่ยพระองค์นี้ประดับด้วยอะไรมหาปริสลักษณะสามสิบสองอนุพยัญชนะแปดสิบทีนี้ในแล้วก็มีรัศมีออกมาอีกใช่ไหมมหาปริสลักษณะสาสิบสองอนุพยัญชนะแปดสิบมีรัศมีออกมาอีกอันนี้ในส่วนของรูปปัจจัยท่านท่านบอกว่าเป็นที่โคจรแห่งสายตาของชาวโลกเป็นอเนกเข้าดูเป็นรูปที่ดูแล้วไม่เบื่อคือรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยก่อนเนี่ยนะสมัยที่พระองค์มีพระชนอยู่พระพิสูจน์ทั้งหลายติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูแล้วก็ไม่อิ่มไม่รู้จักเบเื่อนะนะก็ดูไปดูไม่ใช่ดูแต่รูปปะเพราะว่าเห็นรูปประกายแล้วก็ดูนามกายด้วยแล้วลึกถึงธรรมะที่มีอยู่ในพระองค์มีส่วนไหนบ้างถ้าเราดูรู ป, ปรกายของพระองค์แล้วเราถ้าเราลองคิดถึงนามกายของพระองค์ว่ารูปส่วนใดบั่งที่พระองค์ไม่พิจารณา รูปประกายในร่างกายของพระองค์พิจารณาหมดแล้วนะพิจารณาหมดแล้วโดยแง่มุมต่างๆด้วยความรอบรู้จริงๆมีอะไรบั่งที่พระองค์ตามเห็นโดยความเป็นของเที่ยงในร่างกายของพระองค์มีไหมไม่มีตามเห็นโดยความเป็นสุขก็ไม่มีตามเห็นโดยความเป็นอาตาัตตก็ไม่มีนั้นพระองค์เป็นผู้ที่รอบรู้ในอุปาทานขันท่าปกติทั้งหลายบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะ ที่มีรูปปัจจัยที่งดงามเพียบพร้อมดุจอรมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีมานะไม่มีรอกแต่พระองค์ไม่มีพระองค์เป็นผู้ไม่มีมานะในท่ามกลางหมู่สัตว์ผู้มากไปด้วยนั้นถึงจะมีอะไรเพียบพร้อมทุกอย่างพระองค์ก็ไม่มีมานะเลยเนี่ยนะนั้นพระองค์ก็รูปปัจยของพระองค์นี้ก็ชั้นเยี่ยมที่นี้นา ม, มากายของพระองค์ละ่ะมากไปด้วยศรัทธา มากไปด้วยหิริโอตปะมากไปด้วยจาคะมากไปด้วยปัญญามากไปด้วยสติปทานสามารถปรทานอิทธิบาทเป็นต้นเนี่ยนะคุณธรรมโดยประการทั้งปวงล้วนแต่มีในานามากายของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นฌานสมาบัติฌานสมาบัติในไหนก็เกิดขึ้นในจิตของพระองค์ความเป็นผู้ที่ชาวโลกและคนใกล้เคียงนับถือมากก็ดีความเป็นผู้ที่เครหัดและบรนปรชิตทั้งหลายไปมาหาสู่ก็ดี ความเป็นผู้สามารถในอันช่วยขจัดทุกกายและ ท, ทุกใจแก่ผู้ไปมาหาสุกก็ดีความเป็นผู้ทำอุปการะเขาด้วยอมิสทานและธรรมทานก็ดีความเป็นผู้สามารถในอันประกอบเขาไว้ด้วยโลกิยาสุกและโลกุตระสุกก็ดีก็เป็นอันท่านแสดงด้วยพระคุณทั้งสองอย่างนั้นคือเพราะพระคุณสองประการเนี่ยนะคุณสองอย่างคืออะไร รู ป, ปากายกับนามากายความบริบูรณ์ทั้งรูปร่างกายและก็คุณธรรมทางจิตใจทำให้เป็นที่เคารพนับถือของชาวโลกโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเค ร, รือขับรนประชิตเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไปมาหาสู่พระองค์โดยไม่ขาดผู้ประสงค์จะดูรูปก็ไปดูรูปผู้ประสงค์จะเห็นคุณธรรมต่างๆก็เข้าไปเฝ้า บางท่านก็เอาไปเอาทั้งสองประการเพราะฉะนั้นพระองค์เอ่อเป็นเป็นที่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมของผู้ที่หลั่งไหลไปหาสมัยพระองค์มีพระชนอยู่ใช่ไหมเทวดามาจากจักรวาลเป็นอเนกเพื่อเฝ้าพระองค์นะเป็นที่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้พระองค์เสด็จไปที่ใดเนี่ยนะแม้เป็นรอยโยศเขาก็หอบสเสบียงทางไปเพื่อจะไปดูพระพุทธเจ้า อย่างในยุคนี้แม้แต่ยังเหลือเป็นพระเจดีย์เป็นพระบรมสารีริกธาตุคนก็ยังติดตามไปเนี่ยนะของเรานี่ก็ตามไปนะนี่ถ้าหากว่ามีพระธาตุรู้ว่าอยู่ที่ไหนพอจะไปได้จะติดตามไปอีกเมื่อเช้านี้อาจารย์สันติก็ยังได้ไปอีกที่หนึ่งนะแสดงว่าไม่ให้ขาดแม้แต่วันเดียวนะเราดูว่าพรุ่งนี้จะไปไหนต่อก็แสดงว่าพระถ้ารู้ว่าพระบรมสารีริกธาตุอยู่ที่ไหนเราทั้งหลายก็เที่ยวโคจรไปเพื่อจะไปกราบไปไหว้ สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระเกษาก็ไปเป็นโลมาคือขนก็ไปเป็นฟันก็จะไปพระเขี้ยวแก้วนี่อยากเห็นมากเลยนะแม้แต่ฟันก็อยากเห็นพระอติธาตขอให้รู้เถอะว่าเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็จะไปท่านเป็นที่เรียกว่าเป็นที่โคโจรของสัตว์ทั้งหลายเป็นอ่าเป็นที่รองรับสัทินีของสัตว์ทั้งหลายจริงๆเป็นที่รองรับความเคารพของ สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทางรองรับความเคารพทางกายรองรับความเคารพทางวาจารองรับความเคารพทางใจนั้นทุกคนก็ไปมาไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจากดินแดนต่างๆโคจรไปที่นี้บางคนเนี่ยเป็นที่ให้คนไปหาแต่ช่วยอะไรคนอื่นไม่ได้พระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นพระองค์นี้ผู้ใดมาหาพระองค์พระองค์ช่วยเขาได้หมด อันนะช่วยเขาได้จริงๆนนะแค่เขาเห็นพระพุทธเจ้ามองด้วยจิตที่เลื่อมใสเดี๋ยวเรียนการเห็นส ม, มณะก็เป็นมงคลนนะแค่เห็นไม่เห็นเอ่อเห็นด้วยจิตที่เรียกว่ามีเมตตาเนี่ยนะไม่คิดประทุษร้ายในในผู้ที่มีรูปเช่นนี้อันนั้นใจแห่งความสุขทั้งหลายพระองค์สา ม, มารถที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เหล่าสัตว์ทั้งหลายผู้ไปหา พระองค์ขจัดภัยให้เข้าได้จริงๆก็หลายท่านไปไหว้พระพุทธเจ้ากลับมาเนี่ยนะได้ความทุกข์ใจกลับมาไหมเพราะไหว้พระพุทธเจ้ามีไหมไม่มีขจัดความทุกข์ทางใจให้ก่อนแต่ขจัดทางร่างกายเนี่ยนะก็บางทีเราไปปัทุสลายร่างกายของเราเองเลยให้ตามขาจัดทุกเรื่องได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มันเกิดบางส่วนก็เกิดจากประโยค้าวิบัติเอาเองนะ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปกราบพระพุทธเจ้ากลับมาแล้วก็แข็งแรงหมดไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าส่วนของรูปประคันสมุทฐานสี่ประการแต่ว่าส่วนใดที่มีกุศลจิตเป็นสมุทฐานานะรูปใดที่มีกุศลจิตเป็นสมุทฐานรูปนั้นเป็นรูปอย่างดีมันพระองค์ก็ช่วยได้ในส่วนนั้นแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะพระองค์เมื่อช่วยเราทั้งหลายก็คือช่วยให้เราเข้าถึงธรรมะนั่นเองเอนะ ธรรมะที่พ้นจากความทุกข์คำว่าพ้นจากทุกกายเนี่ยนะถ้าจะให้พ้นจริงๆต้องไม่มีกายจึงจะพ้นจริงๆถ้ายังมีกายอยู่อย่าคิดเลยว่าจะพ้นจากความทุกข์เพราะกายทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งสุขากายยวิญญาณและทุกขากายยวิญญาณถ้าได้โพธพารลมที่หน้าปราถนาสุขากายยวิญญาณก็เกิดแล้วโพธพารมน่าปราถนาเสมอไปไหม มหาพูดก็คือมหาพูดวันยังคำ่ำอ น, นะมหาพูดจะไม่น่าปรารถนาเสมอไปนะมหาพูดทั้งหลายก็ก็คือมหาผีนั่นแหละสาธุคอยมองรอบๆแล้วก็มองกลับมาภายในดูกระจกทีไรก็มหาพูดนะอ่นะนะดูก่อนมหาพูดฉันจะขอแต่งกันอีกสักพักเดียวนะนะหลังจากนั้นฉันก็ไม่สนใจกันแล้วเหมืนันนะขอให้ส่งกระจกเมื่อไหร่ก็มหาพูดแต่งตัวเมื่อไหร่เออแต่งมหาพูดอีกแล้ว มหาพูดนี้พระองค์ประมาเหมือนอะไรนะอสรพิษนะอสรพิษสี่ตัวสําหรับผู้ที่ไปมาหาสู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยมีอุปการะต่อเขาด้วยอมิสทานกับธรรมทานคิดดูนะใครจะเลี้ยงลูกได้เท่าพระพุทธเจ้าถ้าเราคิดแบบธรรมดา ท, ทั่วไปนะถ้าอ้างในนาำพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ค่อยเดือดร้อนนะ ใครก็ตามเนี่ยลูกแพคลูกเทียงไม่รู้แหละถ้าอ้างในนามพระพุทธเจ้านี่ไม่เดือดร้อนในอามิตรนะฮะพระองค์นีสงเคราะห์อามิตรเขาก็มีมีผู้ผู้ที่มีทรัพย์สินมากๆเนี่ยนะถ้าเทียบแบบแบบทั่วๆไปนะพุทธบริษัทร์นี่มีทรัพย์ค่อนข้างมากจริงๆนะเช่นพระพิสุอยู่กันแค่สองสามรูปใช่โบสถ์นี่ราคาเท่าไหรนะ่นะนะใช้พื้นที่กว้างกว่าเพื่อนอีกนะนะ ซาลาก็หลังใหญ่เช็ดก็ไม่ค่อยหวาดค่อยไหวแล้วนะอัอามิสถานเนี่ยมีมากเหลือเกินที่ได้รับจากพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่ต้องการพระองค์อยากให้รับธรรมทานมากกว่าเพราะอามิสถานนี่สร้างปัญหาความทุกข์ใจให้ในภายหลังแต่อามิสทานเอ่อต่อไปแต่ธรรมทานไม่เป็นเช่นนั้นนั้นพระองค์จึงประสงค์ให้พุทธบริษัต ร, รับธรรมทานเนี่ยนะ อย่าได้พระองค์อยากให้เราทั้งหลายเป็นธรรมธายาตไม่ต้องการให้เป็นอมิสธายาตถ้าเป็นอมิสธายาตเนี่ยนะก็เคยมีผู้ถามว่าเอ๊ะพระองค์ในรังเกียจสัพพะสัตทั้งหลายหรืออย่างไรจึงไม่ต้องการให้สรรัตว์ทั้งหลายรับอมิสก็บอกว่าถ้าติดใจในภาคควรจะเกิดที่ไหนนะก็เกิดแถวแถวผานะถ้าติดใจในอาหารควรจะเกิดที่ไหน ถ้าติดติดข้องในที่อยู่ที่อาศัยควรจะเกิดที่ไหนถ้าเกิดติดใจในพระธรรมแล้วควรเกิดที่ไหนอ่ะอนถ้าติดใจในพระธรรมดับทุกได้อะนถ้ายินดีในนิพพานเนี่ยนะถ้ายินดีในนิพพานก็ดับทุ ก, กจริงๆเพราะนั้นพระองค์บอกให้เราของมันมีโทษมันเหมือนดีในตอนต้นแต่ว่าเสียหายในตอนปลาย แสดงว่าพระองค์นี่หวังดีต่อเราจริงจริงใช่ไหมนะซึ่งต่างจากผู้ที่เลี้ยงสุราเลี้ยงสุราเราเนี่ยไม่หวังดีต่อเราจริงๆริงนะก็สนุกในตอนแรกใช่ไหมแล้วผลพิษ ผ, ผ, ผลของสุราเป็นยังไงนะของพระพุทธเจ้านี่แนะนําให้เรานี่มีความสุขตลอดไปทีนี้พระองค์นั้นสา ม, มารถประกอบสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ในโลกีสุขและโลกุตระสุขมันผลของการนับถือและปฏิบัติตามพระองค์นเนี่ยนะ มนุษย์สมบัติก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมการเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาถ้าปฏิบัติได้ชั้นสูงเกิดเป็นพรหมหรือดับขันปรินิพานก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นสามารถให้เราทั้งหลายอยู่ประดมรงอยู่ในโลปิยะุขและโลกุตระุขความทุกข์ทั้งมวลที่เราทุกข์ทั้งหลายให้เชื่อเถอะว่านั่นไม่ได้เกิดจากการทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่โดยมากเกิดจากการที่เราไปเชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่ประกอบเราเอาไว้ในทุกเลยอีกในหนึ่งคำว่าภะเเคหิเนี่ยนะภคศัพเนี่ยในโลกก็เป็นไปในธรรมะหกอย่างหกอย่างคือหนึ่งอิสริยะสองธรรมะสามย a ะสี่สิริห้าตามมะหกปะยะตะัตตาอธิบายตามลำดับหข้อว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีอิสริยะ ความเป็นใหญ่ในจิตของพระองค์เองอย่างเยี่ยมอะ น, นะกล่าว่าคนเป็นผู้ที่มีอํานาจในจิตของตัวเองจริงๆพระองค์เนี่ยประสงค์จะคิดอะไรก็คิดได้ประสงค์จะนิ่งแบบไม่ต้องคิดเลยก็ได้พระองค์ประสงค์จะคิดขนาดไหนก็ได้อะนะกล่าวว่ามีอํานาจเหนะือความคิดเหมงอนกันเถอะแล้วแต่จะน้อมไปเนี่ยนะน้อมไปให้เรียกว่าเข้าชานโดยที่ไม่ต้องมีวิตกวิจารณ์พระองค์ก็ทําได้ มีความสามารถน้อมจริงๆน้อมไปแสดงย ม, มะกะปาฏิหาริสลับความคิดให้มันรวดเร็วว่องไวขนาดไหนทําได้หมดเลยหรือทรงมีอิสริยะสมบูรณ์โดยอาการทุกอย่างที่สมมติว่าเป็นโลกิยะมีอนิมาทําตัวให้เล็กย่อส่วนลังคิมาทําตัวให้เบาเป็นต้นเนะี่ยมีอิสระทั้งในรูปของความคิดและในเรื่องของร่างกายเรียกว่าใช้อานาจทางกายไปถึงพรหมโลกได้ อนายฮพระองค์จากพระเชตวันเข้าถึงพรหมโลกเหมือนกับคู่แขนกับเหยียดแขนคู่เหยียดเนี่ยนะคนมีกำลังนะบุรุษผู้มีเรี่ยวมีแรงเนี่ยคู่เข้ากับเหยียดออกไม่ใช่ปัญหาฉันใดพระองค์ใ้สามารถทำได้ทุกอย่างฉันนั้นนั้นมีอนุภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจในส่วนของจิตตชรูปนะแต่ในส่วนของกรรมมชรูปจะไปทำอะไรเนี่ยนีในส่วนรูปมันมีสีสมุทฐานใช่ไม กรรมจิตอุตุและอาหารรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานพระองค์เยี่ยมอุตุเป็นสมุทฐานก็นับว่าดีอาหารสมุทฐานก็อย่างดีแต่ว่ากรรมมาสมุทฐานเนี่ยนะไม่มีอะไรที่จะมีกําลังเท่ากับกรรมกรรมนี่มีกําลังจริงๆรินะบุญก็ให้ผลอย่างมีกําลังใช่ไหมพระองค์ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะกําลังแห่งบุญในขณะเดียวกันถ้ายังอยู่ในวัดตากก็ยังว่านะที่จะไม่เปื้อนบาปนี้ไหมมันก็ได้เกี่ยวข้องนี่นหละ เพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสังขารธรรมทั้งหลายที่จะไม่ทำบาปหายากนักเพราะว่าสังขารทั้งหลายเป็นที่โคจรแห่งอะไรเป็นที่โคจรแห่งมารเนี่ยนะโดยเฉพาะกิเลสมารทั้งหลายมันเป็นดินแดนของเขาจริงๆอะ่ะทรงมีโลกุตรรธรรมก็เหมือนกั น, นคือพระองค์นี้ก็มีอำนาจในโลกุตรธรรมนะพระองค์ประสงค์จะเข้าพระะสมาบัติก็ ก็เข้าได้จะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้อย่างในอัตถคถาสัจกสูตรที่กล่าวว่าพระองค์สามารถเข้าพระสมาบัติตามเวลาที่ต้องการมีนิพพานเป็นอารมณ์เนะี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าบริษัททั้งหลายเข้าอนุโมทนายกสาธุสามครั้งเนี่ยนะเวลาสั้นๆอันนั้นนะพระองคเข้าสมาบัติได้นะนะเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติพร้อมกับเขาสาธุจบพอดี มีอำนาจที่จะเข้าโลกุตระสุขได้ขนาดนั้นนะนะพันพระองค์ชํานาญมากในการที่จะเข้าพระสมาบัติของเราชํานาญมากที่จะคิดเรื่องเดือดร้อนเนี่ยนะมันมีเวลาภายในสามนาทีเราหาเรื่องให้วิตตกกังวลก็ได้เออมีเวลาสั้นๆเราก็หาเรื่องทุกหาคิดจนทุกจนได้นะอากาศก็ดีอาหารก็ดีอุตุก็ดีหาความทุกมาใส่ตัวอีกจนได้เก่งมากอย่างนะชํานาญคนละอย่างนะคิดจนเดือดร้อนจริงๆ ต่อไปพระ อ, องค์ทรงมียศอย่างบริสุทธิ์ยิ่งที่ทรงได้โดยพระคุณตามเป็นจริงปรากฏทั่วสามโลกเอคําว่ายศนี่เนี่ยโดยแบ่งออกเป็นหลายอย่างคือบริวารยศเป็นต้นพระ อ, องค์ก็ได้บริวารโดยชอบทำใช่ไหมพระ อ, องค์ไปเที่ยวคูคู่ไหมเธอทั้งหลายต้องมาเคารพเราแบบแบบจกกักรทรราชทั้งหลายเนี่ยที่ไปเกณฑ์คนมาให้มานับถือตัวเองให้มากราบมาไหว้ตัวเองเนี่ยพระ อ, องค์เป็นเช่นนั้นไหมไม่เป็นเนี่ยนะย ทรราชทั้งหลายเนี่ยนะใครดูตัวเองเนี่ยนะบางทีอ่ะกษัตริย์บางยุคเนี่ยนะถ้าใครหลือลืมตาดูตรงหน้าเนี่ยนะตาบอดเลยนะยิงตาให้บอดเลยอ่ะมีพวกเป็นต้นเวลาจะกราบต้องมาก้มหูทำด้วยความกลัวซะส่วนใหญ่แต่พระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น น, นะพระองค์นี้ผู้ที่ปรารถนาเข้าไปเฝ้าไปนับถือไปติดตามพระองค์เนี่ยเข้าไปโดยธรรมจริงๆเขาอยากไปเขามีความสุขที่ได้ใกล้ชิด ก, กับ พระพุทธเจ้าแล้วก็ผู้ที่ใกล้ชิดต่อพระพุทธเจ้าทางจิตใจเนี่ยนะมีอยู่ในโลกสามนุษย์อะมนุษย์เดราชาทั้งหลายบางพวกเช่นพวกนาค ก, ก็เจริญพุทธคุณมนุษย์ทั้งหลายก็เจริญพุทธคุณก็คือว่าใกล้ชิดกับพระองค์ทางจิตใจเทวดาทั้งหลายก็เจริญพุทธคุณใกล้ชิดกับพระองค์ทางจิตใจแม้กระทั่งสรัรพสัตย์อื่นพรหมทั้งหลายอารู ป, ปรพรหมทั้งหลายอารู ป, ปรพรหมก็เจริญพุทธคุณ นะเพราะท่านเหล่านั้นเนี่ยใกล้ชิดต่อพระพุทธเจ้าทรงมีพระสิริสง่างามทั่วสารพัง น, นะสารพังสันพรางก็คือองค์เนี่ยนะสันพระก็ทั่วทั้งหมดใช่ไหมองค์บริบูรณ์งดงามไปทุกหนทุกแห่งบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างทรงสามารถให้เกิดขวัญตาขวัญใจแก่ผู้ขวนขวายเข้าชมพระรูปชมได้ขวัญตาก็เป็นบุญตาเหลือเกินที่ได้เห็น เป็นบุญของใจเหลือเกินที่ได้คิดถึงอันนั้ตาของหม่อมฉันไม่อิ่มด้วยการดูรูปของพระองค์หูของหม่อมฉันก็ไม่อิ่มด้วยการฟังเสียงของพระองค์ด้วยแต่ใจอย่างเดียวที่อิ่มอิ่มด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เจริญนี่เป็นคําของใครพระมหาปชาบดีโคตมีอันนพระมหาปชาบดีโคตมีนี้ท่านมีศรัทธา ในองค์พระสมเด็จ พ, พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากนะนะรักพระพุทธเจ้าตั้งแต่เล็กๆเลยนะมีลูกลูกตัวเองยังไม่เลี้ยงเลยไปเลี้ยงไปเลี้ยงพระโพธิสัตว์แทนนะลูกตัวเองเนะี่ยพนันท่าให้พี่นมนางพี่แม่เลี้ยงเลี้ยงแทนส่วนตัวเองก็ไปเลี้ยงเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหลังจากนั้นก็บวชอุทิศแด่พระผู้มีพระภาคถวายชีวิตให้แก่พระพุทธเจ้ายนะัสมัยก่อนเนี่ยนะนะอย่างพระวกคะรีเนี่ยก็ไม่อิ่มไม่เบื่อในการดูรูปพระพุทธเจ้า มีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ไล่บอกวักกะลิประโยชน์อะไรด้วยการดูรูปอันนี้ไปไล่นี้เลยพระวักะลิจะไปฆ่าตัวตายบอกชีวิตนี้ถ้าไม่ได้ดูรูปพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเหมือนกันจะไปโดดเขาตายนะพระองค์ก็ไปสงเคราะห์อีกก็เลยบ่ายบรรลุอรหันต์ในอากาศเหมือนกันพระองค์นี้ทรงมีกามะอันหมายถึงความสําเร็จแห่งประโยชน์ที่ทรงประสงค์เพราะประโยชน์ใดๆที่ทรงประสงค์แล้วปรารถนาแล้ว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 ความเป็นครูของโลกความเป็นครูของพระพุทธเจ้าสําเร็จด้วยความภาคเพียรพยายามนะเพราะความภาคเพียรของพยายามนี่แหละจึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันสรุปว่าพระขวาเพราะทรงมีพระธรรมพระธรรมมีหกอย่างนะหนึ่งอิสริยะมีอํานาจเหนือร่างกายและจิตใจสองมีธรรมะคือโล ก, กุตระธรรมสามมีอะไรมียศมียศ คือที่เคารพนับถือของชาวโลกมีพระสริริเพราะว่างดงามทั้งร่างกายและจิตใจพระองค์นี้มีกามะคือสาเร็จดังใจหวังเนี่ยนะแล้วก็มีปะยะัตะคือมีความภาคเพียรพยายามจริงๆเพราะถ้าอ่อนความเพียรแม้แต่นิดเดียวก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ น, นะที่เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะความเพียรเพราะความพยายามทีนี้ในที่สี่เลยนะ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 ทุกเวทนาทำที่สัมปยุตกับอุเบกขาเวทนาทำที่เป็นวิบาบทำที่เป็นกรรมทำที่ไม่ใช่วิบากไม่ใช่กรรมเป็นต้นเนี่ยนะทำที่เป็นอารมณ์ของกิเลสทำที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสพันทุกอย่างพระองค์สามารถเอามาจําแนกได้ทั้งหมดเลยนะที่เรียกว่าจําแนกตามติกะมาติกะทูกกะมาติกะโดยนัยยะต่างๆขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังเอากุศลเป็นต้นเนี่ยนะนกุศลอกุศลอัพพยาคตะมาจําแนกโดยประเภทมี ขันอาญตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจะสมุบาทเป็นต้นนะปฏิจจะสมุบาตเป็นต้นหมายถึงปฏิจจะสมุปปณธรรมปฏิจจสมุบาทเป็นชื่อของปัจจัยปฏิจจสมุปปณธรรมแปลว่าผลของปัจจัยท่านพระองค์จำแนกแสดงทั้งเหตุทั้งผลอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ยังสามารถจำแนกโดยในอย่างอื่นอีกเช่น สัจจะก็จำแนกเป็นทุกขาริยาสัตว์ทุกขาริยาสัตว์ก็ยังขยายลงไปลึกอีกเช่นปีละนะบีบคั้นสังกะตะอันปัจจัยปรุงแต่งสันตาปะแผดเผาวิปริณามะแปรปรวนเนี่ยเอามาจำแนกอย่างนี้ได้ทั้งหมดอีกเรียกว่าทุกขะศาส์ก็ยังจำแนกสมุทยัทยศาส์จำแนกต่อไปว่าอายุหนะประมวลมานิทานะเป็นเหตุสังโยคะผูกไว้กับทุกข ปลิปโพทะน่วงเอาไว้ไม่ให้ถึงมรรคห้ามเราหน้าดูเลยนะก็<ช>คิดดูนะถ้าสมมติถ้าเราได้ผ้าสวยๆนี่เราจะคิดถึงมรรคไหมหันไปดูอรยิยมรรคเลยนะไม่ค่อยมีนะยากก็ดูเอาเถะตอนอาหารอร่อยๆคิดถึงมรรคบ้างใครปัจเวกบ้างยกมือขึ้นผุมชูนะยกมือเลยนะสาธุอะไะเจออาหารอร่อยเข้าไปเลยลืมปัจเจกะนะลำใหญ่ก็ ปัจเวกเงียเงาะทุเรียนอะไรก็เอามาปัจเวกหมดมันปริโภทขนาดนั้นอ่ะอนะเจอตันหาเข้าไปนี่ทำให้ลืมมัชเฉยเลยอ่ะอนนนขนาดไม่ได้ตั้งใจสมาทานประพฤตินะที่จริงๆสมาทานนี่สมาทานอาวรยยมัชใช่ไหมแต่ขนาดนั้นพอตันหาแทกเข้ามาลืมหมดเลยนิโรสัจจะเนี่ยนะโดยอัฏะคือนิสรณะออกจากทุกวิเวกะสงัดจากทุกอสังขตะ อันตาใจไม่ได้ปรุงแต่งอมตะเป็นสภาวะที่ไม่ตายส่วนอริยมรรคสัตร์เนี่ยนะโดยอัฏฐนิยานิกะนำออกจากทุกเป็นเหตุคือเป็นเหตุให้ถึงนิโรธทัศนะเห็นพระนิพพานอธิปตยะเป็นใหญ่เป็นใหญ่จริงๆใหญ่ด้วยอะไรใหญ่ด้วยคุณธรรมเพราะว่าอริยมรรคนี้ประชุมพร้อมด้วยคุณธรรมทั้งมวลมพระองค์นี้จำแนกอัถฐของอริยสัตว์ อย่างคำว่าอัตกถาอัตกถาอัตกถาก็คือการเอาอัดทั้งสิบหกอัถะอย่างนี้นี่แหละมาขยายให้เห็นเนี่ยนะแต่ว่าเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกแล้วเราจะเห็นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือประเด็นสำคัญแต่ว่าที่อัตกถาอัตกถาจําแนกก็จําแนกหรือขยายให้เห็นเห็นอะไรก็เห็นอัดของอริยสัต์เหล่านี้ ถ้าจำแนกขันธาตุอายตนะเมื่อไหร่ที่ไหนก็ตามให้รู้ว่ากำลังจำแนกปีระณนะสังคตะสันตาปะวิปรินามะถ้าจำแนกตันหากิเลสบาปอากุศลก็แสดงว่ากำลังจำแนกอายุหณนะนิธานะสังโยคะและปริโพทะถ้าจำแนกพระนิพานที่ไหนก็กล่าวว่านั้นนิสารณะวิเวกะอสังคตะและอมตะ ถ้าจำแนกอริยมรรคที่ไหนก็กล่าวว่านั่นเป็นนิยานิกะเหตุทัศนะและอธิปไตยนีะสิบหกคำนี้ควรระลึกควรทรงจำควรเอาไปคิดเอาไปใข้ควรนะถ้าหากว่าเห็นอัดของสิบหกคำเหล่านี้นี่โอ้โหใกล้แล้วนะใกล้เข้ามาแล้วนะที่สุดแห่งทุกข์อยู่แค่เอื้อมมันวิพาตวานี่พระองค์เอามาจำแนกหมดนะถ้าแบบพิสดารก็จาแนกเป็นปิดกสามนั่นแหละ จำแนกเป็นพระวินยัยจำแนกเป็นพระสูตรจำแนกเป็นพระอภิธรรมพระอภิธรรมก็จำแนกไปอีกเจ็ดคัมภีร์แต่ละคัมภีร์ก็มีมาติกาเนี่ยนะอย่างธรรมะสังขีนี้นี่มีมาติกาเท่าไหร่ติกะมาติกายี่สิบสองทูกะมาติการ้อยหนึ่งสุตันตภาชนีสี่สิบสองวิพังนี่มีกี่วิพังสิบแปดวิพัง์จำแนกไปอีกสิบแปดใช่ไหมธาตุกระถา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 พระนิพพานประตูแห่งความพ้นทุก์นั่นเองส่วนในที่ห้าพั ต, ตวาพั ต, ตวาในที่นี้แปลว่าทรงเสพเนี่ยนะเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครบรงเสพทรงทําให้มากซึ่งธรรมะอันเป็นที่พระวิหารพรหมวิหารอาริยวิหารซึ่งกายวิเวกจิตวิเวกอุปุิวิเวกซึ่งสุญญาตาวิโมกัปณิหิตาวิโมกอานิมิตาวิโมก และเส่งอุตริมนุสธรรมทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระอื่นๆเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อหน้าที่จะเรียกว่าพัตตวาแต่ท่านก็เรียกเสียว่าพระขวาตามหลักนิรุติศาสตร์เนี่ยนะพระองค์มีวิหารสามนะถ้าแบ่งวิหารทิพภวิหารพรหมวิหารอริยวิหารแต่ไม่ยกอิริยาบทมานะถ้ายกมาเราก็ได้เหมือนกันนั่นแหละเราก็ยืนเดินนั่งนอนเป็นแล้วไม่ต้องยกยกทิพภวิหารทิพภวิหารคืออะไร รูปปัจจันและอรูปประชานทั้งหลายชื่อว่าทิ พ, พวิหารเนมสมาบัตนะิแปดนั่นแหละเรียกว่าทิ พ, พวิหารส่วนพรหมวิหารสี่เรียกว่าพรหมวิหารอาริยผลสมาธิทุกชนิดเรียกว่าอาริยวิหารพระองค์ยังมีกายวิเวกพระองค์เนี่ยยินดีในที่เงียบยินดีในที่สงัดนไอันนั้นก็เป็นกายวิเวกของพระองค์ พระองค์ตรัสว่าการที่ไม่มีคนอยู่ข้างหน้าไม่มีคนอยู่ข้างหลังเป็นความสุขอย่างยิ่งเลยนะโดยที่สุดแม่บดแบบโบราณไม่มีห้องน้ําใช่ไหมแม้กระทั่งการอับธาอุจระปัสาวะก็เป็นความสะดวกใจเป็นอย่างยิ่งเหมั้นกันั้นพระองค์เป็นผู้ที่สรรเสริญยกย่องในกายวิเวกจิตวิเวกหมายถึงสงัดจากนิวรณ์พระองค์สงัดจากนิวรณ์ด้วยปฐมฌานสงัดจาก วิตกวิจารณด้วยทุติยชาญสงัดจากปีติด้วยตติยชานสงัดจากสุขทุกโสมนัตโทมณตด้วยเจตุทะชาญสงัดจากรูปสัญญาณนัตตาสัญญาปฏิฆาสัญญาไม่ใสใจในนันาณตาสัญญาด้วยอากาสารัญจายตนะสงัดจากอาการสารัญจายตนะด้วยวิญญาณัญจายตนะสงัดจากวิญญาณัญจายตนะด้วยอากินัญญา สัง่งัดจากอากินด้วยเนวสังหัด จ, จากสัญญาด้วยสัญญาเวทายิตานิโรธดับสัญญาและเวทนาโอ้สงัด จ, จริงๆเลยนะอ่างจากเราอะนะไม่ค่อยเงียบเลยเขาบอกว่าบางคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ได้แปลว่าเขาไม่คิดมากนะเขาไม่ค่อยสงัดทางความคิดสักเท่าไหร่อ น, นะมันก็สาสตร์ทั้งหลายโดยมากนี่ไม่ค่อยเงียบมันระงมไปหมดเลยในป่าก็ยังระงมเลยนะ โดยที่สุดแม้กระทั่งเราทั้งหลายถ้าไม่ฟังทำสนธนาทำก็รงองมอีกเหมือนกันสนทนาเสียงคร่่มไปหมดเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามเพราะไม่ค่อยวิเวกมันก็เป็นสภาวะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่มาดูต่อไปเรื่องอุปธิวิเวกนั้นพระนิพพานเป็นอุปธิวิเวกนะเพราะว่าสังกัดจากสังขารธรรมทั้งมวลไม่มีนามรูปทั้งหลายไปปรุงแต่งเลยแม้แต่นิดเดียว ส่วนวิโมกสามสุญญตาวิโมกหมายถึงหลุดพ้นด้วยอาริยมัติที่เป็นที่มีอนัตตานุปัสสนาเป็นปจัจจัยอนัตตานุปัสสนาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่สุญญตาวิโมกทุกขานุปัสสนาเป็นปัจจัยแก่อปปนิหิตาวิโมกอนิมิตานุปัสสนาอะเขาว่าอนิจจานุปัสสนาเป็นปัจจัยแก่อนิมิตาวิโมกอันวิโมกสามก็คือ อริยมรรคสามประเภทอริยมรรคสามประเภทนั้นก็เท่ากับบอกอริยผลไปในตัวนะนะถ้าหากว่าสุญญาตาวิโมโ ก, ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญแก่สุญเตะสมาบัติอัปะนิเตาวิโมโ ก, ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญแก่อัปะนิหิตาสมาบัติอนิมิตเวิโมโ ก, ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญแกอ่อนิมิตตสมาบัติเพราะฉะนั้นสุญญาตาวิโมโ ก, ก็มีสุญเตานิพานเป็นอารมณ์อัปะนิหิตาวิโม ก, ก็มีอัปะนิหิตานิพานเป็นอารมณ์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 บริบูรณ์ในตัวได้เนี่ยส่วนในสุดท้ายพระเวสุวรรณตาคามณะที่แปลว่าคายกิเลสเป็นที่เป็นเหตุให้เป็นไปในภพอันหนึ่งเราเหตุที่การไปกล่าวคือตัณหาในภพทั้งสามอันพระองค์คายเสียแล้วคิดง่ายๆนะของเราเนี่ยคิดอะไรบ้างที่น่าปรารถนาและเราไม่ติดคิดปับ๊บแช่อยู่ตรงนั้นเลยนะ่ย อ่าถ้าหน้าราถนาใชคิดไปปั๊บเนี่ยโอ้คิดได้นานนะนานนานจะมีไหมเที่ยงสักคำหนึ่งในสิ่งนั้นเข้าไปอ่ะนะเออนานเนี่ยนะกล้าคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่บางทีก็ไม่กล้านะสมมตินนะแหวะไปถึงลูกใช่ไหมเออมันไปอย่างนั้นอย่างนั้นเนี้ไม่กล้าคิดนะไอ้ลูกมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาไม่กล้าหรอกเนี่ยนะมันมันติดขนาดนั้นอ่ะ น, นะแต่พระองค์เนี่ยคลายหมดเลย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 มันจำทนเน่ยนะก็คนมีนี่มันก็ร้อนอยู่บ้างแต่ว่านี่มันเยอะเนี่ยนะออกไม่ได้ง่ายๆแล้วมันติดนี่ในภพอ่ะนะคิดถึงชีวิตในพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเลยใช่ไหมถ้าจะมีอายุยืนอีกสิบปีเราก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรก็ดีหมดเลยใช่ไหมนี่ถ้าเทวดาเป็นเทวดาก็ไม่เสียหายอ่าไม่เสียหายโอ้แต่าถ้าเป็นพรหมก็ไม่รังเกียจ แต่ถ้าอาบายก็ไม่อยากไปสักเท่าไหร่อก็แต่ถ้าเราจะมีอบายอยู่ในบ้านก็ดีถ้าได้หมามาเลี้ยงนะถ้าพันโน่นพันนี่โอ้ดีจริงๆถ้ามีนกเขามาร้องขันให้ฟังเช้าๆวความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่อยากเป็นสัตว์ในอาบายแต่ถ้ามีสัตว์ในอบายมาประดับก็จะดีสังเกตดูจากแม้สวนสัตว์ก็ไม่ค่อยพลาดใช่ไหมไม่ค่อยอยากเป็นเดรฉ า, านแต่ว่าขอดูเดรฉ า, านก็ยังดีเหมือนกัน ก็ไม่ค่อยรังเกียจอะไรแล้วก็ไอความที่ชอบยังชอบสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละก็ประกาศว่าไม่ได้ไม่ได้มีสัตว์อไม่ได้ลักษณะแบบคนจะบริจาคพันเลี้ยงสัตว์อนะไม่ใช่แต่ว่าแม้อยากเอาพันโน่นพันนี่มาประดับเนี่ยนะก็ในยุคนี้เนี่ยโหคนรักสัตว์มากมากขนาดไหนมากขนาดว่าตั้งโรงพยาบาลสัตว์อาจจะไป็ดีอาจจะรวยกว่าโรงพยาบาลคนก็ได้ <laughs> เพราะคนนี้ห่วงสัตว์มากเลยนะ อุ้มไปโรงพยาบาลอู้บางคนเนี่ยรักหมามากนะไม่จะไม่ทำบาปเพราะเหตุอื่นๆเลยแต่ว่าพวกเห็บพวกหมัดกัดหมาไม่ได้ต้องทำปานาติบาปานะเห็นแก่หมาก็เลยฆ่าสั์เลยบางคนนะ่ะเป็นอย่างนั้นหนละถ้าหากว่าเมตตาต่อหมานะให้เมตตาต่อเห็บด้วยเหมือนกันฉันท่องนะ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 เขาไม่ได้ไปคิดได้ไปคิดว่าได้คิดก็ยังดีนะพอใจมากนะว่าโดยสรุปทั้งหกอัฏฐะก็เพื่อจะอธี่บายให้เห็นคำว่าพระวาแต่ถ้าในยะอื่นอื่นอีกมีขยายเยอะเช่นในมหานิเทศใช่ไหมเพราะพระองค์จำแนกแจกแจงธรรมรัตนะเพราะพระองค์เป็นผู้มีส่วนแห่งจีวอบินธบาศเสนาสนะเภษัตกีฬานบเภษัตบริขารพระองค์ส่องเสพใน ที่อันเงียบอันสงัดเพราะความที่พระองค์มีสติประธานสี่สัมมาประธาน4ี่ที่บาทสี่อินรี่ห้าพระละหา้าโพชฌงเจ็ดอริย ม, มัฟมีองแปดเพราะความที่พระองค์นั้นมีอนุปปภวิหารสมาบัติ9้าวิโมกอ่าเแล้วก็ตถาคตพลยานสิบแล้วก็ยังมีพระคุณอื่นๆอีกมากอันคาว่าพักวานั้นเป็นคําที่ประกาศถึงความบริบูรณ์แห่งพระคุณทุกชนิดเนี่ยนะ ก็คือมีบริบูรณ์ในพระองค์ทั้งหมดพักวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงคุณเช่นนี้แหละที่พระองค์เป็นผู้ที่ตรัสมงคลเนี่ยนะมงคลทั้ง3 8แเนี่ยนั้นแสดงว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงมงคลนั้นทั้ง38เนี่ยเป็นมงคลหรือเป็นเหตุแห่งความเจริญจริงๆ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 วัตถุมงคลอ่านะมงคลวัตถุวัต ถ, ถุมงคลเนี่ยนะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วถ้าหากว่าผู้ที่ติดใจในลักษณะวัตถุที่เป็นมงคลเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากสมัยโบราณ น, นะเพียงแต่ว่าแบบฟอร์มมันต่างกันนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าว่าโดยรวมๆก็เหมือนๆกันอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ถกกันเรื่องมงคลว่าอะไรกันแน่คือมงคล ในหน้าหนึ่งร้ยหกสิบสาม็เป็นข้อถกกันในเรื่องมงคลบางคนก็บอกว่าสีที่เห็นสิคือมงคลอันนั้นหนึ่งร้อยหกสิบสามนะ <c oughs> เขาถกกันว่าอะไรคือมงคลใช่ไหมบางคนก็บอกว่าสิ่งที่เห็นเรียกว่ามงคลคนที่ถือสิ่งที่เห็นเป็นมงคลเรียกว่าทิฏฐามังคลิกะนับถือสิ่งที่เห็นว่าเป็นมงคลเช่นเห็นรูปใช่ไหมบางคนถ้านับถือนกก็เห็นนกกระเตนก็เป็นมงคลอย่างงี้นะ พวกนับถือต้นไม้แหละต้นโป้ยเซียนอย่างเงี้ยนะโอ้เห็นต้นโป้ยเซียนแล้วก็เป็นมงคลต้นมะยมนะ น, นี่ก็เรียกถ้าโบราณเนี่ยแขกรู้จักแต่ต้นมะตูมมั้งต้นมะตูมมงคลนะนี่สมัยนี้นะเป็นพวกไม้ประดับทั้งหลายเนี่ยเป็นมงคลเห็นไนหะเพราะบางต้นเนี่ยโอ้โหแพงมากอ่นะบางกลุ่มนี่ก็ไปชอบกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับมาไงโอ้โหเห็นคือไม่มงคลมันก็มงคลในใจอ่ะนะเพราะว่ามัน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 เพราะฉะนั้นทุกอย่างใช้หัวทูนหมดนะนั่นถ้าเทินหม้อน้ําก็เออก็เป็นมงคลบางพวกชอบเดรฉ า, านชอบสัตว์น้ําก็ดูปลาตะเพียนสิเป็นมงคลบางคนก็ชอบสัตว์บอกบอกไม่ได้ต้องมาสิมาอาชาในบ้างพวกนับถือรถก็บอกเห็นรถสิเป็นมงคลบางพวกก็พวกเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรก็นับถือเห็นโคเนี่ยเป็นมงคลบางพวกก็ถือว่าการเห็นรูปอ่ะนะแล้วแต่จะสมมติกันขึ้นว่ารูปอะไรเป็น มงคลสมัยใหม่เขาเรียกว่าวัตถุมงคลกับปั๊มสารพัดรูปออกมาเพื่อจะให้เห็นว่าเป็นมงคลส่วนบุรุษคนที่สองเขาก็บอกว่าเขาชอบมุสุตะมงคลมากกว่าเพราะก็ถือว่าทางตาเนี่ยนะมันก็เห็นของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างถือเอาเป็นมงคลไม่ได้หรอกต้องทางหูสิว่งงางั้นอะไรล่ะเป็นมงคลบอกคำดีๆใหม่ๆก็ฟังเพลงนั่นแหละเป็นมงคลเด้นะ ตื่นเช้ามาก็ฟังเพลงอ่ะนะเช่นคาหรืออะไรอ่ะคำที่เรียกว่าชื่นชมต่อกันอ่ะนะเจริญแล้วเจริญอยู่เต็มเขาดีใจสิริเจริญด้วยสิริวันนี้เดียามดีมงคลดีแล้วแต่จะสรรหาคาใดคําหนึ่งที่เขาถือว่าเป็นมงคลเพราะถือตัวเสียงว่าเป็นมงคลพวกที่สามก็ปฏิเสธทั้งเห็นทั้งได้ยินว่าเป็นมงคลว่าพวกบางพวกก็ถือกลิ่นว่าเป็นมงคล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 บางพวกก็นับถือทวารกายว่าเป็นมงคลแล้วเรามงคลทวารไหนอะหรือทุกทวารเลยอันนั้นก็บอกว่ามันอยู่ในมงคลข้อไหนล่ะสามสิบแปดมงคลนั่นนะเพเรานับถือตามมงคลสามสิบแปดใมงคลทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยมันมงคลผิดนะไม่ใช่มงคลที่พระพุทธเจ้ายอมรับอันั้นมางคนมงคลนอกศาสนาเนี่ยนะเหตุแห่งความเจริญนอกศาสนา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 สาระทางธรรมะถือว่าไปไม่ดีไปไม่ดีเนี่ยเป็นเป็นการไปที่หน้าหน้ากรุณาเอามากเพราะฉะนั้นอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยเนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นมงคลในทิฏฐิไม่ได้เป็นมงคลที่เป็นเห็นเป็นเหตุแห่งความเจริญอย่างอย่างแท้จริงอะไรเกี่ยวกับประเด็นเรื่องมงคลเนี่ยนะในสมัยพู้ตการนี่ก็เป็นที่ทะเลาะเบาแวงกันว่าหาข้อยุติไม่ได้ว่าอะไรเป็นมงคล มนุษย์ก็ถือกันเป็นพวกๆนับถือมองคลที่แตกต่างกันไปนะถ้ามนุษย์ถือแตกแยกเทวดาก็สงสัยไปด้วยเอย้อะไรคือมองคลกันแน่เทวดาก็สงสัยเทวดาชั้นสูงก็เริ่มสงสัยไปจนถึงนั่นแหละถึงเทวดาชั้นดาวดึงดันบอกว่าจนถึงอคนิตรทเทวดาจริงๆก็เทวดาเวน้นเทวดาที่เป็นพระอริยะเนี่ยนะผู้ที่เข้าใจผิดในข้อปฏิบัติทั้งหลายโดยทั่วๆไปก็จะถือ สิ่งที่ไม่เป็นมงคล น, นั่นแหละว่าเป็นมงคลในเขาก็มีการเกิดการคิดในเรื่องมงคลอยู่ส2บสองปีก็ยังหาข้อยุติไม่ได้แต่บุคคลทั่วๆไปเว้นพระอริยะถือสามสามอย่างหรือถือทวานห้านะสามอย่างก็คือทวานห้าบางคนก็ถือตะครูทวานเป็นมงคลบางพวกถือโสตทวานเป็นมงคลถือคานณะชิวหาหรือกายทวารเป็นมงคล ทางจักขูทวานเรียกว่าทิฏฐะมงคลโสตทวานเรียกว่าสุตะมงคลคานะทวานชิวหาทวานกายยะทวานเรียกว่ามุตตะมงคลตกลงของเรามงคลข้อไหนคุณนองอ๋อไม่ใช่ใช่มอันนึกว่าไปผัสทับใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะเอาสามสิบแปดเลยน ะ, จะเจวเลย ในมงคลเหล่านั้นเนี่ยนะก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่สิบสองปีเนื้อเรื่องเนื้อหาก็ไปถึงเท้าสักกะเนี่นะเท้าสักกะก็บอกมงคลเนี่ยมันเกิดที่ไหนบอกเกิดที่มนุษย์ที่มนุษย์โลกเพราะฉะนั้นบอกถามว่ามีใครถามพระพุทธเจ้าหรือ ย, ยังบอกยังไม่มีใครถามเท้าสักกะก็เลยใช้เทพปบุตรองค์หนึ่งให้ไปถามพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันจริงๆแล้วเทวดาเนี่ยไปมากไปหาประมาณไม่ได้นับไม่หวาดไม่ไหวว่าเทวดามาประชุมพร้อมกัน มากขนาดไหนนั้นเทวดาทั้งหลายก็มุ่งมาเพื่อที่จะฟังมงคลทีนี้ในหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเก้าเนี่ยนะกล่าวถึงเทวดาเนี่ยนะมาประชุมกันมากเหลือเกินแม้กระทั่งพื้นที่แค่ปลายเข็มเนี่ยนะมีเทวดาอยู่สิบยี่สบสามสิบหรือสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบองค์ก็มีเนี่ยนะพื้นที่แค่ปลายเข็มเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมืองสาวัตถีนะเป็นเมืองที่เทวดามาประชุมกันมากที่สุด มากที่สุดใ น, ในจำนวนมากนะเพราะว่ามาบ่อยนะถ้าเทียบกับที่อื่นๆนะที่อื่นๆก็เทวดามาเยอะแต่ไม่มาบ่อยไม่มามากเท่ากับเมืองสาวัตถีเพราะฉะนั้นบริเวณเมืองสาวัตถีเนี่ยนะขุมขนตรงไหนบ้างที่ไม่เคยมีเทวดาแทรกอยู่ไม่มีอ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้แล้ฉะนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเขาก็สงสัยในเรื่องมงคลใช่ไหมว่าโดยสรุปในหน้าหนึ่งรอยเจ็ดสิบ ที่ผ่านมาว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากปรารถนาความสวัสดีจึงพากันคีดมงคลทั้งหลายขอพระองค์โปรตดตรัสบอกมงคลด้วยเถิดพระเจ้าค่าซึ่งอธิบายว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เป็นผู้ซึ่งข้าพระองค์ทูลถามแล้วโดยอนุมัติของเทวดาเหล่านั้นและโดยอนุเคราะห์มนุษย์ทั้งหลายมงคลอันใดเป็นอุดมสูงสุดเพราะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ข้าพระองค์ทั้งหมดด้วยกัน โปรดอาศัยพระกรุณาตรัส บ, บอกมงคลอันนั้นแก่ข่าพระองค์ทั้งหลายและต้องการมงคลนะต้องการเหตุแห่งความเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าอาเัวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตํมมังคลมุตตามังนีงนง่นีน่นก็เป็นมงคลคาถาแรกก่อนนะ อธิบายตามลําดับคําบทว่าอาเสวนาแปลว่าการไม่คบไม่เข้าไปใกล้พาลานังเนี่ยนะพาลานังก็แปลว่าพานพานนี้โดยทั่วๆไปเนี่ยมีหลายความหมาย น, นะบางทีก็หมายถึงเราอ่อนก็ได้แปลว่าเด็กๆ น, นะแต่ในที่นี้หมายชื่อว่าชื่อว่าเป็นพานเพราะเป็นอยู่หายใจได้คือสักมีชีวิตสักว่าหายใจเข้าออกว่างั้น อธิบายว่าเป็นอยู่โดยเพียงหายใจเข้าหายใจออกไม่เป็นอยู่โดยความเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญานี่แหละเรียกว่าคนพาลเมื่อไหร่ที่เราหายใจทิ้งไปเปล่านะไม่คิดประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งนะนะว่ก็เรานี่แหละเนาะถ้าหากว่าถ้าเราเป็นคนพาล น, นะพระ อ, องค์บอกว่าอยากคบคนพาลเนี่ยเราจะทําไงดีปฏิบัติยังไงเนาะนี่นะก <laughs> ็ไปนึกถึงพระพุทธเจ้าแทนก็แล้วกัน บทว่าปัณฑิตานังความว่าชื่อว่าบัณฑิตเพราะดําเนินไปอธิบายว่าดําเนินไปด้วยคติคือความรู้ในประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันและภายภาคหน้าจึงชื่อว่าบัณฑิตคําว่าบัณฑิตหมายถึงว่าผู้ที่ได้ประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์โลกหน้าจึงชื่อว่าบัณฑิตเสวนาก็คือการคบการเข้าใกล้บัณฑิตทั้งหลายคือมีบัณฑิตเป็นสหายมีบัณฑิตเป็นเพื่อนพักพร้อมด้วยบัณฑิตนั้น บูชาบูชานี่ก็คือการสักการะเคารพนับถือการกราบการไหว้ Why? ปูชนียานังเนี่ยนะปูชนีกับปูชนียานังอันเดียวกันหมายถึงว่าผู้ควรบูชาสรุปในคาถานี้ว่าเอตมังคลมุตตะมังที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประมวลการไม่คบคนพาลหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาผู้ที่ควรบูชาหนึ่งทั้งหมดเอตมังคลมุตตะมังเป็นมงคล ส่วนเกี่ยวกับลักษณะคาถาในด้านภาษาบาลีก็ไม่อธิบา ย, ยนะส่วนคำว่ามงคลเนี่ยจะสบว่ามงคลอยู่หน้าไหนเนี่ยอ่าหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะคำว่ามงคลนะนับลงสี่ห้าบรรทัดนะนะนับลงห้าบรรทัดชื่อว่ามงคลเพราะสัตว์เจริญรุ่งเรืองด้วยคุณเหล่านี้อธิบายว่าสัตว์ ถึงความสําเร็จและความเจริญถ้าแปลอีกในหนึ่งก็คื อ, อเหตุให้ศัตว์เนี่ยได้สรับความสําเร็จและเป็นเหตุที่ทําให้ได้รับความเจริญอันเหตุแห่งความสําเร็จและเหตุแห่งความเจริญชื่อว่าเป็นมงคลอัน น, นก็คือเหตุแห่งความเจริญนั่นเองหน้าล่างๆ ล, ล, งลงมาอี ก, กันนะนับลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับลงสิบรรทัดบรรทัดที่สิบที่สิบเอ็ดกล่าวว่า บทว่ามังคลังได้แก่เหตุแห่งความสําเร็จเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งสมบัติทุกอย่างว่างั้นอุตมังเนี่ยนะสูงสุดได้แก่วิเศษประเสริฐนําประโยชน์สุขมาให้ทั้งโลกในโลกทั้งปวงอันนี้ขยายคําว่ามงค์นอันสูงสุดเนี่ยนะแปลว่าเหตุแห่งความสําเร็จที่สูงสุดเหตุแห่งความเจริญที่สูงสุดเหตุแห่งสมบัติทุกอย่างทั้งสมบัติในโลกทั้งปวงทั้งหมดก็มาจากมงคม์คนท่านอันนี้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่ามงคลก่อนลงในรายละเอียดเลยนะในรายละเอียดมงคลข้อหนึ่งในหน้าหนึ่งร้อยเจ็สิบสองกล่าวถึงมงคลข้อหนนะึ่งะบรรทัดที่สองก็คาถานี้บอกคนที่ไม่ควรครบในคนที่ควรครบและไม่ควรครบแล้วจึงบอกคนที่ควรครบ น, นะคือให้บอกให้ใครไม่ควรครบแล้วจึงบอกคนที่ควรครบใช่ไหม เปรียบเหมือนบุรุษผู้ฉลาดรู้จักทางรู้จักทั้งที่ไม่ใช่ทางถูกถามถึงทางจึงบอกทางที่ควรละเว้นเสียก่อนแล้วภายหลังจึงบอกทางที่ควรยึดถือไว้ว่าในที่ตรงโน้นมีทางสองแพร่งในทางสองแพร่งนั้นพวกท่านจงละเว้นทางซ้ายเสียแล้วยึดถือเอาทางขวาอันนี้ลักษณะก็นี้นะ เพราะว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยคนทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายจะจําคําหลังได้มากกว่าคําแรกเขาบอกงั้นเพราะฉะนั้นก็เลยบอกข้อห้ามก่อนเพราันข้อจําก็เลยบอกทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เขาจําอะไรบอกเป็นคําท้ายสุดเนยนะอยากให้เขาประทับใจในคําไหนคานั้นเอาไว้พูดตอนท้ายเขาบอกงั้นนี่ก็เหมือนกันคําแรกก็บอกอย่าไปขับตรงนั้นนะแล้วก็พูดอีกอย่างหนึ่งเขาจะจําแม่นเหมือนผู้บอกทางก็เหมือนกันอย่าไปซ้ายจงไปขวา ก็จําจแต่ขวาขวาขวาไว้ก็ไปแต่ขวาไว้ก็จะถูกเองแหละก็ ö, พระผู้มีพระภาคเจ้าเปรียบเหมือนบุรุษผู้ฉลาดในทางที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนติดสะคําว่าบุรุษผู้ฉลาดในทางนี้เป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยู่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นฉลาดรู้โลกนี้ฉลาดรู้โลกอื่น น, นะโลกนี้พร้อมทั้งต้นเหตุแห่งโลกนี้นะโลกอื่นพร้อมทั้งเหตุฉลาดรู้ถิ่นของมัจจุ อ น, นี้อะไรโลกิยธรรมในภูมิสามเรียกว่าถิ่นของมัจจุฉลาดรู้ทั้ง ส, สิ่งที่ไม่ใช่ถิ่นของมัจจุคือพนิพาณเนี่ยไม่ใช่ถิ่นของมัจจุรานนนชนไฉลาดรู้บ่วงมานบ่วงมารก็คืออะไรพวกบาปอกุสนทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าบ่วงมานเบ็ดมานฉลาดรู้ทั้งสิ่งที่ไม่ใช่บ่วงมานคืออริยมรรคเพราะฉะนั้นพรโพลเนีตละตียกว่าโลกิยะพร้อมทั้งต้นเหตุโลกุตระพร้อมทั้งต้นเหตุ พร อ, องรู้หมดแน่นะรู้จักถนนทุกเส้นอย่างนั้นฮะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสบอกถึงบุคคลที่ไม่ควรครบก่อนจึงตรัสว่าการไม่คบคนผานแล้วต่อไปจึงแนะนําว่าควรครบบัณฑิตใช่ไหมความจริงคนผานทั้งหลายไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปใกล้เหมือนทางที่ควรละเวน้นแต่นั้นก็ควรครบควรเข้าไปใกล้แต่บัณฑิตเหมือนทางที่ควรยึดถือเอาไว้ การอธิบายพระธรรมเนี่ยนะเขาจะมีปุจฉากับวิสัชนาให้เป็นข้อตักเตือนเนี่ยเขาจะไม่อธิบายไปเรื่อยเขาจะไม่ค่อยทําแบบนั้นอ่านะวิธีการอธิบายมีหลายๆอย่างด้วยกันบางทีก็อธิบายโดยขึ้นต้นจับประเด็นสําคัญแล้วขยายตั้งหัวข้อขึ้นมาแล้วค่อยๆขยายไปโดยลําดับบางทีถ้าไม่มีประเด็นมากนะักก็จะตั้งเป็นคําถามขึ้นมาตั้งเป็นคําถามแล้วค่อยขยายเนี่ยนะอันนี้หลักการเขียนของอัตตกถาเป็นเช่นนั้น อย่างตรงนี้เนี่ยตั้งเป็นคำถามขึ้นมาหรือตั้งเป็นคำทักท้วงขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้จับประเด็นเนื้อหาได้ก็เลยตั้งเป็นข้อทักท้วงว่าก็เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสมงคลจึงตรัสการไม่คบคนพานและการครบบัณฑิตก่อนขอชี้แจงตอบดังนี้ว่าเพราะเหตุที่พวกเทวดาและมนุษย์ยึดความเห็นว่ามงคลในสิ่งที่เห็นแล้วเป็นต้นนี้ด้วยการครบคนพาน ทั้งการครบคนพาณ น, นั้นก็ไม่เป็นมงคลไอท้ทิฏฐิทิฐิที่ถือมงคลด้วยการเห็นถือมงคลเพราะการฟังถือมงคลเพราะการทราบเนี่ยนะมาจากไหนก็มาจากไปคบคนพาณ น, นะนะเพราะฉะนั้นคนพาณ น, นี่แหละมันเป็นต้นเหตุแห่งมิจฉา ม, มงคลสารพัดนะนั่นก็ถือเอาคนพาณ น, นี่แหละไม่ควรครบนี่เป็นมงคลข้อแรกกว่านั้นนะการที่ไม่คบไอ้เจ้าลัที่มงคลทั้งหลายนี่แหละเป็นมงคลแล้วล่ะ น่าจะดีนะเ้าบอกว่าอ้าวสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงบอกการไม่คบคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้ก็ต้นเหตุแห่งสําคัญของสัมมาทิฏฐิเลยนะเพราะฉะนั้นเพราะอะไรอย่างน้อยก็ยังไม่เด็กมีความเห็นอะไรก็ง่ายหน่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่ไม่คบคนมิจฉาทิฏฐิก็ถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งสัมมาทิฏฐิละฉันใดตรงนี้ก็เหมือนกันนะละทัทธิสารพัดลทัทธิมันเกิดจากการครบคนพัน นะลทัทธิเรื่องมงคลก็เกิดจากการครบคนพางเพราะฉะนั้นถ้าไม่คบกับคนพัง น, นี่ถือว่าเป็นมงคลข้อแรกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงติเตียนการสมคบกับคนที่ไม่ใช่กาลยานามิตรซึ่งหักกรานประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้านะทําลายประโยชน์จริงๆเลยนะประโยชน์โลกนี้ทําลายยังไงประโยชน์โลกหน้าทําลายยังไงและทรงสรรเสริญการสมาคมกับกาลยานามิตรซึ่งให้สําเร็จประโยชน์ ในโลกทั้งสองจึงตรัส ก, การไม่คบคนทานและการครบบัณฑิตก่อนแก่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นว่าโดยรวมๆนะพระองค์เป็นผู้ที่ตําหนิการครบคนพานสันเสริญการครบบัณฑิตคนทานที่พระองค์ตําหนิไม่ให้คบเพราะทำลายประโยชน์ทั้งสองอย่างค้าขายขาดทุนบางคนก็ตําหนิพวกก่อนใช่ ผลประโยชน์ในชาวโลกเหมือนกันนะไปเสียหายบางเรื่องเจ้านั้นนะ่ยมันพาไปถ้าไม่เชื่อเจ้านั้นนเราไม่เสียหายขนาดนี้หรอกเงี้ยนะถ้าประโยชน์โลกหน้าก็นะิ ย, ย่เดียวกันใช่ไหมแต่ว่าประโยชน์โลกหน้าสัตว์ที่ไม่มีกรรมมศกตาก็ไม่ค่อยรู้ว่าเออเสียประโยชน์หรือไม่เสียมบางทีก็แยกไม่ค่อยออกบางทีนึกไม่ออกเลยเนะียถ้าไปยิ่งโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิโลกหน้าเป็นเดระฉานจบเลยเนี่ยนะอันนี้สนิทบอดตลอดกาล โดยไม่มีโอกาสมารู้ตัวเลยว่าไปยังไงมายังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันหนักค่อนข้างหนักมากๆเลยนะการควบพลพานนึงเพราะประโยชน์โลกนี้ก็เสียหายใช่ไหมคนที่เจ๊งเจ๊งส่วนใหญ่เนี่เพราะเพื่อนนะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะเพราะเพื่อนแท้ๆเลยแต่ทีนี้เพื่อนมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะนะเพราะว่าเพื่อนเราก็ดีหมดอะไม่มีใครเสียหรอกโดยมากสันเสริญการคบบัณฑิตเพราะทําให้ได้รับประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า นี่มาขยายโดยละเอียดอันนี้ในหน้า172เนี่ยขยายพอเป็นอุทาหรณ์ตัวอย่างขยายโดยอัดพอเป็นตัวอย่างนี่มาดูขยายภาคพิสดารมีมหาพิสดารมากกว่า น, นี้อีกนะถ้าจะอ่านไหมจะบอกให้ไปดูในมังคละทีปณีแปลเนี่ยนะฉบับมหามงกุฎอ้นนั้นมหาพิสดารเลยมงคลเนี่ยนะดีท่านมายกพระไตรปิฎกมาทั้งหมดแล้วมาจําแนกตามแนวมงคลจริงๆมงคลก็คือพระไตรปิฎกทั้งหมดนั่นแหละนั่นแหละคือมงคลนั่นแหะ เมื่อใดที่เราอเห็นว่าการอ่านพระไตรปิฎกการคิดพระไตรปิฎกการฟังพระไตรปิฎกปฏิบัติตามพระไตรปิฎกว่าเป็นมงคลเมื่อนั้นก็เจริญได้นะถ้าเอาโย่อๆแค่นี้ก็นี่แหละไม่ต้องไปศึกษาอย่างกว้างขวางอย่างอื่นก็ได้นะถ้าจะแบบโย่อๆนะทีนี้ต่อไปคําว่าพานเลยนะบอกว่าสัตว์ทั้งหลายทุกประเภทผู้ประกอบด้วยอกุศนกรรมบทมีปานาปฏิบัติเป็นต้นชื่อว่าเป็นพานในจํานวนพานและบัณฑิตเพราะฉะนั้น ขณะใดที่ล่วงกรรมบทสิบประการขณะนั้นผ่านภาละนะเช่นขณะที่ฆ่าสัตว์ขณะนั้นก็ผ่านอธรรมตินนาะทานกาเมสุมิชฌาจา์มุสาวาตปิสุนาวาจาพุศวาจาสัมผัสตลาปะอภิชาพยาบาทมิชฉาทิฐิตอนนั่นแหละเป็นพ่านคนพ่านเหล่านั้นจะรู้ได้ก็ด้วยอาการทั้งสาม เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูความพิสูจนทั้งหลายพาลักษณะคือลักษณะของคนพาลสามอย่างเหล่านี้นะสามอย่างเป็นไงคนพาล ถ, ถ้าจะถ้าจะทำก็ทำแต่ความชั่วถ้าจะพูดก็พูดแต่ชั่วถ้าจะคิดก็คิดแต่ชั่วเพราะฉะนั้นคนพาลถ้าคิดจะทำนะเนี่ยไม่ฆ่าก็รักไม่รักก็กาเมีสามอย่างถ้าคิดจะพูดพูดปดจอเสีย พอเจอคำหยาบพูดวนๆอยู่แถวนี้นะถ้าคิดนะคิดจะเอานะนะอภิชาใช่ไหมคิดพยาบาทคิดจะทําลายคิดแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นลักษณะเป็นยี่ห้อเป็นเครื่องหมายของคนพันอันนี้เรียกว่าวิธีเช็ค่นะนะเครื่องมือไว้ตรวจสอบเอาเครื่องมือนี้ไปแต่ถ้าพูดแบบหยาบหยาบเลยนะเอาแบบเห็นเห็นเลยก็คือครูคทั้งหกปุรณกัสปะอชิตะเกสะคำพลมคคิลิโกสารไทย สัญชัยเวรัตบุตรปักุตะกัจจยนะเนีธธ่ยนะนนะพวกเนี้เป็นเป็นคนพานทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเป็นในพิเศษาสนาเราเลยคือพระเทวทัพเทวทัพนี่ชื่อดีนะแต่ว่าพระเพระรูปนี้มาใช้ซะเสียหมดเทะวะเนี่ยเทวดาใช่ไหมท้าตแปลว่าให้เทวดาให้มาเนี่ยนะเสียหายมากเลยนะชื่อนี้นะตอนหลังไม่มีใครมาตั้งชื่อรูปชื่อล้านเนะี่ยพระเทวทัพมาทําเสียอยู่คนเดียวนะยิงแปลว่าเทวดาให้มานะถ้าโดยศัพท์นะ อันนี่สาปตั้งตามชอบใจอ่ะนะอย่างเช่นพระเจ้าพรหมทัพเนี่ยก็คือพรหมให้มาอันนี้คนชื่อพรหมทัพยังไม่ค่อยทําเสียก็เลยยังอันนีเลยก็ยังรักษาชื่อเอาไว้ส่วนพระโกกาลิกะอันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทของพระเทวทัพนั่นแหละกะตะโมทะกะอันนะ้เตศันดาเทวีบุตรสมุต ท, ทะทัตะอันนีพวกนี้ก็สมัยพุทธกาลนั่นแหละพวกนี้ไม่ไม่ดีอ่นะนะ นางกินจะมานวิกาเป็นต้นอันนี้ถ้าผู้หญิงนางมาคันธยาเนี่ยนะนางกินจะมานวิกานางมาคันธยาหรือพี่ชายของทีฆวิทะะในครั้งอดีตสมัยโ น, น้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าคนพาลสมัยนี้ห้ามไปเอ่ยชื่อเขาเนะี่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะลําบากนะคนโน้นเลวคนนี้ใช้ไม่ได้คนโน้นก็พาลอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเอาแล้วแกเป็นบัณฑิตนักหรื อ, อยังไงเนี่ยนะเดี๋วก็จะสวนมาแล้วจะลําบากอีก ก็เลยส่วนใหญ่ก็จะยกเอาตัวอย่างสมัยนู้นเนี่ยนะถ้าเป็นบันดิตนะยกสมัยใหม่ๆนะเขาก็ออชอบเพราะว่าใครมั่งอยากเป็นพานใช่ไหมไม่อยากโดยไม่อยากได้โดยชื่อนะแต่อยากเป็นโดยการปฏิบัตินะโดยชื่อไม่อยากเป็นพานหรอกนะสมมติถ้าเราโกรธนะแล้วมาบอกว่าเราเป็นคนพานเราชอบไหมแต่เราชอบโกรธใช่ไหมนั่นแหละ เรียกว่าชอบพฤติกรรมคนพาลแต่ว่าไม่ชอบชื่อว่าพาลคนพาลเหล่านั้นย่อมยังตนเองและคนเหล่าอื่นที่ทำตามคำของตนให้พินาศ ด, ด้วยทิฐิความเห็นที่ตนถือเอาไว้ไม่ดีเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้คนพาลเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยทำความชีพหายให้แก่ตัวเองก่อนเสร็จแล้วในที่สุดนำความชีพหายไปหาคนอื่นต่อไป เปรียบเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้เรือนที่ถูกไฟไหม้เป็นยังไงมันลามมันไหม้เรือนนี้ก่อนแนละ้วมันลามไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะ่างเช่นบ้านติดติๆติดติติดกันเนี่ยถ้าไหม้หลังหนึ่งเลยนะหลังอื่นก็เป็นอันวอดวายหมดเลยแหละเปรียบเหมือนพี่ชายของทีฆาวิทะล้มลงนอนหงายด้วยอัตภาพประมาณหกสิบโยศหมกไหม้อยู่ในมหารกอยู่ถึงสี่พุทธันดอนโอ<ฮ>้ยาวมากนะน คิดดูว่าแผ่นดินเนี่ยปกติหกทางธรรมะถือว่าแผ่นดินเนี่ยค่อยสูงไปเรื่อยๆนะสิบหกเอ่อยี่สประมาณสักยี่สิบกิโลเมตรเนี่ยโดยเฉลี่ยนะยสิบกิโลเมตรต่อพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ฝันถ้าสี่องค์ก็หนาสักแปดสิบกิโลเมตรเนี่ยนะก็เผาถูกเผาในนรกนานขนาดนั้นโหตกเป็นสีพุทธันดรเลยนะเกือบเกือบมาหากรรมาเนี่ยตกนรกนานมาก ตกนรกแรงนะเพราะมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ตกนรกเพราะเพราะกรรมอื่นนะในบรรดาอนันตริยกรรมเนี่ยนะอนันตริยกรรมเนี่ยไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับมิจฉาทิฐิเพราะอนันตริยกรรมโดยทั่วๆไปมันทําบาปมันก็ทําเฉพาะตัวเฉพาะตัวไปแต่ถ้ามิจฉาทิฏฐินะมันมันเห็นผิดแล้วมันอะไรทั้งสอนทั้งบอกทั้งกล่าวทั้งสนับสนุนทั้งส่งเสริมสารพัดเนี่ยนะมันก็มีการชักชวนมากมายมหาศาล ทนี้มาดูอุปถักค่าร้อยตระกูลเนี่ยนะพวกศิษย์ทั้งหลายคนกุติก็ตกนรกห้าร้อยตระกูลเลยที่ชอบใจในทิฏฐิความเห็นของพี่ชายของทีฆาวิทะนั้นเข้าอยู่ร่วมเป็นสหายของพี่ชายของทีฆาวิทะนั่นแหละหมกไม่อยู่ในมหารกฉะนั้น น, นะชวนบริวารเพียบเลยนะไม่ประอไปคนเดียวใช่ไหมไม่เหงาไม่เหงาดีคือพวกพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเขาทิฏฐิเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดอยู่แต่ในใจ เพราะที่ถี่มันทําจิตแต่ชรูปใช่ไหมมันทําวิญญาติรูปด้วยมันก็พูดออกมามันทําทั้งกายวิญญาตทําทั้งว จ, จีวิญญาตถ้ายิ่งคนมีบุญเก่ามากเท่าไหร่นะโอ้ยพูดอะไรคนเชื่อหมดเนี่ยนะก็อย่างที่เขาพูดถึงทายนะในโลกเนี่ยชาวเยอรมันนะนะฮิตเลอร์ น, น, นเเนะเอ น, น, นก็มีบุญมากพูดอะไรคนเชื่อหมดเลยอ่ะก็มีหลายคนนะที่เรียกว่าพูดอะไรแล้วคนเชื่ออันนี้คือบุญเก่ามันให้ผล เอ่อพวกมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเอ่อมิจฉาทิฐินี่ถ้าถ้าเรายอลองมาแยกดีๆนะว่าพวกมิจฉาทิฐินะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่มีสัมมาทิฐิแล้วมุ่งจะให้ผู้อื่นรู้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพระประเจกละ่ะจะไปสอนเขายังไงมันยากเหมือนกันนะที่จะเป็นนึกแม่แต่แม้แต่นึกนะแผ่ไปเนี่ยนะสมมติเออเรามีญาติยี่สิบคนสมมุตินะเราเคยไม่ว่าขอให้ทั้งยี่สิบแตกฉันในพระไตรปิฎก กล้าคิดอย่างนี้ไหมตามสันที่เคยคิดขนาดนี้ไหมยังไม่กล้าคิดนะคิดยังไม่กล้าจะกล่าไปยายถึงพูดนี่ย น, นะนันท์เคยลองแล้วยังพอให้คุณแม่แตกฉันในพระไตยัยปิฎ <c> ก <oughs> ทิฐิตัวนี้ยังแค่นึกยังไม่ค่อยจะนึกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทิฐิธรรมดาง่ายๆที่ไม่ใช่สายมักตามพระตยัยปิฎกนะโอนี่ไม่ยากจะเอาพวกสักเท่าไหร่ล่ะเนี่ยนะก็สื่อกันไม่ค่อยยากนะฟังแนละ้วเข้าใจทันทีเลย นั้นตามแนวพระไตรปิฎกเนี่ยทิฏฐิตามพระไตรปิฎกหรือสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีบางกลุ่มที่เรียกว่ารู้ขอรู้แต่เพียงผู้เดียวไม่ขอสอนใครรอกอันนี้ก็เป็นอะไรอัตยาสยายน้อมไปเป็นพระปัจเจกนะแต่ถ้าเป็นพวกสายมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นอย่างนั้นบางรัที่นี่บอกเลยใช่ไหมถ้าไม่ชักชวนคนอื่นให้รู้ถือว่าบาปใช่ไหมถ้าชักชวนให้คนอื่นรู้ถ้าชักชวนมากเท่าไหร่ได้บุญมากเท่านั้นก็เลยทําการใหญ่เลยคันนี้ ก็คือความรู้โดยเฉพาะสําาอในพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็ท่าง่ายนะของมาก็เชื่อว่าใครก็ได้ทําตัวให้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมปฏิบัติให้เป็นพระอรหันต์สักคนหนึ่งนะที่เหลือแล้วค่อยๆลามแล้วสืบย้อไปเองแหละแต่จริงๆเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นเนี่ยนะบางเรื่องบางวิชามันเป็นบุญของบางคนเท่านั้นเองพอหมดบุญคนนั้นเนี่ยเลิกหมดเลยโครงการนี่ล้มระดีระนาบหมดแหละ บางอย่างเนี่ยกิจกรรมบางอย่างมันอยู่ด้วยบุญของบางคนเท่านั้นเนี่ยที่ที่มันสามารถเผยแพร่ไปในกลุ่มอื่นได้มันไม่ใช่เป็นของสาธารณะนะไม่งั้นเนี่ยเชื่อไหมทำไมจะต้องพระพุทธเจ้าเนี่ยทยอยกันมาทีละองค์ทีละองค์บางทีว่างไปเป็นหลายๆอาทรงใคยจึงมาองค์หนึ่งทําไมไม่มาทุกระยะระยะระยะเนี่ยนะเหมือนกับตําแหน่งทั่วๆไปใะไม่ไม่ค่อยให้ว่างเลยนะตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยว่างบ่อยไหมนะว่างไม่กี่ชั่วโมงมั้งตัวข้าแล้วนะ แต่ตำแหน่งพระพุทธเจ้าทำไมว่างหลายพุทธันดรมากเลยในะบางทีก็ว่างหลายอาสงไขยมากๆเลยเพราะอะไรเนี่ยนะจริงรู้ว่าไม่ง่ายเหมือนกันก็เป็นสมบัติของผู้มีบุญนะนะอย่าไปคิดอะไรมากแต่ถ้าเราปรารถนาจะสงเคราะห์เข้าจริงๆก็ลองสงเคราะห์ตัวเองดูนะเออตั้งแต่วันนี้ไปนะฉันจะขอมีเมตตากับตัวเองฉันจะไม่ยอมขอคิดบาปอีกแล้วนะ ถ, ถ้าสงเคราะห์ตัวเองไนดะ้อย่างนี้นะคนอื่นน่าจะไม่ยากเนี่ยนะลองคุยกับตัวเองให้มันรู้เรื่องดูนะ <c oughs> ท, ที่พูดถึงพวกมิจฉาทิฐิเนี่ยนะถ้าทิฐิเกิดขึ้นแล้วมันจะลุกลามประดุดไฟไมเรือนเนี่ยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายไฟนี่ลามจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้าย่อมไม่แม้เรือนยอดซึ่งฉาบไว้ทั้งข้างในทั้งข้างนอกกันลมได้ลงกรอนสนิทปิดหน้าต่างไว้ไว้ฉั้นใดเนี่ยนะเปรียบฉันใดหมายถึงอะถ้าถ้าเระล้องมองว่า บ้านบ้านมีทั้งบ้านตึกกับบ้านไม้บ้านผุ ผ, ผุเก่าๆบ้านย่าเนี่ยนะไม่บ้านย่ากว่าใช่ไหมมันลามจนถึงตัวอาคารใหญ่โตเนี่ยไม่สักเลียงฉันใดดูก่อนพี่สูตทั้งหลายภัยทุกชนิดภัยนี้แปลว่าน่ากลัวสารพันสิ่งที่น่ากลัวทุกชนิดย่อมเกิดเปรียบเหมือนฉันนั้นเหมือนกันภัยเหล่านั้นทั้งหมดเกิดจากพานไม่เกิดจากบัณฑิตอุปัตถวะแปลเป็นไท ย, ไทยว่าอุบาท อุบาทถูกอย่างย่อมเกิดจากคนพาณไม่เกิดจากบัณฑิตอุปสรรคทูกอย่างย่อมเกิดจากคนพาณไม่เกิดจากบัณฑิตดูค่ามพิสูจทั้งหลายดังนั้นแลคนพาณเป็นไทยบัณฑิตไม่เป็นไยัยคนพาณิชย์นี่อุบาทบัณฑิตไม่อุบาทคนพาณเป็นอุปสรรคบัณฑิตไม่เป็นอุปสรรคแต่เชื่อไหมบอกตรงๆไม่มีใครคิดว่าตัวเองเป็นพาณิชย <c oughs> โอ้ยิ่งขณะที่โกรธมากนะโอ้ขณะนั้นบัณฑิตก็สูงมาก ขณะที่มีมานะมากขนาดนั้นบัณฑิตสูงจริงๆเลยนะห้ามเปรียบเด็ดขาดเนี่ยนะก็ไม่มีใครเป็นพานจริงๆเลยไม่ยอมรับนะถ้าใครที่คิดว่าตัวเองเป็นพานตอนนั้นเป็นบัณฑิตไปเรียบร้อยแล้วนะก็อย่างที่กล่าวใช่ไหมใครที่คิดว่าตัวเองเป็นพานก็พอจะเป็นบัณฑิตได้บ้างแต่ว่ายากเต็มทีนะอันนี้อุปมาในายะแรกว่าภัยเนี่ยเกิดจากคนพานใช่ไหม คนพาณิเวลาเกิดภัยขึ้นมันลามไปที่อื่นลามลามกระจายไปเรื่อยอันนี้ในที่หนึ่งะอันหนึ่งคือในที่สองอัประไหนในที่สองกล่าววา่าคนพา น, นีิเปรียบเหมือนปลาเน่าผู้คบคนพาณ น, นั้นก็เหมือนกับห่อด้วยใบไม้ที่ห่อปลาเน่าย่อมประสบภาวะที่วินยูชนทอดทิ้งและรังเกียจผู้รู้เขาจะรังเกียจนะน้ สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า น, นรชนใดผูกปลาเน่าด้วยใบยด้วยปลายญ้าคาแม้ญ้าคาของนรชนผู้นั้นก็มีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปด้วยการคบคนพานก็เป็นฉังอย่างนั้นถ้าไม่ต้องหญ้าคาก็ได้หญ้าอย่างอื่นก็ได้สมัยเด็กๆเกนี่ยนะที่จะมาสายเบ็ดใสายเบ็ดวิธีใสยเบ็ดก็จะเล่าให้ฟังเล่าความชั่วให้ฟังนะ้อะบอกว่า ถ้าเห็นไส้เดือนเนี่ยขอมาน upside, right? ี่ขุดเป็นถังเลยนี่ยไม่ใช่เป็นเนี่ยนะเป็นทั้งถังเลยไส้เดือนเนี่ยเนี่ยเต็มทังเนี่ยนะก็ขุดเข้ามาสับๆๆใช่ไหมชิ้นละเท่าๆมัคโรนีเนี่ยก็มาเกี่ยวเบ็ดนะนะมาเกี่ยวเบ็ดแล้วก็เบ็ดนี่ยเป็นเป็นร้อยเป็นสิบคันเป็นร้อยคันแล้วแต่ว่าว่าเป็ดอะไรแต่โดยทั่วๆไปแล้วก็เป็นร้อยคันเนี่ยนะก็ใช้ไส้เดือนหลายร้อยตัวต่อวันแล้วก็ไม่ใช่วันเดียวด้วย ทีนี้ก็ไปนะก็ไปเกี่ยวกับเบ็ดเบ็ดมันก็งอใช่ไหมเขาตะขอเนี่ยสายเบ็ดพอสายเบ็ดเสร็จไหมเราก็จะได้ปลาเช่นปลาหมอเนี่ยก็ติดเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองก็ปลาช่อนอันดับสามก็ปลาดุกเลยนะก็มีอยู่เท่านั้นน่ะปลา Nam chue อต่นะ <c oughs> ทีนี้พอได้มาแล้วก็เราไม่ได้ถือตะข้องไม่ได้ถืออะไรไปเนี่ยนะเราก็ไปดึงเอาญ่ามาดึงเอาญ้าแล้วก็มามัดมัดให้มันเป็นปมก่อนใช่ไหมแล้วก็ ร้อยไปตามข้างหูมันร้อยหูร้อยหูปลานเนี่ยนะสังเกตนะมทางหูเนี่ยร้อยไปทางปากร้อยจากหูไปหาปากหรือเหงือกเนี่ยนะร้อยจากเหงือกไปหาปากแล้วก็ร้อยอย่างนี้เนี่ยร้อยไปถ้าวันไหนภาษาอีสานเรียกหมานหน่อยหมายคว่ามันได้หลายตัวเนี่ยก็จะได้ ห, หลายหายแขวนหลาหลายพวงเหมือนกันแต่เป็นพวงพวงย่าเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีกลิ่นเหม็นอะไรเลยเนะ แต่พอหลังจากนั้นมันจะมีกลิ่นเหม็นทันทีเมื่อไปร้อยปลาเนี่ยถ้าร้อยไปจนถึงกับเก็บไว้ให้ปลามันเน่าอ่นะบางทีร้อยแล้วลืมใช่ไหม <scratch. S 1> ทิ้งปลาไว้ลืมเน่าทิ้งอะ่ะย่านั้นเนี่ยไม่ได้เลยนะเหม็นมากเลยข่าวมากเพราะรสมีปลาหนึ่งตัวตายเนี่ยนะมันจะส่งกลิ่นคาวไปเป็นหลายๆเม็ดเลยเ <c oughs> ห็นไหมมันย่าที่ไปร้อยเนี่ยมันจะเหม็นขนาดไหนพอมาถ้าได้กลิ่นปลาหรือกลิ่นกบน่าจะไปไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ ต้องทำเหตุได้ไหมแล้วก็ต้องพยายามไปตอนปล่อยปลาปลา่อยกบก็ต้องนึกถึงเปลนตอนปล่อยมาให้ดีนะคิดถึงเปลนตอนฆ่าแล้วก็ลำบากใจแนะ่แต่หลายคนในที่นี้ก็ไม่ได้เป็นนักบุญมาจากไหนหรอกทำเหมือนกันนั่นแหละจะรู้ตัวหรือตายอีกเรื่องนะ ห, หรือเป็นนักบุญมากวาอนุโมทนาด้วยนะ ก, กโ็โหเป็นผู้มีบุญเก่ามาอนะ แต่ถ้าไม่มีบุญก็ดูก่อนผู้เป็นเช่นเรากันะหาทางหนีเถอะทาไมหาทางหนีก็หวังว่าคงไม่พบกันที่นั่นการคบคนเนี่ยนะมันมันเกี่ยวข้องกันไปหมดเลยนะมันลามกันไปหมดเพราะความที่เราคบคนที่ทําปาณาติบาตเก่งเนี่ยนะเราก็จะมีฝีมือในการทําปาณาติบาตเหมือนกันนะเราคบเพื่อนที่ลักทรัพย์เก่งเนี่ยนะมันจะบอกวิธีลักเราหมดเลยต้งขั้นตอนลักหนึ่งสองสามสี่มันจะบอกหมด แล้วเราก็มีพรสวรรค์ซะด้วยนะไม่นานเนี่ยเป็นเลยนะครั้งแรกเพื่อนสอนข้างหลังไม่ต้องเนี่ยนะเราเองเ น, นีมันก็คนพานี่ยเป็นอย่างนั้นคนะ่อนข้างติดเชื้อกันเร็วมากเลยนะเชื้อนี่หนักละเอดอีกละเอดมันก็ไม่ระบาดเท่าไหร่แต่ว่าความเป็นพานเนี่ยติดกันมากมายมหาศาลเนี่ยนะติดกันจริงๆแล้วคนที่ติดมาข้างหลังก็ไม่มีทางรักษาหายด้วยนะติดกันหนับเลยเพราะฉะนั้นอกิจติบัณฑิต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 ฟังก็ไม่ต้องฟังอย่าอยู่ร่วมกันมันดีที่สุดพูดคุยก็อย่าเด็ดขาดแม้กระทั่งนึกคิดอะไรขออย่าเราอย่าได้อยู่ร่วมประชุมกับคนพาณิชยประชุมทางความคิดก็ตามขอให้มันห่างได้ร้อยยศพันโยชศใกลที่สุดเท้าที่ได้ก็ดีทาสกา ก, ก็เลยสงสัยว่าท่านกษัตริยคนพาณได้ทําอะไรให้แก่ท่านหรือคนพาณ น, นี่มาทําอะไรให้ท่านองนั้นท่านโปรดบอกเหตุมาเถอะเพราะเหตุไรท่านจึงไม่อยากเห็นคนพาณ์ คนอื่นเขาแก้ไปแล้วนะหนังสือคนที่มาสายก็ไม่ได้แก้ก็ไปตามแก้เอาคนหลังไปแล้วกันอิติอิติบัณฑิตก็ตอบเท้าส ก, ก่าไปว่าคนพานน่ยมีปัญญาสามคนพานนีิโง่จริงๆเลยวนะเงี้ยย่อมแนะนำข้อที่ไม่ควรแนะนำนะคนพานนีิถ้าจะสอนเรานะสอนในเรื่องไม่ควรสอนทั้งนั้นเลยนะย่อมไม่ประกอบไวในย่อมประกอบคนไว้ในกิจที่ไม่ใช่ธุระอะไรไม่ควรทำนะคนพาณจะบอก จะบอกให้ทําอย่างนั้นแหลนะะการแนะนําของเขาก็ถ้าเราจะแนะนําเขานะจะสอนเขากลับคืนก็สอนยากยากเพราะเขาถูกว่ากล่าวโดยดีก็โกรธคนผ่านนั้นไม่รู้จักวินยัย น, นะไม่รู้จักสังวรวินยัยไม่รู้จักปะหานะวินัยอนะไม่รู้จักสังวรห้าปะหานะห้าก็ไม่รู้เพราะฉะการไม่เห็นเขาเสียได้เป็นการดีคนโง่ น, นะเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาถ้าเขา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 ทีนี้ถ้าใครไปแนะนําคนพานเนี่ยนะบอกเข้าไม่ได้นะไปแนะนําเข้าคืนก็ไม่ได้เขารู้ไปหมดเนี่ยนะคุยอะไรก็รู้ไปทุกเรื่องเก่งไปทุกอย่างานะนี่ยถ้าจะแนะนํามีใครแนะนําก็โกรธแกถือดียังไงมนาะสอนฉันนะฉลาดไปหมดนะนะคนพานเพราะฉะนั้นสังวรวินัยก็ไม่รู้ปะหานะวินัยก็ไม่รู้ว่ากิจ ต, ติบัณฑิตบอกโอ๊ยไม่เห็นนี่มันประเสริฐสุดยอดสูงสุดแล้วละ่ะเพราะฉะนั้น กล่าวว่าขอไม่พบขอไม่ฟังขอไม่อยู่ร่วมขอไม่พูดคุยไม่ต้องมาชอบใจไม่ต้องมาคบหาสมาคมาอะไรกันโดยประการทั้งปวงอันนี้คือโทษของการครบคนพาล น, นำความเสียหายสารพันเสียหายเราลองมานึกดูนะว่าบาปทุกชนิดที่เราทําขึ้นเนี่ยพเพราะคบอ่านะถ้าถ้าสิ่งที่เป็นบาปคือกรรมบดสิบอกุศลกรรมบดสิบนะทุกอย่างที่เราเป็นนี่ได้รับการฝึกอ่านะได้รับการฝึกมาทั้งนั้นเลยถูกสอนมาทั้งนั้นอ่านะ แต่ทีนี้พอเขาสอนให้ครั้งแรกสองครั้งที่เหลือเราเก่งเองแล้วคนนี้เพราะชนานาญมานานและในวัตตะสังสมมายเยอะและวิชาเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นคนอื่นไม่ต้องนะก็มาความที่เขาเขาแนะนําเรื่องทาหาปลานี่แหละเขาฆ่าอยู่ฆ่าปลาฆ่าพลินี้แหละเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยโอ้ถ้าอนาคตยาวๆหน่อยนะไม่รู้วางแผนวิธีเอาปลาขึ้นทั้งหนองเลยทํำยังไงเนี่ยนะเราก็คิดได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วอันนี้ ว่าถ้าจะเอาปลาขึ้นทั้งบ่อเลยเนะี่ยทํำยังไงะแต่ก็ไม่มีกระได้แต่คิดอ่ะนะไม่ประสบความสําเร็จเพราะยังไม่ได้ทําคือคือมัวแต่จับทีละตัวสองตัวมันช้ามันไม่ทันใจเลยอะ่ะก็เลยวิธีคิดเพื่อจะเอาปลาทั้งบ่อ น, นี้ทํำยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะก็แต่ว่ายังไม่ได้ทําไปเห็นที่อื่นที่อื่นที่เขาทําอยู่เขาก็ทําแบบที่เราคิดนั่นแหละเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่เคยไปแนะนําใครนะ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 เนี่ยนะวัตาทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้นี่เละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ที่อายุสั้นจึงจึงมากใช่ไหมเพราะอาทินนาธาเ น, นี่ยมันมีมากสัตว์ทั้งหลายจึงกันดานในมหาพูดเนี่ยนะเดือดร้อนในมหาพูดจริงๆเรื่องปัจจัยสี่นี้มันก็คือมหาพูดที่มันได้รับกรรมวิธีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาใช่ไหมทุกเรื่องในโลกนี่ถ้าหาคนนั้นหมดบุญมหาพูดพร้อมที่จะเสียหายหมดเลยอายกตัวอย่างเหมือนกับว่า ถ้าผู้การหมดบุญนะสมมตินะอันนี้พูดนะตอนนี้คือพูดตอนมีบุญนะเนี่ยหลังที่เราเห็นนะปลวกกินหมดเลยยุคภายในไม่กี่นาทีเนี่ยนะเดี๋ยวพัดเพลิงมาเผาน้ํามาท่วมเดี๋ยวอะไรมนาะพร้อมที่จ ะ, พ ร, จะพร้อมที่จะวอดวายภายในไม่กี่นาทีแต่ตอนนี้แกมีบุญดีก็เลยยังอยู่ได้เราก็เลยอาศัยฟังธรรมได้เลยนะเพราะทุกอย่างเนี่ยเป็นของคนมีบุญจริงๆตัดใจสีที่มันดีๆนะอย่างรถคันงามๆสวยๆหรูเลยเนี่ย ออกไปแล้วโครมกลับมาเป็นเศษเหล็กกลับมาใช่ไหมถ้าหมดบุญเนี่ยนะถ้ามีบุญเนี่ยใช้ไปอีกนอนนีถ้าหมดบุญออกยังได้ไม่กี่วันเนี่ยป้ายแดงยังอยู่เลยอ่ะหมดตัวไปแล้วอย่างเงี้ย น, นะก็ถ้าเข้ากรุงเทพทีไรนะถ้าโยมแท็กซี่เขาเปิดอะไอสจสร้อยหรืออะไรนนะี่รวมด้วยช่วยกันทั้งหลายแหละเดี๋ยวก็แจ้งรถท้ายบ้างเดี๋ยวก็อะไรบ้างอะได้ยินนหะนั่นแหละหมดบุญมันเป็นอย่างนั้นแหละจอดทิ้งไว้แป๊บเดียวเนี่ยนะพร้อมที่จะหมดเลยนะ ร่างกายของเราเชื่อไหมถ้าหมดบุญแล้วเก้าอี้จะนั่งอยู่ไม่ได้เลยเคยเห็นตกเก้าอี้ต่อหน้าต่อตาบ้างหรือเปล่ามาวันนี้เห็นแล้วไม่ใช่ในหนังนะเห็นจริงๆเลยนะเกรกว่าตกลงจากเก้าอี้ต่อหน้าต่อตาเลยแหละของเรานี่นั่งสูงเด้อตกเจ็บมากเลยนะั้นก็บาปทาั้งหลายเนี่นะมีคนผ่านเป็นต้นเหตุมีคนผ่านเป็นปัจจัยทั้นก็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 เอาทำไมคุณเลี้ยงสัตว์เพื่อการฆ่าอย่างนั้นละ่ะโอ้ยของเราทำยังไงเราก็สู้ซีพีไม่ได้หรอกคำว่างนันขมีวิธีคิดไหมก็มาเปรเียบกับคนที่มันทำมากที่สุดนะอ่านะเพราะฉะนั้นของเราก็เลยไม่เป็นอะไรเราก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยมันฉลาดคิดมากจนตัวเองเลิกไม่ได้อะ่ะสรุปว่าเยียวยาไม่ขึ้นอย่างนั้นเถอะ นี่มาดูมงคลข้ อ, ขอที่สองนะอันนี้มงคลข้อแรกผ่านไปว่ า, าไม่ควรครบคนผานโดยประการทั้งปวงเพราะว่าสร้างความเสียหายให้โดยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเป็นที่อื่นท่านยกตัวอย่างเลยนะว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะมีอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลอยู่ในมือคบพระเทวทัตฆ่าพระเจ้าพิมพิสารจนสำเร็จไม่ได้เป็นพระโส ด, นะดาบันเนี่ยนะควรจะบรรลุโสดาบันเนะไม่ได้เป็น พระสุทินเนี่ยนะทัศสุทินก็มีอุปนิสัยมักผลแต่ครบแม่ผู้เป็นคนพาลแม่เนี่ยนะเป็นคนพาลเนี่ยก็เลยไม่ได้บรรลุมักผลแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะอย่างพระ อ, องค์คุลิมาเนี่ยตอนก่อนเนี่ยท่านก็ชื่อว่ า, าหิงสกะใช่ไหมผู้ไม่เบียดเบียนตอนหลังก็ไปครบอาจารย์ผู้เป็นคนพาลใช้ให้ไปฆ่าอย่างมากนลเนี่ยนะ ก็หลายๆคนเนี่ยอย่างเกิดมาเป็นคนอัธยาศัยดีมากไปเรียนสาขาบางวิชาเข้าอโอ๊ยทาบาปบานเลยนะนะก็เอ้ยพูดมาเดี๋ยวก็เทือนใจเขามาดูครบบัณฑิตดีกว่าถ้าผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงตีเตียนการคบคนพานโดยประการทั้งปวงอย่างนี้จึงตรัสว่าการไม่คบคนพานเป็นบมงคนบัดนี้เมื่อทรงสรรเสริญการคบบัณฑิตจึงตรัสว่าการคบบัณฑิต เป็นมงคลสัตว์ทุกประเภทผู้ประกอบด้วยกุศลกรร ม, มบทเสร็จมีเจตนางดเว้นปานาติบาเป็นต้นชื่อว่าเป็นบัณฑิตตอนั้นของมาก็ได้คบบัณฑิตเยอะนะเนี่ยมากเลยนะนี่สี่ห้าสิบนี่ก็ได้คบบัณฑิตแล้วนะก็เป็นมงคลแล้วนะนะวันนี้ได้มงคลนะคบบัณฑิตบัณฑิตเหล่านั้นจะพึงรู้ได้ก็ด้วยอาการสามอย่างเหมือนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลาย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 พระพุทธเจ้าพระปเจกพระพุทธเจ้าพระมหาสาวก80สรูปพระสาวกอื่นของพระตถาคตอันนี้หมายถึงในพระศาสนาเนี่ยนะหมายถึงพระพุทธเจ้าพระปเจกพระสาวกผู้ใหญ่สมัยพุทธกาลนี่ถือว่าเป็นผู้ที่สิทธิทั้งหลายควรเคารพควรเกี่ยวข้องคบหาสมาคมแต่ถ้าเป็นสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็คือสุเนศศาสดามหาโควินทาสดาวิทูลบัณฑิต สารพังค่าดาบทมโหสถบัณฑิตสุตโสมบัณฑิตพระเจ้านิมิราชอโยคระกุมารและอกิตติบัณฑิตเป็นต้นทราบว่าเป็นบัณฑิตรายชื่อเหล่านี้นะตั้งแต่สุเนตตศาสดาเป็นต้นเนี่ยพวกนี้อยู่ในชาดกนะก็ดูในชาดกเอาโดยเฉพาะมหาโควินโควินทะเนี่ยนะก็ในชาดกวิทูลบัณฑิตก็วิทูลชาดกสารพังคชาดกมโหสถชาดกเป็นว่าสุตโสมชาดกนิมิราชชาดก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 เหมือนได้ข้าวได้น้ําเป็นต้นในเวลาถูกความหิวอดอยากหิวโหยครอบงำเนี่ยนะท่านคนทานเออเข้าไปบัณฑิตนี้เปรียบเหมือนแสงสว่างใช่ไหมเปรียบเหมือนอาหารเปรียบเหมือนยาเนยนะจริงอย่างนั้นอาศัยพระตถาคตเทวดาและมนุษย์นับประไม่ท้วนประมาณไม่ได้พากันบรรลุธรรมเป็นที่สิน้นอาสวะดํารงอยู่ในพรหมโลกดํารงอยู่ในเทวโลกเกิดในสุขติโลก ยกตัวอย่างเช่นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่ฟังธรรมของพระองค์แล้วบรรลุเป็นพผ้ารหันหาประมาณนี้ได้อ่านะทัศโสดาบันพัสกาธาคามีพระอนาคามีก็หาไม่ได้หรือพวกที่เกิดในพรหมโลกเพราะปฏิบัติตามคําสอนก็มากเหลือประมาณหรือเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือมาเกิดเป็นมนุษย์อนะอันนี้สําหรับพระพุทธเจ้านะส่วนพภาษารีบุตรล่ะตระกูลแปดหมื่นตระกูลทําจิตให้เลื่อมใสในภาษารียบุตร และบำรงพระเถระด้วยปัจจัยสีก็บังเอิดในสวรรค์ตระกูลทั้งหลายทํำจิตให้เลื่อมสายในพระมหาสาวกทั้งปวงนับตั้งแต่พระมหาโมคลานะพระมหากัสปะเป็นต้นนะพระนุรุทธะพระกัจจยนะพระอนุนเหล่าเนี้ยก็อย่างนั้นเหมือนกันก็ท่านเหล่านั้นเนี่ยมีผู้นับถือเป็นตรหมืน่นหมื่นตระกูลเลยนะ่ะอันนี้พูดถึงในในพระศาสนาของของเราอะนะจริงๆถ้าเราศึกษาประวัติ ของบุคคลต่างๆพระภิกษุทั้งหลายที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยเนี่ยนะท่านเหล่านั้นเนี่ยช่วยให้สัตว์พ้นทุกข์หาประมาณไม่ได้ถ้าหากว่าสมัยก่อนพุทธกาลเช่นสุเนศศาสด า, านะผู้ที่ฟังคำสอนของท่านสุเนศบางพวกก็เกิดในพรหมโลกบางพวกก็เกิดในสวรรค์ชั้นปรนิ ม, มิตะสวัสดีก็ลดลงมาเรื่อยๆมาอยู่ชั้นนิมมานรดีหรือดูสิต ยามาดาวดึงจาตุมหรือแม้กระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ครหบดีมหาศาลกษัตริย์มหาศาลพราหมาสาลเป็นต้นแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายไม่มีภัยจากบัณฑิตไม่มีอุบาทจากบัณฑิตไม่มีอุปสรรคจากบัณฑิตแต่จากว่าเหตุเนี่ยเดียวกันเห็นคาว่าจากหรือคาว่าแต่ก็ไม่ต่างกัน อันหนึ่งบัณฑิตนั้นเสมือนของหอมมีกลิ่นสนาและดอกไม้เป็นต้นคนผู้นับถือบัณฑิตก็เสมือนห่อด้วยใบไม้ที่ห่อของหอมมีกลิ่นนาและดอกไม้เป็นต้นยังประสบภาวะที่วิญยูชนชมเชยและพอใจก็กระป๋องใส่น้ำหอมนี่หอมไหมหอมเนี่ยนะพลาสติกใส่ของหอมยังหอมเลยเนะยบัณฑิตก็ลักษณะนั้นพระองค์จึงตรัสไว้ว่านรชน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 เพราะเขาถูกว่ากล่าวโดยดีก็ไม่โกรธถ้าสอนถูกต้องก็ไม่เครียดะนะบัณฑิตนั้นรู้วินยัยคือทั้งสังวรวินยัยประหานวินัยเนี่ยนะสมาคมกับบัณฑิตได้นั้นเป็นการดีะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะสรรเสริญบัณฑิตโดยทำทั้งปวงอย่างนี้จึงตรัสว่าการครบบัณฑิตนั้นเป็นมงคลเนี่ยนะเป็นความดีเป็นความเยี่ยมเป็นการประเสริฐอย่างแท้จริงเนี่ยนะด้วยการครบบัณฑิต ทีนี้ผู้การเล่าให้ฟังนะว่าเวลาไปกรุงเทพหลายครั้งเนี่ยกรุงเทพผู้การเนี่ยแทบไม่ขาดเลยนะเว้นไว้แต่เกิดอะไรขัดข้องทางเทคนิคบางอย่างเลยไปไม่ทันนี่เงี้นะก็จะเข้ากรุงเทพไปเพื่อจะเรียนร่วมกับบัณฑิตกรุงเทพเนี่ยนะถ้ากล่าวตามสภาวะเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกขณะที่เกิดเป็นขณะที่เรียกว่าชาติอภยกระตะคือเป็นชาติวิบากกับชาติกิริยาซึ่งถือว่ายืนพื้น เพราะพวังของทุกคนก็เป็นชาติวิบากใช่ไหมชาติวิบากอาวัชนะก็เป็นกิริยาแต่ชาวนะมีสองชาติคือกุศลกับอกุศลตรงนี้กล่าวถึงปัจจัยภายนอกก่อนว่าปัจจัยภายนอกแห่งอกุศลก็คือป่าประมิตรปัจจัยภายนอกที่เป็นกุศลก็คือกาลยานามิตรซึ่งชีวิตของเราเนี่ยนะเราจับปฏิเสธคนใกล้ใกล้ไม่ได้ ปฏิเสธคนที่เราคบไม่ได้เลยพั้นขนาดที่เราแม้กระทั่งภาษาไทยเนี่ยนะเนื่องจากเราอยู่ประเทศไทยใช้เราจึงพูดภาษาไทยอันนี้คืออิทธิพลของการซ่องเสพอยู่ในถิ่นฐานแถวนี้ของมามาเหนือกระชักพูดเหนือนได้หลายคำแล้วนั้นก็อิทธิพลของการเกี่ยวข้องของการซ่องเเสพเนี่ยนะทุกอย่างมีผลหมดเลยแต่ว่าปัจจัยภายนอกทีนี้ก็ปัจจัยภายในก็โยนิโสมนัสการกับ อโยนิโสมนัิการบัณฑิตเนี่ยนะคือการครบมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจันทร์ก็ได้หรือพรหมจันทร์พินาตก็ได้การคบคนเนี่ยคนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้ประพฤติมิจฉามรึกก็ได้ตั้งกันมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉามรึกเกิดได้หมดเลยอาัยการเกี่ยวข้องอาศัยการคบ ขณะเดียวกันสัมมามุข ก, ก็เกิดได้เพราะการครบอีกเหมือนกันก็แล้วแต่เราจะคบผู้ใดทีนี้ก็ดูขณะเดียวกันมันก็เสมอด้วยธาตุด้วยเหมือนกันนะโลกนี้เป็นไปด้วยธาตุคนที่ธาตุสัมมาทิฏฐิก็จะคบกลุ่มธาตุที่เป็นสัมมาทิฏฐิกลุ่มธาตุที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะคบกับมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นธาตุโดยสภาวะภายในก็เรียกว่าธาตุธาตุมันใกล้ต่อธาตุ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะถึงคนนิสัยดีถ้าไปอยู่กับพวกเลวนานามล่ะ<ม>ก็ยากพวกเลวๆนะั้นมาอยู่ใกล้กับคนดีก็ยังดีได้เพราะฉะนั้นเพื่อนฝูงสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะนับว่าสำคัญมากนะนะต่อต่อชีวิตของเราทั้งหลายฉะั้นเราจะปฏิเสธตัดใจ จ, จากภายนอกไม่ได้เพราะว่าถ้าว่าโดยรวมๆแล้วของเราท่านทั้งหลายก็คือชาติวิบากกับชาติ กิริยารูปก็เป็นอัพยกตะแล้วชาวนะละ่ะก็แล้วแต่ปัจจัยอย่างที่ว่าทีนี้ปัจจัยสำคัญสำคัญก็คือภายในกับ <No. S 1> ภายนอกเนี่ยเตอนนี้ทางศาสนาของเรานั้นถ้าเป็นพวกสาวกทั้งหลายเอาปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะถ้าสาวกนะปัจจัยภายนอกเพราะว่าขณะที่เรามีจิตโอนไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ภายนอก คำสอนของพระพุทธเจ้าก็นับว่าภายนอกหมู่สาวกทั้งหลายก็เป็นภายนอกทีนี้เราจะเข้าถึงศาสนาได้ขนาดไหนก็อยู่ที่ปัจจัยภายในเพราะว่าภายนอกเขาให้ไม่จํากัดพระพุทธเจ้าช่วยเหลือเราไม่จํากัดมีไหมว่าความรู้ที่พระพุทธเจ้าให้มาขยักขย่อนให้มาทีละหน้าสองหน้ามีไหมให้มาเป็นชุดเลยเห็นมพระไตรปิฎกมีให้เป็นชุดเราจะรับได้หมดอยู่ที่อยู่ที่เราแล้วเนี่ยนะก็อยู่ที่เรา สำคัญก็คือปัจจัยภายในเมื่อปัจจัยภายนอกเต็มที่บริบูรณ์นะที่เหลือก็หาปัจจัยภายในแต่ว่าภายในทั้งภายนอกก็นับว่ามีความสำคัญมากโดยธรรมดาทั่วๆไปนั้นพระพิธรรมโดยเฉพาะคำพีปัจฐานจะไม่ค่อยพูดในแง่บัญญัติเท่าไรในแง่บุคคลเท่าไหร่แต่มีอุปนิสยปัจจัยเนี่ยที่พระองค์แสดงว่าบุคคลเสนาสนะอุตโภชนะก็เป็น ปะตูปะนิสยะปัจใจต่อต่อจิตใจเนี่ยนะซึ่งมีความสําคัญมากทีนี้จิตใจมันไม่อยู่หยุดอยู่แค่ในความคิดใช่ไหมมันทําจิตตชรูปด้วยมันทําวิญญาตด้วยทําทั้งกายวิญญาตและ ว, วจีวิญญาตเพราะฉะนั้นถ้าพูดจิตที่ใดจิตตชรูปเท่ากับพูดแล้วนะถ้าพูดจิตเจตสิกก็เท่ากับพูดจิตตชรูปแล้วใช่ไหมเช่นเหตุ ป, ปัจใจเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยขณะที่เหตุ เหตุเกิดเนี่ยนะทั้งที่เป็นกุศลเหตุหรืออกุศลเหตุก็ตามรูปทั้งหลายก็เชื่อว่าได้พูดแล้วเพราะเป็นปัจจยุบันของเหตุปัจจัยทีนี้มาดูต่อไปว่ามงคลข้อที่สามเพราะเราไปได้ไปสองมงคลแล้วเนาะมงคลข้อที่สามในหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดยอดหน้าสุดท้ายบรร น, นับขึ้นสี่บรรทัดว่าบัด น, นี้ เมื่อจะทรงสรรเสริญการบูชาผู้เข้าถึงความเป็นผู้ควรบูชาโดยลําดับด้วยการไม่คบคนพาลและการครบการครบบัณฑิตนั้นอนนก็สําคัญคือห่างคนพาลคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาจึงตรัสว่าปูชาจะปูชนใน ย, ยานางเอตนนเ อ, เอตมังคามุตตมังเนี่ยการบูชาผู้ที่ควรบูชานี่เป็นมงคล ถามว่าผู้ที่ควรบูชาเนี่ยนะปูชนยะเนี่ยนะหรือปูชนียะปูชนยะเนี่ยเดียวกันปูชนยะบุคคลปูชนียะบุคคลเนี่ยคือใครก็คือพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเพราะทรงเว้นจากโทษทุกอย่างโทษสารพัดชนิดที่จะมีอยู่เนี่ยนะแม้กระทั่งเรียกว่าละบาปทุกชนิดพร้อมทั้งวาสนาันะความประพฤติเคยชินที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาเป็นต้นที่ติดตามมาเนี่ย ไม่มีเลยโดยประการทั้งปวง น, นะเพราะเวนโทษคือสมุทัยบาปอากุศลทุกชนิดดังที่กล่าวไปและทรงประกอบด้วยพระคุณทุกอย่าง น, นะพระองค์นี้มีคุณทุกอย่างเลยนะคุณที่เรียกว่าคุณงามความดีสารพัดเนี่ยมีหมดในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นยกคร่าวๆอย่างง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศนะเป็นต้นนั่นเองนะและภายหลังจากนั้น อันนะั้นคือรองลงมาจากพระพุทธเจ้าก็คือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอริยาสาวกทั้งหลายก็ชื่อว่าปูชนยะคือผู้ที่ควรบูชาจึงอยู่การบูชาปูชนยะบุคคลเหล่านั้นแม้เล็กน้อยก็เป็นประโยชน์สุขตลอดกาลยาวนานอย่างเรื่องของนางนายส ม, มณะมล า, าการ น, นางมลิกาเป็นต้นเป็นตัวอย่างอันนี้ถ้ากล่าวในสมัยพุทธกาล พูดถึงพนางมาริกาเนี่ยนะได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยอะไรรำเนี่ยนะรำเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนเอาไปปิ้งเรียกว่าแป้งจีเนี่ยนะก็ถวายพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นไม่นานก็บรรลุเออขอไปก็ได้เป็นมเหสีของพระเจ้าประสเสนที่โกศนส่วนเรื่องนายสุ ม, ณมาณมลาการความโดยย่อมีอยู่ว่าเช้า ว, วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอันตรวาศกแล้วก็ทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังกรุงราชครึก ขณะนั้นนายช่างดอกไม้ชื่อว่าสมณะมาลาการกกำลังเดินถือดอกไม้สำหรับพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงประตูกรุงผ่องใสหน้าเลื่อมใสประดับด้วยพระมหาุธธริษลลักษณะสามสิบสองประการและพระอนุพยัญชนะแปดสิบประการรุ่งเรืองด้วยพุทธสิริครั้นเห็นแล้วเขาก็คิดว่าพระราชาทรงรับดอกไม้แล้ว ก็จะพึงประทานทรัพย์ร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งก็อันนั้นก็พึงเป็นความสุขเพียงโลกนี้เท่านั้นหมายคือว่าค่าดอกไม้เนี่ยนะที่พระเจ้าพิมพิสารให้เป็นค่าจ้างเนี่ยก็ความสุขโลกนี้นะแต่การบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมมีผลประมานไม่ได้นับไม่ถ้วนนําประโยชน์สุขมาให้ตลอดกาลนานซึ่งเราทั้งหลายหลายๆท่านในที่นี้ก็เป็น นายมา l า r a k a บ้างนางมา l า r a k a บ้างนายกับนาง ก, ก, ก็ใกล้กันนั่นนะ <Okay. S 1> ก็เมื่อวานก็ดอกไม้ประดับตกแต่งกันน่าดูเลยนะเมื่อวานกับเมื่อวานก่อนวันนี้ก็ประดับใช่เบาเนี่ยนะดอกไม้เนี่ยถ้ากองกองไว้มันดูไม่ได้เรื่องเลยนะไม่ต่างอะไรจากกองขยะเท่าไหร่ก็ลองมาใส่แก้วใส่ถาด ใ, ใส่กระจาน ด, ดูสิ <Okay. S 1> ก็น่าดูน่าชมนะงูสวยสดงดงามทันทีก็เป็นกรมนายมา l า r a k a ก็บอกว่าบางท่านบอกเลยว่าขอบูชาพระธรรมเหมือนกัน ในในห้องเราก็มีนะเมื่อวานก็คุณสุจินเลยนะก็กลับคณะนะก็หลายท่านช่วยกันแต่เขาก็เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดทําดอกไม้เนะี่ยที่เป็นดอกไม้คลย้ยๆพวงใหญ่ๆงามๆเนี่ยนะเช่ารถตู้แไปคันหนึ่งคันดอกไม้นะขันบรรทุกดอกไม้เลยนะบูชาสีพ่พระเจดีย์ด้วยกันนะนะแล้วก็นายมาลาการทัานหลายๆท่านก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาที่จะเอาดอกไม้เนี่ยนะ เพื่อบูชาพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวันหนึ่งยมอ้วนร้อยดอกไม้เป็นหลายชั่วโมงด้วยกันนะนับมานางมาลาการร้อยดอกไม้แล้วผู้ที่ เ, เรียกว่าเอาดอกไม้บูชาเนี่ยนะถ้าปรารบคีดแบบนายสุมานณะมาลาการที่กล่าวว่าย่อมมีผลประมาณไม่ได้นับไม่ถ้วนนำประโยชน์ศักมาให้ตลอดกาลยาวนานถ้าใครอยากรู้อนิสงส์ก็ดูในคัมภีร์อัปทานเป็นต้นเนี่ยนะ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 นายมาละการเห็นอนุภาพนั้นก็มีจิตเลื่อมสายยิ่งขึ้นจึงเหวี่ยงดอกไม้ไปอีกกรคำหนึ่งดอกไม้เหล่านั้นก็ไปประดิษฐานเป็นเกล็ดดอกไม้นายมาละการเหวี่ยงดอกไม้ไปแปดรมอย่างนี้ดอกไม้เหล่านั้นก็ประดิษฐานเป็นเหมือนเรือน ย, ยอดดอกไม้แค่เรียกว่าเรือนดอกไม้เลยนะเป็นเหมือนกับบ้านดอกไม้อะบ้านดอกไม้ที่พระพุทธเจ้าเดินตายเนี่ยบ้านดอกไม้ติดตามไปตลอด พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในเรือนยอดมหาชนก็ชุมนุมกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นนายมาลาการก็ทรงธรรมาการแย้มให้ปรากฏเรียกว่าแค่พระองค์อ้าปากนิดเดียวเนี่ยนะรัศมีก็พุ่งออกจากปากเวียนประทักศินสามรอบแล้วก็หายไปพระนนเถระก็ทูลถามถึงเหตุที่ทรงแย้มด้วยคิดว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยจะไม่ทรงแย้มให้ปรากฏ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานอน์นายมาลาการผู้นี้จักท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์แสนกลับด้วยอนุภาพของการบูชานี้แล้วในที่สุดก็จะเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้านามว่าสุมาณิสระเนี่ยนะสุมาณะบืออิสระเนี่ยนะสุมาณะก็คือเป็นชื่อของนายมาลาการเนี่ยนะหรือแปลว่าดอกมะลิก็ได้แปลว่าคนใจดีก็ได้นะสุมาณะแปลได้หลายอย่างนะหมายถึงดอกไม้ก็ดอกมะลิ หรือว่าบุคคลก็ชื่อวรนนายสุมาณะคนใจดีเนี่ยนะอิสระก็เป็นใหญ่นะก็ เ, เรียกว่าคนเป็นใหญ่ชื่อว่าสุมาณะก็ได้เป็นพระประเจกันนะหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมว่าบุคคลทํากรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังบุคคลดีใจเนี่ยนะใจดีเอิบอิ่มแล้วสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นทําแล้วดีอ่า น, นะพยายามสแสวงหากรรมที่ทําแล้วไม่ต้องลําบากใจในภายหลัง ควรทบทวนนะเราระลึกคือควรคิดถึงผลของสิ่งเหล่านี้ด้วยนะเราทั้งหลายเคยคิดไม่ว่าสิ่งนี้ที่เราทำนะเราจะสบายใจแน่ในภายหลังแต่หลายๆท่านสังเกตเขาเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ทําหรอกเขากลัวไม่สบายใจในวังหลังอันนั้นก็ชื่อว่าเลือกกรรมทำเออเลือกทํากรรมแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่าจะเลือกมากเนะี่ยเพราะว่าเราจะทูกใจหรือจะสบายใจจะเครียดจะดงุดหงิดก็อยู่ที่กรรมที่เราทําตอนนี้นั่นแหละ เพราะฉะนกรรมใดที่ทําแล้วไม่เสียใจในภายหลังไม่เดือดร้อนใจในภายหลังไม่ลําบากใจในภายหลังกรรมนั้นควรทําเป็นอย่างยิ่งหรือกรรมใดก็ตามที่ทําแล้วก็มีความสุขในการรับผลเนี่ยนะกรรมนั้นก็ควรทําอย่างยิ่งนะควรเลือกเอาทํากรรมประเภทนั้นนะคิดดูนะว่าหนึ่งเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนตอนนี้ไหมข้างหน้าต่อไปเบียดเบียนไหมเบียดเบียนเราในโลกนี้ไหมเบียดเบียนในโลกหน้าไหมเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขไหม ถ้าเราเอาคำถามเหล่านี้มาถามบ่อยๆๆแล้วมนัสสิการทำตามไปเถิดแต่ถ้าไม่มนัสสิการนะง่ายๆเนี่ยเห็นแก่ง่ายจะลำบากใจในภายหลังจากคาถานี้ตรัสจบบรรลุแปดหมื่นสี่พันเราก็นั่งอยู่ตามเดิม การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยนะว่าแล้วแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็มีประโยชน์สุขตลอดกาลนานด้วยประการชนิดนั้นควรทําเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะนั่นก็ใครจะมีอาชีพบูชาพระเจดีก็เพิ่มอาชีพใหม่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะทาไปเถอะนะก็อย่างอื่นก็ทํำซะจนเนี่ยนะบางพวกนี่คิดดูนะก็เอาดอกไม้พวงมาลัยอไะแขวนให้ใครก็ไม่รู้เนี่ยนะเพ้อเจ้ออยู่ก็ได้พวงมาลัยรับอย่างนี้ก็ขนาดเขาก็ยังทำกันทุกวันเลยนะบางคนเนี่ยนะ แล้วก็ดอกไม้ก็ไม่เอาเนี่ยนะเอาแบงค์ด้วยนะแขวนแขวนแขวนแล้วก็ไปพวงให้คล้องให้ป้ายอยู่ทุกวันน่ยนะขนาดนั้นก็ยังทํากันถ้าเราจะบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเอาดอกไม้ทําทุกอย่างทําไมเราจะทําไม่ได้เนี่ยนะทแล้วก็ไม่ต้องเสียใจในภายหลังนะนะโดยปกติถ้าไปกราบไปไหว้บูชาพระรัตนตรัยกลับมานะแม่บ้านเขาไม่ค่อยโวยวายเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าไปแขวนผิดที่แล้วก็แ <c oughs> <c oughs> ม่บ้านเดือดร้อนแน่ แล้วก็ทําทำไปบุญไหนที่ควรจะทําได้ก็รีบทําไปทันการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แบ่งออกเป็นสองอย่างใช่ไหมอมิสบูชากับปฏิบัติบูบชาขนาดอามิสบูชานะก็ยังมีผลหาประมาณไม่ได้ผู้ที่บรรลุเป็นพร ะ, พะผู้ที่บรรลุคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยเบื้องแรกเขาเอาอามิสมาบูชาก่อนคือเอามาหาพูดบูชาก่อน เอามห า, าพูดเท่าที่มีอยู่ใช่ั้มมหาพูดปรารบสีแล้วบูชาก็มีบางพวกปรารบเสียงแล้วบูชาก็มีบางพวกปรารบกลิ่นบูชาก็มีบางพวกปรารบรถบูชาก็มีบางพวกปรารสโพธาบภาะบูชาก็มีแต่สิ่งที่เอามาบูชาเหล่านั้นว่าโดยรวมๆก็คือมหาพูดมหาพูดท่านเอาบูชามหาพูดเนี่ยนะเอามหาพูดมาบูชาอย่างไรเสียก็ได้บุญไม่เท่าปฏิบัติบูชา เพราะเอามหากุศลเป็นตัวบูชาใช่ไหมอย่างอย่างสมมติเอาพรหมไปบูชาก็เอามหาพุทธไปบูชาเอาดอกไม้บูชาก็มหาพูดเอาว่ารวมๆเอาเทียนบูชาก็แสงสว่างก็มหาพูดจะอะไรก็ตามก็คือมหาพูดทีนี้อันนั้นบุญไม่มากเท่ากับปราลบกุศลจิตให้กุศลจิตเกิดเอาตัวกุศลนั่นบูชาอันนี้มีผลมากที่สุดเอาชาติอัพยากตะบูชาบุญไม่มากถ้าเอาชาติกุศลบูชามีบุญมากเห็นไหม เพราะฉะนั้นก็ใครวันนี้รักษาอุโบสถบูชาพระพุทธเจ้าก็นับว่า บ, บุญมากเมื่อวานนี่หลายคนเนะี่ยทั้งอาบิสบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูบชามีรถอยู่คันหนึ่งก็บอกว่าถ้าศีนแปดนะ่ขึ้นคันนี้ได้เหมือนกันไม่ศีนแปดเนี่ยนะผู้จัดการคันรถเขาไม่หยอกไม่อยากให้ขึ้นนะไปขึ้นคันอื่นก่อนนะนะคันนี้เอาแต่ศีนแปดเหมือนกันก็เหตุผลหลายประการก็ต้องจะได้คบบัณฑิตด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็จะได้จัดอาหารเพนสะดวกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะ แล้วก็ปฏบิบัติบูชานี่สำคัญนะปรารบกุศลศีลเนี่ยนะศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถเป็นต้นก็ทําบูชาไปเถอะการบูบูชาด้วยการปฏิบัติเนี่ยนะเอาตัวมหากุศลซึ่งกุศลเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมสภาพที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขเนี่ยนะนะเอาเอากุศลเหล่านี้มาบูชาพระองค์เนี่ยจึงเป็นการบูชาที่เรียกว่ามีผลมากมีอนิสงฆ์มากพระองค์ก็สรรเสริญอย่างนี้มากกว่าเช่น การถึงสารนคมเนี่ยนะมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระรัตนตรัยก็นับว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาการสมาทานศิกขาบทหเช่นศีลห้านะศีลข้อหนึ่งสอสสี่หตั้งใจสมาทานเธอเราทั้งหลายจะขอเวน้นนะขอเว้นจากการฆ่าเจตนาที่เว้นจากการฆ่าเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าถ้าค่อยๆไล่ทีละคำไปอย่างนี้จะได้รับประโยชน์อย่างมากนะ ข้าพเจ้าทั้งหลายของดเว้นจากการฆ่าเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าของดเว้นจากทรัพย์สินของผู้อื่นโดยอัินาทานเจตนาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าขอประพฤติพรหมจรรย์นะเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าขอพูดคำสัตย์คำจริงดำรงอยู่ในคำสัตย์คำจริงเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าของดเว้นจากสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าของดอาหารมื้อเย็นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า ของงดเว้นจากการประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าของงดเว้นจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่ข้างในยัดด้วยนุ่นและสำลีเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนเรียกว่าสมาทานองค์อุโบสถอย่างนี้มีคุณมากมีอุปการะมากมีผลมากเมียในสงมากถ้าทำอย่างนี้นะสมาทานอุโบสถอย่างนี้เนี่ยท่านบอกว่าสมบัต ถ้าเป็นมหาพูดนะแก้วแหวนเงินทองที่ดวงอาทิตย์ศาสตร์ส่องถึงเนี่ยใครที่มีสมบัติขนาดนี้นะับว่าคนรวยใช่ไหมถ้ามีสมบัติเท่าดวงอาทิตย์ส่องเห็นเป็นแก้วแหวนเงินทองไปหมดนะทางธรรมะถือว่านั่นก็ยังเป็นสมบัติของคนยากอยู่เห็นไนหะอันนี้สองสู้โบสถไม่ได้พูดอย่างนี้จะสมาทานอุโบสถ ต, ตอนนี้ก็ไม่สาย น, นะเพราะบ่ายไปแล้ว <c oughs> เอาก็จริงด็ก็จะสมาทานตอนนี้ใครจะห้ามละ่ะ คำว่าผลจริงๆเนี่ยนะก็อันนั้นมีหลายประเด็นด้วยกันที่จะคุยกันแต่ที่ถ้าจะถามหาผลนะควรถามหาจากเจตนาของเราเรามั่นใจขนาดไหนในกุศลที่เราทําสมควรไหมที่จะรับผลทันทีมันเหมาะสมไหมขณะดเดียวกันนะถ้าเราร้องเรียกเอาผลจากบุญเท่านี้นะบาปเราก็ต้องจ่ายอีกเหมือนกันก็พยายามให้คิดให้ทั้งสองฝ่ายให้มันดีๆเนี่ยนะ ทีนี้ในเรื่องของอุโบสถเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าสมบัติของผู้ที่รักษาอุโบสถเนี่ยนะมากกว่าสมบัติที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติที่เรียกว่าสมบัติทั้งโลกเนี่ยเป็นแก้วแวนเงินทองหมดแล้วก็มีอะไรนะดวงอาทิตย์สาดสองลงมาใช่ไหมนั่นนาะยังนับว่าสมบัติของคนยากเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดในสวรรค์ชั้นจาตมุมีอายุเท่าไหร่อ่านนะถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะร่ารวยแผ่นดินทั้งหมดเป็นของเราเป็นแก้แหวนเงินทองหมดอายุเราเท่าไหร่ คิดว่าจะอยู่กันอีกคนละกี่ปีแล้วมันจะไปกินได้หรือแก้วแหวนเงินทองอย่างพิว่าเนี่ยกินได้ไหมแล้วนอนหลับฝันดีตลอดเลยไหมฝันว่าบูชาพระเจดีเอาแก้วแหวนนั้นนะกอบบูชาพระเจดีอย่างเดียวไหมไม่เท่าไรหรอกเพราะฉะนั้นสมบัติแบบนั้นก็นับว่าสมบัติของคนยากแต่ถ้าเทียบกับเทวดาชั้นจ่าตุมเนี่ยนะเขามีอายุวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขานี่ห้าสิบปีใช่ไหม วันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาห้าสิปีของเราแล้วเขามีอายุห้าร้อยปีทิพเฉลี่ยแล้วก็เก้าล้านปีมนุษย์เนี่ยนะแล้วก็ผิวก็เป็นทองคําไปตลอดอาหารก็อิ่มดังใจนึกเนี่ยนะก็ถามว่ามีความสุขประสมบัติของมนุษย์ไหมล่ะเทียบกันไม่ติดแล้วดาวดึงยามาดูสิธิผู้ที่ตั้งมั่นสมาทานอยู่ในอุโบสถเนี่ยนะตั้งมั่นอยู่อุโบสถ ด, ดีระดับหนึ่งเนี่ยพวกนี้นะไม่กลับมาเป็นมนุษย์เป็นพุทธันดรก็ได้ ถ้ารักษากุศลไม่ดีก่อนจะตายนึกถึงอุโบสถก็ไปดีต่อเนี่ยนะก่อนจะตายนึกถึงอุโบสถก็ไปดีต่อเปรียบเหมือนว่าคนเดินทางเนี่ยนะที่มีสตังค์หน่อยนะก็สมมุติว่านั่งเครื่องจากนี้ไปถึงดอนเมืองไปถึงนั่นก็กด ATM มแล้วก็นั่งเครื่องซื้อตั๋วต่อไปก็ไปถึงก็กดต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมจะไปกลัวอะไรมีบุญสักอย่างก็ไปได้ยาวนะถ้าหมดบุญที่ไหนก็อันนี้ก็ตัวใครก็ตัวใครนะถ้าไม่ทํางานต่อนะก็ช่วยไม่ได้แล้วกันนี้ แต่ว่าองค์อุโบสถนี่ช่วยได้อย่างนั้นจริงๆถ้าเรามั่นใช่ไหมมั่นอยู่ในอุโบสถแต่ทีนี้เชื่อไหมว่าผู้ที่มีบุญทั้งหลายโดยมากไม่ค่อยเอาไปทําบุญหรอกผู้มีบุญเก่าทั้งหลายไม่ค่อยเอาผลแห่งบุญไปทําบุญต่อหรอกสมมุติถ้าเรามีปัจจัยสี่เยอะมีปัดมีแก้วแหวนเงินทองมากคิดหรือว่าเราจะรักษาอุโบสถอีกครั้งหนึ่งอยากจะประดับมากกว่าที่จะรักษาอุโบสถใช่ไหม มีเพชรเยอะมากมีทองเยอะมากมีเครื่องแต่งตัวสวยๆงามๆน้ำอบน้ําหอมมีแต่อย่างดีทั้งหมดเลยนะแม่จะคิด ร, รักษาอุโบสถแม่แต่วันเดียวยังคิดยากจะกล่าวไปยายถึงอย่างอื่นเล่าอ่ะนะคิดหรือว่าถ้าสมมตินะสมมติถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมมีบุญมีภรรยาสักห้าสิบคนเนี่ยนะสมาทานอุโบสถสักครึ่งเดือนเนี่ยนะคิดว่าทําได้หรือใช่ไหม แม่บ้านคนที่หนึ่งมาแล้วแม่บ้านคนที่สองเวียนไปอู้วุ่นวายไปหมดนะเจ้โบสดรักษายากเพราะฉะนั้นพวกนาคคาราทั้งหลายที่มีเมหสีเยอะๆเนี่ยพวกนี้จะรักษาโบสถที่มนุษย์นางนาคจะได้ไม่มากวนไม่งั้นก็ไม่มีสิทธินะเดี๋ยวก็มาร่ายรำร้องเพลงทานโน่นทานนี่เนี่ยนะตอนเย็นๆกําลังหิวอยู่พอดีกินแต่มยมกินแต่มักมกขหามหวานต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะอดชักไมก่ได้ลนะก็ไม่ได้นะพุ ก, การเนี่ยไปลาไปร้าอาหารอาจจะอดได้ก็ได้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 เราต้องระลึกถึงเสมอว่าบาปเราก็ทำนนะบาปเราก็ทำเพราะฉะนั้นจะร้องหาเอาแต่ผลของบุญอย่างเดียวเลยหรือแล้วถ้าผลของบุญเรามีแล้วเอาไปทำอะไรเยนะเอาไปทำอะไรยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่มีบุญยิ่งกว่าจากกาักรพรรดิโบราณอีเชื่อไหมแม้แต่โยมนั่งรถเนี่ยรถกระบะธรรมดานี่ยก็มีบุญกว่าจากกักรพรรดิโบราณแล้วล่ะเยนะมีบุญมากกว่าแล้ว อาหารเนี่ยขาจะทานที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเหมือนกับว่ากดปุ่มได้หมดเลยคุยเราก็มีบุญมากกว่าคนมีออ ย, ยพินใหญ่เพราะจะคุยกับใครที่ต่างประเทศตอนนี้ยังคุยได้เลยนะกดโทรศัพท์ไม่กี่ปุ่มเนี่นะคุยกันรู้เรื่องแล้วนะ<ม>ก็มีนะหูทิศตาทิศใครร้องเพลงอยู่ประเทศไหนเตะฟุตบอลอยู่ประเทศโน้นเรายัางดูที่นี่ได้เลยนะก็นับว่าบุญเก่าก็นับว่ามากแล้วนะแต่ว่าอาศัยบุญเหล่านี้นะไม่ค่อยใครเอาบุญมาทําบุญต่อบุญอีกนะเรียกว่า ไม่ค่อยเอาบุญมาต่อบุญอีกไม่เอาผลของบุญเก่ามาทําเป็นเหตุต้นเหตุแห่งบุญใหม่กลับในขณะเดียวกันก็มัวเมาเพลิดเพลินในผลบุญแต่เชื่อไหมไอผลบุญคืออะไรรู้ไหมโดยมากก็มหาพูดอีกนั่นแหละ <c oughs> ก็เลยถูกมหาพูดมันหลอกไปหลอกไปหลอกมาก็เลยติดพนันอยู่ในมหาพูดทั้งการสมาทานอุโบสถจริงๆก็คือการออกจากมหาพูดนั่นแหละเริ่มออกจากมหาพูดแต่ออกไปออกมาเจอมหาพูดดีๆก็ติดใหม่นะ ในถ้าสมทานศีลถึงไตรสนธนคมดังกล่าวไปบูชาพระพุทธเจ้าก็มีคุณมากแม้แต่บวชเข้ามาแล้วรักษาเจตุปาริสุทธิศีลสี่คือความบริสุทธิ์สองศีลสีประการปาติโมขสังวรอินทรี์สังวรปัจญาสานิสิตศีลอาชีวะปาริสุทธิศีลก็มีผลมากมีอยนิสง์มากแม้กระทั่งสมถะและวิปัสสนาวันนี้จะละตันหาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าสักวันหนึ่งเถอะ คิดบัางเลยคุณจุศรีได้ปารคบ้างหรือยังอเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาไปทําการบ้านกันแล้วกันเดี๋ยววันนี้จะละตันหาพิจารณาไม่เที่ยงเป็นต้นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้านะถ้าถ้าทำได้คือบางคนถ้าทําเป็นพุทธบูชาอาจจะมีกําลังใจทําใช่ไหยไอคิดทําคนเดียวโดดมันทําไม่ค่อยได้ถ้าทําปารคน้อมเป็นพุทธบูชาเนี่ยเผื่อมันเป็นการเป็นงานเป็นจริงเป็นจังซะบ้างเลยนะถ้าเราจริงจังในการเจริญกุศลสมถาวิปัสสนาเป็นต้นเท่ากับจริงจังกับหลายๆเรื่อง ได้ดีไปเยอะแล้วในนี้ท่านกล่าวต่อไปว่าใครเล่าจาักพันนาผลแห่งการบูชาของกุลบุตรเหล่านั้นได้ขนาดเอามหาพูดมาบูชายังมีผลมากใช่ไหมจะ ก, กล่าวไปใาญถึงเอามหากุศลเป็นเครื่องบูชาถึงสาระบูชาพระพุทธเจ้าสมาทานศีลบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ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 นั่งเกิดมามันก็ไม่ค่อยคิดจะทําอีกนั่นแหละก็เลยไม่ได้ทําถูกจิตนี่มันหลอกเอาแล้วนะที่ไปทําอย่างอื่นนะถ้าเราเก็บสถิติที่อ่านหนังสือพิมพ์นะสไใจ์ระไตรปิฎกจะหลายจบแล้วเหมือนกันนะ ถ, ถ้าอ่านถ้าอ่านพระไตรปิฎกเท่ากับอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะถ้าสมาทานไว้ทําได้เชื่อเถอะทาได้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าอู้อ่านทั้งกลางวันกลางคืนจะได้รีบรีบจบนนั้นก็เกินไปอีก ก็เลยทงอีกก็เอาให้มันรู้จักพอดีซะบ้างนี่นะจะได้ไปอ่านพระไตรปิฎกกันนะก็อ่านแล้วก็เนี่ยหนังสือพิมพ์นะเนื้อหารวมๆนะเกี่ยวกับปานาติบาสนี่นะใครไปฆ่าที่ไหนมาไปอะไรที่ไหนมาใครถูกฆ่าใครฆ่าใครฆ่าใครใครถูกฆ่าใครถูกลอบฆ่าก็วนๆเนี่ยปานาติบาสสองอาทินนาทานคนนั้นโกงคนนี้จับได้โกงโกงที่ไหน โกงเมื่ อ, อไหรโกงกี่ล้านอะไรก็ว่าไปก็ที่สามไปกาเมที่ไหนใครถูกกาเมมาก็วนอยู่แถวเนี้ยมูสาวาดไอคนนั้นวันก่อนพูดอย่างหนึ่งวันหลังพูดอย่างหนึ่งตลบตะแรงตอแหลเนนะก็แล้วลลก็มีรายการโฆษณาน้ำเมาขวดนี้ราคาเท่านั้นอันนั้นเท่านี้เนี่ยนะก็ค้าน้ำเมาอนะ่ยก็และอันนี้อาหารอร่อยส่งเสริมเนี่ยนะมือนั้นเป็นมือกินเลี้ยงที่นั่นที่นี่สรุปว่าชวนเราผิดศีลซะส่วนใหญ่ ว่างๆก็แจมมิจฉาทิฏฐิมาบ้างาแต่จริงๆแล้วนะพวกอกุศลทั้งหลายประเภทปาณาติบาตเป็นต้นอันนั้นเป็นเหตุปัจจัยที่สําคัญที่สุดของมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นสร้างอุปนิสัยให้แก่มิจฉาทิฏฐิถ้าเราเพลิดเพลินในวัตถุ ก, กามมากๆเราคิดหรือว่ากามมีโทษเราคิดไหมถ้าสะสมอัธยาศัยอันนั้นนานๆทิฏฐิไหนก็มิจฉาทิฏฐิ ถ้าเราเกลียดขี้หน้าใครเรียกว่าสะสมไอ้ความเกลียดความชิงความชังจนถึงคิดฆ่าได้เราอยากเชื่อไหมว่าผลแห่งการฆ่ามีอยู่จริงเราก็ไม่อยากเชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกอากุศลวิตกสามประการกาลมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอกุศลวิตกเหล่านี้เป็นปัจจัยอย่างเยี่ยมของมิจฉาทิฐินะนี่เป็นอาหารอย่างดีของมิจฉาทิฐิแล้วก็อากุศลวิตกเหล่านี้ทําลายสัมมาทิถิอย่าง อย่างชนิดที่ว่าไม่มีเหลือเลยถ้าโกรธใครปั๊บเนี่ยอริยศัสตร์มาเลยใช่ไหมไม่ค่อยเลยนะลองไปเที่ยวสวนอ่ไเรื่นะไปเที่ยวตลาดขายผ้าที่เราชอบเลยนะโอ้นี่อริยศาสตร์เนี่ยเอาไปสวมทุกขศาสตร์อีกแล้วผ้าพันแผลเนี่ยนะสาธุแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะถึงจะมีบุญมากขนาดไหนก็อย่าลืมวันหมดบุญบ้างนะนี่นะก็มีบุญกับหมดบุญมันก็ไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่ใช่ม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 อุทิศส่วนบุญให้ทําไม่อนุโมทนาอีกก็ไม่รู้จะทํำยังไงอีกนะก็เนี่ยลำบากจริงๆเกี่ยวกับเรื่องบูชาพระองค์เนี่ยนะพระองค์สันเสริญการปฏิบัติบูชามากกว่ามิตรบูชาแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ไม่ได้ตําหนิเรื่องอมิตรบูชานะแต่หมายความว่าสรนเสริญปฏิบัติบูชามากกว่าอมิตรสบูชานักๆเข้ามาอ่านเจอตรงนี้ก็เลยมิตรสบูชาก็หม่ทํามิตปฏิบัติก็กระพร่องกระแพ่งอันนี้ก็ลําบากมากเลย พระองค์สรรเสริญปฏิบัติบูชานะเพราะว่าปฏิบัติเป็นกุศลใช่ไหมอามิตรเนี่ยกุศลที่ตั้งใจบูชาด้วยอมิตรก็เป็นกุศลแต่มุ่งไปที่อามิตรเป็นหลักแต่ทํามุ่งไปที่ตัวกุศลเป็นหลักในการทําบูชาอ น, นั้นแหละมีคุณมากมีผลมากมีอนิสงส์มากดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อ น, นะนอนุนผู้ใดแลไม่ว่าเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมผู้นั้นชื่อว่าสการะคารพนับถือบูชายำเกรงนอบน้อมตถาคตด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยนะที่พระองค์ตัดอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าการบูชาด้วยอ ม, มิตรด้วยวัตถุไม่ยังศาสนาของพระองค์ให้ดำรงอยู่ได้เลยถ้ายิ่งวัตถุกรรมมากๆเลยนะถ้าวัดมีแต่เพชรมีแต่พลอยมีแต่ทองมีแต่อะไรสารพัดเลยนะ คิดหรือว่าพระพิสุที่อยู่ที่นั่นเจริญสมร tha เจริญดีม่อเป็นไหมวิปัสสนาอนุอนก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นทุกข์อันนั่นก็เป็นอนัตตาเลยใช่ไหมไม่ใช่เลยนะมัวแต่กังวลเออนี่ใครจะมาลักพระทองไปหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นต้องระวังให้ดีเดี๋ยวเข้ามาขโมยพระทองนอนก็ไม่ค่อยหลับเป็นต้นเลยนะลำบากเลยเพราะฉะนั้นอามิสบูชาเนี่ยก็มีส่วนเสียหายว่าศิกขาของพระองค์นี้จะไม่ดํารงอยู่นานเั้น ผู้ใจที่ทำบุญไปก็เป็นบุญของผู้นั้นอย่างเช่นมีบุคคลหนึ่งเอาทองไปบูชาพระเจดีย์เนี่ยนะเอาก็เป็นบุญของผู้ให้แล้วใช่ไหมคนยุคหลังๆมาจะไปคิดยังไงกับทองเหล่านั้นเนี่ยนะอ่าพระราชาอีกประเทศหนึ่งยกกองทัพหันเข้ามาเพื่อจะปล้นเจดีย์น่ะแหละ ว, วางง่ายๆนะกองทัพพม่าขนบริวารมามาขนอะไรมาปล้นเจดีย์นะถามว่าได้อะไรไปหลักนี่ย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 าการปฏิบัติบูบชาจักยังศาสนาของพระพุทธเจ้าให้ดำรงอยู่นานถ้าเราท่านทั้งหลายมีใจปรารถนาศึกษาศิกขาสามที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าตุละลึกถึงอธิศีและสิกขาวินัยปิดกขายดี น, นะคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเกี่ยวพระวินัยนั้นจะเจริญรุ่งเรืองถ้าเราน้อมไปในการอบรมสมถาวิปัสสนาพระธรรมคำสอนทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนจกเจริญรุ่งเรืองอันนี้หมายถึงวิปัสสนาในตามพระพุทธเจ้านะ แต่สมัยใหม่วิปัสนาแบบใหม่มันเกิดเยอะเหลือเกินเนี่ยนะก็เลยถ้าเจริญวิปัสนามากๆเข้ า, า, าจะห่างพระไตรปิฎกไปเรื่อยเนี่ยนะอันนี้ก็น่าหนักใจเหมือนกันว่าวิปัสนาของใครก็ไม่รู้ น, นะก็พิจารณาทบทวนเอานะว่าเรามีใครเป็นสาระสาระจริงๆของเราคืออะไรเพราะว่าทุกการใช้คำเนีย่ยนะกรรมของใครก็ของใครใช่ไหมคนที่เขาสอนเราเขาไม่ได้ไปตามรับผิดชอบเราชาติหน้าดอกเชื่อเถอของมาไม่เคยคิดเลยกลับบ้านจะต้องไปเที่ยวรับผิดชอบโยมทั้งหลายเนี่ยนะ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 เราจะไปคิดอะไรง่ายๆรวมๆเมาๆโละๆเนี่ยนะก็จะได้ของโหลไปใช้ก็จะลําบากอีกได้วิปัสสนาโลไปก็ลําบากกันแล้วทีนี้มาดูต่อไปว่าการบูชาแม้บูชาพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าและพระอริยะสาวกก็นํามาซึ่งประโยชน์และความสุขนะพระพุทธเจ้านี้สรรเสริญให้บูชาพระปจเจกับพระพุทธเจ้านะพระองค์ชี้ให้พระปัจเจกให้พระภิกษุสาวกของพระองค์เนี่ยว่ายพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้ามีไหม มีไหมคำนี้พระพุทธเจ้าชี้ให้พระสาวกของพระองค์บูบชาพระประเจกใช่ไม้มในอิสิคิริสูตรอิสิคิริสูตรยกย่องว่าเขาอิสิคิริเนียมีพระประเจกเป็นต้นเนี่มายังไงแล้วพระองค์ก็บอกชื่อของพระประเจกเหล่านั้นบอกให้เธอทั้งหลายน้อมสักการพระประเจกเหล่านั้นบอกให้น้อมสักการนะพระพุทธเจ้ายังแนะนำเลยดูนะอิสิกิริสูตรในมัชฌิมานิกาย อันนัเชื่อว่าอิสิกิลิสู่ที่ว่าด้วยภูเขาอิสิคิลิเนี่ยนะพระองค์ชี้ว่าที่นี่มีพระประเจกเคยมีพระปัเจกรูปใดพระองค์ใดชื่ออะไรเป็นต้นเนี่ยนะแล้วแนะนําให้สาวกเนี่ยนอบน้อมพระปัจเจกกับพรธเจ้า <c oughs> ส่วนบูชาพระสาวกทั่ว ท, วทวไปเนี่ยนะในะเช่นพาหิยะธารุจริยะดับขันตรินิพานไปแล้วใช่ไหมพระองค์ก็ให้เอาพระพระาธาตุของท่านมาทําเป็นเจดี น, นะพระาธาตุภาษาริบุตรพระาธาตุของพระนางประชาปรดีโคตมีพระธาตุของพระอรหันต์เช่นทัะทัพพระมบุตรเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็ให้รวบรวมอัปธาตุเหล่นานั้นมาทําเจดีเพราะท่านเหล่านั้นเป็นถูปรารหะบุคคลถูปรารหะก็คือผู้ควรแก่สถูขผู้ควรแก่การสร้างเจดีให้ น, นะนั้นก็การกราบการไหว้การตามระลึกนึกถึงการนอบน้อมบูชาบุคคลเหล่านั้นก็ยังบุญอันมหาศาลให้เกิดขึ้น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 การที่เคารพนอบน้อมสรนเสริญบูชาบุคคลเหล่านั้นจะทําให้เจริญด้วยอายุวันณนะความสุขและกําลังพระผู้มีพระภาคเจา้าก็ยังตรัสอีกว่าชนเหล่านั้นจักเป็นผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณเป็นผู้นอบน้อมผู้ใหญ่ในสกุลจักยึดถืออักุศน ล, ละธรรมนี้ปฏิบัติก็จักเจริญด้วยอายุวันนะเพราะเหตุสมาทานกุศลธรรมเหล่านี้เป็นต้นนั้นใครที่สมาทาน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 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมงคลแห่งคาถานี้ไว้สามมงคลคืออาเสวนาจะพาลานังอันนี้หนึ่งใช่ปันดิตานันจะเสวนาอันนี้สองสามปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมมัง <c oughs> ในมงคลทั้งสามนั้นพึงทราบว่าการไม่คบคนพานชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์ของโลกทั้งสอง เหตุป้องกันภัยมีภัยในการเกิดเอ่อขอไปเหตุป้องกันภัยมีภัยเกิดแต่การคบคนพานเป็นปัจจัยเป็นต้นก็หมายความว่าถ้าเราไม่คบคนพานซะอย่างเดียวเนี่ยสมมตินะเราไม่คบคนติดยาเสพติดซะอย่างเดียวเนี่ยนะปัญหาทุกเรื่องที่อยู่ในเวทวงยาเสพติดจะมีไหมสําหรับเราไม่มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้แบบหยาบๆนะถ้าเราไม่ไปไปติดทันเป็นเกี่ยวข้องกับพวกเสพยาบ้าเป็นต้นเนี่ยนะ ไม่เกี่ยวข้องกับคนซื้อขายยาบ้าเป็นต้นภัยทั้งหลายปัญหาทั้งหมดก็ไม่มีสําหรับเราในยะอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยนะแม้กระทั่งเราไม่คุกคลีไม่เกี่ยวข้องกับคนที่ล่วงอกุศลกรรมบดสิบ ป, ประการอันนั้นก็เป็นเหตุความเจริญสําหรับเราเพราะเราก็ไม่ต้องไปรับทุกข์รับโทษความเสียหายในความเลวทั้งหลายที่บุคคลอื่นทําแำนะถ้าแม้กระทั่งถ้าเราเกี่ยวข้องยินดีกับคนที่ฆ่าสัตว์เนี่ยนะทำปาณาตีบาตใช่ไหม และเลือกได้ ไ, มไหมในพุท ธ, ธาประทานเนี่ยนะที่พระองค์ปรารบถึงกรรมที่ไม่ดีของพระองค์เนี่ยนะว่าญาติของพระองค์หาปลาได้เยอะดีใจด้วยที่เขาได้ปลาเยอะกรรมมันั้นทําให้ปวดเสียนปวดเสียนมากทําให้พระองค์เนี่ยปวดศีรษะเพราะฉะนั้นค่าใครที่ปวดเสียนส่วนหนึ่งก็อาจจะนุงโมทนาบาปกับที่คนอื่นเขาทาไปเนี่ยนะก็ลําบากเลยนะย คบควรดูว่าเคยหมอะเขาทำบาปแล้วดีใจกับเขาเนอะมันก็ถ้าปวดหัวบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราไปยินดีในสิ่งที่ไม่ควรขนาดเขาทำแล้วเราดีใจด้วยยังมีโทษขนาดนี้นะจะกล่าวไปยายถึงลงไม้ลงมือเองถ่นส่วนการคบบัณฑิตและการบูชาบุคคลที่ควรบูชาชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งนิพพานและสุขตินี่นะ โดยในที่กล่าวไว้ในการพนานาความเพิ่มพูนแห่งผลของการครบบัณฑิตและการบูชาบุคคลที่ควรบูชาแลคือการครบบัณฑิตเนี่ยนะถ้ายัางสาวกทั่วๆไปที่คบพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นดับขันปรินิพานเลยใช่ไหมผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าพระประเจกับพระพุทธเจ้าพระสาวกเป็นต้นของพระพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นของเราทั้งหลายนับตั้งแต่ วันที่เท่าไหร่วันที่เดินทางมาเนีก็ได้ยี่สิบสามใช่ไหมได้มงคลอะไรบ้างก็ขอไปได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาคือการไหว้พระเจดีย์เป็นต้นแล้วก็ยังได้ปฏิบัติบูชานะเพราะว่าการสมาทานอุโบสถการฟังธรรมการถึงสาระพวกนี้ก็เป็นการปฏิบัติบูชาเพราะฉนั้นเราก็ได้ทํากุศลทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกเนี่นะอันนี้ก็นับว่าเป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญของเราทั้งหลายอันะสําหรับภาคบ่ายนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อนคือ <c oughs> คำว่าดีบ้างไม่ดีบ้างหมายถึงว่า <c oughs> ชีวิตตามพระพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวชีวิตเพียงชาติเดียวใช่ไหมเ <c oughs> มื่อไม่ได้กล่าวชีวิตชาติเดียวเนี่ยเราระลึกชาติได้หรือเปล่าไม่ได้เมื่อไม่ได้เนี่ยเราจะกล่าวว่า สิ่งนั้นไม่สมควรแก่เราไม่ได้ในสมัยพุทธากาลเนี่ยมีอุบาสกคนหนึ่งแกฟังธรรมอยู่ทั้งคืนมาฟังธรรมนะมีศรัทธาฟังธรรมทั้งคืนเช้ามาเนี่ยกลับบ้านเขาเอาไปตักคอเฉยเลยถามว่าสมควรหรือไม่คือเขาถือว่าโจนเนี่ยปล้นโจ น, นี่เขาปล้นหมู่บ้านใช่ไหมแล้วก็หนีไป ทหารอิโนยเนยไม่รู้มาจับเอาอบาศกคนนี้ไปแล้วก็ตัดคอเขาว่าอุบาศกคนนี้ไปปล้นมาทั้งคืนไปปล้นมานะแล้วก็ตอนหลังก็ถูกตัดคอจริงๆด้วยพระพิโสก็มาสนทนากันว่าไม่สมควรเลยพระองค์บอกว่าไม่สมควรหาไม่ได้สมควรแล้วแต่ไม่ใช่สมควรในกรรมชาตินี้สมควรในกรรมในอดีตชาติคืออดีตชาตินั้นเข้าเป็น เจ้าหน้าที่รับคนรับส่งคนเนี่ยข้ามฝากข้ามจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งที่นี่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะไอ้ชายคนหนึ่งเนี่ยพาเมียสวยมานี่พาเมียมาก็ไอ้เจ้าหน้าที่นี่คิดยังไงนะจะเอาจะเอาเมียของคนนั้นอะ่ะมาเป็นเมียของตัวก็เลยวางแผนวางแผนจนฆ่าอีกคนหนึ่งได้สำเร็จคฆ่าคนนั้นนะสำเร็จ บอกว่าด้วยเศษกรรมมา น, นั้นเนี่ยมาชาติหลังฟังธรรมอยู่เขายังเอาไปตัดคอเลยนะนั้นถ้ามองโดยเหตุผลยาวๆนั้นจะกล่าวว่าวิบากที่ได้เราได้รับไม่สมควรหาไม่ได้ก็แปลว่าสมควรแล้วแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเรามองชีวิตสั้นไปเราระลึกชาติได้แค่สั้นไปเราระลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาได้น้อยไปแอย่างหนึ่งเรารู้จักคำว่ากรรมน้อยไปนะน เพราะกรรมนั้นตามคติของเราทั้งหลายที่เราศึกษามาก็คือกรรมบางอย่างให้ผลชาตินี้กรรมบางอย่างให้ผลชาติหน้ากรรมบางอย่างให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นวิบากที่เรากำลังได้รับอยู่ขณะนี้ก็เหมือนกันวิบากนะบางอย่างเป็นผลของชาตินี้เจตนาดวงที่หนึ่งเราสะสมกันมาเท่าไหร่ละ่ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่อยู่ในขานเนี่ยมาเจตนาดวงที่หนึ่งเราสะสมมามหาศาล ดวงที่เจ็ดของชาติที่แล้วถัดชาติถัดที่ผ่านมาดวงที่สองถึงดวงที่หกในวัตตะอันไม่มีที่สิ้นสุดนี่นะแสนโกรธกลับเขาก็ไม่ลืมเรานี่นะแสนโกรธกลับก็ไม่ลืมเราในบรรดากรรมที่น่ากลัวที่สุดนั้นดวงที่สองถึงดวงที่หกน่ากลัวที่สุดเพราะเขาไม่ใช่ว่าหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะไม่ใช่แค่ทํากรรมอยู่ครั้งเดียวเนี่ยห้าให้ผลติดกันห้าร้อยกลับยังไง น่าสนใจไหยถ้าบุญก็ยังทั่วเลยนะบุญก็เอาแต่ถ้าไม่ใช่บุญล่ะนั่นแหละจะเห็นว่ากรรมที่ทําเนี่ยนะมันเหมือนอะไรเหมือนกับว่าบางอย่างนะทําแค่ครั้งเดียวใช่ไหมติดคุกหัวโตเลยยาวมากอ่ะนะบางคนเนี่ยประกอบกิจการบางอย่างเนี่ยนะทําอยู่ครั้งเดียวเนี่ยนะสบายไปทั้งชาติมันก็ไม่แน่ใช่ไหมอีกคนหนึ่งทําทั้งวันเนี่ยนะเฉพาะกินได้เช้าเย็นเหมาะแล้วทําต่อ ก็อยู่เท่านี้แหละแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกรรมนั้นเจตนาจริงอยู่เจตนาเป็นตัวกรรมทีนี้เจตนาเนี่ยไปลงในอะไรล่ะเพราะเจตนาถ้าเราเปรียบเหมือนพันธุ์พืชนี่นะพันธุ์พืชนั้นเหมือนเจตนาพันธุ์พืช น, น, นั้นเนี่ยสำคัญที่สุดอยู่ที่ว่าปลูกลงที่อะไรเพราะลงตรงไหนนะถ้าได้ปุ๋ยดีๆนะ ถ้าได้ปุ๋ยดีๆ ด, ดินดีๆเนี่ยพืชก็ให้ผลอย่างมากถ้าได้พืชเอ่อดินดีปุ๋ยดีอุตุสิ่งแวดล้อมสมควรแก่ต้นไม้ชนิดนั้นๆผลก็หาที่สุดไม่ได้ฉันไดกรรมทั้งหลายที่หวานลงไปก็เหมือนกันเช่นว่าถ้าหวานกรรมชั่วด่าพ่อด่าแม่ทำบาปเกี่ยวกับพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยนะอย่างเช่นพระโมคคัลลานะอดีตชาตร้อยชาติที่แล้ว เมื่อร้อยชาติที่แล้วเนี่ยท่านท่านเป็นคนรักเมียมากเมียนี่ไม่ชอบพ่อไม่ชอบแม่เพราะว่าพ่อแม่ของพระโมคคัลลานะในอดีตนั้นอ่ะเป็นคนตาบอดอนะเมียก็ไม่ชอบที่จะต้องอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวที่ตาบอดเนี่ยคือไม่อยากจะเลี้ยงดูพ่อผัวแม่ผัวก็ยุแย่ยผัวเนี่ยให้ฆ่าให้ฆ่าพ่อแม่เธอซะเถอะพ่อแม่ของเธอเลวมากใช้ไม่ได้ไอความที่รักเมียเนี่ยรักเมียเนี่ย แรกๆก็ก็ไม่เห็นด้วยพอถูกเขาเสี้ยมสอนบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ า, ขาก็เลยเห็นด้วยว่าเออพ่อแม่เราก็แก่แล้วก็ควรฆ่าซะก็ก็เชื่อเชื่อเมียเนี่ยนะว่าความความรักเนี่ยก็เลยชวนกันไปชวนกันไปที่ป่าคือคือเอาพ่อแม่เนี่ยขึ้นเกวียนไปพอไปถึงป่าก็แปลงร่างเป็นมหาโจรเองเลย พ่อแม่นี้ก็ความที่รักลูกก็บอกลูกเอ้ยหนีไปเถอะหนีไปเถอะไอ้ลูกก็สวมบทโหดข่าพ่อข่าแม่ด้วยกรรมอันนั้นเนี้ยแกก็หมกไหมในนรกนั่นนะทุกชาติหลังจากนั้นมาเนี้ยจะถูกทุกตายทุกชาติกระดูกเนี้ยเป็นข้าวสารหมดทุกชาติร้อยชาติมาแล้วไอ้ที่ตกนรกในอดีตต่างหากนั่นะแต่ว่าเศษกรรมเนี่ยทาให้หมกไหมยอยู่ในนรก แม้แต่ชาติสุดท้ายท่านเป็นท้าอรหันแล้วกระดูกของท่านก็ยังแหลกเป็นผุยผงถามว่าสมควรหรือไม่ท่านเป็นคนดีตลอดนะชาตินี้ท่านเป็นท้าอรหันแล้วก็เป็นสาวกองค์ที่สองที่ช่วยทํางานพระพุทธศาสนาอย่างมากเนี่ยนะสงเคราะห์พระภิกษุอย่างมากสงเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างมากสงเคราะห์ตระกูลเนี่ยแปดหมื่นตระกูลทําไมถูกทุบอย่างนั้นที่กาลสิลาเนี่ย ที่ที่หินเนี่ยใกล้เมืองราชชเคริกนั่นแหละถูกทุบขนาดนั้นนั่นเสดกรรมอันบางอย่างนะถ้าทาบาปไว้ครั้งเดียวนี่ก็เกินพอเนี่ยก็เกินพอแล้วที่จะรับบิบบากระเบียบบาไม่ใช่ชาติเดียวเนี่ยไม่ใช่ชาติเดียวเหมือนกับปัญหาเนี่ยนะถ้าเราศึกษาชีวิตบางคนเนี่ยนะมีปัญหาที่เรียวกว่าไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราสังเกตดีๆว่าเราเนี่ยทําดีจริงอยู่แต่เราเคยแกล้งใครไว้ไหม บางอย่างนี่แกล้งไว้ครั้งเดียวก็พอ แ, แกล้งไว้ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วเนี่ยนะวิบากเนี่ยโหมันตามติดตามซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าอันในโลกนี้ถ้าถ้าจะน่ากลัวที่สุดเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าเจตนาของเราทั้งหลายเจตนานี่น่ากลัวที่สุดความที่เจตนามันน่ากลัวเนื่องจากว่ามันมีอกุศลเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ มีราค่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้มีบาปอากุศลอื่นๆเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ทันเจตนานั้นจึงมีกําลังอย่างแรงกล้ามันถ้าหากว่าเจตนาเหล่านี้เนี่ยนะมันให้ผลถ้าเป็นอกุศลเจตนามันก็ให้ผลเจ็บแสบปวดร้อนถ้าเป็นกุศลเจตนาให้ผลมันก็เป็นความสุขที่หวานชื่นแต่แล้วเจตนาเหล่านั้ น, น, นเนี่ยนะมันก็ให้ผลเป็นไปในวัตะ แม้แต่ผลแห่งบุญเราท่านทั้งหลายมาด้วยผลแห่งบุญถามว่าน่าพอใจไหมถ้าอยู่อย่างนี้ได้เรื่อยๆหรือโดยมากก็ดีไปแต่ถามว่าสภาพที่เรียกว่าดีสมบูรณ์แบบเนี่ยนะมีได้ยาวไหมผลบุญก็จำกัดแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสังขารทั้งหลายที่เกิดมาในโลกก็มีอายุการใช้งานทุกอย่างก็มีอายุการใช้งานนี่ผลบุญ ผลแห่งบุญยังให้ผลเป็นชราและมรณะนะนะเพราะผลแห่งบุญให้ผลเป็นชาติเมื่อมีชาติก็จําต้องมีชาราและมรณะพอชารามรณะเนี่ยสัตว์ทั้งหลายอาศัยชาราและมรณะนี่แหละทํากรรมทํากรรมอย่างมากเพื่อนําไปสู่การเกิดก็มุ่งไปหาชาราและมรณะนะเผลเหตุแห่งชาราและมรณะนั้นก็คือกรรมกรรมมีอะไรเป็นปัจจัยที่สําคัญนะทําไมกรรมจึงให้ผล เป็นชราและมรณะอะไรมันเชื่อมไหม ท, ทั้งทั้งที่กรรมทําไว้เมื่อแสนกับที่แล้วอะไรเป็นตัวประสานไว้เชื่อมเอาไว้ล่ะอันนะตันหาเป็นตัวประสานไว้เพราะว่าถือว่ายังอยู่ในดินแดนแห่งตันหาอยู่วิบากกรรมไม่รูปนี่ถือว่าเป็นแดนโครจรแห่งตันหาพันเมื่อยังอยู่ในแดนโครจรของตันหากรรำนี่จะไม่เลิกราอันหลายๆคนเนี่ยนะถ้าถึงจะเป็นตอนหลังเนี่ยเออตอนแรกเป็นคน ไม่ดีมาก่อนตอนหลังมาเป็นคนดีมาประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเขาจะลืมตัวอย่างพระอนนท์นี่ดีมากนะนพระอนนท์นี่เมื่ออดีตก่อนหน้านั้นท่านเป็นนายช่างทองเป็นบุตรนายช่างทองผู้ผู้รูปงามร่ำรวยเนี่ยนนี่ความที่รูปงามร่ำรวยท่านก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดคือไม่ได้อาศัยสิ่งเหล่านั้นในการเจริญกุศลกลับไปทาบาปเนี่ยนะโดยเฉพาะมิจฉาจารานเนี่ยนะ ไปล่วงเกินบุตรและภริยาแห่งผู้อื่นจำนวนคำพีท่านใช้คำว่าทำตนเหมือนไม่ตา ย, ยาแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะดวงที่สองถึงดวงที่หกก็นำให้เกิดท่านเป็นบุตรเศรษฐีอยู่คนหนึ่งที่มีฐานะดีแต่ว่าเกิดได้อาศัยกรลยานามิตรเข้าชาตินั้นเป็นเศรษฐีใจบุญทั้งชาติทำบุญตลอดตายแล้วเกิดที่ไหนตกนรกเนีน ตายแล้วตกนรกพอพ้นจากนรกเนี่ยก็มาเกิดเป็นเกี่ยวกับเรื่องถูกตอนอะไรทั้งหลายแลยตอนหลังเนี่ยบุญจึงมาดึงออกไปเกิดเป็นนางฟ้าผู้ชายอยู่ดีๆนี่ไปเกิดเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าก็ลงมาเป็นลูกของพระราชาพ่อก็เห็นผิดอีกเนี่ยแต่ว่าตอนท้ายที่สุดท่านก็กลับมาเป็นผู้ชายผู้ชายตามเดิมอันวัตตะที่ยาวไกลเดินทางระยะยาวเหมือนเรามียานพาหนะเนี่ยนะ เดินทางระยะยาวเราคิดหรือว่ายางแตกไม่เป็นใช่ไหมเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่ายานพาชนะที่เราใช้อยู่เสียไม่เป็นมันก็แตกเป็นมันก็เสียเป็นอยู่แล้วละ่ะเพราะทางมันยาวไกลยาวไกลเกินกว่าที่เราจะเรียกว่าให้มันสมบูรณ์แบบดีอยู่ตลอดไปสังขารทั้งหลายที่เป็นไปในวัฏฏะก็เช่นนี้บางครั้งก็ทําบุญบ้างบางครั้งก็ทําบาปบ้างคิดง่ายๆเดี๋ยวเราก็หัวเราะ เดี๋ยวก็ร้องให้แต่เนื่องจากโตมากก็เลยแสดงแบบเด็กๆไม่ค่อยได้ก็เลยเก็บเก็บเอาไว้นะทุกอะไรก็เก็บเอาไว้เราทําแบบเด็กไม่ได้แล้วเราก็เลยเหมือนกับเหมือนกับสุขุมขึ้นแต่ที่ไหนได้จิตใจก็ต่างกันไหมหลายคนเขาวิเคราะห์ว่าโอ้โหเด็กนี่ยังโทรมันัดขนาดนี้เลยหรือคือเด็กบางคนเนี่ยโทรมันัดแรงมากเขาเสียใจแต่ถ้าถ้าพูดถึงในบรรดาคนที่เสียใจเนะเด็กเสียใจถ้าเทียบแนละ้วนานกว่าผู้ใหญ่นะ แต่ว่ามันไม่ผูกพยาบาทแบบผู้ใหญ่คือเนื่องจากโทมนัสมีกำลังแต่โทสะยังไม่มีกำลังผู้ใหญ่โทสะมีกำลังแต่โทมนัสไม่มีกำลังโทสะเป็นสังขารขันโทมนัสเป็นเวทนาขันเพราะเด็กเขาเสียใจร้องไห้สอืกสอกเสื่ื่นอยู่นอนใช่ไหมแต่ผู้ใหญ่เนี่ยโทสะเสียใจแต่แป๊บเดียวเนี่ยนะแล้วก็กลบเปลืนตัวเองซะบอกปิดแต่โทสะนี่มีกาลังระยะยาว แต่นั่นมันโกรธอะไรแล้วไม่ค่อยเลิกราเด็กๆนี่เสียใจยทะเลาะ ก, กันร้องให้แต่เดี๋ยวก็คืนดีกันแต่ผู้ใหญ่เนี่ยทะเลาะ ก, กันดูไม่มากแต่ว่าชาตินี้สงสัยร่วมสังฆกรรมกันไม่ได้สังฆาบแล้วว่าหมู่นะกรรมก็คือเข้าหมูเข้าพวกอีกไม่ได้ต่อไปเนี่ยะจริงก็เรื่องไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกมันผู้ใหญ่เนี่ยโทสะมีกําลังเด็กนี่โทมันัทมีกําลังแต่ว่าโดยรวมๆเขาเขากลุ่มเดียวกัน เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้พั้นเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะเวทนาทั้งหลายอาศัยอะไรเกิดอาศัยรูปประคันเกิดใช่ไหมในทีฆานักข่สูตรเนี่ยนะเป็นสูตรที่หลายท่านชอบสาธยายก็ดีนะสั้นๆ น, น, นะเจ็บเก็บเอาเฉพาะเนื้อหาสาธยายที่พระองค์ตรัสว่าก็กายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาพูธทั้งสี่มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสด ต้องอบต้องฟันเป็นนิดท่านจงพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเมื่อท่านพิจารณาอยู่อย่างนี้ดังกล่าวแล้วเนี่ยนะก็จะละความเยื่อใยในกายความพอใจในกายความเป็นอยู่ในอานาจของกายในกายได้กันนะ ทีนี้กายอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสบางครั้งก็เป็นสุขเวทนาใช่ไหมเมื่อร่างกายสมบูรณ์ได้รับอารมณ์ที่ดีๆสุขเวทนาก็เกิดขึ้นเมื่อได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นถ้าเป็นอารมณ์กางกลางทั่วๆไปอุเบกขาเวทนาก็เกิดขึ้นขณะใดที่เสวยสุขเวทนาขณะนั้นก็ไม่มีเวทนาอย่างอื่นมีแต่ความสุข ขณะใดที่เสวยทุก์ก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีเวทนาอย่างอื่นมีแต่ทุกขอย่างเดียวขณะใดที่เฉยขณะนั้นต้องมีแต่ความเฉยอย่างเดียวสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปก็สุขเวทนานี่ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งเพราะต้องอาศัยวัตถุและอารมณ์ใช่ไหมหเมื่อวัตถุเปลี่ยนไปอารมณ์เปลี่ยนไปเวทนาก็เปลี่ยนไปเมื่อเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงอทุกขมสุ ข, ขเวทนาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอริยสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้จะเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาความสุขก็เป็นของหน้าเบื่อหน่ายใช่ไหม พระองค์ตรัสว่าให้เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ทาไมจึงทุกข์ล่ะอยู่นานไม่ล่ะความสุขอันนั้นก็ไม่นานให้เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นนางลูกศรเสียดแทงไงความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่มันเสียดแทงจริงๆแล้วก็เห็นอทุข์ขมสุขขเวทนาคืออุเบกขาโดยความเป็นของไม่เที่ยงถ้าผู้ใดเห็นสุขขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ได้เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นเป็นลูกศรได้ เนอุเบกขาเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้เข้าจากสงบราคะโทสะและโมหะที่อาไปเพราะผู้ที่พิจารณาสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์จักะราคะได้ผู้ที่พิจารณาเห็นทุกขเวทนาเหมือนดังลูกศรจักะโทสะได้ผู้ที่พิจารณาอุทุกขมสุขคืออุเบกขาเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงจักะโมหะได้นะ มันก่อนยังนึกถึงที่ว่าอุเบกขาเวทนาเป็นเหตุใกล้แห่งโมหะใช่ไหมแต่ความจริงนั้นหมายถึงว่าไม่พิจารณาถ้าไม่พิจารณาต้นเหตุแห่งเวทนาเหล่านั้นเวทนาเหล่านั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งโมหะถ้าพิจารณาก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะแต่ถ้าว่าโดยรวมๆก็คือใกล้แต่ไม่ได้ว่าผู้อุเบกขาจะต้องมีโมหะเสมอไปเพราะว่าเหตุแห่งอุเบกขาเนี่ยบางคนนั้นตั้งอยู่ในความสุขุมรอบคอบ เพ่อนี้จะไม่ค่อยโสมนัสมากนะักนะเพราะว่าว่าด้วยอำนาจของการพิจารณาผู้ที่พิจารณามากๆจะไม่ค่อยโสมนัสมากจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ปัจจัยที่จะทำให้โสมนัสโทมนัสที่มีกำลังเนี่ยมันค่อนข้างมากนะก็ว่าเป็นรายคนไปการพิจารณารูปที่แสดงแบบย่นยอ่อกับพิจารณาเวทนาแบบย่อๆหรือเวทนาสามเนี่ยนะ ถ้าใครสามารถเพียงเพ่งพิจารณาอย่างนี้ได้ ม, มากมากสามารถเจริญได้เป็นอัธยาศัยก็เชื่อว่าเพียงพอที่จะดับทุกข์ได้เพราะรวมๆนี่นะกายใครก็ตามก็ประชุมแห่งมหาพูดทุกคนก็เสวยเวทนาสามก็มีอยู่เท่านี้จริงๆถ้ากรรมมศกตาดีพิจารณาให้มากให้ละเอียดอย่างรอบคอบพิจารณาอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดสายก็เพียงพอที่จะดับทุกข์ เชื่อไหมว่าสูตรนี้ภาษาริบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์พระสูตรนี้อนะเรียกว่าทีฆะนักขาสูตรเนี่ยนะที่ทาสุกระขาตามันเนื้อหาแต่ย่นยอ่อแต่ถ้าไปพิจารณาแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะขึ้นต้นกับมาลิซ้อนอ่ะนะเดียวไปเรื่อยแล้วกันนี้เสียคนก็ ง, งานนี้ก็บอกว่าอะไรนั่นทำมกเทศยามทรายขึ้นแล้วก็ว่าไปเรื่อยคำว่า ง, งานไม่รู้จบที่ไหน เขาบำรุงอาโปธาติเองละต้องอาโปธาตแบบเตโชนี่หน่อยมาขึ้นมงคลต่อเลยเนาะมงคลได้กี่มงคลแล้วนี่สามมงคลนะมงคลข้อที่หนึ่งการไม่ครบคนพานแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าใครเป็นพาน่ะ ก็ความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจเนี่ยนะกายะหรืออีกในหนึ่งก็อกุศลกรรมบทสิบเป็นเครื่องวัดในความเป็นพานพันขณะใดาก็ตามที่อากุศลกรรมบท10บเกิดแก่บุคคลใดเมื่อใดบุคคลนั้นเรียกว่าขนพานความเป็นบัณฑิตก็อากุศ ล, ลกรรมบท10ประการเนี่ยนะทั้นใครที่กประพฤติในอกุศลกรรมบทโดยมากผู้นั้นก็เรียกว่าเป็นพาน ผลแห่งความเป็นพานก็คืออบายทุกขติวินิบาศนรกเนี่ยนะงนั้นถ้าอยู่ที่นี่ใครมานสิการเสียงบ้างหรือได้ยินแต่เสียงแอร์นะกลางคืนได้ยินเสียงบ่อยไหมมีกบแปลกประหลาดร้องไม่เหมือนเสียงกบเลยนะกันเลยนะเขียตะปาดใช่ไหมร้องดัง แ, แปลกๆกันเลมันนั่นเสียงของหมู่เดราชานทั้งหลายถ้าใครระลึกนึกถึงเหตุนเนี่ยนะ นั่นเป็นผลแห่งทุจริตสามกายทุตเจริตวิจีทุจริตถ้าหากว่าเขาไม่ประพฤติทธธุตจริญสามเขาไม่ทุกเช่นนี้เป็นแน่เนี่ยเขาเขาทุกมากเขาเดือดร้อนมากอย่างที่น่าเห็นใจเนี่ยอย่างมดเนี่ยนะขอมานี่สงสารมดเหมือนกันนะตัวมันนิดเดียวเนี่ยถ้ามันหิวน้ํามันจะทํำยังไงมันก็ลงไปในน้ําใช่ไหมพอลงไปในน้ํามันก็น้ําพัดไปถ้าอยู่ข้างบนเลยมันก็ดื่มน้ําไม่ได้ มันเหมือนกับคนที่ไปอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยนะอา้าวมดก็กินสิสัตว์ทั้งหลายนี่ต้องอาศัยมหาพุทธขาดมหาพูทธอยู่ไม่ได้หรอกเน ย, เนยมันต้องมหาพูทมาเติมมหาพูทธตลอดนะนะแล้วก็มันเวลามันไปสแสวงหาอาหารเนี่ยนะมันก็ถูกสัตว์อื่นกินอีกแต่ปริมาณมันมากเราจาตัวไหนเป็นตัวไหนไม่ค่อยได้เราก็เลยนึกไม่ค่อยออกว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าว่าโดย ร, มรวมๆแล้วเขาเขาเดือดร้อนมากแล้ว ถ้าทางเดินขึ้นกุฏินะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นไอ้ทากอะ่ะมันก็ต้มเตียมต้มเตียมต้มเตียมไปเนี่ยนะทีเราก็โวแต่เดินคิดเรื่องอื่นดูที่อื่นอยู่ก็ดังกรอกขึ้นมาแล้วก็รู้ละในมีหมอมีพยาบาลไปรักษาซากคนเนี่ยนะแล้วก็ไม่รู้จะไปสายตรงไหนนะเพราะมันกระดูกมันอยู่ข้างนอกเห็นไหมกระดูกไม่อยู่ข้างในแล้วมันบาดกี่ตำแหน่งอะคิดดูทุกขะกายยะวิญญาณกว่าจะตายถ้าตายด้วยทุกขาวิญญาณทุกขะกายยะวิญญาณถามว่าควรเกิดที่ไหน นั่นจากอบายสู่อบายจริงๆนั่นนะธมวอไปคิดถึงนางทากอีกตัวหนึ่งก็เดือดร้อนแน่ออไม่ต้องไปไหนแล้วก็วนๆอยู่ในแถวถากนั่นแหละมาขึ้นมงคลเลยนะปฏิรูประเทสวาโสาจปะปุเพกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปเนธีจะเอตัมมังคลมุตตามั ง, ม, ม, งมงคลข้อนี้สำคัญมากนะเพราะเป็นจักเป็นเหตุที่จะทำให้ถึงความสุขและความเจริญในหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบเอดนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ถูกเทพพบุตรขอมงคลอย่างเดียวว่าพรูหิมังคารมุตตะมังอันนี้เป็นเอกพจน์นะขอมงคลแต่อย่างเดียวว่าขอได้โปรดตรัส บ, บอกมงคลอันอุดมแต่ก็ตรัสถึงสามมงคลด้วยคาถาเดียวเปรียบเหมือนบุรุษใจกว้างถูกขอแต่น้อยแต่ก็ให้มากยิ่งไปกว่านั้นยังทรงเริ่มที่จะตรัสมงคลอื่นอีกเป็นอันมาก น, นะใจกว้างจริงๆเลยนะพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะ ก็ตรัสว่าปฏิรูปะเทสวาโสจะปุเพจักตะปุญญตาอัตสัมมาปณิทิจเตตมังคลมุตตะมังเนี่ยนะก็เพราะเทวดาทั้งหลายอยากฟังเพราะมงคลทั้งหลายมีอยู่และเพราะมงคลคนใดๆอนุกูลแกสัตว์ใดๆทรงมีพุทธประสงค์จะทรงประกอบสัตว์นั้นๆเอาไว้ในมงคลนนั้นๆคือพระองค์ต้องการให้สัตว์นี้ได้รับมงคลทวนอีกครั้งว่ามงคลคคืออะไรเหตุแห่งความเจริญ พระองค์นี้ประสงค์ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้รับเหตุแห่งการหเหตุแห่งความเจริญมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่คําว่าปฏิรูป ะ, ะปฏิรูโปก็มาจากปฏิรูปะที่แปลว่าสมควรโอกาสเป็นที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นคามนิคมนะครชนบทก็ชื่อว่าเทศะเทศะนี่แปลว่าที่อยู่นะคามนี่แปลว่าหมู่บ้านนิคมก็คือตําบลนะครก็คือ อำเภอชนบทก็คือจังหวัด น, น, นะแปลว่าด้วยหรือไทยๆก็เรียกว่าและอะ น, นะคุณวิลาวันและคุณชูศรีอย่างนี้นะเขาเรียกว่าและอะนะก็บอกว่าวิลาวันจะชูศรีจะเนี่ยนะอย่างเงี้ยจะตัวนั้นแปลว่าและหรือแปลว่าด้วยก็ได้วาสะแปลว่าการอยู่เนี่ยนะปฏิรูประเทสวะโสถ้าแปลรวบตามศัพท์ก็คือการอยู่ในประเทศที่สมควร บอว่าปุเพแปลว่าแต่ก่อนคือในชาติที่ผ่านมาชาติที่ล่วงมานะปุเพอะไรปุเพกะตะปุญญาตาทําบุญไว้แล้วในชาติก่อนข้อสามก็ความเป็นผู้มีกุศลอันสั่งสมแล้วชื่อว่าความเป็นผู้มีบุญอันทํำไวแล้วเนี่ยนะปุเพกะตะปุญญาตาคําต่อไปก็อัตตะสัมมาปณิทิอัตตะสัมมาปณิทินี่แปลว่า อัตตะหรืออัตตาตัวนั้นแปลว่าจิตก็ได้แปลว่าอัตภาพทั้งหมดก็ได้เรียกว่าอัตตาอัตตะที่เรียกว่าตนตนเนี่ยคําว่าตนเนี่ยหมายถึงจิตก็ได้หมายถึงอัตภาพก็ได้การประกอบไว้คือการตัここ้งความปรารถนาของตนเอาไว้ชอบอธิบายว่าการตั้งตนโดยชอบชื่อว่าอัตตะสัมมาปณิทิ<ะ>การตั้งตนไว้โดยชอบคือการตั้งความปรารถนานนก็คือปรารถนาะดีここ รู้จักตั้งความปรารถนาเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิดงนั้นการตั้งความปรารถนานี้ควรทำหรือไม่คว ร, ควรเพราะเป็นเหตุแห่งความเจริญเป็นมงคลสรุปในคาถานี้นะหนึ่งปฏิรูปรเทสวาโสการอยู่ในประเทศที่สมควรปรเุเพจกตะปุญญาตาความเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แล้วในชาติก่อน 3ก็อัตตะสัมมาปณิธิการตั้งความปรารถนาไว้โดยชอบตั้งความปรารถนาไว้โดยถูกต้องทั้งหมดทั้งสามข้อนี้เรียกว่าเป็นมงคลทีนี้มาขึ้นมงคลที่สี่ดังกล่าวไปนะทบทวนเพราะเมื่อกี้นี้เน้นขยายโดยสัพทีนี้มาขยายโดยอัตถะเนื้อความว่าส่วนการพนันาความพึงทราบดังนี้ในประเทศใดบริษัทสี่ยังจาริกอยู่ ยังบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุมีทานเป็นต้นอยู่ณวังฆาสตุศาสตร์คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยองค์เก้ายังรุ่งเรืองอยู่ประเทศนั้นชื่อว่าปฏิรูประเทศันนที่ใดที่ให้ทานได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาได้ที่นั่นก็เรียกว่าปฏิรูประเทศนี่ในที่หนึ่งในที่สองพระไตรปิฎกคือคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้านะจะเรียกองค์เก้าก็ได้ นวะบวกอังคะบวกสัตว์ทุบวกาศาสนานวะแปละวะ่าก้าอังคะแปละวะ่าองค์สัตว์ทุหมายถึงพระพุทธเจ้ า, าศาสนะก็คือคําสอนถ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยองค์ก้ายัางมีอยู่ว่าเรียกว่านวังคาสัตวุศาสตร์คําสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ที่ใดที่นั่นเรียกว่าปฏิรูประเทศเห็นไหมคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้านับย่อๆนับหนึ่งก็ได้ใช่ไหม หนึ่งเรียกว่าวิมุตติรสหนึ่งโดยรถสองทมกับวินาสามปิดกสามห้าเนกายห้าเก้าคือองค์เก้าสุตตะคยะวยกากรณคาถาอุทานิติวุตกะเป็นต้นนะนะถ้าเป็นธรรมขันก็แปดหมื่นสี่พันถ้าธรรมขันพันที่ใดมีคำสอนที่นั่นก็ปฏิรูประเทศเพราะฉะนั้นบ้านคุณบุญชูก็ปฏิรูปประเทศ อันนกะ็มีพระต่าิดกอยู่ที่นั่นอ น, นะัมีเอ็มดีมีซีดีมีอะไรฟังถ้าฟังเทพฟังธรรมได้นะถ้ามีใครถามว่าคุณบุญชูตอนนี้ไม่บวชหรือบอกบวชแล้วบวชอยู่วัดไหนบอกอยู่วัดตะใช <c oughs> ่นนะเอาก็ยังอยู่ในวัดตะแต่ประพฤติศีลใช่ไหม <c oughs> เอายังอยู่ในวัดตะแต่ว่ายังประพฤติศีลไงศีลก็สิกขาสามเป็นการบวชในธรรมมี่ไนนี้ใช่ไหม แต่ว่ามันอยู่วัดแบบนี้ไม่ได้ก็อยู่วัดตากอยู่ในกรรมวัดวิปากวัดเนี่ยวนๆอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าประพฤติศิขาสามอยู่อย่างนั้นเ น, นี่ก็ขอให้บวชได้บวชอยู่ในวัดตะนี่แหละเพราะว่าบวชเสร็จแล้วจะออกจากวัดตะได้การอยู่อาศัยในปฏิรูปประเทศนั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นปัจจัยแก่การทําบุญของสัตว์ทั้งหลายเนี่นะใช่ไหมถ้าหากว่าได้อยู่ในประเทศถินฐานที่เหมาะสม อย่างประเทศไทยเนี่ยนะเข้าพรรษาก็ให้ทานได้ใช่ไหมเทศกาลเข้าพรรษาก็ให้ท า, านกันในพรรษาก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่สมาทานศีลกันเนี่ยนะก็มีการสมาทานศีลไปนอนวัดจําอุโบสถเป็นต้นเนี่ยนะถึงจะโควตาละกะอุโบสถก็ขอให้มีบ้างเถอะเนี่ยนะถึงจะอะไรก็ดีกว่าไม่มีอุโบสถเลยดีกว่าคันถ้าอุโบสถกันแล้วกัน น, นะนะขอให้สมาทานรักษาศีลบ้างเถอะ ก็ออมามีความคิดอย่างนี้ว่าใครที่ได้ทําบุญบ้างะนะก็ดีแล้วอย่าได้ทําบาปที่มันบริสุทธิ์เลยว่าไงให้มีบุญแสกๆอยู่ยบ้างก็ยังดีงนะ น, นี้ที่สําคัญที่สุดนะการอยู่ในปฏิรูปประเทศอย่างเช่นถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยที่เรียบเรียงอัตลกษานี่ก็บอกว่าเกาะสิงห์หนก็นับว่าปฏิรูปประเทศตอนนีข้ของเราอยู่ประเทศไทยเราก็บอกประเทศไทยใช่ไหมปฏิรูปประเทศ คนศรีลังกาเขาบอกศรีลังกานี่แหละปฏิรูปประเทศสมัยนั้นนะเนีเพราะว่าที่ศรีลังกาเนี่ยนะเขาก็สมัยนั้นเนี่ยสมัยพระพุทธโคสาจารย์อยู่เนี่ยาศาสนารุ่งเรืองมากสมัยพศแถวแถวพศก่อนเก้าร้อยเนี่ยแล้วก็พันต้นต้นเนี่ยาศาสนารุ่งเรืองมากบางยุคบางสมัยเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าองค์ไหนเป็นพระพิโสปุุชนอาสนะทุกอาสนะที่พระนั่งฉันเนี่ยมีนั่งฉันและบรรลุได้มีหมดทุกอาสนะ นนะทุกอาสนะมีพระอริยะเนี่ยเนีพรามาก็เลยนึกไว้แหมปีที่แล้วเนี่ยเมษาต้นเมษาเนี่ยแหมคิดจะไปเจริญสังฆคุณที่ศรีลังกาซะหน่อยไม่มีบุญเพราะไม่มีพาสะปอร์ต น, นะนี่มีแต่ตัวแต่ไม่มีพาสะปอร์ตก็เลยไปไหนก็ไม่ได้ก็เลยได้บุญเหมือนการโน่นไปเฝ้าทุ่งจ้อนาะน่นะคุยกับคุณมุนชูอยู่ทุ่งจอได้ปฏิรูปประเทศอีกที่นึง อันปฏิรูปประเทศเนี่ยนะเป็นเป็นสถานที่ที่เรียกว่าดินแดนแห่งพระเดียเจ้าทั้งหลายนะเรียกว่าปฏิรูปประเทศไปที่ใดที่สามารถให้ทานได้รักษาศีลได้ฟังธรรมได้ที่นั่นเป็นปฏิรูปประเทศทีนี้ความเป็นปฏิรูปประเทศเนี่ยท่านบอกว่าเป็นที่ที่พุทธบริษัทจาริกอยู่ก็ที่ใดก็ตามถ้ามีพระภิสุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ที่ท่านเหล่านั้นมีการให้ทานมีการฟังธรรมมีการรักษาศีลที่นั่นก็เป็นปฏิรูปประเทศของกลุ่มเราทั้งหลายนะห้องประชุมนี่ปฏิรูปประเทศที่กรุงเทพก็บ้านคุณหลานเป็นปฏิรูปประเทศ <c oughs> <c oughs> ก็มีอยู่ทถาๆนั้นนะทีป่ปฏิรูปประเทศสําหรับที่จะได้ร่วมเรียนด้วยฟังธรรมเนี่ยนะอันปฏิรูปประเทศของสําหรับกลุ่มเราทั้งหลายก็มีหลายแห่งนะแต่ถ้าเป็นพุทธบูชาเนี่ก็มี ทุกเกือบทุกจังหวัดเลยนะปฏิรูปประเทศพุทธบูชาก็มีหลายจังหวัดฟังธรรมก็ตอนนี้ก็เคลื่อนที่บนรถก็ได้แต่ที่เรียนก็ค่อนข้างจะคัดค่อนข้างจะเหลือไม่กี่แห่งอนะก็คัดคัดไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นขอให้จาริศเอาธรรมวินัยเป็นหลักเป็นประธานอนะนะปีที่แล้วเนี่ยในพรรษานี่ก็ฟังธรรมบ้านคุณชูศรีนนท์นัน่งข้างหลังเนี่ยทางพรรษาอีกเหมือนกันนะก็ปฏิรูปประเทศนี่ยนะปีนี้ได้ยินปารคกับโยมพ่อว่าปีนี้ไม่มีแล้ว ปีก่อนนั้นก็มีนะมีทั้งพรรษาเลยบางปีก็ลุยน้ําไปเทศก็ได้ทําบุญทั้งพรรษานี่อีกในหนึ่งแต่ถ้าปฏิรูปประเทศสําหรับการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เป็นต้องมีปฏิรูปประเทศนะอย่างประเทศเป็นที่ตรัสรู้พระโพธิญาณคือที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าโพธิมันทสถานประเทศที่ทรงประกาศธรรมจักรประเทศทีทศท่โคนต้นมะม่วงของนายคันดม ที่แสดงยมกะปาติหารทำลายความเมาของพวกเดรถีทั้งปวงท่ามกลางบริษัทสิบสองโยตประเทศที่เสด็จลงจากเทวโลกก็หรือประเทศใดอันเป็นที่ประทับอยู่ของพระพุทธเจ้ามีกรุงสาวัตถีกรุงราชครึกเป็นต้นปฏิเทศนั้นชื่อว่าปฏิรูประเทศอันนี้ก็เป็นปฏิรูประเทศเนี่ยนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเลยเป็นปฏิรูประเทศเพราะเป็นปัจจัยแห่งการได้อนุตริยะหประการ เช่นถ้าสมัยพุทธการนะทัศนานุตริยะใช่ไหมได้เห็นพระพุทธเจ้าสองสาวนานุตริยะได้ไรได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสามลาพานุตริยะเพราะได้สัพานในพระรัตนตรยัยสี่เสขานุตริยะเพราะจะได้อบรมที่ศีลอธิจิตอธิปัญญาห้าปาริจาริยานุตริยะได้บำรุงพระรัตนตรยัย แล้วก็สุดท้ายอนุสตาอนุตริยะได้ละลึกถึงพระรัตนตรยัยของอาตมานี้ถ้าบุญไม่ตกหล่นสักก่อนเนี่ยออกพรรษานี้ก็จะได้ไปสถานที่ที่กล่าวไปถึงเนี่ย น, นะโพที่มันทาสถานตอนนี้เรียกว่าพุทธคยาตอนนี้เรียกว่าพุทธคยาสถานที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมจักรเรียกว่าสารานาศารณ า, าหรือพารณสีพารณศี สถานที่พระองค์แสดงยงมากาบปาฏิหารก็เมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีที่ปีก่อนหน้าน้นเนี่ยนะไปครบคำพอดีเลยก็เลยได้ไปแสดงคำบนนั้นเลยนะเขาก็มีถ่ายภาพกันโยมโตเขาถ่ายภาพมาให้ดูอยู่เหมือนกันนะเขาส่ง ม, มาให้คุณภาเขาถ่ายมาภาพมาให้ดูที่ที่บนยอดบนยอดตรงนั้นเลยนะบนยอดที่ที่แสดงยงมากาบปาฏิหาร ตอนแรกเขาไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นเจดีเขาเรียกว่าเป็นเนินดินเรียกว่าสําคัญสําคัญอยู่เหมือนกันแต่ตอนหลังก็รู้ว่าตรงนั้นคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกัปาฏิหารเนี่ยนะตรงที่ใกล้ใกล้วัดวัดเชนเลยนะใกล้ๆวัดไทยสาวถีก็จะมีแต่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะถ้าขึ้นไปบนยอดเจดีแล้วบอกว่าเชื่อเลยว่ามีบริษัทประชุมกันสิบสองโยตจริงๆถ้าเราขึ้นไปอยู่บนนั้นเนี่ยมันจะรัศมี อ่เป็นร้อยกิโลเมตรเนี่ยมองเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นอ่าตำแหน่งค่อนข้างดีสถานที่ตรงนั้นนะที่พระ อ, องค์แสดงยงมกะปารติหารส่วนที่เสด็จลงจากเทวโลกก็คือตอนนี้เรียกว่าเมืองสังกษะเมืองสังกษะแล้วก็เมืองสาวัตถีเมืองราชเครึกนนะหลายท่านในที่นี้ถ้ามีบุญนะนะบุญไม่ตกหลน่นหายไปก่อน <c oughs> ก็คงได้จาริกไปเจริญกุศลตรงนั้นเนี่ยนะสามารถ ไปให้ทานสถานที่แถวนั้นได้มีโอกาสสมาทานศีลสรรเสริญพระคุณพระรัตนตรยัยไปละลิกถึงคุณพระรัตนตรยัยนั้นก็ถ่ายเอกสารสิบห้าเล่มนั้นก็ยมเบนจาไปดูให้ทันกันแล้วกันบอกมีวันละชั่วโมงเนี่ยนะไม่รู้จะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่างั้นออกมาก็ถ้าอย่างนั้นก็เอาอย่างงี้นะอย่าไปหนักใจอย่าไปลําบากใจเลยอันนะอ่านเท่าที่อ่านได้ไปแล้วกลับมาก็ได้อ่านต่อนะ กว่าจะจุติก็คงจะจบว่างั้นอ่านไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวของมัมาจะอ่านไปเผื่อจะเล่าให้ฟังเท่าที่เล่าได้ถ้าเล่าทั้งหมดเดี๋ยวไม่ต้องกลับบ้านแล้วนะหมดนั่นก็อจบพอดีเลยนะจบชีวิตด้วยจบเนื้อหาด้วยเพราะปฏิรูปประเทศเหล่านั้นเนี่ยนะสามารถที่จะได้เห็นทัศนานุตรยะอย่างประเทศไทยตอนนี้ก็นับว่าทัศนานุตรยะหนึ่งได้เห็นเจดีแทน อันนะถือว่าเป็นสาธกะสัมปชัญญะที่ใดที่อยู่แล้วเห็นเจดีนะประเทศนั้นสมควรข้อมาเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวชอบภาคเหนืออยู่ข้อนี้เธอได้ว่ายเจดีมากที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าหันไปทางไหนก็มีแต่พระเจดีหันไปทางไหนก็มีแต่เจดีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสา ม, มารถว่ายพระเจดีได้บ่อยได้มากกว่าที่อื่นอย่างเนี่ยเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะได้ว่ายเจดีตั้งแต่วันที่ เท่า ไ, ไรคุณบุญชยี่สิบสองเลยนะของมาเนี่ไล่ตั้งแต่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่นนะยี่สิบ้าเนี่ยเพิ่งมาหยุดวันนี้นะวันนี้ก็ยังมาเนี่ยได้ทําบุญกันต่อเนลยนะขนาดนั้นก็ยังมีคนไปไหว้พระเจดีย์อีกนะในเนี่ยคุณว่าร้างคนาเป็นต้นก็ไปไหว้พระเจดีย์อีกเมื่อเช้าเนี่ยแสดงว่าไม่ขาดเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นต้นก็จะไปไหว้ต่ออีกวะนะก็แสดงว่าได้ทําบุญอันนี้ก็นับว่าเป็นทัศนานุตรยะที่ได้เห็นพระเจดีย์เป็นต้นคุณรุ่งเห อาจจะเสียแพ้คุณรุ่งนี่แหละเขาเป็นสถา์เป็นนักวาดภาพอยู่ใกล้ๆพระเจดี JD, ก็เลยเห็นเจดีทุกวัน น, นะแล้วจะมีอะไรจะฝากคุณรุ่งไปไหว้พระแทนหน่อยนี้ข้อต่อไปนะว่าสวนานุตุริยะเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วได้ฟังธรรมเนะี่ยตรงนั้นก็เป็นสวนานุตุริยะประเทศใดที่เกื้อกูลต่อการฟังธรรมนะประเทศตรงนั้นนี่น่าสนใจมันถ้าเป็นของอาตมานะประเทศที่ได้ฟังธรรมที่สุดนี่มันเคลื่อนที่มันไม่ค่อยแน่นอน ก็เลยไม่รู้ว่าที่ตรงไหนกันแน่มันปฏิรูประเทศเนี่ยนะเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยอะนะสวรรณานุตรยาก็หานะว่าที่ใดที่เกื้อกูลต่อการฟังธรรมที่สุดเนี่ยนะก็ที่ใดที่อ่านพระธรรมได้ดีทำไมนี่ก็อย่าเอาฟังอย่างเดียวนะเอาอ่านด้วยผู้ที่อ่านเนี่ยค่อนข้างจะเบาเบากับฟังเพราะฟังนี่มันต้องมีไฟฟ้ามีองค์ประกอบใช่ไหมมีองค์ประกอบมีปัจจัยเยอะมากที่จะได้ฟังเนี่ยนะ แต่ถ้าอ่านนี่ก็ใช้ปัจจัยน้อยกว่าฟังถ้าอ่านนะในยุคนี้ใช้ปัจจัยน้อยกว่าฟังคําว่าปัจจัยนี่หมายถึงองค์ประกอบนะอันการฟังธรรมเนี่ยเกื้อกูลมากเดี๋ยวเราเรียนถึงมงคลข้างหลังต่อไปเนี่ยส่วนทัศนานุตริยะเนี่ยนะก็อยู่ในหัวข้อว่าสมนานานันจะทัศนังก็อยู่มงคลข้อต่อไปใช่ไหมสวนานุตริยะก็อยู่ในกาเลนธรรมสวานังก็อยู่ที่การฟังธรรมแล้วนะเองสาม ลาพานุตริยะก็อยู่ในปูชาจะปูชนียานังอะ น, นะการบูชาที่บุคคลที่ควรบูชานี่ก็ถือว่าได้ลาบแล้วหลายท่านเนี่ยดีใจมากที่ได้กราบได้ไหว้ได้ละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าใช่ไหมมีมือทั้งสองก็ยกพุ่มให้เป็นเหมือนดอกบัวเป็นบูชาใช่ไมถือว่าสิบนิ้วอันรุ่งเรืองบูชาพระรัตนตรัยอะ น, นะมีศีรษะก็ไม่มีมานะก็ก้มลงกราบนนะ มีเครื่องส ก, การะ ก, ก็ระลึกถึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นลาบอย่างยิ่งแล้วเป็นลาบของเราเราได้ดีแล้วเนาะที่ได้นับถือพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐนี่เรายังได้มีการศึกษาเรียกว่าศิกานุตริยะใช่ไหมมีการสมาทานอธิศีลสิกขาะหลายท่านในที่นี้วันนี้ก็สมาทานอุโบสถ อนะสินห้านี่ก็ถือว่าสมาทานก็นับว่ามีบุญมากแล้วที่ได้สมาทานศีลห้าถ้าได้สมาทานอุโบสถได้ก็เป็นความประเสริฐยิ่งกว่าสินห้าะมั้นก็นั่นก็เป็นอะไรนุตริยะสิกขานุตริยะเราฟังธรรมอยู่นี่ก็เป็นการอบรมอธิจิตและอธิปัญญาขณะที่เราปรารลพุทธคุณอยู่ก็เป็นการเจริญอธิจิตตะศิขาขณะที่มรณสิการอริยสัจก็เป็นอธิปัญญาสิกขาเพราะนั้นของเราก็อบรมทั้งอธิจิตตะศิขาและ ที่ปัญญาศึกขาควบคู่กันไปอันนี้ก็เป็นศึกขานุตริยะอย่างอื่นอีกนะปาริจารยานุตรยะเนี่ยนะก็ได้บํารุงพระรัตนตรยัยเนี่ยนะอย่างอย่างสถานที่ตรงนี้ผู้การก็ถือว่าบํารุงพระรัตนตรยัยใช่ไหยหลายท่านก็ช่วยกันร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเพราะว่าถ้าไม่อาศัยอย่างนี้ไม่ได้ปัจจัยพร้อมเนี่ยเราจะได้ยกย่องชมเชยพระพุทธเจ้าหรือเราจะได้มีการศึกษาพระธรรมหรือ เป็นต้นเนี่ยนะเราจะได้มีสถานที่ที่สปายะเกื้อกูลต่อการรักษาศีลหรือเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็นับว่าเป็นปาริจารยานุตริยะแต่ละคนก็ได้บำรุงพระพุทธเจ้าตามสมควรแก่สติกำลังผู้ที่มีวัตถุภายนอกก็บำรุงด้วยใช้วัตถุภายนอกผู้ที่มีศรัทธาก็บำรุงด้วยศรัทธาท่าะะ น, นก็อาศัยกุศลธรรมเหล่านี้การบำรุงพระพุทธเจ้าก็แบ่งเป็นสองอย่างไหมบำรุงด้วยปัจจัย4ี่กับบำรุงด้วยการปฏิบัติเนี่ยนะ บำรุงด้วยปัจจัยสี่ก็เรียกว่าอามิสบูชาใช่ไหมการบำรุงด้วยการปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิบัติบูบชาทั้งอามิสบูชาทั้งปฏบิบัติบูชาก็ช่วยให้พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ได้ต่อไปดำรงอยู่ที่ไหนที่ใจของศาสตร์ทั้งหลาย น, นะจริงๆแล้วถามว่าเพื่อประโยชน์แก่พระรัตนตรยัยหรือประโยชน์ของเราทั้งหลาย ประโยชน์ของเรานะพระพุทธเจ้าสุขโตไปดีแล้วพระธรรมคําสอนปราศจากมนทินคือราคะเป็นต้นหมู่พระอริยสองมีภาษารีบุตรเป็นต้นปฏิบัติดีแล้วแต่ศาสนาของศาสดาที่ดํารงอยู่ได้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนนะก็คือรวมพวกเราอยู่ในนั้นด้วยอันนะั้นการบํารุงพระรัตนะไตรยให้ศาสนาดํารงมั่นอยู่ต่อไปก็ชื่อว่ายัางประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ได้รับความสุข อนุตริยะอีกข้อต่อไปคืออนุสตาอนุตริยะเนี่ยนะหลายท่านบอกว่าก่อนจะหลับก็ละลึกถึงพุทธคุณหลับไปตื่นขึ้นมาก็มาละลึกต่อไปอีกเหมือนกันนะสมมุติว่าละลึกไปเรื่อยๆใช่ไหมละลึกถึงพุทธคุณเนี่ยผู้ที่สาธยายได้หลายๆสูตรก็ละลึกไปเรื่อยๆพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นต้นด้วยการยกย่องชมเชยเนี่ยนะก็หลับสนิดไปตื่นขึ้นมาละลึกต่อนนั้นนะก็อันนี้ก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากได้ อนุสตานุตรยะเนี่ยนะเป็นการระลึกที่ยอดเยี่ยม น, นะถ้าหากว่าเราไม่ระลึกอย่างนี้เนี่ยนะไประลึกสิ่งอื่นๆไม่ยอดเยี่ยมที่ไม่ยอดเยี่ยมเพราะเป็นไปเป็นปัจจัยแห่งบาปและอกุศลแต่การระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นพระองค์นี้ชมเชยเท่าอ น, นิสงส์สติปัฏฐานเลยใช่ไหมชมว่าเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสาตทั้งหลายเนี่ยนะ เพื่อก้าวล่วงโศกะปริเทวะเพื่อดับไปแห่งทุกข์แล้ะโทมนั์เพื่อบรรลุยาตธรรมคืออริยมรรคเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งมันอนุสตานุตริยะเป็นต้นนะจริงๆอนุตริยะทั้งหประการเลย mm. เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลทั้งหมด mm. การที่เราได้อยู่ในปฏิรูปประเทศเนี่ยจะเกื้อกูลทำให้เราได้อนุตริยะทั้งหประการบางแห่งนะได้แต่เฉพาะทัศนานุตริยะ เช่นบางประเทศที่มีแต่เจดีแต่มีการรับ เ, เลิกนับถือทศาสนาแล้วเนี่ยนะแต่ของเรานี่ก็ได้อนุตรยะตั้งหลายข้อถึงไม่สมบูรณ์เหมือนสมัยพุทธกาลแต่ก็นับว่าก็ยังได้นะก็นับว่ามีบุญมากได้ลาพานุตรยะแล้วได้ราบแล้วที่ได้นับถือคาอรพระลิกถึงพระรัตนะตรยัยส่วนสถานที่ที่กล่าวมาในคัมพี์เนี่ยนะกล่าวในคัมภีร์คือมัชชิมะประเทศ ก็คือประเทศอินเดียในตอนนี้นั่นแหละเป็นดินแดนที่พระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นเป็นที่ที่พระมหาสาวกมีภาษาริบุตรเกิดขึ้นภาษาริบุตรนี่เป็นชาวเมืองไหนอ่ะนะเมืองนารันทาะเป็นชาวเมืองนารันทาพระมหากสปะก็เป็นชาวเมืองมคธนะก็อยู่ในแคว้นแคว้นแถวแถวนั้นอ่ะเรียกว่าบ้านมหาติมหาติถาคมส่วนพระ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชาวกบิลพัทใช่ไหมชาวกบิลพัทก็แถวเนปาลส่วนพระประเจกพระพุทธเจ้าก็ไม่เลือกนะนะสามารถเกิดได้ปริมณฑลรอบหมดพระพุทธโคสาจารย์ผู้เรียบเรียงคัมภีรอัตกถาที่เรากําลังเรียนอยู่นี้เป็นชาวพุทธคยาเลนะังนั้นใครที่ไปพุทธคยาก็ควรระลึกถึงพระพุทธโคสาจารย์ด้วยเลนะพระพุทธโคสาจารย์เป็นชาวพุทธคยาท่านอยู่ที่สีลังกามไม่นานท่านบอกว่าคิดถึงพระเจดเอ่อคิดถึงต้นพระศรีมหาโพ อันท่านกลับมาจะได้บูชาต้นมหาโพ้นะพระพระพุทธโคสอาจารย์เพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้เนี่ยนับว่าเป็นเป็นมชิมะประเทศเพราะว่าเป็นที่เกิดของผู้มีบุญทั้งหลายผู้มีบินผู้มีบุญทั้งหลายมีบุญจริงๆนี่จะเกิดที่นั่นเนี่ยนะส่วนของเราทั้งหลายก็มีเหมือนกันแต่มีไม่มากนนะ แต่ถ้าตอนนี้ได้เกิดที่นั่นก็คงไม่เอาอีกนั่นแหละ เ, เกิดที่นี่มันดีแล้วละ่ะแต่ได้ไปไหว้ที่นั่นจะบ้างอานะถ้าไปเกิดที่นั่นไม่รู้จะอยู่ฐานะไหนก็ไม่ทราบอนะไม่รู้อาจจะไปขอยกมา้ายกมือนี่อยู่ครั้งหนึ่งไปที่นารันทาอยู่ข้างๆวัดนะนะมันได้ยินเสียงเกลียวเยี่ยวเยี่ยเยี่ไปหมดฐานไปนี่ขอทานทั้งนั้นเลยนะมันก็ในยุคนี้ได้มาเกิดประเทศไทยในจงภูมิใจเถิด ยอมคนนึ่นก็ไปนะก็บอกว่าโอ้ยเขามีบุญจริงๆที่ได้เกิดประเทศไทยว่างั้นแต่ไปเกิดที่นั่นละแย่แน่นะคุณนภาดีใจไหมที่ได้เกิดที่นี่ดีใจแล้วนะแต่ไปเกิดที่นั่นในเดือดร้อนไม่แน่นะก็บุญของใครก็ของใครนะอาจจะเป็นผู้มีบุญก็ได้ทีนี้มาดูต่อไปว่าปฏิรูประเทศเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ที่ทําให้เกิดการฟังธรรม นนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมก็ตั้งอยู่ในโอวาทของพระพุทธเจ้าของสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าสัตว์ทั้งหลายที่เข้าไปในสุคติโลกสวรรค์ส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากการฟังธรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยเราคงได้ยินนะว่าธรรมทานนิชนะการให้ให้อย่างอื่นทั้งปวงเพราะว่าการให้ธรรมเป็นทานเนี่ย เพราะได้ฟังธรรมนั่นแหละจึงรู้จักให้ทานเพราะการฟังธรรมนั่นแหละจึงรู้จักรักษาศีลเพราะการฟังธรรมนั่นแหละจึงรู้จักเจริญภาวนาเพะนั้นการฟังธรรมนั้นก็นับว่าเป็นมงคลอย่างสูงที่เราจะกล่าวต่อไปข้างหน้าเพราะการได้รับโอวาทจากพระตพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยก็ทําให้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าอย่างน้อยที่สุดขณะนั้นถึงยังไม่ได้นิพพานก็ ตั้งความปรารถนาเพื่อพระนิพพานถ้าสมัยใดที่คนทําบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้านะที่เป็นพระอรหันต์จริงๆเนี่ยเขาตั้งความปรารถนาว่าท่านรู้ทําใดขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีส่วนรู้ธรรมะนั้นด้วยตอนนี้เราก็อย่าไปเอารวมๆแบบนั้นนะก็ตั้งให้ตรงๆเลยว่าพระพุทธเจ้ารู้ทําใดให้ข้าพเจ้ารู้ธรรมะนั้นด้วยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกถ้าไปบอกว่าพระคุณเจ้ารู้ทําใดแบบนี้ก็ ไม่แน่ถ้าพระคุณเจ้ารู้อากูโสรและใดก็เดือดร้อ น, นเพราะฉะนั้นก็ตั้งเอาให้ตรงเลยนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำใดให้ข้าพเจ้าตรัสรู้ธรรมนั้นด้วยถ้าเราไปตั้งไม่เป็นไปตั้งนิพพานแล้วนิพพานของเราเป็นยังไงนะถ้าตั้งคําว่า น, นิพพานเนี่ยเพราะของเดียร์ถิทั้งหลายเขาก็เรียกว่านิพพานเพราะฉะนั้นก็ตั้งให้ดีก็ควรตั้งว่าพระองค์ตรัสรู้ธทำใดให้เรามีส่วนตรัสรู้ธรรมะนั้นด้วย นั่นไปไหว้พระเจดีย์ก็พยายามที่บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำใดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายตรัสรู้รำมานั้นด้วยพระพุทธเจ้ากําหนดรอบรู้ในอุปาทานขันท่าก็ขอให้เรามีส่วนในการกําหนดรอบรู้อุปาทานขันท่าพระพุทธเจ้าละสมุทัยละตันหาก็ขอให้เรามีส่วนในการละตันหาละสมุทยัยพระพุทธเจ้าทำนิโรธคือพระนิพพานให้แจ้งเราก็ตั้งความปรารถนาเพื่อทำนิโรธคือ หรือพระนิพพานให้แจ้งพระองค์อบรมอริยมรักสดาปฏิมรักสกะท า, ามิมรักษนาคามิมรักษรหัตตมรักที่ประกอบด้วยองค์แปดอย่างใดเราก็ขอทํากิจเช่นนั้นด้วยเราก็จะถึงความพ้นทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายชัดเจนอย่างนี้ค่อยๆเจริญบุญไปถ้าเรามีโครงสร้างใหญ่ที่ชัดเจนว่ากําหนดรู้ทุกข์ละสมุ ท, ทยัยทํานิโรธให้แจ้งก็หาข้อมูลต่อไปว่าจะ กำหนดรูทุกอย่างไรละสมุทัยอย่างไรที่มาที่นี่บางท่านบอกว่าขอให้บอกวิธีทำปริญญาในทุกเธอว่างั้นนะนะแม้จะขอทำปริญญาอย่างเดียวเลยนะก็ละสมุทัยด้วยนะทำนิโรธให้แจ้งและก็อบรม อ, อริยมรรคส่วนในการทำปริญญาเนี่ยนะทำที่เป็นปริญญาธรรมก็คงอาจจะได้กล่าวเพิ่มเติมรายละเอียดพอสมควรในมงคลว่าด้วยอริยสัจจานัศนังคือการ เห็นอริยสัพเนี่ยนะครับจะได้กล่าวถึงปริญญาพอสังเขตก็ของที่นั่นอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆแล้วทุกครั้งที่กล่าวนะอย่างเช่นที่กล่าวว่าก็กายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดนะมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกขนมสดต้องอบต้องฟันเป็นนิดท่านจงพิจารณาโดยนะต้องอบต้องฟันเป็นนิดอันนี้เรียกว่ายาตะปริญญา ท่านจงพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวสีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนอันนี้เป็นตีรณปริญญาถ้าท่านพิจารณาอย่างนี้ท่านจะละความเป็นอยู่ในกายความตกอยู่ในอํานาจของกายในกายความเยื่อใหญ่ในกายได้ถ้าพิจารณาอย่างนี้จกละฉันทราคะได้อันนี้เป็นปหานะปริญญาเนะ เวทนามีสมสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาอนะการกล่าวเวทนาสามอย่างนี้เรียกว่ายาตะปริญญาท่านเมื่อสดายเสวยสุขเวทนาเมื่อนั้นก็ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาเป็นต้นแล้วก็เวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นตีรณปริญญา อริยะสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ย่อมเบอือหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมาสุขเวทนาอันนั้นก็เป็นปหานะปริญญาพันธะเราฟังดีๆทุกครั้งเนี่ยมีการกล่าวเรื่องปริญญาอยู่แล้วเนี่ยนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นต้องใช้คำว่าปริญญาอยู่ด้วยจึงจะซึ้งใช่ไหมก็เลยมียี่ห้อติดด้วยหน่อยนะจึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วการฟังพระธรรมก็ควรฟังหลากหลาย นะไม่ใช่หัวข้ออย่างใดย่างหนึ่งเนี่ยนะอยู่ในเล่มยี่สิบนะชื่อว่าทีฆะนขาสูตรจานี้ก็ฝากฝากให้คุณโยมทางน้นด้วยคงจําได้นะว่ า, อ ย, าอยู่ในเล่มยี่สิบนะชื่อว่าทีฆะนขาสูตรเนี่ยนะมัชชิมนิกายมัชชิมปันนาสูตรที่พระองค์ตรัสที่ถ้าสุกร ะ, ระขาตาเขาคิชกุตนะนะใครที่จะไปอินเดียก็อ่านไว้เลยเล่มเขาคิชกุตเนี่ยทีนี้มาดูเรื่องมงคลข้อต่อไปเลยนะ ปบเพจะกัตปุญญาตาแปลว่าปบเพกตปุญญาตาผู้มีบุญอันทําไว้แล้วในชาติปางก่อนอันนะคนมีบุญเก่าอ น, นะความเป็นผู้ปรารบพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระขี่นาศบสร้างกุศลเอาไว้ในชาติที่ล่วงมาแล้วชื่อว่าความเป็นผู้ทําบุญไว้ในปางก่อนอันนี้นะก็คือชาติที่แล้วเนี่ยได้ทําบุญเช่นพระนนทําบุญกับพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมมุตระแล้วก็ตั้งความปรารถนาตําแหน่งเอตทะคะพระสารีบุตรทำบุญตั้งความปรารถนาพระพุทธเจ้าองค์ไหนพระสารีบุตรอโนมาทศีอโนมาทศีอันะอโนมท ศ, มทศีเมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกลับที่แลว้วมันก็หลายท่านก็ทําบุญตั้งความปรารถนาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาผู้ที่ได้ทําบุญกับพระอริยเจ้าพระองค์ก่อนๆมาเรียกว่าเป็นผู้มีบุญทําไว้ในปางก่อน ทีนี้พอตรงนี้กันนะขอแทรกความเห็นส่วนตัวนิดหนึ่งว่าขอมานะี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าชาติที่แล้วเรามีบุญหรือไม่มีบุญแต่แต่รู้ว่าชาตินี้เราจะต้องทําบุญ น, นะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีบุญในปางก่อนนั้นชาติหน้าทีนี้เราไม่กลัวอะไรสักอย่างลนะเราทําบุญไว้แล้วจะเป็นหนักใจทําอะไรเนี่ยนะเพราะเราชาตินี้เราทําบุญด้วยมือของเราเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมทีนี้ชาติที่แล้วไม่ต้องไปหวยหาหรอกเดี๋ยวไปพูดแล้วมันท้อใจาไปหมดนึกอะไรก็ไม่ค่อยเห็นเนี่ยนะ เอาชาตินี้แหละจะเป็นชาตินี้จะต้องเป็นบุญเก่าของชาติหน้าแน่นอนอันนี้รู้เลยนะเพราะอันนี้จะต้องเจริญให้ได้ให้เต็มที่เนี่ยนะอันถ้าหากว่าเราทั้งหลายเนี่ยไปคอยว่าเอ้ชาติที่แล้วเราบุญน้อยบั่งอะไรบ้างชาตินี้ก็น้อยกข้าไปอีกเพราะไม่ค่อยทําอันนี้ก็ไม่คิดแล้วชาตินี้จะทําให้มันชุ่มใจเลยนะทําให้มันเกว่าเท่าที่จะทําได้อะไรทําได้ก็ทํำนะชาติหน้าเนี่ยนะจะไม่รํำพึงรําพันไม่ แม้บุญน้อยอันนั้นทำมาน้อยอันนี้ทำมานิดอันนี้ทำมาหน่อยอันนี้ไม่มีนะนะเพราะว่าโอ้อะไรม้างเราไม่ได้ทำนะนะเราก็จะคิดแบบนี้แล้วต่อไปนั้นก็อะไรที่เป็นบุญเนี่ยก็ไม่เกี่ยงนะจะรีบทำที่สุดอย่างที่ใจมันต้องการแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่ผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลบุคคลเหล่านั้นคือผู้ที่มีบุญเก่าผู้ที่ทาบุญไว้ในปางก่อนเนี่ยนะ ความเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้ในปางก่อนถามว่าเพราะเหตุไรจึงเป็นมงคลเพราะว่าความเป็นผู้ทำบุญไว้ในปางก่อนในชาติก่อนย่อมได้บรรลุเป็นท่ารหันเมื่อจบคาถาแมสีบทนะฟังคาทาย่อๆสั้นๆนนก็บรรลุเป็นท่ารหันได้ของเรานี่ตั้งหลายบทและยังไม่ได้บรรลุเลยก็แสดงว่าบุญในปางก่อนไม่ค่อยดีนะก็แสดงว่าชาตินี้จะต้องทาให้มากๆเข้าไว้นะ มันผู้ที่มีบุญเก่าเนี่ยฟังคถาสีบทต่อพระพักของพระพุทธเจ้าแลบของพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าหรือที่ฟังเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าหรือสาวกก็บรรลุได้นะก็มนุษย์ผู้ใดสร้างบารมีไว้มีกุศลมูลอันหนาแน่นมาก่อนมนุษย์นั้นทำวิปัสสนาให้เกิดแล้วย่อมบรรลุธรรมะที่สิ้นอาสวะด้วยกุศลมูลนั้นนั่นแลเหมือนพระเจ้ามหากปินะและอัครมหิสี ด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่าความเป็นผู้ทําบุญไว้ในปางก้อนพระเจ้ามหากปินะเนี่ยนะเป็นพระราชาที่ใจเด็ดที่สุดในบรรดาพระราชาทั้งหลายพออมสาธบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกบอกจ่ายหนึ่งแสนพระธรรมเกิดในโลกจ่ายอีกแสนหนึ่งพระสงเกิดขึ้นมาในโลกจ่ายอีกแสนหนึ่งแล้วก็เขียนบัญชีบอกว่าไปเบิกเอากับมหสีนะ บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ในทิศใดก็หันม้าไปทางทิศนั้นไม่ต้องมีการกลับไปสังเสียเลยนะขี่มราควบไปหาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไปถึงเจอพระพุทธเจ้าพระงแสดงธรรมก็แน่จริงนะฟังหนึ่งรอบบรรลุโสดาบันตอนหลังไมเหสีตามมาฟังอีกรอบหนึ่งก็บรรลุเป็นพผ้ารหัน์เรียบร้อยเลยอพระเจ้ามาหากปิณาธนี่เป็นผู้มีบุญทํำไวในปางก่อนจริงจริง นั่นก็ผู้ที่ทําบุญเอาไว้มากเนี่ยนะไม่ค่อยมีปัญหาเขาบอกว่าบุญเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดทิศทางแห่งชีวิตนะถ้ามีบุญเอาไว้เนี่ยนั้นคนที่มีบุญเก่าจริงๆเนี่ยทําอะไรก็ไม่ค่อยเดือดร้อนไม่ค่อยลําบากเขาบอกว่าผู้มีบุญเก่านะถ้ามองแบบชาวโลกหนะ่อยคนมีทรัพย์นะนะเขาบอกว่าเขาหลอกขายที่ให้อ่ะถ้าเป็นคนมีบุญนะถูกหลอกซื้อที่เส้นเขาขายที่ไม่ดีสับปะรังเคให้นะแล้วก็ เ้ามีคนมาขอซื้อต่อในราคาที่เร า, าไม่คาดคิดมาก่อนเลยเนี่ยนะเนี่ยถ้าบุญเก่ามันให้ผลไม่ค่อยยากหรอกแค่ก็ถูกหลอกยังได้ดีเลยเนะแต่ถ้าหมดบุญนะโอ้ทำอะไรก็เสียหายหมดเนี่ยอันบุญเก่าเนี่ช่วยเหลือเกื้อกูลมากของเราทั้งหลายนะถ้าเรามองโดยรวมๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นผู้มีบุญเก่าจริงๆอันนี้ไม่เนี่มายกยอปอปั้นอะไรกันเล่นๆ น, นะคือจริงๆนะเชฟตะดูวิเคราะห์เลยนะว่า าเราก็ดีไม่พิการหูก็ดีไม่เสียโมกก็ดีสุขภาพร่างกายก็ดีอ่า น, นะอายุก็ได้ยืนยาวมาขนาดนี้ถ้าเอาจุลกรร ม, มวิพังกระสรนมาจับดูนะจะรู้ว่าเราทำบุญกันค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เป็นประเภทติเฮตุกะปฏิสนธิซะส่วนใหญ่ถามว่าทำไมเพราะว่าฟังแต่ละเรื่องนี่เรื่องก็ยากมากๆเลยนะแต่ละเรื่องนี่ยากมาก ซึ่งยุคใดสมัยใดที่เป็นคารวาสอย่างนี้แล้วมาฟังเรื่องยากๆแบบนี้นะหายากเต็มทีแล้วก็เราทั้งหลายก็ยังฟังกันอยู่ได้ขนาดนี้แสดงว่าติเหตุกะปฏิสนธิเลยแหละเนี่ยนะฝักใฝ่กันขนาดนี้ไม่ใช่ว่าฟังไม่รู้แต่มันรู้ไม่หมดเนี่ยนะทีนี้ที่เราบอกว่าเราไม่ค่อยรู้ก็เพราะว่าเราไปเทียบกับคนที่เขารู้กว่าเราก็เลยบอกว่าเออไม่รู้ซะ ก, ก็จบกันเนี่ยนะแต่จริงๆก็ไม่ใช่วัดถึงกับว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะ ว่สังเกตหลายคนที่นั่งสับ ป, ประงกก็มีไม่กี่คนนะก็แสดงว่าติดตามเรื่องได้นะก็แสดงว่ามีบุญเก่าไว้มากอ น, นะก็ทั้งร่างกายเนี่ยถ้าไม่ค่อยมีบุญจริงจริงยมใช่ไหมไม่มีเวลาได้นั่งฟังขนาดนี้หรอกเนี่ยนะเดือดร้อนหมดแหละเชื่อเถอะทั้งเดี๋ยวก็เดือดร้อนหมดกระจองงองแงจนไม่ได้ฟังธรรมอ่ะนะธรรไม่ได้ถ้าเลิกฟังธรรมก็จะอยู่ดีแต่ถ้า ช่วงพอจะเริ่มฟังธรรมก็ปัญหาก็เริ่มเข้ามาเบียดเบียนแต่นี่ก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากแล้วจงภูมิใจเถอะเนี่ยแต่ขณะเดียวกันให้คิดไว้ด้วยนะถ้ามีกับหมดนี่มันใกล้ๆกันก็ทำหมดนี่ก็แย่มันกันมันบุญใดที่รีบมีก็รีบทำรีบเจริญไว้เถอะเนี่ยะก็อยากจะเตือนอีกอย่างหนึ่งว่าอย่าต้องรอให้คนอื่นเขาหยาดน้ำให้เลยเนี่ยนะะสงสารตัวเองเถอะอย่าต้องรอให้คนอื่นเขาหยาดน้ำให้เลยบุญใดที่ยังไม่ทำก็ทำไว้เถอะ จะได้ไม่ลำบากใจเนี่ยนะเพราะเขามีเนี่ยในคำพีเปรตต่วัตุเนี่ยนะว่าพ่อแม่ทั้งหลายก็โอ้ก็บอกอุตสาแสวงหาทรัพย์เอาไว้ให้ลูกหลานเนื้อกว่ามันจะทําบุญหยาดน้ําไปให้บ้างมันไม่ยอม ม, มือแต่เพลินยางไงนะเพราะฉะนั้นเมื่อวานก่อนเนี่ยนะผู้การพูดอยู่คําหนึ่งนั่งอยู่ตรงที่ตรงโยมนั่นนะนั่งตรงนั่นแหละผู้การใช้คําว่าหนึ่งก็บอกใครที่มีทรัพย์แล้วไม่ทําบุญเลยคนนั้นนี่โง่ามากว่าะงั้น โง่จริงๆเขาว่างั้นถามว่าทำไมจึงอย่างนั้นถามว่าทรัพย์ในโลกมันของใครเอาจริงๆเดี๋ยวถามมันของใครที่ตรงนี้นะก่อนหน้านี้ไม่ใช่ของผู้การนะพะยมหลายๆคนก็ก็เล่าว่านี่นะที่นาผมนะครับตรงนั้นอนะ่ะที่นาผมนะครับยมที่ใส่บาทานะเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นของผู้การมาก่อนแล้วผู้การก็อยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปหรือไม่ล่ะ มันก็ชั่วคราวกันทั้งนั้นไงของเรามาใช้เนี่ยอาจาดีไม่ดีอาจาจะใช้มากกับผู้การด้ว ย, มมยา้ำไหมนะผู้การไปแล้วนไงไปธุระนะไปทุระนะไม่ได้ไปแล้วที่แย่นะ น, นะนะเธอเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆมันใครที่มีทรัพย์แล้วไม่ทําบุญเอาไว้นะเพราะของพวกนี้มันเป็นของชั่วคราวานะ มันเป็นของชั่วคราวจริงๆมันก็ไม่ใช่ของใครจริงๆเอาโดยที่สุดนะแม้แต่ตาที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็ชั่วคราวหูที่เราฟังอยู่ตอนนี้นะที่อาศัยหูได้ฟังก็ชั่วคราวมีจมูกมีร่างกายมีเนี่ยสุขภาพทั้งหลายก็ชั่วคราวเส um. ื้อผ้าที่เรานุ่งห่มกันอยู่นี้ก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวนะเราไม่อาศัยสิ่งเหลนน่านี้แล้วเจริญบุญเจริญกุศลนี่ก็นับว่า สํนวนผู้การบอกว่าโง่มากเหมือนกันนี่พููตามผู้การไหมถ้ามันผิดก็ให้ผู้การมาแก่อคุณนายก็ไม่ช่วยแกพผู้การหรอกนั่นอย่างนี้ี่ยมาทีนี้มาดูอัตตะสัมมาปณิธิบ้างอนะการตั้งความปรารถนาไว้โดยชอบอัตตะสัมมาปณิธิการตั้งความปรารถนาเอาไว้โดยชอบว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมทําตนที่ทุศีลให้ตั้งอยู่ในศีลทุศีลให้ตั้งอยู่ในสุศี ทนี่แปลว่าเลวมากสุแปลว่าดีมากเนี่ยเพราะฉะนั้นจากทูศีนให้สุศีนเรียกว่ามีปกติเป็นคนเลวก็เปลี่ยนปกติอันนั้นให้เป็นคนดีตนที่ไม่ตั้งอยู่ในศรัทธาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาสัมปทาตนที่ตรณีให้ตั้งอยู่ในจาระสัมปทาการตั้งดังกล่าวมานี้ชื่อว่าอั ต, ตสัมมาปนิทิการตั้งตนไว้โดยชอบหรือตั้งความปรารถนาไว้ดี ก็อย่างที่กล่าวว่าทุกคนผ่านมาเนี่ยนะก็วัตตนนี่มันก็อย่างนี้แหละทําดีบ้างทําชั่วบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดีแต่ตั้งความปรารถนาะตั้งใหม่ๆได้นี่นะตั้งได้ะนะที่ทุศีลก็ตั้งเพื่อให้มีศีลอะนะถามที่ยังไม่ให้ก็ตั้งเพื่อจะให้เธอเรายังไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าตั้งได้ถ้าตั้งตั้งคําถามว่า ก่อนหน้านี้มาคุณมุนชูเจริญพุทธคุณเป็นไหมล่ะไม่เป็นแต่แกตั้งเอาไว้แกจึงเจริญได้เจริญได้มากเจริญได้เยอะยนะก่อนหน้านี้มาตมาก็ไม่ได้ไเรียนธรรมะธรรมโมอะไรหรอกแต่ก็ตั้งเอาไว้จึงได้เรียนเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าตั้งความปรารถนาเอาไวด้ดีๆนะจะได้ศึกษาได้เรียนจริงๆขอให้ตั้งเถอะไอ้ที่ปัญหามันที่ปัญหามากก็ไม่ยอมตั้งสักทีเนี่ยนี่ยากมากนะแต่ถ้าตั้งได้นะตั้งแล้วจะดีตั้งขอให้เราสามารถ นะชีวิตนี้เราต้องเจริญพุทธคุณได้อย่างเยี่ยมเนี่ยนะเอาแค่ไหนเราก็ตั้งไว้เลยศึกษานี้เราต้องศึกษาพระธรรมให้ได้เท่านั้นเท่านี้อันนะหลายๆคนเนี่ยใครตั้งความปรารถนาไว้เกินสิบรอบบ้างช่วยยกมือขึ้นคิดน่ะนะก ว, ว่าจากนี้ไปอีกสิบรอบมันไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยนะแล้วดีถ้าเป็นยี่สิบสามสิบรอบได้ยิ่งเจ๋วใหญ่เลยนะถามว่าไม่อ่านพระไตรปิฎกไปอ่านเดชะฉานกถาหรือเนี่ยนะ มันก็หน้าตั้งนะตั้งควรที่จะอ่านอันนี้จะเล่าให้ฟังนะของมาสมัยที่ไปเรียนบาลีเลยนะคือเริ่มเรียนบาหลีเนี่ยโอ้โหมันจะอาเจียนให้ได้เลยโยมเชื่อมันยากสุดๆเลยนะคือไอ้ที่ยากพวกเราก็ไม่ฉลาดมาแต่ไหนแต่ไรยอยู่แล้วเนี่ยพอมาเห็นเนี่ยโอโ้จุดบนจุดล่างไม่รู้เกาอ่านว่ายังไงสะกดก็ไม่ค่อยจะถูกเนี่ยนะไอภาษาไทยก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่แล้วจะไม่ต้องไปเจอบาลีอีกอู้หนักหนาสาหัสมากานะนั้นก็ ก็ทนเรียนไปเถอะเรียนทนบ้างทนเรียนบ้างบางครั้งถ้าเรียนสนุกก็ทนเรียนทนใช่ไหมบางครั้งไม่ค่อยสนุกก็ทนเรียนเดี๋ยวผ่านไปผ่านมาเองนะสิบปีผ่านไปเดี๋ยวเขาก็ว่าเราออยู่ทนเพราะว่าเก่งเองแหะก็ห ล, ลายเรื่องนะมีอยู่ครั้งหนึ่งบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าคัมภีร์เนี่ยปฏิสัมพิธาเนี่ยดีมากพระรูปหนึ่งเ้าบอกว่าตอนนั้นเป็นสมณเนรอยู่ใช่ไหมบอกสมณเณต้องอ่านปฏิสัมพิทาให้ได้อย่างน้อยสามรอบก็ว่านั้น มันดียังไงปฏิสัมพิทานเนี่ยนะเราก็เชื่อเราก็มาอ่านอ่านรอบแรกก็ไม่รู้เรื่องว่าคัมภีเขาว่าเรื่องอะไรบ้างเราไม่รู้เนี่ยนะรอบที่สองก็ไม่ค่อยรู้อีกรอบที่สามมานั่งลอกเลยกันี้นั่งลอกภาษาบาลีบ้างนั่งลอกไปเรื่อยๆบอกว่าคุ้นเคยก็ยังดีรอบที่สามรอบที่สี่ผ่านไปนะก็ยังไม่เท่าไหร่เนี่ยนะก็คิดว่าจะอ่านนี่สักยี่สิบสามสิบรอบก็น่าจะดีเนี่ยนะก็ถ้าไม่อ่านนไม่รู้จะไปทําอะไรเหมือนกันเนี่ยนะ ก็ขอสมาทานเรียนพระธรรมนี่แหละก็คือเพราะว่าโอกาสที่เราจะเรียนเนี่ยมีไม่ค่อยมากนักหรอกนีนะก็ชาตินี้ได้มาเมียบจังขอบคุณยมพ่อยมแม่อยู่ทุกวันเนี่ยกาอนุญาตให้บวชนี่ก็ได้บุญหนักหนาแล้วนะก็เราได้บวชนี่ก็ได้ศึกษาพระธรรมคือคือหมายความว่าแกไม่ชวนศึกเช้าเย็นนี่ก็ได้บุญมากแล้วเ น, นะ <laughs> เพราะก็ยังได้มีเวลาร่มเรียนได้เวลาศึกษาเวลาอ่านนะถ้าตถ้าเรียนอย่างนี้ไปจากนี้ไปจนถึงตายนะ เขาบอกอย่างนี้นะของมาเชื่อบักคนแก่เขาชอบคิดเรื่องเก่าๆใช่ไหมนี่ถ้าเราเรียนธรรมะไปจนแก่เลยนะเราก็คิดถึงแต่ธรรมะโอ้ยอย่างนี้น่าจะได้ดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นะก็ได้ตัวอย่างเขาบอกก็หลายๆคนนะทั้งผู้การทั้งคุณมุนชูเป็นต้นเนี่ยชอบเล่าว่าคนแก่ชอบคิดเรื่องเกา่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนไว้ตั้งแต่เด็กๆนะจนกว่าจะแก่นี่สงสัยคิดแต่ธรรมะนะเพราะเรื่องเก่าใช่ไหมสะสมไว้เถอะพันเราเรียนทั้งหลายเรียนตั้งอายุน้อยๆนี่ได้เปรียบมาก นก็คนวัยเดียวกันกับตาหมามีหลายคนอนะนะคุณรุ่งด้วยนะไปเดีนเรียนบ้างไปอ่านอ่านบ้างตั้งความปรารถนาที่จะอ่านพระธรรมเธอตั้งความปรารถนาที่จะละลึกถึงคุณพร ะ, ะพระสงฆ์การตั้งความปรารถนาเหล่าเนี้ยดีเยี่ยมนะนะไปอินเดียนี่เคยมีเคยตั้งความปรารถนาใครตั้งความปรารถนาจะมาอินเดียกี่รอบคุณหมอบอกหกรอบเลนะตอนนี้ได้สามแล้วนะนะนะตั้งเพิ่มอีกก็ได้นะคุณหมออ๋อเพิ่มแล้วเป็นเท่าไหร่ อ๋อย่างน้อยทุกปีอ๋ออย่างน้อยทุกปีเนะี่ะสาธุสาธุ <laughs> <laughs> แล้วยมวด่นอะตั้งให้ ก, กี่เท่าไหรจนกว่าจะเลิกเอจนกว่าจะไปไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนะออืม่าสาธุะแต่ละคนก็ตั้งอัตตสัมมาปณิทิไว้ดีเยี่ยมทีนี้ของเราทั้งหลายถ้าใครที่ยังตั้งไปไหนไม่ได้ <laughs> ก็พระเจดีใกล้ๆบ้านก็ให้มันได้อาธิตฐ์ละครั้งก็ยังดีอ่ะนะ <laughs> ไม่ใช่ว่าอื้วมจะไปไกลเหลือเกินรอบๆข้างยังไม่ทันได้ไหวเลยอย่างนี้ก็เสียดายมากนะเพราะฉะนั้นอะไรที่พอทําได้ก็ทําไปก่อนนะนะบุญใดที่ทําไปได้ก็ทําไปก่อนอย่าไปใครว่าอย่าไปเอื้วมในสิ่งที่เรายังเอื้วมไม่ถึงก็เอื้วมในสิ่งที่เราพอทําได้เช่นพระพุทธรูปในบ้านเราที่มีอยู่แล้วก็กราบเธอเนี่ยนะก็ขยันกราบมากๆก็ลึกถึงคุณบ่อยๆนั่นก็เป็นบุญแล้วตั้งอัตตาส ม, มาปณิ้ที่เธอศีลก็เหมือนกันนะ ตั้งไว้เลยศีลเราจะต้องสมาทานศีลแล้วการตั้งเนี่ยนะอย่าเบื่อหน่ายในการตั้งตั้งความปราถนาทีก็บุญทีเป็นมงคลทีจะไปตั้งความจะไปรังเกียรการตั้งทําไมตั้งแต่ละครั้งก็ได้บุญทุกทีไปตั้งแต่ละครั้งก็ได้บุญทุกทีไปเป็นมงคลทุกทีไปตั้งบ่อยๆเถอะอะไรก็ได้ที่เป็นบุญตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะตั้งไว้เลยนะตั้งบ่อยๆตั้งมากๆนั่นนะอันนี้ก็ผู้การอีกนั่นแหละ หลายคุณเคยอยู่กับผู้การมาหลายปีแนละ้วก็มีนิทานเรื่องผู้การเยอะเขาบอกว่าตอนนี้ผมเนี่ยมันยัดเยียดเข้าเขาว่างันถ้ามันเป็นกระสอบเนะียัดเข้าไว้เขาว่ากันน <c oughs> ยัดเข้าจริงๆก็บอกแม่มันยากเย็นพอผู้การเล่าว่าสมัยก่อนนะแก็อ่านตือนะถ้าดูสี่ครั้งและจําได้หมดเลยนีถ้าดูถึงถ้าดูสักสี่ครั้งเนี่ยนะจะท่องได้หมดเลยนะก็แต่ก็เชื่ออยู่หรอกเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเล่าไอ้สมุนไพรให้ฟังได้เลยนะ เป็นหมอยาที่ไม่รู้จักตัวยาเลยนะท่องยาได้หมดสมุนไพรมังงั้นก็เชื่อว่าคือความจําก็ดีมากแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยยอมมังงั้นตอนนี้ไม่ค่อยยอมก็เลยยัดเข้าไปยัดเข้าไปมังงั้นก็ท่องได้ตัง้งเยอะเนี่นะผู้การท่องพสูตรได้ตัง้งเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เราทั้งหลายเนี่ยก็คนที่อายุเข้าผู้การหรือเกินกว่าก็มีไม่มากหรอกมีป้านาคเป็นต้นอนะันนั้นมีไม่กี่คนหลักงนั้นคนที่เหลือนี่รองผู้การทั้งนั้นเลยนะอายุน้อยกว่าผู้การทําได้อยู่แล้ว นะมีศรัทธาจะทำหรือเปล่าเนี่ยนะนะหลายคนนี่อ่อนกว่าผู้การอย่างของมานี่อ่อนผู้การตั้งนานทํำไมจะทําไม่ได้เนี่ยนะปัญหาสําคัญคิดจะทําหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่ได้ไม่มีความรู้จําไม่ได้การตั้งความปรารถนา น, นี่มีความสําคัญมากนะจริงๆก็คือความตั้งใจนั่นเองตั้งใจบ่อยๆเถิดสิ่งที่เราควรตั้งใจไว้นะถ้าว่าแบบสรบุปสรปตั้งใจเจริญอินสี่ห้าเนี่ยดี นะนะข้าพเจ้าขอสมาทานประพฤติศกตาปฏิยังฆธรรมสี่ประการเพื่อให้เห็นสัตทินรีใช่ไหมสองตั้งสมาทานเพื่อเจริญสัมมาประธานสี่เพื่อเจริญวิริยินสี่สมาทานเพื่อปรับสติประธานสี่เพื่อเจริญสตินีนะนเจริญฌานทั้งหลายเพื่อสมาธินีเจริญปัญญาทั้งหลายหรืออริยสัตว์เนี่ยนะว่าอันนั้นเพื่อเจริญปัญญินรี แสดงว่าตั้งความปรารถนาเพื่อกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งอบรมและเจริญอริยมรรคเนี่ยนะซึ่งเราก็สามารถตั้งได้ตั้งบ่อยๆตั้งเรื่อยๆแม้กระทั่งกุศลกุศ ล, ลจิตเนี่ยนะเช่นถ้าใครน้อมจะเจริญเมตตาเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าเวลาจากนี้ไปถึงสมมุติว่าเราจะกลับบ้านใช่ไหมจากนี้ไปถึงบ้านสมาทานขอให้เจริญเมตตาไป ถ้าถ้ามันเจริญได้ไม่ยาวขนาดนั้นเอาสักห้าเมตรแล้วตั้งใหม่สิบเมตรตั้งใหม่ยี่สิบเมตรตั้งใหม่ตั้งไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็จะยาวเองก็จะมากขึ้นเองอย่าอย่าเบื่อหน่ายในการตั้งเพราะการตั้งหนึ่งครั้งเป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญแต่ถ้าใครที่รังเกียจในการตั้งอับประมงคลได้ลงแล้วนะยห็นไก็ต้องสะดอกเคราะหะ์แล้วแก้ยังไงแก้ด้วยการตั้ง เนี่ยนนะก็รีบตั้งใหม่ตั้งทุกครั้งคุณมุนชูนี่ก็สังเกตดูหลายๆคำที่พูดเป็นการตั้งซะส่วนใหญ่เอาใหม่นะเอาใหม่นะคำว่าเอาใหม่นั่นแหละคือการตั้งอย่าเบื่อหน่ายในการตั้งใ น, นถ้าตั้งหนึ่งครั้งก็ยินดีแสดงว่ายินดีในการเจริญวงของท่าระยะแต่ที่ประเด็นสําคัญที่สุดให้ชัดเจนนะตั้งเพื่อเจริญอินทรี่ห้าถ้าไปเอาอันใดอันหนึ่งเช่น ังเพื่อจะท่องอย่างเดียวก็จะได้จำเยอะๆเราก็สรรเสริญการจำมากๆทีนี้ถ้าจำมากๆนี่ถ้าเราขาดอินทรีย์อื่นๆละเสียหายไหมเสียหายนะถ้าหากว่าเอาแต่อินทรีย์ข้อใดข้อหนึ่งจนเกินไปศรัทธาเกินไปก็เชื่อง่ายเพียรเกินฟง ม, มุ่งสมาธิเกินเียนมิทะมุ่งปัญญาเกิน ก็ไม่รู้อะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อินทรีห้าให้พอดีกันที่สําคัญทั้งนั้นทั้งนี้อยู่ที่สติเนี่ยนีหมันระลึกถึงคําสอนเธอพระพุทธเจ้าแนะเราไว้อย่างไรก็วิธีคิดอีกนังหนึ่งนะวิธีแบบสมาทานเรียกว่าข้าพเจ้าขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นสารณะพระองค์แนะนําสิ่งใดก็จะทําสิ่งนั้นพระองค์ชี้ว่าไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีด้วยพระองค์ ชี้ว่ามีคุณเราก็ว่ามีคุณด้วยสมาทานอย่างนี้ง่ายๆขอศึกษาตามขอเรียนตามขอปฏิบัติตามขอชีวิตนี้ขอถวายแด่พระพุทธเจ้าจริงๆแล้วพระองค์แนะนาเราอย่างไรก็ขอทาตามอย่างนั้นอันนี้ก็นับว่าเป็นอัตตะสัมมาปณิทิย่างอย่างเยี่ยมแล้วเนี่ยนะการตั้งตนเอาไว้ชอบอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิทิเป็นมงคลเพราะว่าเป็นเหตุละเวน เวนนี่หมายถึงว่าถ้าตั้งสมาทานเพื่อจะรักษาศีลก็กําจัดเวนออกไปคําว่าเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเนี่ยนะพวกนี้เป็นเวนทั้งโลกนี้ด้วยเป็นเวนทั้งโลกหน้าด้วยเนี่ยนะเสียหายทั้งโลกนี้เสียหายทั้งโลกหน้าเช่นถ้าเราฆ่าสัตว์เนี่ยนะถ้าฆ่ามนุษย์เนี่ยคิดหรือว่ายาดญาติเขาจะยอมใช่ไหมอันนี้ก็เวนเห็นเห็นกันละ่ะทีนี้ถ้าชาติหน้าละ่ะ ชาติหน้าไปทําอย่างอื่นอยู่ก็ถูกเขาตามฆ่าอีกแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นเวรทั้งโลกนี้โลกหน้าผิดศีลทุกข้อนะเป็นเวรทั้งโลกนี้และโลกหน้าแต่ถ้ารักษาศีลจะบําบัดเวรภัยทุกชนิดแล้วก็จะได้ประสบอานิสงส์ต่างๆอานิสงส์ที่จะได้ประสบมีอะไรบ้างนะอานิสงส์ของศีล น, นะอังคุตขออภัยคุถกานิกายปุตตสูตรใช่ไหมที่แสดงอานิสงส์ของศีลในปุตตสูตร แสดงอา น, นิสง์ของศีลเอาไว้มากนะไปดูอา น, นิสง์ทั้งพพนี้อา น, นิสง์ทั้งพบหน้าหมั่นสมาทานเถอะสรุปตอนนี้ที่ผ่านไปได้สามมงคลนะคือหนึ่งการอยู่ในปฏิรูปประเทศสองความเป็นผู้ทาบุญไว้ในกอนสามการตั้งตนไว้โดยชอบเพราะฉะนั้นผ่านไปหกมงคลนี้มาขึ้นมงคลคคาถามใหม่อีกต่อไป พาหุสัจจันจะสิปัญจาวินโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจายาวาจาเอตัมมังคามุตตะมังเนี่ยนะพ <c oughs> าหุสัจจันจะเนี่ยนะก็คือความเป็นพหูสูตรใช่ไหมสิปัญจาก็คือศิลปะวินโยจะสุสิกิโตก็คือศึกษาวินัยไว้ดีแล้วสุภาษิตาจายาวาจาการกล่าววาจาสุภาษิตเนี่ยนะทั้งสิแต่ละอย่างเนี่ยนะก็เป็นมงคล นันมาขึ้นมงคลว่าความเป็นพหูสูตรเนี่นยนะมีดังนี้ว่าความเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสัตว์ศาสตร์คือทรงซึ่งทรงไว้ซึ่งคําสอนที่ทรงพรรณนาไว้โดยในเป็นต้นอย่างนี้ว่าเป็นผู้ทรงสุตะสั่งสมสุตะพระพุทธเจ้าสรรเสริญนะว่าเป็นอริยทรัพย์นะการสั่งสมสุตะเนี่นยนะมันผู้ที่สั่งสมสุตะไว้มากก็ชื่อว่ามีทรัพย์มากและว่าภิกษุใน พิสูบบางรูปในธรรมวินัยนี้มีสุตตะมากคือสุตะเคยะวยาการณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละอันผู้ที่สั่งสมความเป็นพหูสูตรเอาไว้มากก็เชื่อว่ามีนาถะการณธรรมมีธรรมะอันเป็นที่พึ่งก็จริงๆนะเป็นที่พึ่งโดยเฉพาะถ้าจําพระสูตรได้แล้วก็ไปอยู่เง้าเงียบบางส่วนเนี่ยนะบางแห่งใช่ไหมต้องไปทําอะไรแล้วจะต้องไปอยู่ตรงนั้นทั้งวันเลยเนี่ยทําอะไรละ่ะ ถ้าบางแห่งบรรยากาศไม่เหมาะที่จะอ่านเพราะตาไม่ไหวไม่เหมาะที่จะฟังตรงนี้แหละที่เราเอาสิ่งที่เราท่องจําไว้ได้มาสวดมาสาธยายเป็นต้นนั้นความเป็นพหูสูตรนั้นจึงเป็นมงคลความเป็นพหูสูตรนั้นเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละอกุศลนนะเพราะว่าคนที่เป็นพหูสูตรเอาง่ายๆเลยว่าถ้าจํามงคลได้รู้ใช่ไหมว่ามงคลทั้ง38เป็นเหตุแห่งความเจริญ ถ้าขัดกับมงคลแม้แต่ข้อหนึ่งอันนั้นก็เสื่อมเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าโอ้ถ้าปฏิบัติตามมงคลนั้นเป็นเหตุแห่งกุศลถ้าไม่ปฏิบัติตามมงคลเป็นเหตุแห่งอกุศลเพราะฉะนั้นเขาเหล่านี้จะละอกุศลและจะประสบกุศลเป็นอันมากสามารถเจริญกุศลได้หลากหลายโดยวิธีการต่างๆทั้นแต่ละวันแต่ละวันอย่างวันนี้เนี่ยใครพอทบทวนได้ไหมว่าวันนี้ได้กี่มงคลอันนะหนึ่งทาน ทานได้ใช่ไหมสองศีลอารติวิรติก็วเว้นจากบาปใช่ไหมฟังธรรมรอนนนฟังธรรมสนทนาธรรมรเห็นสัมณะปูชาจะปูชนียานังโอ้วันนี้จริงๆแล้วได้มงคลเยอะมากเลยนะถ้าลองทบทวนนะ <c oughs> แต่ถ้าทอาอกุศลเมื่อไหร่อัปมงคลมงคลหายหมดอัปมงคลมาหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ ทบทวนนะแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่เราแต่ละแห่งที่เราไปเนี่ยจะได้มงคลอะไรบ้างอันนวิธีถ้าสาธากะสัมปชัญญะนะใครเจริญไม่เป็นเนี่ยจามงคลเอาไว้เลยว่าเข้ามงคลไหมหรืออัปมงคลอะไรบ้างเนี่ยนะคิดง่ายๆอย่างนี้ก็จเจริญสาธากะสัมปชัญญะได้แล้วเนี่ยนะทีนี้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะจะต้องจํามงคลเอาไว้ก่อนนะสาคัญที่สุดนะจำมงคลทั้งสาสิบแปดให้ได้ เพราะอันนี้มงคลจริงๆล่ะถ้าจํามงคลทั้งสามสิแปดไม่ได้แล้วจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตรวจสอบว่าอะไรเป็นมงคลและไม่เป็นมงคลก็บอกว่าถ้าตั้งเพื่อจะท่องมงคลได้ก็เป็นมงคลและจะได้มงคลข้อสุตะด้วยนะแต่ถ้าไม่ตั้งนี่อับประมงคลแน่มาตั้งไว้เลยว่าชาตินี้ยังไงก็ต้องได้มงคลล่ะว่างั้นน่ะคิดดูนะถ้าเราจําได้วันละมงคลนะจําแค่สามสิแปดวันจะได้สามสิแปดมงคลเอาวันละมงคลก็พอ เนี่ยนะแต่ไม่แน่บางคนนะ่ยรีบมากเลยไม่ได้สักมงคลเลยกระนี้เนี่ยนะถ้าคิดระยะยาวหน่อยนะสามสิบปดวันก็ได้แล้วสามสิบแปดมงคลเนี่ยนะก็โดยเฉพาะมงคลเนี่ยในข้อความเป็นพหูสูตรเนี่ยนะทรงจําทรงจํามงคลข้อนี้นี่แหละเนี่ยนะแล้วปฏิบัติตามมงคลแต่ละข้อแต่ละข้อไปเนี่ยเชื่อได้เลยว่าบรรลุมรรคผลแน่ก็สูตรนี้มงคละสูตรเป็นสูตรที่เขาบรรลุกันเยอะแยะไปหมดเลยนะ ถ้าเราจำมงคลแล้วปฏิบัติตามมงคลแล้วไม่บรรลุถึงมงคลมันจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมก็ได้อยู่แล้วล่ละขอให้มีศรัทธาตั้งความปรารถนาเอาไว้ก่อนเถอะอันนี้เป็นมงคลที่สำคัญที่สุดเลยนะท่านพระองค์นี้ช ม, ช ม, ชมเชยมากว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมละอกุศลเจริญกุศลย่อมละสิ่งมีโทษเจริญสิ่งที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธ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 มงคลได้เนี่ยนะขอให้ท่องจําทรงจําแล้วก็หมั่นเจริญเถอะเนี่ยนะพยายามฝึกไปนะยิ่งโตเอาให้ได้นะมงคลอ่านะได้แล้วนะได้แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจักได้เพราะคุณนภาได้แล้วมงคลเหมือนกันนภาบอกก็ดีใจมากจามงคลได้แล้วเหมือนกันก็ดีแล้วดีแล้วสาธุนั่นก็เป็นมงคลเลยนะที่จํามงคลได้นะก็นับว่าเป็นพหูสูตรใช่ไหมเป็นพหูสูตร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 อริยาาสัจจานัทสนังนิพานาสัจฉิกิริยาเอตัมมังคารมุตตะมังเนี่ยโดยเฉพาะมงคลข้อหลางๆเนี่ยจะทําให้เกิดฉันทาทําทให้เกิดศรัทธาเมื่อมีฉันทะก็จะเกิดอุตสาหะเมื่ออุตสาหะก็ใช้อยู่ในดุลพินิจคือการเข้าไปพิจารณาทุกขสัจโดยปริญญาสามเป็นต้ น, น, นทีนี้เมื่อเพ่งพินิจอย่างนั้นก็จะตั้งความเพียรในการเจริญอริยมรรคสัจ เมื่อบำเพ็ญความเพียรอย่างนี้จะทําให้แจ้งประมัตทสัจจคือประมัทนั้นคือนิโรสัจจนะคือนิพานด้วยนามกายและเป็นผู้ทะลุปรุโปร่งในพระนิพานอ น, นั้นแหละด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ที่ยกตัวอย่างว่าถ้าจํามงคลได้เอามงคล น, นี้ไปพิจารณามงคล น, นี้พระอง์ตรัสไว้ไม่ผิดเป็นธรรมที่ควรต่อการเพ่งพินิษพิจารณาจริงๆถ้าเพ่งเห็นตามนั้นแลจะทําให้เกิดฉันท่าอุตสาหะ แล้วก็จะใช้ดุลพินิษพิจารณาทุกขสัตว์ด้วยยาตะปริญญาตั้งความเพียรในการเจริญอริยมรรคสัตว์ทำให้แจ้งนิโรธสัจจะพันพูดอย่างนี้ก็จะละสา ม, มาถละสมุทัยสัตว์ได้อันถ้าเพียรเพ่งทรงจำไว้ได้เพราะว่ามงคลเนี่ยดังที่กล่าวว่าเฉพาะเทวดาเนี่ยบรรลุอรหันเนี่ยแสนโกฏมรูปเป็นพระอริยบุคคลชั้นล่างๆหาประมาณไม่ได้อันนะ ก, ก็ทรงจำเอาไวเ้เถอะ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 จำนวนผู้บรรลุโสดาปติผลสกท า, าคามีผลอนาคามีผลนับไม่ได้นี<ๆ>ะก็บางท่านก็บอกก็เทวดาให้เขาบรรลุเราไม่ใช่เทวดาก็เลยยังไม่ได้บรรลุไงเดี๋ยวเป็นเทวดาแล้วค่อยว่าอีกทีอย่งั้นอันหนึ่งแม้ความเป็นพาหุสัจะความเป็นพหูสูตรของเครือข่ายอันใดไม่มีโทษอันนั้นก็พึงทราบ ว, ว่าเป็นมงคลวิชาการทางโลกนะที่จําไว้ได้แต่เป็นวิชาที่ไม่ได้ส่งเสริม อุศลกรรมบทสิบอนาการทรงจำในสิ่งเหล่านั้นได้ก็เป็นมงคลใช่ก็อย่างผู้ที่ประกอบอาชีพใดโดยโดยเฉพาะที่เป็นสัมมาอาชีพเนี่ยนะถ้าทรงจำในสิ่งนั้นนั้นได้ก็นับว่าเป็นมงคลด้วยนะเพราะนำมาซึ่งประโยชน์สุก์ในโลกทั้งสองเนี่ยนะเพราะว่าวิชาการทางโลกบางอย่างบางสาขาก็นะก็ไม่ได้เสียหายประโยชน์โลกนี้ใช่ไหในขณะเดียวกันก็ไม่ขัดอะไรต่อประโยชน์ โลกหน้าเพราะชื่ อ, อได้สําเร็จประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้านะความเป็นพหูสูตรนี้พระองค์ชมเชยยกย่องมากะนะก็ยกตัวอย่างมาหลายแห่งด้วยกันโดยเฉพาะยกข้อความมาจากกีตาคิริสูตรนะในหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเนี่ยยกมาจากกีตาคิริสูตรเนะ น, น, นี่ยาากก น, นะส่วนข้อความซ้ายมือนี่ก็มาจากหลายแห่งเช่นนาถากัลนธรรมเป็นต้นเนี่ยนะนี่มาขึ้นมงคลที่แปดมงคลที่แปดเนี่ยนะสิบปันจัก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 คุณพานี่ก็นับว่าเป็นผู้ที่มีศิลปะในการออกแบบเกี่ยวกับเครื่องเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะก็บอกว่านั่นก็เป็นศิลปะที่ก็อบอกว่าทําอะไรก็ติดตลาดในนี้ก็คุณรัยก็บอกว่าออกผ้าอันไหนมาก็ติดตลาดนะก็บอกว่าเขมรก็สั่งลาวก็สั่งมาเงนินเถอะก็เลยเขาบอกว่ามีศิลปะในการออกแบบเกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะไอความที่มีศิลปะเหล่านั้นเนี่ยนะประกอบอาชีพได้ถึงทุกวันถ้าไม่มีศิลปะเหล่านั้นคิดหรือว่าจะได้มาฟังทำอย่างนี้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 ก็อาชีพกลุ่มทำบาปทั้งหลายและเนี่ยนะเพราะพวกนี้ต้องอาศัยศิลปะพอสมควรนะนะก็เรียกว่าพลิกแผ่นดินน่ะให้มันเป็นอะไรเป็นสินค้าได้นั่นแหละเครียกว่ากลุ่มศิลปะเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นมงคลส่วนพระภิสูจทั้งหลายพระพิสูจนนะว่าการจัดทําสมณบริการมีการกะและการเย็บจีวรเป็นต้นซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญไว้ในที่นั้นๆโดยในเป็นต้นว่า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 และพระองค์ก็ตรัสว่าผู้ที่ขยันช่วยเหลือกิจการงานของพระพิสุเพื่อนสัพพรมจารีก็นับว่าเป็นนาถกรณาธรรมธรรมที่ทําที่พึ่งอันความรู้ในการเย็บการย้อมเป็นต้นนี้ก็นับว่าเป็นมงคลของบรญประชิตเนี่ยนะของนัก บ, บวช ท, ทั้งหลายอันถ้าแบ่งตามนี้แล้วก็มงคลศิลปะที่เป็นมงคลของคารวาสกับศิลปะที่เป็นมงคลของบรญประชิตเนี่ยนะ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 อันใครที่รู้จักคบผู้ที่มีศิลปะก็จะทำให้เขาเป็นผู้มีศิลปะไปด้วยเนี่ยนะถ้าคบกับคนไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยนะถามมาดีไหมเดี๋ยวนานๆเข้าเราก็จะทำอะไรไม่เป็นเลยอีกเหมือนกันเนี่ยนะนั่นก็การครบผู้ที่มีศิลปะมีความรู้ความสา ม, มารถก็ทำให้เรามีสติปัญญาทำให้สา ม, มารถทำกิจการนั้นๆได้วินโยจะสุสิคิโตเนี่ยนะ วินโยนี่หมายถึงพระวินัยสุสิกริโตหมายถึงการเรียนเนี่ยนะมันมงคลข้อที่เก้าก็คือการศึกษาวินัยไว้ให้เป็นอย่างดีทีนี้วินัยนี่ก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มวินัยของนักบวชกับกลุ่มวินัยของเครหัดเนี่ยนะเครหัดและบรรพชิตนั่นเองบรรดาวินัยสองอย่างการงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบชื่อว่าวินัยของเครหัดวินัยนี่แปลว่ากําจัดนะ ท่านก็ศึกษาวินัยคือการกําจัดบาปอักุศลคืออกุศลกรรมบดสิบได้นี้ก็นับว่าเป็นมงคลของคารวาสท่า น, นชีวิตของใครก็ตามที่ไม่ล่วงอกุศลกรรมบท10ประการชีวิตของบุคคลนั้นก็นับว่าเป็นเป็นมงคลนะเป็นมงคลวินัยของเครือหัดนั้นครือหัดศึกษาดีแล้วในวินัยนั้นชื่อว่าเป็นมงคลเพราะนํามาซึ่งประโยชน์สุขในโลกทั้งสอง ด้วยการไม่ต้องกิเลสความเศร้าหมองและด้วยการกําหนดคุณคืออาจาระคือมัญญาได้แก่ศีลคารวะทั้งหลายควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกุศลกรรมบทเอาไว้ให้ดีปานาติบาศมีองค์เท่าไหร่เช่นย่งเงยตัวอย่างนะปานาติบาศมีองค์ห้าคือหนึ่งสัตว์มีชีวิตสองรู้ว่าสัตว์มีชีวิตสาจิตคิดจะฆ่าสพยายามฆ่าห้ 5, สาสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น ถ้าครบองค์อย่างนี้มีโทษยังไงให้ผลนนำเกิดในอบายถ้าให้ผลนในประวัติการก็อายุสั้นอย่างนี้ทีนี้ต่อไปอีกว่าปาณ า, าติบาสมีอะไรเป็นอารมณ์มีชีวิตติณสีเป็นอารมณ์ขณะที่ทำปาณ า, าติบาสเวทนาเป็นอย่างไร ท, ทุกขเวทนาเรียกว่าทุกขเวทนาตัวปานาติบาสโดยโกธาสะโดยตัวที่ทำให้ทำปาณ า, าติบาสคืออะไร ตัวเจตนาเป็นตัวตัวทำปานาติบาตแล้วมูลรากเหตุตุปั จ, จของปาณาติบาตคือโทสะกับโมหะเนี่ย น, นะโทสะกับโมหะเป็นเหตุตุปั จ, จให้เพราะการที่สามารถวิเคราะห์แล้วทุกข้อทุกข้อทุกข้ อ, ขอไล่ไปอย่างนี้ได้ก็จะรู้ในกรรมที่อะไรควรทําอะไรไม่ควรทําสามารถวิเคราะห์แยกแยะว่าถ้าครบองค์ห้าเนี่ยประตูบายเปิดแล้วนะเฉพาะตรงนี้นะ ขุดลมไว้ตรงเลยนะถ้าตกลุมนี้เมื่อไหร่ก็อบายแล้วนะเพราะฉะนั้นก็สามารถทรงจำเอาไว้แล้วข้อ ง, งดเว้นเป็นอย่างไรอั น, น, นงดเว้นด้วยการสมาทานด้วยการงดเว้นเป็นต้นมันละลืกบ่อยๆว่าอันน้นเขาก็เป็นสัตว์ที่หวงแหนชีวิตแม่เราก็หวงแหนชีวิตเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเมื่อหวงแหนชีวิตด้วยกันเราก็ไม่ควรฆ่าเขามันละลืบอย่างนี้บ่อยๆในกุศลกรรมบทสิบประการอันนี้ก็นับว่าเป็น มงคลชื่อว่าศึกษาวินัยที่ได้ศึกษาไว้ดีแล้วเนี่ยนะศึกษาค้นคว้าหารายละเอียดเกี่ยวกับกุศลกรรมบทสิบประการเอาไว้ให้ดีอันนี้เป็นมงคลเนี่ยนะเป็นมงคลแก่ตัวเราจริงๆเพราะว่าอากุศลกรรมบทสิบนี่มันประตูอบายชัดๆเลยนะประตูอบายจริงๆเพราะว่าอบายอปายะนี่แปลว่าความเสื่อมอบายนะีแปลว่าไม่เจริญอปายะปลายะอะปลายะแปลว่าไม่เจริญหมายว่าเสื่อมโดยส่วนเดียว